ก็มาขึ้นรายการมงคลต่อเลยนะควรนะหนึ่งมงคลข้อที่หนึ่งม ห, หนึ่งไม่ครบคนทานสองครบบัณฑิตสามบูชาบุคคลที่ควรบูชาสี่อยู่ในปฏิเรศที่สมควรห้าปเุเพกตะปุญญาตาหกอัตตะสัมมาปณิทิต่อไป พหุาสตว์จะศิลปะวิในที่ศึกษาดีแล้วสุดท้ายวาจาสุภาษิตลูกน้องพวกการเนี่เก่งมากในขนาดหัวหน้าไม่อยู่แค่แป๊บเดียวแลวนะทุกชั้นจำได้เกือบหมดแล้ะจะกลนน้าเ า, าหน้าเกินหัวหน้าแล้วคนนี้ทีนี้ก็บอกว่าไม่คบคนพานให้ไปครบบัณฑิตเนี่ยถ้าเกิดเราตอนที่เราพานนี่เราจะทำยังไง ว่าถ้าเรางี่เง่าขึ้นมานึกโทสะขึ้นมาใช้เฉยอย่างนั้นนะนะทำไงละครนี้ อ, อ๋อเรียผาบัณฑิตเลยนะเหตุแก้เรียบชาระเอาก็แล้วกันเพราะไม่งั้นนี่ก็พานกับบัณฑิตมันเป็นอยู่พักๆอ่ะนะอีกพักก็เป็นทานอีกพักก็เป็นบัณฑิตอีกพักก็หลับเป็นอัพยากระตาไปก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> สลับสลับเคล้ากันไปอย่างนี้นะก็แก้ๆเอานะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะคําว่ามงคลเนี่ยแปลว่ามงคลนะ <c oughs> เหตุแห่งความเจริญ เหตุให้ได้รับความเจริญปัญธาอับประมงคลมีที่ไหนเมื่อไหร่ก็แสดงว่านั่นเป็นเหตุแห่งความเสื่อมถ้าเรารู้จําแนกแยกแยะว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสีอ่อมก็ละเว้นเหตุแห่งความเสือเเเส่อมตั้งอยู่ในเหตุแห่งความเจริญนี่มาขึ้นมงคลคนที่เท่าไหร่ที่สิบเอ็ดนะ มาตาปิตุอุปัฏฐานาังปุตตะธารสสังขโหงออนาคุลาจะกามันตาเอตัมมังขลามุตตะมังน่นเมื่อกี้เก่งมากนะหลายคนว่าเป็นบาลีเลยบางหลายคนก็ว่าเป็นภาษาไทย น, นะชมทั้งหมดท่าอาตมาเป็นคนให้คะแนนน่ถูกหมดเลยเวนว่าจะจามาผิด น, นะบาลีก็ได้ไทยก็ดีนะการบำรงเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นต้นเนี่ยเป็นมงคลอันนี้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 อพ่อแม่ดินี่กาลังพูดพ่อแม่อยู่ <c oughs> <c oughs> อ๋อแช่น้ำนวดเท้าทุกเช้าฮืมสาทุกอ๋อมีบุญมากอนะเปิดเทปธรรมะให้ฟังอีกทำไมมีบุญจังเนาะทำบุญอะไรมาเนาะอ๋อได้อุ้มด้วย <c oughs> เป็นครั้งคราวนะ <c oughs> เก่งมากนะสะผมให้ด้วยแต่งตัวให้ด้วยอาบให้ด้วยโอ้หนี่เข้าหลักคัมภีร์เลยนะเนี่ยอันนั้นเป็นเหตุแห่งความเจริญกุณอะไรได้ทำนั่นนะ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 อันนี้ถือว่าคนใกล้ชิดนะนแต่งตัวให้อันนี้พูดถึงคนใกล้ชิดถ้าหากว่าห่างออกมานิดหนึ่งพวกนี้ก็ช่วยในด้านปัจใจสีพวกที่บ้านใกล้เรือนเคียงก็มีกับข้าวมีอาหารมีอะไรก็เอาไปฝากนะและอีกถ้าไกลไปกว่านั้นอีกก็ช่วยเป็นเงินเป็นทองนะก็มีวิธีการแบ่งเป็นสามระยะใช่ไหมระยะอยู่ในที่เดียวกันก็มีการอาบน้ขาขัดสีบีบนวด ดูแลให้อาหารแบบใกล้ชิดเลยถ้าหากว่าบ้านไกลไปอีกนิดหนึ่งก็มีอาหารอะไรดีๆมีอะไรที่ตัวเองประทับใจพอใจก็ยกให้พอ่อให้แม่ก่อนแล้วค่อยบริโภคในภายหลังอันนี้สำหรับบ้านใกล้เรือนเคียงลราแวกเดียวกันถ้าไกลไปกว่านั้นอีกเนี่ยก็หาเครื่องบรรณาการทั้งหลายจตุปัจใจเงินทองทั้งหลายนี่ก็มาช่วยเท่าที่จะทำได้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 ทุกคนก็มีมงคลข้อนี้อยู่แล้วละมากบ้างน้อยบ้างตามสมควรนะโดยที่สุดโยมพ่อตมานี่ก็นับว่าเลี้ยงคุณปู่ดีนะะเกิดมาก็เราจะกินข้าวก่อนแกก็ไม่ยอมเราต้องตักให้ปู่สัก่อนเนี่ยนะโอ้ปู่ที่ดีดยังไงทําไมเราก็ไม่ค่อยได้กินสักทีนะอะไรอะไรก็ให้แต่ปู่ให้แต่ย่าหมดหเราเป็นลูกก็ไม่ค่อยได้กินสักทีเนี่ยนะ ก, ก็มีมงคลข้อนั้นอ่นะถึงข้ออื่นๆได้ไม่มากแล้วก็ยังมีข้อนี้เอาไว้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 เวลาพูดถึงพระพุทธเจ้าเขาก็จะไม่ปีติโสมนัสอะไรเลยนะนนใครที่ละลึกถึงพ่อละลึกถึงแม่แล้วปีติโสมนัสได้โดยที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับอกุศลนี่นนะปีติโสมนัสได้นี่ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากเป็นผู้ที่ปฏิบัติสัมมาปฏิบัติอยู่กับพ่อกับแม่จริงๆตั้งอยู่ในสัมมาอัตตสัมมาปณิทิแต่ก็มีเมื่อไม่นานเนี่ย ผู้ ว, ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกล่าวถึงพลทหารคนหนึ่งนะก็นนว่าที่ไปเยี่ยมทหารในชายแดนแล้วทหารเนี่ยหมวกนี่เป็นรูมหมดเลยแต่ว่าทหารไม่ตายนในในเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามทหารทหารบอกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นบอกเอาผ้าถุงแม่ตายใ น, นนั้นแหละาง้งนะเอาเป็นเครื่องรางอย่างดีนะเมื่อนี้ไม่ใช่เรื่องนานนะเมื่อสักเมื่อสมัยที่เวียงแหงเนี่ยเมื่อสักสองสามเดือนที่แล้วนี่เองน่นะ น, ในก็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 ลืมพ่อลืมแม่กันหมดเลยคำว่างนันนึกถึงคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ถ้าส่วนใหญ่ะคนใกล้ๆนะที่ไม่ใช่พ่อแม่นะะแล้วขนาดเดียวกันนะถามจริงๆเหรอพวกลูกๆทั้งหลายนี่เลี้ยงง่ายนักหรืออย่างไรนะเลี้ยงง่ายไหมลูกๆทั้งหลายนั่นงอยู่ในท้องเนี่ยไล่ออกมาเหรอพอมันเจริญเติบโตมาเนี่ยนะเป็นเด็กเล็กที่แง่กันอุ้มชูเล่าให้ฟังว่าป้อนข้าวอยู่ครั้งละครึ่งวันมั้งนั่นหลานก็นะ ป้อนมันก็แปดโมงมันไปเสร็จสิบเอ็ดสิบสองโงกั น, นะนะป้อนให้มันเคียเค้ยวเคีว้วเคี้ยวแล้วมันก็พ่นทิ้งพุ่งอ่ะนะไมคนป้อนนี่จะรู้สึกยังไงมีความสุขมากไหมทุกมากเลยนะจะเวลาจะให้เขากินทีก็ต้องรบกันทีนั่นแหละนะเรื่องราวใหญ่โตนี่ถ้านี่นะยังเด็กๆตัวนิดเดียวเองนะถ้ามันโตขึ้นกว่านั้นอีกมันเริ่มงองแงเริ่มซุกซนชนนั่นจับนี่เสียหายหมดแหละแล้วก็เดือดร้อนอีกใช่ไหม แล้วมันโตส่งไปเรียนอีกมันเรียนอย่างที่เราต้องการไหมรเปล่าส่งไปเรียนมันไปที่ไหนกล่องหมายรู้เนี่ยนะกลับบ้านเวลานี้ควรถึงบ้านไม่ถึงอ่ะพ่อแม่ก็เดือดร้อนทพราะหลายๆคนในห้องนี้นะถ้าได้ลูกเข้าเรานี่น่าสนใจไหมถ้าเราสมมุตินะถ้าเรามีลูกขอให้ลูกเรานี่เหมือนเราเช่นเราเลยนะหลายคนนี่ปลื้มใจไหม <c oughs> ก็นับว่าถ้าปลื้มใจก็นับว่าคนนั้นเยี่ยมเลยนะ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 ไม่เคยทนอะไรอยู่กับของสกรปรกเท่ากับการเลี้ยงลูกไม่มีอะไรที่จะลําบากเน็ดเอยขนาดนี้นะของมาไม่เคยมีหรอกแต่เห็นเห็เขาเลี้ยงอ่ะนะแต่เล่าให้ฟังจริงๆก็หลายๆคนในที่นี้ก็โอ้แต่ก็มีหลายคนที่ไม่มีลูกอ่ะนะแต่ว่าหกสิเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็มีลูกกันก็คงมีเข้าใจปัญหาว่าอะไรมันเป็นอะไรอ่ะนะแล้วเราทั้งหลายก็เคยเป็นลูกกันทุกคนอยู่แล้วแล้วก็กําลังเป็นลูกอยู่ใช่ไหมพ่อแม่ไม่ใช่ว่าจะคุยกับเราง่ายๆนะใช่ไหม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 พรหมนิหารเรียกว่าอยู่อย่างประเสริฐกับบุตรทั้งหลายแล้วก็ท่านเป็นบุรพาจารย์สอนเราทุกเรื่องนะคนอื่นไม่มีใครที่ตามจ้ำจี้จ้ำชยัยตามสอนลูกสอนสอนลูกเข้ากับพ่อกับแม่เนี่ยทีนี้พูดถึงผู้ที่เป็นบุตรเนี่ยนะถ้าที่จะสนองคุณของท่านนะตามที่ท่านมีอุปการะต่อเราเนี่ยไม่ง่ายเลยที่จะตอบแทนคุณของท่านได้หมด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 ที่นอนการขัดสีการให้อาบน้ำและล้างเท้าเพราะการปรนิบัติมารดาบิดานั้นบัรดิต ท, ทั้งหลายพึงสารเสริญเขาในโลกนี้เขาละโลกไปแล้วอย่างบันเทิงในสวรรค์นียนะังเขาก็ได้ทำบุญกับผ้าหั่นเลยถ้าหาะ้าหั่นทำบุญที่ไหนไม่ได้ก็พ่อแม่ของเรานั่นแหละที่เรียกว่าควรเป็นนาบุญของเราที่สุดที่เราควรจะทาวิธีตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมารดาบิดาว่า มารดาบิดาเนี่ยเสมอด้วยผ้ารหันเสมอด้วยของสูงทั้งหลายเราคิดดูนะถ้าใครฆ่าพ่อฆ่าแม่บาปเป็นยังไงอนันตริยกรรมใช่ไหมอนันตริยกรรมถ้าพ่อเลวสุดๆแล้วลูกฆ่าล่ะ<ม>ก็อนันตริยกรรมถึงจะอยู่ในฐานะใดก็ตามบุตรทั้งหลายเมื่อประพฤติทุจริตกับมารดาและบิดาก็ตกอยู่ในอำนาจของอนันติยกรรมขณะเดียวกันถ้าท่านอยู่สภาพใดถ้าเรา ทำบุญเลี้ยงดูท่านก็นับว่าเป็นทำบุญกับพระอาหารหันต์เช่นกันคือมันปัญหาในยุคนี้ก็คือพ่อแม่บางครั้งเนี่ยนะในบางกรณีก็ไม่ค่อยทำตัวเป็นพ่อแม่สักเท่าไหร่คือหมายความว่าเป็นความทุศีลเป็นอาจินเนี่ยนะตั้งอยู่ในความเลวสารพัดเนี่ยนะะพ่อแม่บางคนก็ขี้เหล้าเมายาดุดาลลูกหลานเรียกว่าที่เขา คำพูดเสียดสีบิดามารดาปกติมารดาบิดาควรจะเป็นร่มโพ ร, ร่มไสของลูกของหลานใช่ไหมอันนี้มันเป็นร่มตาบ้างร่มมะพร้าวบ้างดี๋ยวก็ฟ้าผ่าบ้างเดี๋ยวก็กิ่งไม้แห้งตกใส่หัวลูกบ้างอย่าง น, นี้เราว่าสรร ห, หาคำมาด่าคำสรรหาคำมาเน็บแนมโดยประการต่างๆซึ่งลูกบางคนก็ต้องไปเจอกับพ่อแม่อย่างนี้เนยเขามารู้จักหลายคนด้วย <c oughs> เขาก็หนักใจค่อนข้างมากเลยเนยะ <c oughs> คือที่หนักใจส่วนหนึ่งไหมครับว่า พูดอะไรก็ไม่ได้ไอจะอดทนหรือมันก็มันอย่างว่านะก็คนมีกิเลสกับคนมีกิเลสเนี่ยถ้าหากว่าไปล่วงเกินแม้แต่คำเดียวก็ชีวิตเป็นไงก็ขาดทุนชีวิตอีกละวนเสียหายโดยประการทั้งปวงโต้ตอบก็ไม่ได้แล้วถ้าตั้งอยู่ในความทุ่มสินเป็นอาจินอย่างพ่อแม่บางคนนะที่มีในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเขาตั้งเป็นปัญหามาถามเ้าบอกว่าเขาเนี่ยมาทางานในกรุงเทพเงินเดือนนี่หมื่นกว่าบาท พ่อแม่เนี่ยไปเที่ยวเป็นหนี้เป็นสินเดือนละสองสามหมื่นบาทเนี่ยนะทีนี้แล้วก็ขี้เหล้าเมายาเล่นการพนันเนี่ยก็แล้วก็มาขอเงินลูกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะถามว่าผู้ที่เป็นลูกจะคิดยังไงผู้ที่เป็นลูกก็ทุกมากมากมา ก, ก็เลยเขียนปัญหามาระบายว่าใครหาทางออกให้ทีบ ว, ว่าจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงเนี่ยนะพ่อแม่ขี้เหล้าเมายาเล่นการพนันติดเนี่ยนะ คือก็ตั้งตั้ ง, ต, งตัวขูดรีดลูกจริงๆนะเน่ตรงนี้เนี่ยสำหรับลูกบางคนที่เรียกว่ากระตันยูรู้คุณเนี่ยก็ค่อนข้างหนักใจมากเลยว่าว่าจะทำอย่างไรในการที่กล่าวว่าการสงเคราะห์พ่อแม่เนี่ยนะจได้บุญมากอันนี้ก็เป็นจริงแต่ก็ไม่ใช่จะง่ายเนยะเพราะว่าพ่อแม่บางคนไม่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเลยคือยเรียกว่าโดยประการใดๆก็แล้วโดยวิธีการใดๆก็แล้ว ลูกหลานเนี่ยทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากอย่างเช่นนะยกตัวอย่างว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยปัจจัยสีมันเป็นบุญใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าพ่อแม่ขี้เล่าติดเล่าเนี่ยนะแล้วลูกซื้อเล่าให้กินแล้วมันจะได้บุญหรือเปล่าตรงนี้จะทำไงเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยดีไม่ดีก็บางทีก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็เบียดเบียนบุตรเหมือนกันนะหมายความว่าทําตัวให้บุตรนึกถึงตนเมื่อไหรก่ก็บาปทุกครั้งโทรสะทุกทีโทรมรัะทุกครั้ง อ๋อ น, นะบางคนก็เลยกล่าวกับพ่อแม่ว่านี่พ่อแม่จะทําให้ลูกบาปไปถึงไหนเนี่ยเรางั้นคือมันก็อดไม่ได้ใช่ไห้ความผูกพันกันในความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรเนี่ยถ้าพ่อแม่ทําตัวไม่ดีแล้วลูกเขาจะคิดยังไงลูกเขาก็เดือดร้อนบ้านใกล้ใกลเนี่ยในหมู่บ้านนี่แหละลูกน้องผู้การนี่แหละมีอยู่คนหนึ่งลูกเขาบวชเป็นเนร์พ่อเขาปกติก็ขี้เมาย่ำเปย์นั่มมสสนนะ นนะลูกไปบวชแล้วพ่อขี้เล่าอยู่บ้านเนี่ยนะแล้วก็ลูกก็บวชไปเนี่ยนะแล้วลูกจะให้ลูกเขาคิดยังไงเวลาไปเจอเพื่อนพระเพื่อนเนรว่านะโอ้พ่อฉันมันขี้เล่านะจะบอกว่าเทพไหมไม่เลยเทพอะไรเลยนะทุกโทรมนัดบ้างฮะลูกก็ถือว่าเป็นปมด้อยมีปมด้อยนะเพราะว่ามีพ่อแม่ที่ไม่ตั้งอยู่ในในศีลธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทีนี้เขาก็โยมคนนี้ยเขาฐานะเป็นลูกด้วยเขาเป็นพ่อด้วยทีนี้เขาก็มีพ่อขี้เล่าเหมือนกัน แล้วแล้วโยมเวลาเห็นพ่อยมกินเราเนี่ยยมว่าไงยมคิดยังไงผมก็ตกคะขนดเลยครับเพราะผมโม้จะจะทําจะได้เขาทุกข์ของเขาเหมือนกันนะะก็บอกอ่ะแล้วโยมถ้าโยมคีดเราเมายาแล้วลูกโยมจะคิดยังไงเออมันก็เหมือนกันเนาะนี่นี่อาจารย์ผมลดมาห้าสิบปอร์ซ็นตแล้วนะเนี่ยกำลังนั้นก็เอาให้มันถึงร้อยเธอลูกหลานจะได้มีความสุขบ้างอนะเพราะตอนหนาเห็นใจนะเพราะุพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมอะไร ทำตัวเครียกว่ากลับไปเป็นทารกใหม่เสี็จแล้วเนี่ยนะทีนี้เป็นทารกที่อยู่ในฐานะฐานะอะไรฐานะพ่อแม่อ่ะนิสัยเหมือนเด็กทุกเรื่องเลยแต่ว่าฐานะพ่อแม่ซึ่งถ้าเป็นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงดูลูกทำไมมันในฐานะลูกจะตีก็ได้จะดุก็ได้อะไรก็ได้มันก็ไม่มีโทษมีภัยอะไรแต่ถ้าตั้งอยู่ในฐานะพ่อฐานะแม่เนี่ยนะขอร้องก็แล้วอ้อนวอนก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยนะ บันผู้ที่เป็นลูกทั้งหลายก็นับว่าหนักใจโข อ, อย่างที่อัตมารู้จักเลี่ยลูกบางคนเนี่ยนะหนักใจกับพ่อแม่เป็นสิบสิบปีที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคือพ่อแม่เป็นผู้ที่กินเหล้าเมายาใช่ไหมแล้วลูกหลานเนี่ยต้องหาสตังมาจ่ายค่าเหล้าให้พ่อแม่ตลอดเนี่ยไอจะนึกว่านี่เราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเลี้ยงดูนะมันก็ไม่ได้บุญอ่ะเมื่อว่าพระ อ, องค์ตรัสว่าอาการให้ที่ไม่เป็นบุญก็ให้อะไร ให้อะไรเป็นทานแล้วไม่เป็นบุญให้เหล้าเป็นต้นเนี่ยนะให้ยาเสพติดเนี่ยเป็นทานเนี่ยไม่เป็นบุญเนี่ยนะให้เหล้าให้บุหรี่เนี่ยนะนยนะไม่เป็นบุญแล้วก็เช่นให้สัตว์ผสมพันธุ์กันเป็นต้นเนี่ยนะให้สาตรายาพิษให้อาวุธการให้ประเภทนี้ไม่เป็นบุญตรงนันข้ามมีโทษเสอีกแต่ทีนี้ถ้าผู้ที่เป็นบุตรเนี่ยนะสำหรับพ่อแม่ที่แหมขี้เราขี้เราขี้เหล้าเมาย่ําเปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่ลูกจะต้องหาสตังค์จ่ายเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะลูกก็ทุกโถมันัดมากข้าวปลาก็ไม่กินกินแต่เล่าอย่างเดียวเลยนะก็ก็รู้จักนะนะข้างๆบ้านก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ที่บ้านบางทีก็เป็นอย่างนั้นเออไม่ใช่บาง น, นะหลายทีก็เป็นอย่างนั้นแนะนะก็นับว่าหนักใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊จะทํำยังไงพูดมากก็าบาปนะะพูดดีๆเขาก็เฉยไม่รู้เรื่องเองโอนับว่าทุกโขเหมือนกันนะเอามาเนี่ยโอ้บางทียังอธิษฐานเลยโ อ, โอ้เจอกระฉากเดียวก็พอแนละ้วมั้ง เจอกันบ่อยๆเดี๋ยวที่นี่จะบาปเยอะแล้วนะเนี่ยต่อไปเนี่ยเรื่องของใครก็ของใครใครจะทําอะไรก็ทําแล้วมันในบุญก็ช่างเถอะอย่าทําบาปก็ใช้ได้แล้วนะบางกรณีนี้ต้องคิดอย่างนั้นด้วยซ้ำไปพอดีกันนั่งอยู่ด้วยก็เลยมีโอกาสเลยเอาซะหน่อยนั่นนะครูพีคุยกันก็ชักมาค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะมันก็พันคืออันที่จริงแล้วมันก็ลําบากทั้งฝ่ายที่เป็นพ่อแล้วก็ฝ่ายที่เป็น ลูกอะนะก็ก็เดือรอนจริงๆอะนะใครไม่เห็นโทษของวัตตะก็อยู่ไปจะได้เจอในทุกสภาพนั่นแหละคือถ้าเกิดถ้าตั้งอยู่ในกุศลธรรมบ้างเนะี่ยะไม่ทำบาปทํากรรมอะไรเลยนะี่ก็ดีเออแต่ว่าช่วงสองสวันนี้ไม่รู้บุญอะไรไม่ทราบบอกว่าเมื่อวานก่อนก็อุโบสถเมื่อวานก็อุโบสถอีกบอกเมื่อเช้าถามอีกโอ้คนนี้อุโบสถอีกโอ้ดีนสงสัยได้กา ร, รยานามิตรหลายคนอนะช่วยสงเคราะห์เลยอนะ่ะ เชื่อไหมเขามาคุยกับยมพ่อมาเสียกว่าปีแล้วไปไหนก็ไปเนี่ยนะดีไม่ดีละฟังธรรมมากอนะในห้องนี้ด้วยซ้ําไปนะไอเพราะว่าไม่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ยินก็ไม่ใช่โอ้ทั้งได้ยินได้ฟังสารพัดที่จะบ้านอะนะแต่ว่าเลิกไม่ได้โเนี่ยนะอย่างบุรีนะโอ้ถ้าใครบอกให้เลิกได้นะจะขอบคุณมากๆเลยให้ขอบคุณมานละสามครั้งก็ยอมอนะถ้าให้แกเลิกได้นะ เมาาื่อเช้ายมพ่อเนี่ยเป่าบุหรี่ไกลๆหน่อยเดี๋ยวมันเนี่ยมันจะหวัดลงคออีกแล้ว น, ะ <c oughs> นี่ยแล้วก็ก็น่าเห็นใจนะเข้อมาเนี่ยใช้โอ้ยขอร้องก็กกกกแล้วโอ้อ้อนวอนก็แล้วโอหลายแล้วแล้วนั่นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ชั ก, ช, กชักกะป ก, ปกตินะพ่อแม่เขาเจริญอุเบกขาต่อลูกใช่ไหมตอนนี้ลูกชักจะเจริญอุเบกขาบ้างแล้ว <c oughs> มันปรับตละปัดกันไปหมดแล้วตอนเนี้ย นึกถึงพ่อเมื่อไหร่พ่อก็มีกรรมเป็นของของตนนั่นแหละมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดือนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นดิพึ่งอาศัยพ่อจะทํากรรมอะไรไว้ก็รับกรรมของพ่อไปก็แล้วกันก็คุยกันก่อนแล้วเราก็บอกแล้วนะว่าพ่อเนี่ยทำบาปไว้เยอะแล้วนะฆ่าสัตว์เอาไว้เยอะเนี่ยนะพ่อเลี้ยงลูกแต่ก็มีนะก็ขอมากับยมพ่อเนี่ยบางทีคิดอยู่เรื่องหนึ่งนะสมัยเด็กๆ เ, เ, เนี่ยบ้านเรามันเป็ น, เ ป, นเป็นท้องนาท้องทุ่งไงไม่ ทีนี้ห่างจากหมู่บ้านออกไปสักสิบกว่ากิโลเนี่ยหรือสิบกิโลเนี่ยมันจะมีไอ้ที่เรียกว่านองน้ําเนี่ยนองน้ําเป็นที่หาปลาทั้งหลายมันพ่อก็เช้ามาก็จะหอบข้าวก็หอก็นหนึ่งปั่นจักรยานเก่าๆอันหนึ่งเนี่ยไปหาปลาที่ที่นองน้ําที่มันไกลเป็นสิบกิโลก็ปั่นไปเราเย็นๆแล้วก็นั่งรอพอเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาจะได้กินต้มปลากันนะอันนั้นก็คิดถึงในส่วนนี้เราก็ ก็คือพ่อก็คือพ่อนะที่เราไม่สามารถคิดเป็นอื่นได้ถ้าเราคิดเป็นอื่นเราก็เป็นบาปเป็นอากูสนมากนะมนะันเราก็จะทำในส่วนที่เราควรควรจะทำแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าคุยอ้อนวอนแล้วจะได้ผลนะกับยมพ่อเนย <c oughs> นก็ใช้หลายๆวิธีเอาเนี่ยนะแต่ว่าที่เป็นที่น่าสังเกตก็ดูท่าจะได้บาปมาหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่านึกถึงเมื่อไหร่ก็โทรมานะไม่ใช่ขอธรรมาคนเดียวนะน้องคนอื่นๆก็เหมือนกัน แต่ก็มีบุญโขเหมือนกันนะลูกไม่ขันเข้ามาทางนี้ทุกคนเลยนะจะว่าทุกคนก็ได้เนี่ยนะมีลูกห้าคนดีนะถ้าไปสร้างปัญหาให้ด้วยจะหนักขนาดไหนไม่ทราบเน่ะแวก็เนี่ยนะนนะก็วันนี้ที่พูดนี้ก็หวังว่าพ่อจะดีขึ้นนั่นแหละจะได้บุญบ้างนะเนะเนี่ยนะถ้าวันนี้ประสบความส้เร็จเนี่ยจะได้บุญอีกมากเลยนะเนี่ยทีนี้กล่าวถึงกิจกรรมห้าอย่างในการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะ ทํากิจของท่านและการดํารงวงสกุลเป็นต้นอย่างนี้ก็เชื่อว่าเป็นการบํารุงนะช่วยเหลือกิจของท่านท่านมีกิจอันใดที่เราจะไปแบ่งเบาภาระที่จะรับภาระเหล่านั้นแทนท่านหมายคำ ว, ว่าให้ท่านหนักใจน้อยลงนะกิจการงานทั้งหลายใดๆที่พ่อแม่ท่านทําอยู่บางทีมันเป็นภาระมากมันคิดมากก็รับเป็นภาระทำให้พระโพุทธศาสนาเนี่ยสมัยที่ในชาดกเนี่ยนะกล่าวไว้หลายเรื่อง พอพ่อแม่มีปัญหามีธุระมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งจะต้องเสียชีวิตก็ตามลูกทั้งหลายก็เข้าไปขอรับภาระแทนอย่างเช่นสุตโสมชาดกเนะี่ยท่านก็รู้ว่าพ่อจะตายพ่อจะต้องถูกฆ่าเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็ยอมไปตายแทนนะซึ่งตอนหลังก็ไม่ได้ตายจริงๆแต่ทูถึงว่าความเสียสละรับภาระของพ่อแม่ กิจการงานเพราะว่าพ่อแม่บางคนไม่ต้องไม่ต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องไปบีบไปนวดไปอะไรแต่ว่ากิจการงานของท่านทั้งหลายในส่วนใดที่เราพอรับเป็นธุระทำให้ได้ก็ควรที่จะรับเป็นธุระอนนั้นให้เพื่อความสบายใจของของท่านเนี่ยนะมันส่วนใดที่จะทําให้ท่านมีความสุขทางร่างกายและจิตใจได้ก็ช่วยกันไปเถอะช่วยกันแบ่งเบาภาระอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการบํารุงบิดามารดาเหมือนกัน หรือแม้กระทั่งการดำรงทําตัวดีสมควรแก่ฐานะสมควรแก่ตระกูลเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบำรุงท่านเพราะพ่อแม่บางคนนะเขาต้องการแค่ว่าลูกไม่เลวนี่ก็ถือว่าพ่อแม่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยนะถ้าพ่อแม่บางคนที่มีบุญมากอยู่ในฐานะสูงในตําแหน่งสูงการทําตัวดีๆของลูกไม่สร้างปัญหาไม่ติดยาเสพติดนี่ก็พ่อแม่ก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงส่งอนะแค่นั้นก็นับว่ามีประโยชน์อย่างเยี่ยมแล้ว การบำรุงนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์สุขในปัจจุบันห้าอย่างเพราะว่าพ่อแม่ในห้ามไม่ให้ทําบาปเป็นต้นดังที่พระผู้มีพระภาคสอนไว้ในสิงคาลากะสูตรแก่สิงคาลากะมานบว่าดูก่อนขึ้นหาบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าเนี่ยนะลูกนะกิจของลูกอะ่ะห้าคืออะไรบ้างเราเราท่านท่านเนี่ยเลี้ยงเรามาแล้วเราก็จะเลี้ยงดูท่าน อันนะั้นก็เปลี่ยนกันเลี้ยงอันนะคนละทีจากทํากิจของท่านจากดํารงวงสกุลของท่านจากปฏิบัติตัวเหมาะที่จะเป็นทายาททายาทายาแปลว่าผู้รับมรดก น, นะทำสมควรแก่ผู้รับมรดกสุดท้ายเมื่อท่านล่วงลับดับขันคือตายไปแล้วจากทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พอมาที่รู้จักลูกหลายคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาถือว่าภาระอย่างหนึ่งของเขาคือทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่ เพราะเขถือว่ามรดกที่เขาใช้สอยอยู่ทุกวันนี้เป็นของพ่อของแม่เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเอาสมบัติของท่านที่มีอยู่เนี่ยทาบุญแล้วอุทิศไปให้ท่าน น, นะนะดยการแสวงบุญโดยประการต่างๆเพื่อจะอุทิศไปให้พ่อให้แม่ดูก่อนบุตรขรหาบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงบํารุงด้วยสถานห้าเหล่านี้ทีนี้ฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เนี่ยนะเมื่อบุตรบํารุงอย่างนี้แล้วก็จะอนุเคราะห์บุตร สงสารบุตรด้วยสถานห้าคือหนึ่งห้ามบุตรจากความชั่วเนีนะมันถ้าบุตรคนใดกำลังทำชั่วอยู่พ่อแม่ดีใจด้วยนะแสดงว่าพ่อแม่นั้นใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือห้ามบุตรจากความชั่วให้บุตรตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะจัดหาภริยาที่สมควรให้นะถ้าเป็นฝ่ายฝ่ายหญิงก็จัดหาคู่ครองที่สมควรให้ คอยคัดไอคนที่ไม่ดีออกไปก็ยังดีมอบทรัพย์มรดกให้ในเวลาที่สมควรก็ดูเวลาเวลาไหนที่เขาควรรับทรัพย์รับมรดกได้แล้วเป็นตน้นอันนี้ก็ผู้ที่เลี้ยงท่านตอบทากิจของท่านดํารงวงศกุลปฏิบัติตัวที่เหมาะพอที่จะเป็นทายาทหรือเมื่อท่านล่วงลับตับขันไปแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้อันนี้ก็นับว่าเป็นการบารุงมารดาบิดา อันนี้เป็นการบำรุงแบบธรรมดาทั่วๆไปนะชาติใดศาสดาใดก็ตามก็ขอให้บำรุงลักษณะนี้นะซึ่งต่างประเทศบางทีเขาไม่ศึกษาธรรมะเขาก็ทำตัวลักษณะนี้อยู่แล้วนะแต่พิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ในพระศาสนานี้ก็คือผู้ใดบำรุงมารดาบิดาให้เกิดความเลื่อมใสในวัตถุทั้งสามคือให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าให้เลื่อมใสในพระธรรมให้เลื่อมใสในพระสง แล้วก็ให้ท่านเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลไอ้ตรงเนี้ยทํายากให้เลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงค์ก็พอได้ละแต่ว่าให้ถึงพร้อมด้วยศีล น, นี่ยากบวชนี่ไม่มีเขาเลยอ่ะนะพระท่านถา้าวมากนี่เห็นพระพุทธรูปแล้วเป็นไงคิดจะบวชบ้างหรือเปล่าสงสัย จ, จเป็นชาติหน้าเขาเหมือนกันนะดูท่าจะยากเหมือนกันนะนั้นก็ให้ท่านถึงพร้อมด้วยศีลด้วยการบวชนะบวชนี่ขมมักก็ยังดีนะซือสินแปดแล้นี่แหละเป็นยอดแห่งการบํารุงมารดาบิดานะ ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยนะให้เลื่อมสายในพระรัตนตรายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายองมาเคยเคยคิดแล้วก็เคยพูดด้วยว่านี่นะถ้าเราทําให้แม่เราเลื่อมสายในาศาสนาได้นะโอ้ยโลกนี้เราช่วยได้หมดอะไม่มีใครที่เราโปรดไม่ขึ้นแบบเชิงถ้าเราโปรดแม่เราได้เนี่ยนะมันก็เขาบอกว่าในบรรดาคนที่ถ้าเอาธรรมะไปกล่าวด้วยนะพ่อแม่เนี่ยคุยด้วยยากที่สุดเนี่ยนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะ พรา อ, อะไร พ, พ่อแม่ก็อย่างที่เขากล่าวผู้การกล่าวเมื่อกี้ใช่ไหมก็มองเห็นลูกเป็นลูกวันยังค่อมนั่นแหละนะแล้วฐานะลูกเป็นผู้ที่ตั้งยืนให้เป็นผู้ให้โอวาตอะไรจะเกิดนะมันจะยากขนาดไหนเพราะมีหน่าแล้วท่านจึงบอกว่าบุญมากเหลือเกินเนี่ยนะเพราะทำยากมเมื่อคืนนิยมก็ยังมาปารอบเรื่องนี้อีกเหมือนกันใช่หมเก้าสิบกว่าแล้วก็ยังไม่ค่อยเอาเลยอย่างเง้ยนะความห่วงลูกคือนั่นแหละแล้วแม่เก้าสิบเนี่ยลูกควรจะเท่าไหร่ดีนะนะดูถ้าจะห่วงลูกมากเล้วเกิ น, นย่งเงย นั่นก็นับว่าที่จะสงเคราะห์เกื้อกูลพ่อแม่เนี่ยนับว่ายากมากนะที่ที่จะช่วยเหลือได้นะแต่ก็มีนะในห้องเราเนี่ยอย่าง ค, คุณหมออินสอนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะก็มีลูกสาวที่แสนดีคอยส่งเทพส่งเอ็มดีส่งอะไรให้ฟังเยอะแยะไปหมดเลยนะก็นับว่ามีบุญมากนะแล้วก็ลูกก็ได้ตอบแทนบุญคุณไม่ค่อยยากนักใช่ไหมได้พ่อแม่มีศีลดีมีคุณธรรมดีก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่ น, นะนึกถึงเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะปลื้มใจได้ แต่สำหรับพ่อแม่ของบางคนนี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะนึกถึงพ่อแม่เมื่อไหร่โทรมนัดเข้ามาทันทีเลยนะเพราะว่าพ่อแม่บางคนก็ดังที่กล่าวไปว่าไม่ได้เป็นคนดีสมบูรณ์แบบอะไรอะไรเสมอไปเนยนะทนะุศีลก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ยอมฟังเหตุผลโดยประการทั้งปวงเลยนะนะถือในถือในศักดิ์ศรีในความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเดียวเลยนะมีแต่เท่านั้นแหละไอ้ลื่นไม่มีหรอกอย่างเงอันนี้ก็น่าเห็นใจมากว่าคติของหน้าคติข้างหน้าของท่านจะเป็นอย่างไรเนอะ เนี่ยนะว่าท่านจะไปอย่างไรเนาะพ่อแม่เนี่ยความที่ท่านเป็นผู้มีอุปการะมากเลยนะซึ่งชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในมือของท่านมานานเต็มทีซึ่งถ้าหากว่าท่านประมาทเราหรือเผลอเรนในตัวเราชีวิตของเราก็คงจะหาไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาการที่ท่านให้ชีวิตเรามาตั้งแต่อยู่ในคันเป็นต้นมาเนี่ยนะตั้งแต่อยู่ในคันมาท่านไม่ยอมดื่มสุราไม่ยอมขี้เหล้าเมา ย, ยาไม่ติดยาเสพติดให้เราพี่กอน พี่กงพี่การทางสมองนี่ก็นับว่าเป็นบุญหนักหนาแล้วเนี่ยนะที่เราก็ยังได้คลอดออกมาได้สมบูรณ์แบบไปยังเลี้ยงดูส่งเสียเล่าเรียนจนเจริญเติบโตได้ขนาดนี้ก็นับว่าท่านมีอุปการะต่อเราเป็นอย่างมากในการที่เราจะสามารถให้ท่านเป็นมนุษย์คืนนี่สิอ่านะเราก็ให้ยืบยื่นมนุษยธรรมให้ถึงให้ท่านให้ท่านมีมนุษยธรรมคืออะไรกุศ ล, ลกรรมบทสิบเนี่ยนะการที่จะให้ท่านดํารงอยู่ในกุศลกรรมบทสิบนั้นก็นับว่า ถ้าใครทําได้ก็นับว่ามีบุญมากะนะของมากดูว่าจะทําบุญอันนี้สําเร็จหรือเปล่าไม่ทราบกําลังพิจารณาอ ย, อ, ยรอยู่กําลังทําอยู่ทํากรรมอยู่นะนี่ขนาดมาอยู่ด้วยกันนะแต่ก็ตอนนี้บอกใครเลี้ยงใครบอกพ่อก็ยังเลี้ยงอยู่ดีเนี่ยนะไม่นา่าคุยกันยากอย่างนี้เพราะพ่อตามเลี้ยงทุกวันนี่เลยเพราะมั้นมงคลที่สิบเอ็ดสิบสองมงคลที่สิบเอ็ดก็คือการบํารุงมารดามงคลที่สิบสองคือการบํารุงบิดาเนี่ยนะซึ่ง สมัยนี้ด้วยเป็นสมัยที่หมู่ชนทั้งหลายหวาดระแวงในพระภิกษุเนี่ยนะพระพิสุในยุคนี้เนี่ยประชาชนค่อนข้างหวาดระแวงเพราะฉะนั้นหานาบุญทําบุญไม่ค่อยได้ก็พ่อกับแม่เรานี่แหละทาไปเถอะแม่แต่สมัยพูต้ตากันพระพูทธเจ้าเนี่ยเวลาคนเอาอาหารไปให้คนนั้นไม่เลี้ยงดูพ่อแม่พระองค์ยังกลับให้อ า, อาหารนั้นไปให้พ่อให้แม่เลยเพราะว่าพ่อแม่นั้นถ้าบุตรไม่เลี้ยงแล้วใครจะเลี้ยงเนี่นะถ้าหากว่าลูกไม่สงสารแล้วใครจะสงสาร เขาบว่ายิ่งคนสูงอายุเนี่ยนะก็นับว่าเป็นถือว่าเป็นคนที่อับั๊บใช่ไหมทางร่างกายอ่ะ น, นะทางร่างกายนี่ก็เสียหายไปทุกเรื่องทางจิตใจเนี่ย น, นะเอาเวลาที่ไหนไปคิดอริยศาสตร์พ่อโมแต่คิดถึงลูกตลอดเวลาเนี่ยนะชีวิตที่ผ่านมาของพ่อแม่โดยมากคิดถึงแต่ลูก mm hmm. เมื่อใช้เวลาทั้งหมดค่อนชีวิตคิดถึงแต่ลูกเลยนะหวังแต่ลูกไม่ได้คิดอริยศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นชีวิตในบ้านปลายชีวิตของพ่อของแม่ทั้งหลายก็ก็ยังไงอยู่ด้วยอะไรล่ะ ท่านไม่มีความสุขทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยนะก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นใครที่สงเคราะห์อนุเคราะห์บิดามารดาได้นะั้นก็นับว่าเป็นบุญมากทีนี้พอลูกๆทั้งหลายเนี่ยมีข้อเสียอยู่ว่าทําอะไรกับพ่อกับแม่ไม่มีความอดทนเนี่ยแต่ซึ่งต่างจากพ่อแม่ทํากับลูกใช่ไหมพ่อแม่นี่อดทนตลอดนะลูกมันจะงอแงอยู่ครึ่งคืนพ่อแม่กเปลอาใจอยู่นั้นไหม มันจะร้องให้มันจะอะไรนะมันจะยังไงก็ตามเถอะทนอยู่อย่างนั้นตลอดไปทนอยู่เป็นสิบสิบปีแต่พอเอ่อพอลูกไปบํารุงพ่อแม่นะพอพ่อแม่อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยลูกก็ทําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็พ่อแม่เนี่ยนับว่าเป็นผู้ที่อดทนในเรื่องลูกๆมากๆถ้าลูกทั้งหลายอดทนกับพ่อกับแม่เท่านั้นบ้างนะี่ก็จะได้บุญไม่ใช่น้อยอันที่จริงพ่อแม่ที่สงเคราะห์ลูกเนี่ยเขาเป็นการให้กู้นะ แต่ว่าการที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเป็นการใช้นี่เนี่ยนะเป็นการใช้นี่ที่พยานกแขกเต้าพระโพธิสัตว์อดีตชาติเป็นนกแขกเต้าพระโพธิสัตว์นี่ก็จะไปจิกเอาอาหารแล้วก็จะคีบเอาไปรวงหนึ่งนะรวงใหญ่ๆรวงหนึ่งไปเขาก็แบ่งอันนัส่วนหนึ่งเอาไปใช้นี่เก่าก็คือเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ส่วนหนึ่งก็เอาไปให้เขากู้ก็คือไปเลี้ยงบุตรและภริยาส่วนหนึ่งเอาไปเก็บเอาไว้ เนี่ยนะเอาเรียกว่าเอาไปฝังก็คือการไปทําบุญแก่นกป่วยเป็นต้นเนี่ยนะทั้นใครที่สามารถใช้ทรัพย์แบ่งทรัพย์ได้อย่างนี้ได้ในชีวิตชีวิตในชาตินี้ก็เป็นชีวิตที่ไม่เป็นหมันเป็นชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์แต่ไม่ทําตามกิจดังกล่าวไปนี่ก็นับว่าจาักรลำบากใจเป็นแน่ในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าถ้าไม่ทําบุญกับพ่อกับแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีเนี่ยนะจารีต ศ, ศีลเราไม่ดี เมื่อจารีตศีลเราไม่ดีกล่าวตรงๆเราก็ไม่คู่ควรที่จะบรรลุมรรคผลถ้าเป็นคารวะนั่นถ้าไม่บำรุงบิดามารดาก็ไม่คู่ควรบรรลุมรรคผลประดุจพระพิสุทั้งหลายถ้าอยู่กับครูอาจารย์เป็นต้นแล้วไม่ประพฤติวัดปฏิบัติก็ไม่ควรแก่การบรรลุมรรคผลฉะนนั้นเนี่ยนะอันพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยนะตรงนั้นน่ยคือสะพานแห่งการบรรลุมรรคผลการการออกจากวัตฏะในพระพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาอื่นเนี่ยนะ เพราะว่าคนที่ทำความผิดพลาดในวะะัฏะออกจากวะตฏะไม่ได้เนี่ยนะจะต้องทำตัวให้ดียี่ยมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะปลดได้ง่ายๆนะไม่ง่ายถ้าหากว่าทำตัวผิดเช่นว่ามหาผู้ทั้งหลายควรพิจารณาตามเป็นจริงแต่ไปพิจารณาด้วยโทสะก็ออกไม่ได้ไปยึดติดติดข้องก็ออกไม่ได้ไปโง่เขาหลงงมงายก็ออกไม่ได้ เพราะฉะนั้นวิธีที่จะปลดเรื่องตนออกจากวัตตะนี้ไม่ใช่คิดว่าไม่เอาแล้วก็พอไม่ใช่นะแต่ใช่สติใช่ปัญญาใช่เรี่ยวใช่แรงใช่ความบากบัน่นใช่ความอดทนเป็นอย่างมากแต่ถ้าทำอย่างนี้แค่ระยะหนึ่งก็พ้นทุกแต่ถ้าไม่ทำนะจำอดทนอยู่ในวัตฏตลอดไปเนี่ยนะไม่ทนก็ต้องทน่ะสมมติถ้าถ้าแขนขาดางไม่ทนก็ต้องทนใช่ไหมเอามันขาดไป แ, แล้วจะไปทำยังไงอะ ถ้าอยู่ในวัฏฏะนัยิ่งยิ่งจําต้องทนมากแต่ถ้าศึกษาดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามถ้าทำคําสอนทนครั้งเดียวแ ล, ล้วพ้นเลยนะก็ให้ให้ตั้งอัตตะสัมมาปณิที่เอาไว้ให้ดีมันผู้ที่สามารถอุปการะบิดามารดาจนถึงให้ท่านไม่มีสารณะให้ท่านอยู่ในสารณะท่านไม่มีศีลให้ท่านตั้งอยู่ในศีลท่านไม่ได้ฟังธรรมให้ท่านได้ฟังธรรมท่านไม่ได้บวชให้ท่านได้บวชตลอดจนถึงท่านไม่ได้บรรลุมรรคผล ทำให้ท่านบรรลุมรรคผลได้นี่ก็ชื่อว่าสุดยอดของผู้ที่ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยนะ ก, ก็สุดยอดเพราะัน ท, ทางาศาสนาเราให้ความสําคัญตรงนี้มากภาษารีบุตรเนี่ยนะะเวียนไปสงเคราะห์แม่หลายครั้งไปเมื่อไหร่ก็ถูกด่ากลับมาเนี่ยนะไปเมื่อไหร่ก็ถูกด่ากลับมาอาหารก็ให้แบบให้เทเสียทิ้งเสียเนี่ยนะก็ให้ด้วยด่าด้วยอย่างเนี่ยนะท่านก็ไปมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ย พระพุทธเจ้าถามพระราหุลว่าพระาหุลเธอไปบิณฑบาตที่บ้านคุณย่ามาหรือเปล่าคือพระาหุลเนี่ยเรียกแม่ภาษาริบวดว่าคุณย่านนะเพราะภาษาดิบวดพระราหุลนับถือภาษาริบุตรประดุจพ่อและก็บอกว่าไปบิณฑบาตบ้านคุณย่ามาไหมบอกไปแล้วคุณย่าว่าไงคุณย่าก็ด่าแล้วอุปชาของเธอว่ายังไงพระอุปชาก็เงียบพระเจ้าข่ามันมานั้นก็ท่านก็แวะเวียนไปสงเคราะห์ จนแม่อายุร้อยี่สิบปีเนี่ยนะแม่อายุร้อยี่สิบปีตอนนั้นท่านจะดับขันปริเนพานแล้วจึงสงเคราะห์แม่ได้แม่ของท่านนั้นมีอายุร้อยี่สิบปีตอนบรรลุนะแต่ก็นับว่าแข็งแรงกว่าลูกมากเพราะแม่ลูกดับขันปริเนพานพ่อแม่ก็ยังอยู่นะพ่อแม่นั้นก็ได้ฟังพระพุทธคุณจากภาษารีบุตรเนี่ยนะฟังพระพุทธคุณจบก็บรุลุเป็นพระโสดาบันก็ชื่อว่าเขาบอกว่าแค่เท่านี้ก็พอแล้ว สำหรับค่าน้ำนมที่นางสารีเนี่ยเลี้ยงมาสารีนี่เป็นชื่อของสารีนี่แปลว่าสาระนะผู้มีสาระสาระเนี่ยมาแต่ถ้าเป็นบุคคลก็เรเป็นสารีผู้มีสาระเนื่องจากว่านางสารีคนเนี้ยเป็นคนมีรูปสวยอย่างหนึ่งเป็นคนมีทรัพย์มากเนี่ยอย่างหนึ่งตระกูลสูงเนี่ยอย่างหนึ่งก็มีสาระอยู่สามอย่างในตัวก็เลยเรียกว่านางสารีฉันบุตรของนางสารีก็เลยชื่อว่าสารีบุตรนั่นนะก็ นางสารีเนี่ยมีลูกอยู่เจ็ดคนมีลูกที่เป็นพระอรหันต์อยู่เจ็ดท่านด้วยกันเห็นไหมพระสาลีบุตรเนี่ยนะพระอุปเสนอุปเสนนวังคันตบุตรพระสารีบุตนนะร น, น, น, ตตรรตนีก็ลูกนางสารีนั่นแหละแต่พระอุปเสนเนี่ยลูกของวังคันธพ ร, รมะนะ <radioactive gracias> เรียกตามชื่อฝ่ายพ่อบ้างเรียกตามชื่อฝ่ายแม่บ้างะนะอุปเสนเนี่ยเรียกตามฝ่ายพ่อว่าอุปเสนวังคันตบุตรก็คือลูกของวังคันตพราม ภาษาดีบทก็ลูกของนางสารีแต่ชื่อจริงๆท่านชื่ออุปติสะตามชื่อหมู่บ้านของท่านนะภาษารีบุทก็ยังต้องไปตอบแทนพระคุณของมารดาจนได้บรรลุเป็นพระอริยะพระผู้มีพระภาคก็ยังไปสงเคราะห์พระนางสิริมหามายาใช่ไหมด้วยการไปแสดงพระพิธีเจ็ดคำภีเนี่ยนะเพื่อสงเคราะห์พระพุทธมารดาเทศติดกันอยู่3มเดือนเนี่ยนะสงเคราะห์แม่เนี่ยโหสงเคราะห์มากเลยนะ กาจะได้ประสบความสำเร็จสงเคราะห์แม่ได้พาะการตอบแทนบิดามารดานั้นทางศาสนาเราคำสอนในศิขาสาให้ความสำคัญมากนะศีลและศขาเนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นมันศิขาคือการสงเคราะห์มารดาบิดาก็เป็นศิขาเบื้องต้นนับเนื่องอยู่ในอธิศีลศิขาบันผู้ใดที่ได้ทำกิจตอบแทนพระคุณของพ่อแม่อยู่แล้วก็มีความสุขปราบเริ่มใช่ไหม ส่วนหลายท่านไม่ได้ตอบแทนคุณก็ค่อนข้างไม่สะดวกใจนักแต่ว่าก็ควรสมาทานไว้จะต้องหาโอกาสหาเหตุหาปัจจัยให้พร้อมที่จะ ก, กระทำนะนะไม่นานมานี้ก็อาจารย์แดงก็ได้ทำกิจไปแล้วนะก็นุมโมทนาด้วยนะที่ได้มีโอกาสนะก็เลี้ยงดูแม่จนแม่อายุแปดเก้าสิบนี้ก็ได้บุญมากนะตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงดูพ่อแม่นะชีวิตยี่งใครที่ยังเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนพ่อแม่ไม่ค่อยสบาย แล้วเลี้ยงดูอยู่นานโดยที่ไม่มีโชซะเนี่ยนะก็เขาได้บุญมากนั้นวัตตะของคนนี้ไม่น่าเดือดร้อนแล้วเนี่ยะชีวิตของคนนี้เชื่อเลยว่าไม่ตกอับแน่นอนชีวิตของเขาจะไม่อับพับเป็นแน่เพราะว่าเขาเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะในพระไตรปิฎกหลายแห่งเนี่ยกล่าวไว้เลยว่าคนที่ได้เหตุปัจจัยพร้อมที่จะประสบอันตรายใดๆเนี่ยนะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหลือเชื่อว่าคนนี้รอดมาได้ บุคคลนั้นส่วนใหญ่แนละ้วมีมงคลข้อนี้อยู่ในตัวคือมงคลข้อบำรุงมารดาบิดานเนี่ยนะนั่นก็ผู้ที่เมนพูดนี้ก็ฝากบอกอนะเพราะหลายท่านในนี้ก็เป็นบิดามารดาซะส่วนหลายอย่างนะก็ช่วยให้ ส, สงเคราะห์ให้ลูกสงเคราะห์ได้ง่ายๆหน่อยนะลูกเขาจะได้บุญบ้าง <laughs> อย่าไปทําตัวซะลูกทํายากยากเนะนะน่ยนะนนีอ่อันนี้ถ้าได้ก็ดีนี่มาดูมงคลข้อที่สิบสามต่อไปเลยนะ การสงเคราะห์บุตรและภริยาภริยานี่มีอยู่สิบจาพวกแต่ว่าว่าโดยรวมๆก็คือที่แต่งๆกันนั่นแหล ะ, ะนะการสงเคราะห์บุตรและภริยาคําว่าสังฆะสังคฆะที่แปลว่าสงเครอบเนี่ยนะหมายถึงการทําอุปการะด้วยการยกย่องเป็นต้นถ้าภริยาเนี่ยนะก็สามีก็รู้จักยกย่องภริยาบ้าง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 มีสามีบางคนก็พูดอย่างนี้นะก็บอกว่าใครพูดเนี่ยนะในโลกนี้ก็ทนได้หมดเลยแต่เมียเขาพูดเมื่อไหร่นะเขาเครียดทุกครั้งเลยเขบาบอกงั้นบอกเธอนี่มันเงียบหน่อยได้ไหมเขบาบอกงั้นเขาบอกเขาเขาเดือดรำคาญที่สุดเลยถ้าได้ยินเสียงแม่บ้านเขาพูดนะ อ, อันนี้อันนี้โยมที่ที่รู้จักเขาบางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆครับวอกงั้นก็เนี่ยคือข้อความที่ไม่รู้จักยกย่องภริยาความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงเคราะห์บุตรภริยาเนี่ยนะ ที่ทรงยกขึ้นแสดงไว้ในทิศเบื้องหลังเพราะถ้าถ้ากล่าวไปเนี่ยนะโบราณจริงๆแล้วภริยาส่วนใหญ่ก็เป็นทิศเบื้องหลังใช่ไมแต่ในยุคนี้ก็ไม่ค่อยแน่เสมอไปแล้วใช่ไหมเปลี่ยนกันเดินเป็นบางเรื่องบางเรื่องก็ภริยานำหน้าบางเรื่องก็สามีนำหน้าอย่างเงี้ยนะถ้าทามาหากินภริยานำหน้าถ้าเครื่องเที่ยวเรื่องอะไรก็สามีนำหน้าอะไรเงีย ก, ก็ว่าเป็นเรื่องๆไป แต่ถ้าว่าโดยรวมๆถ้าพูดแบบบูราณหน่อยก็ภริยาทั้งหลายก็เป็นทิศเบื้องหลังที่พระองค์ตรัสไว้ในสิงคหลากักสูตรว่าดูก่อนคึ้หาบดีบุททิศเบื้องหลังคือภริยาอันสามีพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือหนึ่งยกย่องอันน้รู้จักยกย่องเขาบ้างอนน้แล้วก็ด้วยการไม่ดูหมิ่นแล้วก็ไม่ไม่นอกใจเนี่ยนะ มอบความเป็นใหญ่ให้ะนะยกให้เลยบ้านเนี่ยยกให้เป็นใหญ่จัดแจงเลยจะทําอะไรก็ทําไปกับข้าวกับปลาอยากจะทําอะไรก็ทําไปอย่างเงี้ยแต่ก็บอกมอบความเป็นใหญ่ให้ไม่ใช่ประเจ้ากี้เจ้า ก, การทุกเรื่องอ่ะนะในเขตภาคเหนือเราเนี่ยมีสามีอยู่คนหนึ่งอันนี้โยงเข้ามาเล่าให้ฟัง<ม>เพราะว่าเป็นสามีที่อุย๊ยเอาแต่ใจตัวเองจริงๆแม่บ้านเขานี่จะทํากับข้าวใช่ไหมทำกับข้า ว, าวเลี้ยงกัน แกชิมเข้าไปช้อนหนึ่งถ้ามันไม่ถูกใจนะันยกจานนะั่นแหละคว่ำใส่สีสะนในบ้านเนี่ยนะแล้วก็ออกไปทานข้าวรอบบ้านนะั่นนะถามว่าถามว่าอย่างงี้มีไหมบอกนี้โลกนี้มีหมดฮะเที่ยวท่องเที่ยวไปมากๆแล้วจะมีจริงๆแหลนะนะนะั่นนบางคนไม่รู้อํานาจ บ, บาปใหญ่มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะเนพะราะฉะนั้นก็แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะก็คือมอบเครื่องประดับให้ผู้การได้มงคลข้อนี้นะใช่มอบเครื่องประดับให้ ก็มีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งนะเวลาจะไปธรรมหากินด้วยกันใช่ไหมสามีก็ศึกษาธรรมะก็จะพูดมรณานุสติภริยาก็ดดเลยนี่เวลาไปธรรมหากินก็ยังเอาเรื่องนี้มาพูดอีกเหลอมันนั้นก็คือถ้าอินทรีย์ไม่เท่ากันก็นับว่าก็คือมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ใช่ไหมถ้าหากว่าคู่ครองที่อยู่ร่วมกันแล้วอินทรีย์ไม่เสมอกัรเนี่ยนะพรหมจรรย์ก็เป็นไปได้ยาก เกี่ยวกับเรื่องสามีภรรยาเนี่ยนะเท่าที่ได้ยินเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยยอมกันแต่ปัญหาเนี่ยคืออีกฝ่ายไม่ค่อยยอบไม่ยอมมอบความเป็นใหญ่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเลยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเสนออะไรขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำหน้าที่เป็นนักขัดนะนะค่อยมีมีหน้าที่เอาไว้ขัดค อ, อกันอย่างเดียวนะนนก็เลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแม้กระทั่งจเจริญกุศลนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะ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 เราก็ไม่รู้จะไปวางอํานาจบาดใหญ่อะไรไปทุกเรื่องความุทิตาต่อกันบ้างนะเนี่ยแที่จริงอยู่ด้วยการส่วนใหญ่ก็ที่มีปัญหาที่เห็นเห็นกันก็คือไม่รู้จักมุทิตาให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งได้ดีอะไรสักอย่างก็แค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> นะก็คือข่มขมกันอะยูนะ่ในตะัวเนะี่ยนลยนี่มาดูต่อไปอีกหน่อยว่าส่วน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 ทนี้บางบางครั้งก็ให้ดูงานนักสัตว์ตะรลรุกไงนะอันนี้ผู้การก็ได้ทําหน้าที่สงเคราะห์อันนี้ดีก็ให้ไปดูนักสัตว์ใช่ไหมไปดูอะไรนะผู้การแสดงสีเสียงอนุญาตให้เขาไปเที่ยวก็ยังดีนี่ก็นับว่าพงพงพระองสอนน่ยนะคิดดูว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนเพราะว่างานบางงานเนี่ยนะสำหรับบางคนเนี่ยมันหมายความว่าชีวิตเขาเนี่ยถ้าเขาได้ดูสิ่งนั้นเขาจะภูมิใจเป็นอย่างมากใช่ไหมถ้าไปห้ามเขาไปขัดขวางเขา ก็ได้ศัตรูอีกทั้งชาติเหมือนกันนั้น <S <S 1> <S 1> ก็ <S <S บางอย่างถึงเรานี่ก็ไม่ขัดคอก็ยังดีอ่ะนะไม่ขัดคอเขาก็ยังดีให้เขาดูไปอะไรไปเพราะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอัธยาศัยเราไปไปทุกเรื่องอ่ะนะก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้อันนี้ก็พูดตามพวกกลุ่มคารวาดนะแต่ถ้าเป็นพระพิสุกก็จะธรรมะอีกแนวหนึ่งอ่ะนะยินรีสังโบนโภเชเนมตันยุตาโน่นอะไรก็จะเป็อีกกลุ่มหนึ่งละ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 นะนะหนักๆเข้าลูกบางคนก็กลายเป็นคนที่เกลียดพ่อเกลียดแม่ไปเลยก็มีนั้นพ่อแม่นั้นถ้าไม่ทำมงคลข้อสงเคราะห์เลี้ยงดูบุตรและภรรยานี่ก็จะพาความอับประมงคลอย่างอื่นมาให้อีกตั้งมากเนี่ยนะทีนี้ต่อไปมงคลข้อที่สิบสี่อนาคูลาจะกรรมมันตาการงานอันไม่อากูล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 ขยันมากรดน้ําเช้ารดน้าเย็นรดน้ําเช้ารดน้ําเย็นเนี่ยต้นไม้เป็นยังไงเฉาตายถ้าสิบปีไปรถสักครั้งหนึ่งโอ้ตายไปนานแล้วนะ <c oughs> นี่ก็เหมือนกันนะแค่เราก็าทำยังไงให้มันพอดีอ่นะกิจการอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันถ้าขับรถถ้าเร็วเกินไปอาจจะไม่ถึงนะนะช้าเกินไปก็ถึงนานเพราะฉะนั้นไอความพอดีนี่สําคัญคําว่าการงานอันไม่อากลก็คือรู้จักความพอดี แห่งการงานทั้งหลายว่าการงานนั้นนั้นมันพอดีแค่ไหนก็หาความพอดีอันนั้นให้พบเรียกว่าการงานนั้นไม่อากูลเพราะว่าถ้าทําได้แต่พอเหมาะพอดีเนี่ยนะโดยที่ไม่เกียรตคร้านเพราะไม่ควรพินาษเพราะเอ่อเหตุถึงพร้อมแห่งความขยันหมั่นเพียรอย่างนี้ชื่อว่าการงานนั้นไม่อากูลแต่ก็มีนะบางคนเนี่ยทํามากทำํำซะจนฟุบอยู่กับกับงานเลยอันนี้ก็อากูลเหมือนกันนะ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 อากูนแน่งานอันนั้นที่อื่นก็ยังตรัสอีกว่าผู้ชอบนอนหลับกลางวันเกลียดการขยันกลางคืนเมาเป็นประจำเป็นนักเลงครองเรือนไม่ได้นนก็บ้านแตกแน่นะขายบ้านกินเหล้าหมดประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยพวกคนหนุ่มที่ทอดทิ้งการงานด้วยอ้างว่าหนาวนัดร้อนนัดเย็นแล้วเนี่ยนะหาเหตุผลจนไม่ต้องทาอ่ะอนะพวกกลุ่มนี้แหละที่เรว่า จำนวนว่าอยู่ครองเรือนไม่ได้ผู้ใดไม่สําคัญความเย็นและความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าทำกิจของลูกผู้ชายผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขก็คือรู้ดูความเหมาะสมการพิจารณาว่ากิจการนั้นนั้นควรแค่ไหนอย่างไรเป็นต้นนั้นอันนี้ก็นับว่าสําคัญแล้วก็อย่างที่อื่นอีกก็สอนว่าเมื่อคนรวบรวมพวกท้ัพย์เหมือนแมลงพึ่งรวบรวมน้ําหวานพวกท้ัพย์ ย่อมสะสมเป็นกองเหมือนจอมปลวกที่ปลวกทั้งหลายก่อขึ้นเช่นั้นเพราะฉะนั้นก็เอาอาจารย์พึ่งกับอาจารย์ปลวกเป็นอาจารย์เนี่ยนะว่าเออขนาดพึ่งนะตัวมันนี่เดียวก็ยังได้น้ําพึ่งเป็นร้ายขวดด้วยกันจอมปลวกตัวนี้เดียวเนี่ยนะใหญ่มาสามารถว่าอย่างหมู่บ้านหลายๆแห่งยังถ้าเป็นภาคภาคอีสานเนี่ยนะตรงไหนที่เขาทากระท่อมทําอะไรเนี่ยตรงนั้นเนี่ยทําบนจอมปลวกเนี่ย เพราะว่าจอมปลวกมันจะก่อตัวขึ้นสูงมากสูงท่วมหัวเลยนะสูงท่วมหัวบางทีสองช่วคนด้วยซ้ําไปนั้นเวลาใครจะสร้างกระท่อมก็ไปไปแผ่แผ่จอมปลวกนี่แล้วก็สร้างกระท่อมสร้างบ้านสร้างเรือนได้เลยแหละนั้นจอมปลวกเนี่ยตัวนี้เดียวนะสามารถถ้าเทียบกับมนุษย์แล้วห่างกันเยอะนะเพราะว่าจอมปลวกให้สร้างสร้างตึกโมไม่รู้กี่ร้อยชั้นอ่นนะชั้นของปลวกอันนะไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชั้น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 ประดุดพึ่งประดุดปลวกแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักมงคลข้อต่อไปอีกทานันจะใช่ไห ม, ม เ, เพราะมงคณนี่ท่านพระองค์วางไว้เรียบเรียงลําดับอย่างดีนะถ้าไปถือเอามงคลข้อใดข้อหนึ่งจนเกินไปก็เสียหายมงคลข้ออื่นที่ผ่านมาได้สี่มงคลนะมงคลข้อที่หนึ่งการบํารุงมารดาสองบำรุงบิดาสาสงเคราะห์บุตรภริยาสี่การงานอันไม่อากล เพราะฉะนั้นผ่านไปแล้วทั้งหมด14มงคลมาขึ้นมงคลข้อที่15เลยนะทานันจะรรมจริย น, นะยาตการนันจะสังขโหอนวัชานิกรร ม, มานิเอตมังขลมุตตะมังทานันจะเชื่อว่าทานเพราะเขาให้ด้วยวัตถุนี้หมายความว่าเจตนาที่ให้วัตถุ น, นะอธิบายว่าเขามอบทรัพย์ที่มีอยู่ของตนให้แก่ผู้อื่น น, นะก็คือการเสียสละทรัพย์ของตนไป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 แบ่งเป็นสองอย่างตัวเจตนาที่คิดให้บริจาคอย่างหนึ่งกับตัวอะโลพาที่ไม่ติดไม่ข้องบริจาคได้ให้ได้อันนั้นก็ชื่อว่าทานอั้นวัตถุที่บริจาคนี่สามารถอย่างเช่นตรงนี้ยกทานวัตถุสิบอย่างตามพระสูตรมาเช่นให้ข้าวให้น้ําอันนัน้ให้ผ้าอันนั้นอย่างกิจกรรมที่เรามาทํากันเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามเป็นต้นมาเนี่ก็ได้ทุกข้อเลยใช่ไหมให้ข้าวให้น้ํา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 นะนะข้างๆงกุฏินั่นแหละโอ้โหเสียงระงมไปหมดเลยบริจาคทานให้ชีวิตเป็นทานปล่อยอะไรบ้างปูปูปล่อยปูนกปลาเต่ากบกบด้วยนะนะก็โอ้โหอบายภูมิเต็มไปหมดเลยครั้นี้ก็ดีแล้วอนุโมทนานเลยนะให้ชีวิตเป็นทานนะถ้าไม่ให้เขา <c oughs> เขาก็าตายานะนะก็ให้ชีวิตเป็นทานกให้จิ้งดีด้วยนะ นะปลวกไม่ต้องไปบริจาคไว้แถวนั้นก็ได้ <c oughs> น, นะมดเขาไม่มีขายอันนี้ไม่ต้องบริจาค <c oughs> แต่ก็ก็นับว่าดีแล้วนะอนุมโมทนาด้วยนะการบริจาคทานให้พรหมไห น, นอ๋อพรหมที่ปู่พระธาตุใช่ไหมเจริญพรก็อันนั้นก็ชื่อว่าให้โพธพโพธพารมเป็นทาน คือถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยกล่าวไปเนี่ยเขาเรียกว่ากล่าวตามในพระสูตรถ้ากล่าวตามในพระพิธรรมก็ให้ปรารบสีเป็นทานใช่ไหมตารบสิ่งสวยๆเป็นทานตรารบเสียงเพราะๆเป็นทานเช่นให้ระคังมันก่อนโยมเขาเขาให้ระคังให้ท่านไปแขวนทีมัน ง, งั้นจะได้ดังปังปงปังปงปังปงเนี่ยนายคุณทะรนนินีก็ให้ไปแขวนไว้หน้ากุฏิอันหนึ่งก็ได้นะ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 อันนั้นก็ให้รถเป็นทานปรารบพวกรถทั้งหลายระสารมเนี่ยนะบางพลก็ให้โพธพารลมเป็นทานก็พวกผ้าทั้งหลายเนี่ยบางทีเราก็ปลารบความอุ่นเป็นต้นเรียกว่าให้โพธภาษเป็นทานแล้วก็ให้ทำเป็นทานเนี่ยนะธรรมทานนี่หมายถึงอะไรให้ทําเป็นทานเคยยกน้ำไปให้ใครดื่มไหมนั่นแหละน้าอาโปธาตุเนี่ยนะอาโปธาตุนี่นับเป็นธรรมะนะพราะไม่ใช่รูปเสียงเปลี่ยนรถโพธภาษเป็นธรรมะให้อชาณนะปรารบโอชาเนี่ย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 เช่นใครจะเอาจะเอาได้ผลไม้ม า, มาเยอะๆก็กินแต่ของเสียๆนั่นแหละมันจะเอาเก็บไว้โดยส่วนเดียวกินก็ไม่ทันเขามีนะอย่างพระบางรูปเนี่ยนะเขาให้มาก็เอาเอาเอาเอาเอาสร็จแล้วก็เอาน้ํามันกา๊าซอย่างเงี้ยนะสมัยโบราณเลยนะเก็บไว้จนมันปี๊บมันผุหมดยกทีนี่ก็โหเป่นตลบอบอูนไปหมดถังสังกะสนนนไม่ิตรเก็บไว้ทําอะไรนี่นะนะเก็บไว้จนกูติม่มจะล้นไปทั้งหมดเนี่ยนะจนปลวกมันจะขึ้นเสียหายหมดแล้วไฟไหม้ลุกโถมไปหมด อันนั้นก็เกินไปแล้วก็พระเหล่านี้ที่ไม่ยอมให้แบบนี้นะมีอํานาจใหญ่ขนาดไหนพระพิสูจน์ในวัดไม่มีใครสนใจเลยเนี่ยนะท่านก็ลักษณะเดียวกันถ้าแม้กระทั่งคารวาสก็เหมือนกันนะพ่อไหนพ่อแม่คนไหนที่ตรณีมากๆเนี่ยถามว่าลูกชอบไหมลูกทั้งหลายก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยรักเนียนะไม่ค่อยคิดถึงพ่อแม่สักเท่าไหร่ดีไม่ดีให้ลูกทําบาปขโมยของพ่อของแม่ได้อีกเนี่ยนะอันทานนี่นับว่ามีประโยชน์เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจ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 ในทานสองอย่างนั้นอมิสถานก็เหมือนดังที่กล่าวไปแล้วใช่ไหมคือการบริจาคตามพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมพระสูตรก็ให้อะไรข้าวน้ําผ้าดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟยานคือรองเท้าเป็นต้นนี่ยอันนี้เรียกว่าให้ตามพระสูตรถ้าให้ตามพระวินัยก็คือให้ผ้าผ้าก็คือจีวรน่ยนะให้อาหารเรียกว่าบิณฑบาตให้ที่อยู่อาศัยเรียกว่าเสนาสนะ ให้ยาทั้งหลายเรียกว่าเภสักบริขารถ้าให้แบบพระพิธรมก็ปรารบรูปปรารบเสียงปรารบกลิ่นปารบรสปราบรบโพธะพระปร า, บภภาปราบธรรมะธรรมรมนี่นะอันนี้เรียกว่าให้วัตถุเป็นทานส่วนธรรมทานก็คือการแสดงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วเอาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงนั่นแหละมาแสดงต่ออันนามาซึ่งความสิ้นทุกข์ และสุขในโลกนี้และโลกหน้าเพราะหมายจะให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆเชื่อว่าธรรมทานคือการให้แล้วเขาได้รับประโยชน์เนี่ยนะไอการให้แบบนี้เรียกว่าเป็นธรรมทานอันหนึ่งบรรดาทานทั้งสองอย่างนั้นธรรมทานนี้เลิศอ่านะเขารียว่าเลิศกว่าอ ม, มิสทานคือให้อ ม, มิสเป็นทานกับให้ตัวความรู้ความเข้าใจเป็นทานเลยนะให้ความรู้เป็นทานนั้นมียนิสง์มากกว่า ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสัพพาทานังธรรมทานังชินาติสัมมาราสัพพาราสังธรร ม, มาราโสชินาติสัพพาราติงธรร ม, มาราติชินาติตันหัขยโยสัพพทุกขังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตันหาชนะทุกทั้งปวง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 จะทำกุศลเหล่านั้นไหมก็ไม่ทำทั้นการฟังธรรมเนี่ยเป็นเหตุให้เจริญกุศลอย่างอื่นอีกเป็นอันมากมันธรรมทานนั้นจึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากชนะการให้ทั้งปวงแต่ก็นับว่าให้ยากอนนันให้ธรรมทานให้ยากหรือให้ง่ายคุณลาวันอ๋อแล้วแต่บุคคลโอ้เรื่องนี้แยกตอบ <c oughs> วิพัชวิพัชกรณียปัญหาปัญหานี้ต้องแยกตอบเพราะงั้น <c oughs> ก็ธรรมทานนะแต่ถ้า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 ก็คือโอชาแห่งธรรมธรรมในที่นี้เน้นไปที่อะไรโลกุตระธรรมนะถ้าอย่างเพลาที่สุดเลยคือกุศ ล, ลกรรมบวชสิบสูงขึ้นไปกว่านั้นก็สมถาวิปัสนาสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มรรคผลนิพพ า, น, พาะะนั้นความยินดีในธรรมเหล่านี้น ะ, ะชนะรถทั้งปวงถ้ายินดีในธรรมอย่างนี้ก็ชนะความยินดีทั้งปวงส่วนที่สําคัญสาระที่สุดนะถ้าชนะตัณหาคือสมุทัยสัตว์ ชนะอวัตตทุกทั้งปวงเนี่ยนะชนะวัตตะเลยนะถ้าละตันหาได้ทําลายตันหาได้วัตะในภูมิสามก็เป็นอันจบเพราะฉะนั้นสิ้นทุกสักทีหนึ่งนะีะก็ใครที่ตั้งความปรารถนาเพื่อบอกว่าตั้งกันนี้ไปตันหากับฉันจะขอเป็นศัตรูกันตลอดกาลอันนั้นนะใครๆตั้งความปรารถนาะมางี้ยกมือขึ้นหน่อยที่ทำไมกล้าลยกเงยมตูอยกขึ้นหน่อยนะ เอายอมเออไม่ค่อยยกสูงเลยนะอย่างอื่นยกสูงมัากตั้งนะคือว่ามันน่าเสียดายนะตั้งอันนี้ต่อไปนะชั้นกับตันหานี่จะเป็นศัตรูกันงเงี้ย น, นะเออแล้ก็ให้ให้ตั้งความปรารถนาไว้แบบนี้บ้างนะว่าตันหาเขาบอกว่าชนะตันหาชนะทุกทั้งปวงไงหรือสิ้นตันหาชนะทุกทั้งปวงถ้าสยบให้ตันหาจักรรับทุกทั้งปวง ประดังเข้ามาแต่ความทุกข์รับหมดเลยนะเพราะตัณหาเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์้างธรรมะถือว่าเอออะไรที่มันน่ายินดีะนะสิ่งเหล่านั้นจะนํามาซึ่งทุกข์ในภายหลังอันถ้าหากว่าชนะตัณหาได้ก็สิ้นทุกข์ได้อันถ้าตั้งความปรารถนาพราะนิพพานก็อย่าลืมตั้งความปรารถนาเพื่อสิ้นตัณหาด้วยเนี่ยนะก็ด้วยบุญนี้ด้วยการบูชาดอกไม้ของหอมนี้ขอข้าพระเจ้าจงกาจัดฉันทราคะโดยประการทั้งปวงอย่างก็ได้นะ ก็ควรตั้งนะเป็นอีกวัยพจน์หนึ่งของการตั้งความปรารถนานิพพานเนี่ยนะเพราะความปรารถนานิพพานโดยใช้คําว่าขอสิ้นตัณหาก็ได้เพราะความสิ้นตัณหานั่นแหละก็คือตันหักขยะเป็นชื่อของพระนิพพานโทศัก ข, ขยะก็เป็นชื่อของพระนิพพานโมหักขยะก็เป็นชื่อของพระนิพพานมันความสิ้นตัณหาหมายถึงพระนิพพานเนี่ยชนะวัตถทุก์ทั้งมวล วันทานนี่ก็นับว่าเป็นมงคลนะทั้งธรรมทานและอมิสทานอันอมิสทานก็คือเน้นที่ให้มหาพูดเป็นทานน่ะนะคิดง่ายๆว่าถ้าให้มหาพูดเป็นทานเป็นอมิสทานถ้าให้กุศลเป็นทานเรียกว่าให้ธรรมทาน ก, ก็แบ่งออกเป็นสองอย่างก็เหมือนกับบูชาใช่ไหมอมิสบูชากับปฏิบัติบูบชาถ้าอมิสบูชาก็เน้นเอามหาพูดเป็นเครื่องบูชาเรียกว่าอมิสบูชา ถ้าปฏบิบัติบูชาก็เน้นไปที่ไหนก็เอากุศลเป็นเครื่องบูชาสการะท่านก็แบ่งบูชาเป็นสองอย่างด้วยกันที่ส่วนธรรมทานนี่ที่พระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุใกล้แห่งคุณทั้งหลายนะเป็นเหตุใกล้แห่งคุณทั้งหลายมีความเป็นผู้ทราบซึ้งในอัตเป็นต้นดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่า ดูการพิสูุทั้งหลายภิกษุแสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาตามที่เรียนมาโดยพิสารแก่คนอื่นๆโดยประการใดๆพิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ทราบซึ้งอัดและทราบซึ้งธรรมในธรรมนั้นโดยประการนั้นๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ให้ผู้แสดงก็ทราบซึ้งในอัดธรรมผู้ฟังก็ทราบซึ้งในอัดและธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็ทราบซึ้งในอัดและธรรมและก็เป็นประทับฐานเหตุใกล้แห่งคุณชั้นสูงเนี่ยนะดังที่เรากล่าวว่า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 ก็บางกลุ่มเขาบอกว่าโอ๊ยทําไมท่านขายแในเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเขาว่างันไม่ได้ขายแต่อยาตายกันแล้วกั น, นถ้าถ้าอยู่ได้นานๆก็ว่าไปเหอะแต่นี่มันอีกไม่นานแล้วเนี่ยนะเรือสวรรค์มีจริงไม่มีจริงหรือนรกมีจริงไม่มีจริ ง, ร ง, รงก็อีกไม่นานก็จะรู้กันอีกนานไหมคุณชุสีนานว่ะไม่นานนะอาจารพรก็แต่ละคนเนี่ยนะที่แต่ละคนนี่จะไม่เท่ากันใช่ไหมจริจริงก็ทุกคนนั่งอยู่นักโทษประหารกันทุกคนนะ แล้วดูว่าเขาจะเรียกประหารในตอนไหนและประหารที่ใดเวลาใดาแล้วใช้อาวุธชนิดใดเนี่ยนะแล้วก็มีวิธีประหารที่หลากหลายมากนะแต่ละคนเนี่ยนักโทษประหารดูบางคนนี่ถูกตัดหัวบางคนนี่ไม่ได้ต้องเอาเอาหัวนี่ไปไปรองล้อรถสิบล้อเนี่ยจึงจะได้นะนี่เขามีตำรวจจราจรบางกลุ่มเนี่ยนะถูกรถเอารถสิบล้อเนี่ยนะทับสะแบนตะแ ต, แตออกหมดแต่นะี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 ท่านใช้คําว่าสัมภเวสีอนนะภูตะหมายถึงผ่รหันสัมภเวสีเนี่ยพวกสแสวงหาที่เกิดก็คือปุตุชนและพระเสขะทั้งหลายอันที่จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราสแสวงหาที่เกิดอยู่กันนะตอนนี้ดูว่าจะไปที่ไหนดีนะเกิดในขันเกิดในไครเกิดในเท่าถ้าไกลหรือโอปปาติกะก็ว่าไปอ่า น, นะกรรมมพบรูปประพบหรืออารูปประพบแต่ที่เห็นเห็นเนี่ยรูปประพบอารูปประพบนี่อีกนานอ น, นะก็วนๆอยู่ในการมมาพบนี่แหละ ก็ดูว่าไปหาที่เกิดไปหาที่รับวิบากมีพระศาสนาศาสนานี้ศาสนาเดียวที่ต้องการให้พ้นจากกรรมและวิบากเนี่ยนีต้องการว่าบอกว่าพอสักทีเหัืนกันเถอะพอสักีแต่เชื่อไหมว่าออกยากที่สุดเนี่ยนีออกยากที่สุดยิ่งเหมือนกับว่าถ้าเดินอยู่คนเดียวด้วยนะหาทางออกจากตัวเองดูสิครัหาทางออกจากตัวเองอะนะออกยากมากมเลยเนะี่ย ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมให้ดีๆนะนึกไม่ออกเลยหาทางออกจากชีวิตได้ยังไงเช่นนี่ออกจากการเห็นนี่ออกได้ยังไงออกจากการได้ยินออกจากการนึกคิดแม้กระทั่งแบบโลกๆเลยนะอย่างเช่นออกจากทุกขกายญาวิญญาณนี่ออกง่ายไหมนะกระบวนการรักษาไอ้ไอ้ทุกขกายญวิญญาณในโลกนี้สารพัดใช่ไหมแล้วนี่ถ้าออกจากร่างกายนี่ยังยากไอ้ทุกบางส่วนนะถ้าออกจากทั้งหมดนะแล้วออกจากส่วนของนามธรรมอนะนั้นออกยากขนาดไหน แต่ก็ถึงยังไม่ได้ออกขนาดนั้นก็ยังน้อยก็ออกจากอบายก่อนก็ยังดีะนะยังไงยังไงก็อย่าลืมปิดอบายซะด้วยนะธรรมจริยานั้นจึงเป็นมองคนมันผู้ที่ประพฤติธรรมเพื่อออกจากอบายทั้งหลายจึงเป็นมองคลเนี่นะถ้าเห็นฝาฝาแล้วออกจากอบายได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอามีฝาเป็นอารมณปัจจัยก่อนตายได้ไหมไ ด, ได้แล้วจะออกจากอบายได้ยังไง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 ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องศึกษาธรรมะก็ได้มั้งแต่นี้ไม่นะก็คงธรรมจริยาเนี่ยมันระลึกเถอะมันระลึกเอาไว้เสมอว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องต้องประพฤติเป็นกุศลกรรมบดเนี่ยนะกุศลกรรมบ ท, นะรรมบทอันนี้รักษาอบายนะยังไม่ได้นิพพานอะไรหรอกเด็ดท่าบดังที่กล่าวไปนะอีกนทางอีกน้อยเหมือนกันเถอะอีกน้อยนะแต่ว่าสําคัญสําคัญที่สุดเนี่ยพยายามที่จะระลึกเห็นอะไรก็ได้แล้วระลึกถึงกุศลกรรมบดสิบเนี่ยนะ มันเห็นหน้าใครคนข้างๆก็กรรมาบทสิบนะกรรมาบทสิบก็ระลึกเอาไว้เถอะเนี่ยประพืชอันนี้แหละเป็นมงคลเนี่ยนะเป็นมงคลทีนี้มงคลข้อต่อต่อไปนะมงคลข้อที่สิบเจ็ดคือยาตการนันจะสังกะโหการสงเคราะห์ญาติหมายถึงชนผู้เกี่ยวข้องข้างมารดาหรือข้างบิดาจนเจ็ดชั่วปู่ญาชื่อว่าญาตินะน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 แล้วก็สงเคราะห์แค่ไหนเราจึงจักสบายใจเนี่ยนะควรระลึกถึงตรงนั้นเป็นประมาณศาสนาของเราเนี่ยนะที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือชาติวิบากนะนะจิตชาติวิบากนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยใช่ไหมก็ทำเป็นกลุ่มปริญยาธรรมแต่กลุ่มมงคลทั้งหลายโดยมากเป็นธรรมะประเภทพาเวตาปธรรมโดยมากนะเป็นกลุ่มประเภทพาเวตาปธรรม เป็นสิ่งที่จะต้องเจริญขึ้นเป็นสิ่งที่จะต้องทําขึ้นเป็นประโยชนค่าเป็นการภาคเพียรพยายามอย่างจริงๆมงคลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าเป็นคนเกียดคราดได้มงคนไหมเป็นคนประมาทได้มงคนไหมเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติขึ้นทั้งนั้นเลยเป็นสิ่งที่จะต้องเจริญขึ้นแล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความเจริญสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทําได้ง่ายการสงเคราะห์ญาติเนี่ยนะก็ไม่ใช่สงเคราะห์ได้ง่ายๆ เอาง่ายๆว่าศึกษาธรรมะเข้าใจนะอยากจะสงเคราะห์ญาติบ้างทําได้ง่ายไหมก็ไม่ง่ายเนี่ยนะถ้า ง, ง่ายก็ญาติทั้งหลายในอดีตสงเคราะห์เราไปหมดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องอยู่กันขนาดนี้เพราะคนอื่นเขาก็พยายามจะสงเคราะห์เราอยู่ในขณะเดียวกันเราจะสงเคราะห์คนอื่นก็นับว่าไม่ง่ายเนี่ยนะคุณมูลชูเล่า ว, ว่าคุยกับพี่ชายยังไงก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องว่างงังกันจะไปสงเคราะห์พี่ชายซะหน่ยอยก็ยังคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยมั้น ไม่รู้ใครไม่รู้เรื่องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนะแต่ว่ารู้ว่าไม่ใช่ง่ายก็แล้วกันนะ่ะนะความเจริญเนี่ยนะมงคลแต่ละข้อนั้นถ้าใครตั้งใจปฏิบัติอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยนะแม้แต่มงคลเดียวก็ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลอ่าคือให้ให้ตั้งตั้งกิจกรรมตั้งสมาทานประพฤติอะไรก็ได้สักข้อหนึ่งเนี่ยนะเอาเป็นชีวิตจิตใจเลยก็นับว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดแล้วนะแต่ถ้าได้ทั้งถ้าครบสามสิแปดดังที่พระองค์ตรัสก็ ไม่รู้จักพ่ายแพ้ในที่ทุกสถานคือเรว่าไม่รู้จักคําว่าแพ้เป็นยังไงเนีนะนะเพราะว่าถ้าครบทั้งสามสิบปดมงคลเนี่ยนะแต่แต่มงคลแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ใครได้ทําไปแม้แต่ข้อเดียวก็มีคุณหาไปเออมีมีคุณหาปริมาณไม่ได้เริ่มตั้งแต่ไม่ครบคนผ่านเป็นต้นเนี่ย น, นะทีนี้มาดูมงคลข้อที่สิบแปดอนาวชานิกรรมานิการงานนั้นไม่มีโทษเนี่ยนะ หมายถึงกิจกรรมที่เป็นสุจริตทางกายวาจาใจมีการสมาทานองค์อุโบสถการทําความขวนขวายการปลูกสวนปลูกป่าก็คือทําสวนให้เป็นที่รื่อนรมแก่คนทั่วไปเนี่ยสร้างสะพานเป็นต้นอันเรียกว่าขุดบ่อน้ําเป็นต้นอันนี้เรียกว่าการงานที่ไม่มีโทษอันนี้หมายถึงกิจกรรมประเภทสาธารณกุศลทั้งหลายนะถ้าเป็นภายในตัวก็เป็นอะไร สมท า, านอุโบสถใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องข้างในถ้าข้างนอกขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นในกิจการงานที่ที่ไม่มีโทษเนี่ยนะช่วยในกิจการงานที่ไม่มีโทษเป็นผู้ขวนขวายแม้กระทั่งในในกิจกรรมการเรียนการศึกษาพระธรรมของเราทั้งหลายเนี่ยนะก็มีนะหลายคนเนี่ยเป็นผู้ที่ขวนขวายมากนะนะขวนขวายจัดแจงนะในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยก็นับว่าขออนุมโมทนานะเพราะว่าไม่ใช่ของง่าย แล้วก็บางคนนี้ก็ปลูกสวนปลูกป่าเนี่ยนะอันนี้หมายถึงว่าเขาปลูกต้นไม้ให้กับสาธารณกุศลเนี่ยนะที่ตรงไหนควรจะมีร่มมีเงาเนี่ยก็ไปปลูกปลูกต้นไม้ให้อย่างคุณหมอวันลบนี่ก็ชอบปลูกต้นไม้ในโรงพยาบาลเนี่ยนะก็บอกว่าโรงพยาบาลจะได้สงบร่มเย็นจะได้ชุ่มเย็นเพราะอากาศมันร้อนมากะนะเพราะกิจกรรมอันนี้เป็นสาธารณกุศลก็เป็นงานงานที่ไม่มีโทษบางคนก็สร้างสะพานใช่ไหม สร้างสะพานให้เป็นใช่สอยสาธารณะบางคนก็ขุดบ่อน้ําสร้างศาลารินทางเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นการงานที่ไม่มีโทษเพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ประสบสุขนานาประการนะได้รับความสุขนานาประการพึงละลึกถึงพระสูตรเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนวิสาขาสตรีหรือบุรุษบางคนในาศาสนานี้ถืออุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เข้าถึงความเป็นสหายของทวยเทพชั้นจาตุมเป็นต้นเนี่ยนะก็จาตุมดาวดึงยามาลุสิปนิมมานาดีปรณิมิตาวัสวัสดีอันนั้นก็เป็นผลของอุโบสถ ด, ดังที่กล่าวไปเมื่อวานว่าสมบัติที่ดวงอาทิตย์สองถึงในโลกนี้ถึงเป็นแก้วแวนเงินทองก็ตามมีอยู่แก่บุคคลใดผู้ที่มีสมบัติเหล่านี้ก็เรียกว่ายังเป็นสมบัติของคนยากเป็นของคนยากอยู่ดี ทำไมจึงเรียกว่าเป็นของคนยากเพราะว่าถึงมีขนาดนั้นถามว่าจะใช้สอยสมบัติเหล่านั้นได้อีกกี่ปีอ น, นะถ้ามีข้าวเป็นสิบเป็นร้อยชางเนี่ยนะทานได้มื้อละกี่ทนานมื้อเป็นทนานนี้ก็แย่แล้วนะแล้วถ้ามีเตียงสักร้อยเตียงนี่คิดว่าจะนอนวันละกี่เตียงแล้วเตียงละกี่ชั่วโมงเลยนะถ้ามีผ้าเป็นล้านชุดอย่างเงี้ยจะใส่ได้กี่ตัวนะ เพราะฉะนั้นเลือแก้วแหวนเงินทองเนี่ยถ้าประดับเต็มตัวไปหมดเดินไปที่ไหนคิดว่ า, าจะยุยืนไหมล่ะนะแน่นะนะอาจจะอายุสั้นเร็วขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นสมบัติในโลกที่เห็นเห็นี่เขาจึางเรียกว่าสมบัติของคนยากแต่ถ้าหากว่ารักษาอุโบสถเนี่ยนะเกิดในจาตุม้ารอยปีทิพย์เนี่ยนะห้าอยปีทิพย์ก็กาวล้านปีมนุษย์สวย ส, ยสุขโดยส่วนเดียวไม่ต้องปวดหัวตัวร้อนเป็นไมเกรนนอนไม่หลับไม่มีสบายตลอดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมั่งมีจริงๆเนี่ย หรือแม้กระทั่งในเทวดาชั้นอื่นๆชั้นสูงต่อไปก็ลักษณะเดียวกันดังนั้นการรักษาอุโบสถนั้นเป็นกรรมที่ไม่มีโทษหลายท่านในที่นี้ก็รักษาอุโบสถกันอยู่นะก็พยายามคิดนะสมาทานยังไงนะจึงจะยังจิตให้เลื่อมใสพี่ม้วยรักษาอุโบสถหรือเปล่าตอนนี้อ๋อสินห้านะสินห้าก็ดีละดีละเจนพรนะแต่ว่าถ้าอย่าโหลดต่ํากันอีกนะนีในล่างสุดแล้วก็โหลดเตี้ยกันนี้แย่เลย อา้าฮะดีแล้วนะแต่ก็มีหลายคนนะที่นี่ก็รักษาแถวหน้าเนี่ยรักษาอุโบสถกันหลายคนนะเนี่ยนะแถวกลางแถวกลางนั้นไห ม, มีบ้างมีบ้างแลนะก็พยายามรักษาอุโบสถกันเถอะเนี่ยนะถ้ารักษาได้ได้เหตุปัจจัยพร้อมก็ต้องแบ่งเวลานะรู้จักแบ่งเวลาก็เวลาที่เอาเป็นต้นเรายังแบ่งเป็นใช่ไหมเวลาทําบุญทำไมจะทําแบ่งไม่เป็นบ้างเลยนะก็จัดสรรเธอเพราะว่าโลกนี้ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็สามารถสแสวงหา วิธีการเจริญกุศลโดยประการต่างๆได้หรือเราจะมีโอกาสได้รักษาอุโบสถอย่างนี้อีกต่อไปเนี่ยนะอันเหตุปัจจัยที่จะให้รักษาอุโบสถไม่ใช่ของง่ายเนี่ยนะสรุปว่ามงคลคือการงานนั้นไม่มีโทษนับตั้งแต่กุศลประเภทอุโบสถกับสาธารณกุศลเนี่ยนะสาธารณกุศลก็บางคนก็ชอบทําสาธารณกุศลโดยประเภทออกหน่วยใช่ไหม พวนี้ก็นับว่าเป็นการงานที่ไม่มีโทษนะไปเที่ยวสงเคราะห์เขาไปชอันนะัหมอยุพินยังไม่มานะปกตินี่ถ้าออกหน่วยแล้วก็เดี๋ยวก็ชอบไปอยู่เหมือนกันนะี่ยนะออกหน่วยถอนฟันฟรีนันไะนะก็ไปช่วยบําบัดทุกข์ให้เขาอันนะคือฟันมันผุเนี่ยนะมันเจ็บมันปวดเท่าออกแล้วสบายใช่ไหมหมอรัตได้ไปออกหน่วยบาย้างหรือยังเนี่แล้วไงนะียอ๋อพศวานะก็ดีแล้วนุโมทนาด้วยนะแล้วก็มีนะ พยายามทำหากุศลเถอะสแสวงหาวิธีการเจริญกุศลโดยประการต่างๆก็นับว่าเป็นการงานที่ไม่มีโทษเป็นกิจกรรมที่ไม่มีโทษเนี่ยนะะถ้าไปร่วมงานศพนี่นะเป็นกิจกรรมที่ไม่มีโทษไหมก็ไปไปช่วยเลี้ยงแขกไปช่วยแบ่งเบาภาระใช่ไหมก็ถือว่าเป็นไปช่วยร่วมไปร่วมให้ทานไปร่วมสมาทานศีลฟังธรรมไปต้นเนี่ยนะก็นับว่าเป็นมงคลล่ ะ, ะกิจกรรมประเภทสาธารณกุศลเนี่ยนะอย่างเมื่อวาน ่าวานก่อนเนี่ยนะเขบอกว่ากลุ่มเชียงใหม่เนี่ยทึ่งคนกลุ่มกรุงเทพว่ามีไม่กวาดคนละอันโคละอันไปเนี่ยนะไปตรงนี้แบบพิเศษมากนะเชียงใหม่ ย, ยังไม่มีนะแล้วก็ต่อไปนะว่าจะดีก็ถือดอกไม้สั้นๆ ส, สักศอกก็ยังดีใช่ไหมแขวนไว้เลยพกไว้เลยเครื่องประดับอันหนึ่งนะนะก็ไปถึงก็ปัดกวาดเลยตรงไหนได้ทําก็ทําไปเถอะเนี่ยนะหมอวันลบก็เตรียมนี่จะหายที่แทะไปแทะเทียนแล้วเนะนะี่ย ก็เป็นอันนี้นก็พวกนี้นก็เป็นการงานที่ไม่มีโทษเลยนะไปเที่ยวทําพุทธบูชาไปเจริญกุศลเดินประทักศิณเหล่านี้เป็นการงานที่ไม่มีโทษทําแล้วยังความปีติและโสมนัสให้อีกในภายหลังเนี่ย น, นะก็สะแสวงหาวิธีการทํากุศลโดยประการต่างๆการงานเหล่านี้ก็เป็นการงานที่ไม่มีโทษไม่ใช่ว่างๆก็ไปเที่ยวตกปลากันเนี่ย น, นะนี่อันนี้มีโทษแน่นะ เนี่ยมาดูมงคลข้อต่อไปนะนะมงคลข้อที่สิบเก้าอารตีวีรตีปาปาเนี่ยนะการงดเว้นจากบาปอารตีนี้หมายถึงเขบอกว่าการงดชื่อว่าอารตีการเว้นชื่อว่าวีรตีอธิบายว่าความไม่ยินดีในทางใจอย่างเดียวของบุคคลผู้เห็นโทษในบาปชื่อว่าอารตีอารตีนี่นะก็คือเว้นจากบาปไม่ล่วงบาปทางใจส่วนความเว้นทางกายทางวาจา อันนั้นโดยกายทวารทั้งโดยกรรมแนละโดยทวารเนี่ยนะกายวาจาโดยกรรมกับโดยทวารชื่อว่าวิรัตหรือวิรตีเนี่ยนะอารตีนี่ทางทางอะไรทางใจวิรตีนี่เป็นทางกายกับวาจาเพราะฉะนั้นการเว้นบาปทางกายและวาจานั่นแหละเรียกว่าอารตีวิรตีปาปานนะการงดเว้นจากบาปอันนี้ก็เป็นมงคลในชะ่ไหม ที่จริงก็เข้ากักลุ่มเดียวอะไรนะสัพาปาปัสะการณังอ่ะนะการไม่ทำบาปทั้งปวงใช่ั้ยก็อยู่ในโอวาสปาติโม ก, ก็คือสิ่งเดียวกันกับที่เป็นมงคลตรงนี้นั่นเองก็ธรรมดาวิรัตนั้นมีสามอย่างคำว่าวีรตีนะวีรตีนี่มีสามอย่างคือหนึ่งสัมป ต, ตะวิรัตสองสมาทานวิรัตสสมุดเฉทวิรัตบรรดาวิรัตทั้งสามนั้นวิรัตเจตนา งดเว้นจากวัตถุที่ประสบเข้าอันใดของกุลบุตรโดยในเป็นต้นอย่างนี้ว่าข้อที่เราจะฆ่าสัตว์นี้จะลักทรัพย์เป็นต้นเมื่อนึกถึงชาติตระกูลหรือโคตรของตนก็ไม่สมควรแก่เราเลยวิรัตเจตนางดเว้นอันนี้ชื่อว่าสัมปัตตวิรัตก็บางคนเนี่ยนะปรารบถึงชาติตระกูลโภค ข, ของตนก็ไม่ยอมทําบาปในสิ่งนั้นๆก็มีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นวิรัตโดย ธรรมชาติเนี่ยนะชาวต่างประเทศก็มีไม่ใช่น้อยใช่ไหมที่ที่เป็นพวกนักวิรัติแบบนี้เลยเขาเขาไม่ยอมทอําอ่ะนะบางพวกนี้เห็นทรัพย์ของผู้อื่นแม้กระทั่งว่าเอาโดยที่คนอื่นเขาไม่รู้นะมีโอกาสก็ไม่ยอมเอาเนี่ยนะเพราะปรารบอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้สมาทานอะไรหรอกแต่พอไปเห็นเขา้าเขาไม่ยอมนนะเขาไม่ยอมเอาเลยอย่างที่เห็นเห็นอยู่เลยในยุคนี้นะที่เก็บทรัพย์ของผู้อื่นได้ใช่ไหมแล้วก็เที่ยวประกาศให้ผู้อื่นเขาคืนไป ซึ่งพวกนี้ก็นับว่าเป็นสัมปัตตวิรัตประจวบเหมาะกับสิ่งนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ก่อนหน้านี้แข่งขัดในเรื่องศีลอะไรมาก่อนเลยนะครันไปเจอเหตุการณ์ต่างๆก็สามารถที่จะงดเว้นได้ไปประจวบไปประสบไปพบปะเจอก็ไม่ยอมล่วงละเมิดศีลนั้นๆทั้งๆที่มีโอกาสแต่ก็ไม่ยอมทำานี อันนี้พวกนี้เรียกว่าดีโดยอัธยาศัยนะพวกที่สัมปัตตวิรัตโดยไม่ต้องสมาทานได้เนี่ยเรียกว่าพวกนี้บุญเก่าดีมากเลยนะอัธยาศัยเก่าเนี่ยดีเยี่ยมทาให้ไม่ล่วงศีลไม่ทุศีลทั้งทั้ ง, ท, งที่มีโอกาสเนี่ยนะก็นับว่าเป็นคนที่น่าชมเชยเรียกว่าดีโดยอัธยาศัยจริงๆแต่บางพวกก็ดีโดยการสมาทานใช่ไสัมปัตตวิรัตว่ากุลบุตรไม่ทาบาปมีปานาติบาตเป็นต้น ตั้งแต่ประพฤติวิรัตอันใดวิรัตอันนั้นเป็นไปโดยสมาทานสิกขาบทชื่อว่าสมาทานวิรัตเนี่ยนะก็สมาทานตั้งใจเอาเลยนะนนะถามว่าในสัมปัตตาวิรัตกับสมาทานวิรัตเนี่ยอันไหนควรถามว่าถ้าสองอย่างนะจริงๆก็ดีทั้งคู่แต่อันไหนดีกว่ากันสมาท า, า, านดีกว่าถ้าดีโดยอัธยาศัย น, นะก็ไม่แน่ว่าจะดีได้ตลอดไปหรือเปล่าแต่ถ้าดีโดยการตั้งใจดีโดยการฝึกอันนี้ก็นับว่าดี สามารถที่จะดีได้ระยะยาวต่อไปให้ตั้งใจสมาทานเพราะว่าพระาศาสนาเราถือการฝึกเป็นเป็นสำคัญเนี่ยนะให้คุณค่ากับการฝึกมากนะ เ, เพราะว่าคนที่ดีโดยอัธยาศัยจริงๆแล้วในโลกไม่มากนักเนะมันก็ต้องหมั่นทำให้มีขึ้นส่วนภัยเวณห้าของพระอริยาสาวกระงับไปตั้งแต่วิรัตใดวิรัตนนประกอบด้วยอริยมรรคอันนี้ชื่อว่าสมุเฉทวิรัต วีรตีสามที่เกิดในขณะโสดาปฏิมักเป็นต้นนะไอ้ตัววีรตีตัวนั้นหลังจากนั้นจะไม่เคยคิดล่วงอีกเลยจะไม่คิดล่วงทางกายทางวาจาโดยเฉพาะทูศีลที่เรียกว่าศีลห้าเนี่ยนะถ้าเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันจะไม่คิดประทุษร้ายชีวิตของผู้ใด น, นะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายพระโสดาบันจะไม่คิดทําลายโดยประการทั้งปวง น, นะจะปราลกถึงจะเลวขนาดไหนก็ตาม ชั่วร้ายขนาดไหนก็ตามพระโสดาบันจิตที่น้อมไปเพื่อทําลายชีวิตไม่มีพระโสดาบันนั้นทรัพย์ของผู้ใดเนี่ยนะพระโสดาบันถือว่าทรัพย์จงเป็นของผู้นั้นจะไม่น้อมมาเป็นของตนเลยเนี่ยนะจะไม่น้อมมาเป็นของตนโดยผิดธรรมเลยไม่มีแล้วก็คู่ครองแห่งผู้ใดก็จงเป็นของผู้นั้นไปพระโสดาบันจะไม่คิดเลยเถิดไปอีกเนี่ยนะแล้วพระโสดาบันจะดํารงมั่นอยู่ในคําสัต์คําจริงแม้ตายก็ไม่กล่าวไม่สามารถจะกล่าว มูสาวาจได้พระโสดาบันเนี่ยนะถ้าท่านไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นน้ำเมาท่านล่วงลําคอท่านนะจะหมดสภาพในความเป็นน้ําเมาถ้าถึงท่านไม่รู้นะเช้นมันอาจจะสีเปลี่ยนไปรสเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปแต่มันมีความเป็นน้ำเมาเนี่ยถ้าล่วงคอของท่านน้ำหมดสภาพความเป็นน้าเมาด้วยอํานาจวีรตีของท่านอันอนุภาพของวีรตีที่เกิดในอริยมรรคนั้นสามารถหลังจากนั้นแต่ท่านก็เรียกว่าดีโดยความบริสุทธิ์จริงๆ เจตนาที่เป็นล่วงล่วงศีลห้าล่วงภัยเวรห้าประการไม่มีอีกต่อไปสำหรับพระโสดาบันแต่ที่จะเป็นอย่างนั้นได้ท่านสมาทานมาจนช่ำชองแล้วเนยไม่ใช่ว่ายู่ๆขึ้นมาดีพวดเลยนะไม่ใช่แต่ว่าสมาทานมาเป็นอย่างดีเยี่ยมมันก็ที่สำคัญนะนะให้เราดีโดยการสมาทานไปก่อนดีโดยการสมาทานถึงที่สุดจะดีได้โดยอริยมรรคถ้าถึงขนาดอริยมรรคแล้ว หลังจากนั้นผ่านไปแม้เจตนาคิดจะล่วงศสินห้าก็ไม่มีเรียกว่าดีโดยดีโดยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริ ง, ง น, นะนะแต่ที่สําคัญที่สุดนะปราลบชีวิตของสัตว์ใดเราก็ไม่น้อมไปเพื่อประทุวะร้ายก่อนยมพ่อฆ่าแมาลง ต, ตะขาบก็บอกว่ากลัวมันกัดอะ่ะยมพ่อเคยได้ยินไหมตะขาบกัด ต, ตายเนี่ยเหมือนกันก็บอกว่า ต, ตั้งอันนี้จะไม่ทําอีกแล้วเหมือนกัน ก็โอ้ยไปกลัวตะขับกัดตายยังไม่เคยได้ยินนะตะขับกัดตายเนี่ยอนั่นก็ไม่ได่น่ากลัวอะไรหรอกมันจะกัดบ้างมันจะเจ็บบ้างก็ไม่เท่าไรหรอกเนี่ยนะก็สงสารมันบังเตอรเนี่ยนี่ไไปฆ่ามันเลยเนี่ยนะ่ไม่ฆ่ามันก็ตายนะจริงๆมันก็อาจจะตายช้าลงหน่อยเท่านั้นแหละไม่แช่งมันก็ตายนั่นแหละแต่แต่ว่าศีลของเราล่ะมันทําลายไปมันเสียไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเกิดมามีความตายเป็นที่ สุดรอบมันเราไม่ฆ่าเขาก็ตายอยู่แล้วล่ะทําไมเราต้องไปขอเปื้อนบาปกับชีวิตของคนอื่นเล่าเนี่ยนะก็สมาทานเธอเนี่ยนะอันนี้เป็นประโยชน์เป็นเป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขแกเราเองทรัพย์สินของผู้อื่นก็ไม่ได้วังจะอยู่กับผู้อื่นตลอดไปอะไรหรอกเนี่ยนะเพราะทรัพย์ทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้มันก็ของสาธารณะผู้ใดมีบุญก็ดูแลใช้สอยไปอันนเราเนี่ยทำบุญไว้น้อยเนี่ยเราจึงทรัพย์ไม่ค่อยมากคนอื่นๆก็เหมือนกันเออขอไป เราถ้าเรามุ่งน้อมเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนนะต่อไปเราจะ ก, กันดานทรัพย์มากตอนนี้อีกหลายสิบเท่าเพราะฉะนั้นการทุจริตคอรัปชันการโกงการหยิบเอาของผู้อื่นโดยอธินาทานเจตนาอันนี้สร้างความเสียหายให้แก่ตนในชาตินี้ด้วยแล้วก็ชาติต่อๆไปด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนยากคนไร้ทั้งหลายเนี่ยสาเหตุนะมาจากอธินาทานเจตนาไม่ใช่เขาไม่ให้ทานอย่างเดียวเขาอาจรำอธินาทานด้วยสิ เนี่ยนะอ น, นั้นผลของอธินาทานทําให้เขาเนี่ยยากไร้ไร้ทรัพย์ถึงขนาดว่าไปเห็นสัตว์ที่แม้กระทั่งขนจะหุ้มตัวยังไม่มีไหมเนี่ยนะมันเดือดร้อนขนาดนั้นนะแม้แต่ขนจะหุ้มตัวยังไม่มีอ่ะนะไร้ซัพย์ขนาดนั้นนะถ้ามนุษย์ทั้งหลายไร้ซัพย์มีผ้านุ่งผ้าห่มนี่ก็นับว่ า, วายัางรวยนะเนนะนะนะอันนี้แม้กระทั่งใครว่าบางทีนะผิวหนังจะปกปิดตัวยังไม่มีอ่ไร้ซัย์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะนะซับทั้งหลายมหาพูดทั้งหลายเนี่ย ไอ้ก็ไอ้มหาพูดนี่นแหละเจตนาบริจาคเป็นบุญใช่ไหมเจตนาลักรวกมหาพูดนี้ของคนอื่นนอมาเป็นของตนอ่ะมันมีโทษเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องมหาพูดมหาพูดนี่โหยิ่งใหญ่จริงๆสัตว์ทั้งหลายจะทําชั่วทําบาปก็เพราะมหาพูดก็อาศัยมหาพูดนั่นแหละบรรลุมรรคผลนั้นพระองค์จึงให้พิจารณาเหตุเกิดความดับอาสาท่อาทีนวะนิสรณ ะ, ะของมหาพูด ถ้าทําปริญญาอย่างนี้ได้จากทําที่สุดแห่งทุกข์ไรแม้กระทั่งศึกษาเรื่องศีลเรื่องกรรมบทเรื่องอะไรนะั้นมันเกี่ยวกับมหาพูดนั่นแหละเพราะมหาพูดมันเป็นดินแดนแห่งกุศลกรรมบทและอะักุศลกรรมบทเอาเรื่องมหาพูดมาคิดดีๆนั่นะจะเห็นแม้กระทั่งเรื่องถ้าล่วงอักุศลกรรมบทเนี่อล่วงเท่าไรหนึ่งคิดประทุษร้ายมหาพูดคือปาณาติบาคิดหยิบเอามหาภูตรูปมาเป็นของตนรู้ว่าเป็นของผู้อื่นนั้นก็เป็น อธินนาทานล่วงเกินมหาพูดที่มีเจ้าของเป็นต้นก็เป็นกาเมสุมิชชาจาร์พูดไม่ตรงต่อความเป็นจริงของมหาพูดก็เป็นมุสาวาท ด, ดื่มสุราก็ดื่มมหาพูดนั่นแหละอันนั้นดื่มมหาพูดกินข้าวเย็นกินเลยมหาพูดเห็นไหมพูดคำหยาบก็ดา่าคำหยาบกระทบมหาพูดกระทบธาตุดินบ้างกระทบธาตุน้ําบ้างกระทบธาตุไฟบ้างกระทบสีบ้างก็วนๆอยู่ในมหาพูดนั่นแหละนี่นแะ ถ้าจะโลภนะคิดจะเอาก็คิดจะเอาอะไรมหาพูดคิดทําลายก็คิดทําลายมหาพูดเห็นผิดก็เห็นผิดในมหาพูดมันถ้าเอาปริญญาเอามหาพูดมาพิจารณ า, นานเห็นทั้งกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบททีนี้ถ้าล่วงอกุศลกรรมบทในมหาพูดมันจะได้มหาพูดอย่างเลวกลับมาถ้าประพฤติดีในมหาพูดจะได้มหาพูดอย่างดีกลับมาถ้าตัดฉันธราคะในมหาพูดพ้นมหาพูดสักที แต่ว่ามหาพูดทั้งหลายมีโทษโดยประการทั้งปวงนะถ้าเจริญอาทีนว่าสัญญาแล้วจะเห็นฉัน ม, มหาพูดนี่มีโทษจริงๆนะก็นี่ก็ทำปริญญาในมหาพูดได้เวลาฉันมหาพูดอีกแล้วถ้าจะกล่าวไปนะศีลก็มีมหาพูดนะันเป็นอารมณ์นะเชนทองก็มีใครอยากจะถามเรื่องอื่นๆไหมถามได้หมดนะ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 ว่าปัญญานี้เกิดเพราะการประกอบนะถ้าไม่เกิดไม่เกิดก็เพราะไม่ประกอบแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นทางเจริญอะไรเป็นทางเสือ่อมก็ตั้งตั้งตนเอาไว้โดยปัญญาจะเกิดขึ้นได้นะตั้งเอาไว้เลยนะว่าปัญญาจะเกิดได้เพราะอย่างนี้อย่างนี้ก็คือตั้งต้นในการประกอบกิจกรรมในทางปัญญาดงนั้นปัญญานี้เวลาเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเพลาที่สุดอ่อนกําลังที่สุดก็คืออะไรกรมมักตาปัญญานะ ในบรรดากรรมสการตาปัญญาสัมมาทิฐิเนี่ยนะโดยเฉพาะเรียกว่ากรรมสการตาสัมมาทิฐิมีวัตถุสิบข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการรู้ว่าสมณะราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนะทำโลกนี้กับโลกอื่นให้แจ้งชัดแล้วเอามาบอกสอนเนี่ยมีอยู่อันนะั้นผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคือใครก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันปัญญาอย่าง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 พอมีอะไรปั๊บก็พุโทโธพุธโทโธอรหังสัมมาสัมพุโทโธอะไรอย่างใดย่างหนึ่งก็ได้ให้ลึกไปในลักษณะนี้ไว้ก่อนทีนี้ถ้าเรามีปัญญาเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นคุณของพระพุทธเจ้าในทุกขนทุกแห่งเนี่ยนี่ของขตอมาถ้าโดยส่วนตัวอยากจะแนะนำธรรมะที่เรียกว่ากลมอภินญ ย, ยธรรมเนี่ยให้ทรงจำเอาไว้เป็นเป็นแบบเป็นแผนเพราะว่าสามารถใช้ได้ตลอดกาลจริง นะถ้ายิ่งมณติการบ่อยๆจะเห็นคุณซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงอริยสัจครอบคลุมไปถึงการบําเพ็ญไตรสิกขาอย่างที่ว่าเมื่อรับอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาให้ละลึกถึงอภินัยธรรมอันนี้ข้อแรกก่อนนะสองละลึกถึงปริญญยธรรมสามละลึกถึงปหาตปธรรมสี่ละลึกถึงสัจจิกาตปธรรม5้าละลึกถึงภาเวตปธรรม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 อามองเห็นปานาคกันแล้วกันถ้ามองเห็นปานาคอย่างไ้เอาอันนี้เป็นภาษาไทยไทยเรานะทีนี้เราเอาหลักวิชาธรรมะมาจับเลยว่าในเนี่ยการมองเห็นอะไรควรรู้ยิ่งพระพุทธเจา้าตรัสว่าตาควรรู้ยิ่งใช่ไหมสีที่เห็นเนี่ยนะคือคือทั้งปานาคที่เห็นจริงๆเราเห็นสีนะในบ ร, รยอย่างอื่นทั้งหมดไม่เห็นหรอกแต่รู้ด้วยทางใจ น, นะไอ้ยังอื่นทั้งหมดเนี่ยรู้ทวารใจแต่ที่เห็นจริงๆริๆนี่เห็น เห็นสีทัานตาควรรู้ยิ่งสีควรรู้ยิ่งอาศัยตากับสีเนี่ยตาเป็นวัตถุ ข, ของจากครูวิญญาณสีเป็นอารมณ์ของจากครูวิญญาณอาศัยหลอดไฟฟ้าเนี่ยช่วยจากครูวิญญาณก็เกิดขึ้นเพราะมานฑสิกังเนี่ยนะพวกนี้ควรรู้ยิ่งทีนี้ถ้าถ้าเห็นปนาัาหาตอนแกน ย, ยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็โสมนัตไปด้วยใช่ไหมถ้าตอนเห็นตอนที่ไม่ค่อยสบายเนี่ยนะกำลังวิงเวียนพอดีเลยเนี่ยเราก็จะป่วยไปด้วย อันนี้ก็โท่มนัทก็จะเกิดนะเพราะว่าภาษาอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอนนเพราะจะกล่าวไม่ได้เลยว่าถ้าปาหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเราจะไม่ยิ้มแ ย, ย้มตามไปด้วยอนนเพราะได้อิทธารมใช่ไหมสภาวะที่น่าปรารถนาถ้าตอนที่ไม่สบายเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะเราเห็นก็พลอยโท่มนัทไปด้วยแต่ถ้าตอนธรรมดาทั่วๆไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าก็อุเบกขาเวทนาซะส่วนใหญ่พันเวทนาเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง รู้ยิ่งอ่อนะสรุปว่าตานี้ควรรู้ยิ่งพร้อมทั้งปัจจัยสีของป้านหน้าก็ควรรู้ยิ่งพร้อมทั้งปัจจัยเพราะสีเกิดจากสมุทรานสี่ประการเนี่ยนะจากครูวิญญาณก็มีปัจจัยคือตากับสีเป็นปัจจัยแสงสว่างเป็นปัจจัยภาษานะทั้งหมดประชุมกันเรียกว่าภาษะถ้ารู้ปารมณ์ที่หน้าปรารถนาก็เป็นนะตอนยิ้มแยมแจ่มใสก็สุขเวทนา ถ้าตอนที่ไม่ค่อยสบายก็เป็ น, ท, นทุกโทมนัสเวทนานะคนเห็นก็โธมนัสเลยนะแต่ยิ่งผูกพันกันมากก็โธมนัสมากถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปสนใจเรื่องอื่นอยู่อุเบขาวเวทนาก็เกิดดังั้นการรอบรู้สิ่งนี้พร้อมทั้งปัจจัยที่สําคัญที่สุดต้องไม่ลืมว่าคูณการสามด้วยเพราะทวารตามไม่ใช่เห็นแค่ขณะ น, นี้ก่อนหน้านี้ก็เห็นก่อนหน้านี้ถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปก็เห็นชาติที่แล้วก็ก็องค์ประชุมแบบเนี้ย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 เวทนาทั้งที่เป็นสุขทุกข์และอุเบกขาก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งทั้งอดีตที่ผ่านมาสังขารเหล่านี้ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่จะเห็นขณะต่ อ, ต อ, ตอไปแม้กระทั่งจะเห็นชาติหน้าสิ่งเหล่านี้ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งอันนี้เนี่ยการรู้อย่างนี้เรียกว่าพินญายธรรมเนีนะนะเรียกว่ารู้ยิ่งทีนี้แล้วก็รู้เพิ่มว่าควรกําหนดรู้ว่าจักขู่ไม่เที่ยงมีจักขู่ใดที่มั่นคงถาวรนไหมนะีย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 ก็อยู่ที่คุณภาพของจักระภาษาธาเนี่ยนะนะเพราะตานี่เป็นใหญ่ในการ <Okay. S 1> เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่แตกทําลายเป็นธรรมดาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายโลกแตกสลายคำว่าโลกเพราะอถ า, าว่าแตกสลายอะไรแตกสลายจักระแตกสลายรูปแตกสลายจักระวิ ญ, ญญาณแตกสลายจักระสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุก ข, ข, ขมสุขเวทนาที่มีจักระสัมผัสเ ป, เป็นตัดใจก็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 ที่ที่ยอมลงทุนทําทุจริตในสิ่งนั้นๆนะเพราะถือว่าสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งความสุขนั่นเป็นปัจจัยแห่งความสุขแต่ทีนี้เมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้สุขจริงเนี่ยถามว่าเราจะยอมยอมทํำไหมแอบไปเหยียบไฟไม่ให้คนเห็นเนี่ยกล้าไหมไม่ยอมมันนะมีใครยอมหรอกชั้นใดก็ดีเมื่อเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นเป็นของร้อนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นต้นแทงตลอดอสังขตตาธาตุท่านจะไม่ยอม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 มีอัธยาศัยตามจำเนกแจกแจงในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราหมั่นระลึกทรงจำห้าคำได้น ะ, จะเจริญพุทธกุลได้ทุกข้อแล้วเรียนพระธรรมจะไม่ไม่ค่อยสู้จะเป็นภาระสักเท่าไหร่คือจะถามจะถามว่าที่พระลรหันที่เอหิพิ ข, ขุเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยท่านประบัตกับตัวเองได้หรือว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้าทรงประทานให้เจ้าคะ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 เนี่ยนะบริขารแปดมาครบเลยบาดจีวรเนี่ยไม่ต้องไปหาหมีดโกนมาปลงอีกและเนี่ยนะครบเครื่องทันทีเลยอ่านะอันนี้เรียกว่าด้วยพุทธานุภาพด้วยแล้วก็บุญเก่าของผู้นั้นด้วยองค์ประกอบสองประการทั้งของพระพุทธเจ้าด้วยทั้งของบุญเก่าของผู้นั้นด้วยทีนี้บางพวกนี้ไม่มีโอกาสได้บวชอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้ทําบุญเอาไว้เช่นพระพาหิยะธารุเจริยะเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างตนีในบริขาร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 พระมหาคสป่าไม่ใช่เอหิพิคุอุปสมปทาเป็นโอวาอันนัคือเป็นผู้บวช ด, ด้วยโอวาทเนี่ยนะบวช ด, ด้วยโอวาสโอวาสสามข้อนะพระมหาคสป่านี่บวชแบบรบับโอวาสว่าข้อแรกให้ตั้งความเคารพย้ำเกรงในภิกษุทั้งสามปูนทั้งปูนเทระมัชิมะนวกะต้องไปทําความเคารพโดยส่วนเดียว อันนี้คือเนื่องจากว่าพระมหากระสปาเนี่ยนะเป็นเป็นเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่มากที่ออกบวชเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นผู้รูปงามมากถ้าจำไม่ผิดนี่มีมหาปริศรักษณะอยู่ในตัวเจ็ดประการเนนะเป็นผู้ที่รูปงามมากก็พรมมเกิดอ่ะฉะนันก็เป็นผู้รูปงามเป็นผู้มีบุญหน้าเคารพหน้าเลื่อมใสามากเนี่นะแล้วท่า น, นพระองค์ก็เลยลดมานะด้วยการไปตั้งความเคารพตั้งความยำเกรง ในในพระพิสูนทั้งสามปูนข้อแรกนะข้อสองเขาว่าเงี้ยโสดลงฟังเาเรียกว่าธรรมะถ้าเป็นธรรมะที่เป็นกุศลเนี่ยนะจะเ ง, งี้ยโสดลงฟังขอให้เป็นพระธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นคาสอนนะเงี่ยโสดลงฟังประชุมด้วยจิตทั้งหมดฟังขระสามก็ไม่ละกายคตาสติเนี่ยนะเจริญกายคตาสติภาวนาเนี่ยนะโดยเสมอต้นเสมอปลาย ท่านเจริญตามนี้เจ็ดวันบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยถ้าบอกกายคตาสติเรียนเนติปกรณ์มาแล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเวทนาคตาสติก็เท่ากับแสดงแล้วจิตตะคตาสติก็แสดงแล้วธรรมะคตาสติก็แสดงแล้วถ้าแสดงสติประธานสีแล้วสัมมาประธานสีอิทธิบาทสีอินรียพระโพชฌง์อริยมัติมีองค์แปดก็เจริญแล้วก็ไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ ทันทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าผู้ที่ศึกษาอภินัยยธรรมปริ ญ, ญัยธรรมปรหาตปรธรรมสัจิกาตรตปธรรมภาเวตปรธรรมเนี่ยทำให้เราไม่เข้าใจผิดในคําสอนแล้วศึกษาพระธรรมนะธรรมะทั้งหมดในพระศาสนามีอยู่เพื่ออธิบายห้าคำนี้เท่านั้นอันนี้ถือถือเป็นหัวข้อใหญ่ ใ, หญในในหลักธรรมเลยนะเป็นโครงสร้างที่อธิบายทั้งพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณอ่ะ น, นะอธิบายได้ทุกเรื่องจริงจริจรจรไว้แค่นี้แหละ แล้วก็อ่านไปเถอะพระตายิดกไม่มีเกินสิ่งเรานี่หรอกเนี่ยเรียนมงคลเนี่ยพ้นอยู่ในกลุ่มไหนมงคลพาเวตประธรรมก็กำลังเรียนพาเวตประธรรมสิ่งที่เราจะต้องเจริญจะต้องบำเพ็ญขึ้นจะต้องทาขึ้นได้มงคลที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะสิบเก้ายังไม่จบดีเลยสิบเก้ายังไม่จบดีเลยเนาะ คือวิรติอารติวรติปาปามะชะปานาจะสัญญโมอปมาโทจะทำเมสุเอตมังคลมุตตะมังเนี่นี่ก็มาขึ้นในอารติวรติอารติหมายถึงอะไรเว้นบาปทางใจใช่ไหมวิรติเว้นบาปทางกายและวาจาวิรติมีสามอย่างคือสัมปตะวิรตวิรติกับวิรัตอันเดียวกันนนสัมปตตะก็คือคนดีโดยอัธยาศัยเนี่ยนะเขาไปเจออะไรที่ ทำชั่วเขาก็ไม่ทำชั่วหรอกส่วนบางพวกนี่ไม่ได้ดีขนาดมันเอาอันนี้ถ้าไม่ได้เป็นคนดีโดยอัธยาศาัยจริงๆก็สมาทานไ ด, ไดนะ้ฝึกได้หรือผู้ที่อบรมสมาทานบ่อยมากอบรมจนอริยมรรคเกิดก็หลังจากนี้ไปก็เป็นอันละเว้นได้โดยเ ด, ด็มันมันเป็นอะไรเนอะเตโชธาตมันกำเริบ เนนะนคิดดูนะเตโชธาตเล็กๆน้อยๆก็ยังเป็นปรตูปานิสยาปัจจัยที่สำคัญเลยนะชีวิตของเราอย่าไปนึกว่ามันโอ้โหดูมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่เลยแม้กระทั่งเหตุเล็กๆน้อยๆก็ยังให้เวทนาก็เปลี่ยนภัษนก็เปลี่ยนเนยนะก็เปลี่ยนไปตามนั่นไปหมดอิทธิพลของมหาพูดภายนอกนี้ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆนะในโดยเฉพาะวีรตีนเนี่ยนะ ถ้าเป็นพระอาหารหันเอ่อขออภัยถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเจตนาที่จะล่วงละเมิดศีลคาบท่าประการไม่มีโดยประการทั้งปวงเห็นไหมไม่มีโดยประการทั้งปวงผู้ที่สมาทานศีลเนี่ยบางทียังแอบฝันว่าทําปานาติบาบบางคนยังแอบฝันว่าทำอาทินาทานแอบฝันว่าไปมูสสาวาตเป็นต้นเห็นไหมแอบฝันว่าดื่มสุราเมรัยเนี่ยบางพวกยังแอบฝันเป็นอย่างนั้นเลยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันโดยที่สุดแม้ความฝันยังไม่มี ท, ที่จะล่วงทุจริตกรรมเหล่านั้นบางคนเนี่ยสมาทานศีลใช่ไหมแต่ว่าก็ยังฝันมาตกยุงอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าสิกษาบทยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่นีนะก็สมาทานให้มั่นให้เพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปในหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบหกกล่าวว่าท่านกล่าวกรร ม, มกิเลสสีคือปานาติบาตอธินาทานมุสาวาตและการละเมิดภริยาของผู้อื่นบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญเลยที่ไม่สรรเสริญก็นําความเสียหาย เช่นปานาติบาตนะเสียหายเจตนาตรงๆถ้าล่วงละเมิดนรกกับเดราชาญผลอย่างเบาที่สุดอายุสั้นเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์อาจจะเกิดเป็นมนุษย์สามนาทีห้านาทีสองสามชั่วโมงหรืออายุสั้นๆตายได้หมดแหละวั น, น, นอธินาทานก็อบายทุกขติวินิบาตนรกอีกนั่นแหละผลอย่างเบาที่สุดทาให้ยากไรในเรื่องทรัพย์ถึงมีทรัพย์ก็เสียหาย อันนั้นมีก็ถ้าเจ๊งแล้วมันจะสบายนะถ้ายังมีก็เดือดร้อนหมดนะก็อเอาจนหมดตัวแล้วก็จะมีความสุขเองอะไรนะั่นก็มันจะไม่มีอะไรจะเหลือแล้วนะมันก็หมดแล้วอะ่ะก็ผลอย่างเบาอัินาทานมุสาวาตเกี่ยวกับเรื่องฟันก่อนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องฟันเรื่องร่างกายแล้วก็ถูกหลอกประจําอ่ยนถูกหลอกประจนะนําอ่นะ ไม่มีใครพูดจริงกับเราสักคนเดียวเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในะชีวิตเนี่ยนะถูกหล อ, อกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าละเมิดภรรยาของผู้อื่นนะอบายทุกติวินิบาตนรกแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะพวกนี้เป็นคนขี้หวาดระแวงเนี่ยอันนี้เศษอย่างเบาๆเลยเนะี่ยแม้กระทั่งเคยที่เคยรู้จักบางคนที่เป็นผู้ชายนะที่มักผิดคู่ครองบุคคลอื่นมากนะพวกนี้นอนไม่ค่อยหลับ มันเป็นพวกที่หวาดระแวงเอามากๆเลยนะเรียกว่าเป็นคนที่หวาดระแวงสะดุ้งขี้กลัวจริงๆเลยเพราะว่าทําเหตุที่ไม่ดีเนี่ยนะอันนี้เศษนะเศษเซี่ยวแต่เจ้าคนนี้ก็กลับมาทําใหม่อีกเนี่ยนะแล้วก็ทําบ่อยด้วยเนี่ยนะก็นึกแล้วก็น่าเห็นใจน่าการุณาเลยว่าืมถ้ากรรมมันให้ผลนะไปเก็บไว้ไหนเนาะเนี่ยนะนะจริงๆก็ไม่มีใครทําลายเขาหรอกเจตนาของเขานั่นแหละมัน ปทุสร า, ายตัวเขาเองดังที่พระองค์ตรัสว่าตัวเหล็กนะอะไรทําลายเหล็กสนิมที่อยู่ในเหล็กเป็นตัวทําลายเหล็กราคาโทสะโมหะที่อยู่ในจิตของสัตว์ทั้งหลายก็ทําลายลายสาัตว์ทั้งหลายฉันนั้นไม่มีผู้ใดไปทําลายเขาหรอกแต่ว่ามันประจวบเหมาะดูเหมือนบุคคลอื่นมาทําลายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะนะเพราะสาัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน ในขณะเดียวกันบอกว่าเออสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเพราะฉะนั้นคนนี้ถูกฆ่าก็สมเ อ, อคนที่รับคนที่ถูกฆ่าเนี่ยสมควรแก่กรรมแล้วกรรมในอดีตนะแต่คนฆ่าเนี่ยกําลังทําเหตุใหม่แล้วนะก็ต้องแบ่งเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวข้าวบอกเออเนี่ยเพราะกรรมของท่านนั่นแหละทําให้ผมคิดฆ่าท่านอันนี้ก็เลยทงอีกนะไม่ใช่อนนัท่านก็เพราะกรรมทําให้ข้าพเจ้าคิดฆ่าท่าน เพราะฉะนั้นท่านก็สมควรแก่ผลของกรรมเก่าแล้วแต่ทีนี้ข้าพเจ้าก็กําลังทําเหตุใหม่ถ้าข้าพเจ้าจะถูกฆ่าก็สมควรแก่กรรมแล้วอย่างนั้นนะอันที่จริงก็ถ้าจะพูดให้เต็มประโยคต้องเป็นแบบนั้นแล้ว่าไปตามยะถากรรมนัม้นเกี่ยวกับเรื่องบาปอากุศลเนี่ยนะพระผู้ใดที่งดบาปได้เว้นบาปได้ผู้นั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดที่สุดแหละเพราะทําลาอะไรท่านบอกว่าระงับภัยเวรทั้งโลกนี้และโลกหน้า เว้นจากบาปอากุศลการงดเว้นทั้งหมดนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษนานาประการมีการละภัยเวน้นทั้งปัจจุบันและภายหน้าเป็นต้นอันนี้แหละจึงเป็นมงคลนะการงดเว้นจากบาปถ้าโดยสรุปโดยยอด่อโดยรวมก็คือเว้นบาปในทวารสามเรียกว่าอารติวีรติป่าป่าอารติเว้นจากบาปทางใจวีรติบะเว้นบาปทางกายและวาจา เอตัมมังคารมุตตัมมังนั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญแต่ถ้าทาําบาปวาวรใดเมื่อไหร่ะ น, นะปะทุสร้ายตัวเองแล้วเนี่ยนะศัตรูได้เข้ามาสิงแล้วเนี่ยนะเป็นศัตรูที่เรียกว่าไม่มีใครจะทําลายตัวเองอ น, นะนะไม่มีใครจะทําลายเราได้มากที่สุดเท่ากับตัวเราเ น, น, นี่ยนะอันภายในเนี่ยมันเป็นเรีะว่าเป็นพาร์มชนิดที่เรียกว่าสร้างความเสียหายให้ก็ไม่มีอะไรจะเท่ากับภาระภายใน ถ้าถ้าเราเคยแบ่งนะีอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเนี่ยอายตนะภายในคือตาโอ้จมกูกลิน้นกายใจเจตสิกทุกชนิดเนี่ยเป็นภายนอกหมดเลยเนี่ยนะมันถ้าเราครบเจตสิกบางอย่างเนี่ยนะครบเจตสิกบางอย่างผิดพลาดโดยเฉพาะเจตสิกเสียหายหาประมาณไม่ได้ถ้าครบกุศ ล, ลเจตสิกใจก็ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าอากุศลเจตสิกนี่ก็นับว่าเป็น มิตรที่ร้ายกาจมากเป็นปหาปมิตรถ้าเป็นกุศลเจตสิกก็เป็นสหายชั้นเยี่ยมเนี่ยนะแปลว่าได้เพื่อนดีได้เพื่อนที่เป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นคัดคั ด, คดเจตสิกนะคัดคัดเจตสิกคัดได้ยังไงคัดได้ไหมได้หรือไม่ได้ตกลงได้ได้ไดยังไง<อ> น, นะก็โยนิโสมนัิการ<อ>เป็นเหตุ<อ>แห่งอกกุศลขออภัยโยนิโสมนัิการ เป็นเหตุแห่งกุศลเจตสิกอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุแห่งอักุศลเจตสิกเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิกานบ่อยๆนะแต่ทีนี้แล้วมันไม่ค่อยโยจะทํำยังไงกันนี้มันไม่ค่อยโยนิโสมนสิการเ<ม>พราะอะไรเ พ, พระาพระว่าฟังศรัทธ า, าไม่พอคือเราขาดศรัทธาไปนะศรัทธาซีเราไม่ดีสศรัทธาซีอ่อนเพราะอะไรอ่อนเพราะเรียนไม่พอ ฟังไม่พอทรงจําไม่พอเนี่ยนะนะหรือถ้า ง, ง่ายๆก็เนี่ยอภินญ ย, ยธรรมเนี่ยจําไว้ไม่ดีปริญโ ย, ยธรรมก็ไม่ดีพระประหาตาปรธรรมก็ใหม่แม่นสจิกาตาปรธรรมก็ใหม่รู้ภาเวตาปรธรรมก็ใหม่เข้าใจก็สมควรแล้วละนะเหมาะสมเป็นที่สุดแล้วเนี่ยนะนะก็สุตาให้ดีนะก็อันนี้แหละที่เรียกว่าจะต้องขวนขวายภาคเพียรพยายามบากบังที่สุดเท่าที่จะทําได้ ในสังยุตตนิกายนิทานอวรคนะพระ อ, องค์ตรัสเลยว่าถ้าจะต้องระดมความเพียรทุกอย่างเพื่อจะศึกษาอย่างนี้ก็ทําให้ทําดํารงสติสัมปชัญญะทุกอย่างเนี่ยนะอีกท่านในสังยุตตนิกายมหาวาระกล่าวาว่าถ้าดับไฟบนศีรษะอย่างช้าได้แต่การศึกษาสิ่งนี้เนี่ยควรรีบเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเมื่อไรเนาะเราจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ควรรีบนะถ้ารู้ถ้าเมื่อใดบุคคลเข้าใจอย่างนี้เนะ คูนั้นมีชาคริยานุโยกยนะชาคริยานุโยกอยู่ในตัวเนี่ย น, นะก็าชาคริยานุโยกแปลว่าอะไรชาคริยะแปลว่าตื่น น, นะมีคุณธรรมของบุคคลผู้ตื่น น, นะตื่นอยู่ภายในว่าไม่หลับเนี่ย น, นะไม่หลับหมายคขาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้จักหลับจักนอนแต่หมายถึงว่าตื่นตัวได้ตลอดเนี่ย น, นะตื่นตัวว่าอะไรเป็นอะไรผู้ที่อยู่ด้วยความตื่นตัวอย่างนี้แหละเรียกว่ามีสติกับ สัมปชัญญะมันผู้มีสติสัมปชัญญะว่าให้เต็มๆเลยนะคือแยกแยะว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทำให้แจ้งแต่ถามวาาไม่ทำกิจเหล่านี้อะไรจะเกิดขึ้นรู้เลยใช่ไหมว่าวิบากของผู้ไม่ไม่ทำกิจเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้การที่แยกแยะอย่างนี้ได้วิเคราะห์อย่างนี้ได้เรียกว่ามีสติและสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะอันนี้มีอุปการะมาก เนี่ยนะเป็นพหุการะกะธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากจริงๆอย่างที่เรากล่าวว่าอารติวิรติปาปาเนี่ยนะการงดเว้นจากบาปก็เท่ากับกล่าวอะไรประหาตประธรรมสิ่งนี้ควรละนะไอตัวเอ่อตัวที่ตัวบาปทางกายวาจาใจควรละทีนี้การที่จะไม่ทําบาปทางกายวาจาใจก็แสดงว่าเจริญกุศลทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นภาเวตประธรรม ทนี้ดินแดนแดนโคโจรแห่งบาปกุศลนั่นนะคืออะไรปาณอติบาตมีอะไรเป็นอารมณ์ชีวิตตินซีอธินาทานมีอะไเป็นอารมณ์สัตว์และสังขารเนะวัตถุภายนอกและวัตถุภายในทั้งหลายวัตถุทั่วทั่วไปเนี่ยในะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมุสาวาตมีอะไรเป็นอารมณ์อารมณ์หกนะอารมณ์หกคุยได้ทุกเรื่อง t ะไรมุสาวา t เนี่ยประเมิดภรรยาผู้อื่นก็โพธพาม ก็หมันสมทานอธิษฐานปรารบบ่อยๆเนี่ยนะอันนี้เป็นมงคลนะนี่มาขึ้นมงคลข้อที่ยี่สิบนะมงคลข้อที่ยี่สิบการสํารวมจากการดื่มน้ําเมาสํารวมนี่มาจากคําว่าสังวรใช่ไหมสังวรแปลว่าปิดแปลว่าห้ามแปลว่าหย่านะเหมือนกันคำนี้เป็นชื่อของเจตนางดเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มของเมาคือสุราและเมรยัย เจตนาใดที่มุ่งไปเพื่อการดื่มสุราเจตนานั้นเรียกว่าเจตนาที่ตั้งแห่งความประมาทนะนะเจตนาที่ตั้งแห่งความประมาทก็เพราะเหตุที่ผู้ดื่มของเมาย่อมไม่รู้อัดนะทุกขสัตว์กับนิโรสัตว์นี่ระลึกได้ไหมทุกขสัตว์กับนิโรสัตว์ก็ระลึกไม่ได้สมุทัยสัตว์กัมมะขสัต ร, รรู้ไหมไม่รู้ขณะที่เมาเนี่ยนะครับไม่รู้อัดไม่รู้ทำย่อมทําอันตรายแม้กระทั่งแก่มารดา ไอ้คำว่าน้ำเมานี่อมไปถึงยาเสพติดทุกชนิดแม้กระทั่งยาบ้าเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ทั้งนั้นนะพวกติดยาบ้าติดกัญชาติดสุราติดเฮโรอีนมาเฟีนทั้งหลายแหละเนี่ยพวกนี้ฆ่าทำอันตรายแก่แม่ก็ได้ทําอันตรายแก่พ่อก็ได้ทําอันตรายแก่พระพุทธเจ้าก็ได้แก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ได้ทําอันตรายต่อสาวกของพระตถาคตเจ้าก็ได้การดื่มสุราเนี่ยนะทำอันตรายต่อพระพุทธเจ้าก็คือเช่น พ่อของพระนางพิมพาหรือพ่อของพระเทวทัตเนี่ยนะเจ้าเจ้าอะไรพระเจ้าสุปปพุทธเนี่ยนะวันหนึ่งแกนึกหมันไส้พระพุทธเจ้าขึ้นมาอะไรมาจริงๆพระพุทธเจ้าก็หลานท่านนั่นแหละนะเป็นลูกน้องสาวท่านน่ะนะท่านชื่อชื่อเต็มๆเรียกว่าสุปปพุทธพระเจ้าสุปปพุทธเนี่ยเป็นพ่อของพระนางสิริอของพ่อของพระนางพิมพ์พาพ่อของพระเทวทัตตาของพระราหุล วันหนึ่งมันไส้พระโพธิสัตว์บอกแม่เอาลูกสาวเราไปนะก็ปล่อยให้เป็นไม้ให้ลูกชายเราบวชก็ตั้งเป็นศัตรูอีกเนี่ยนะวันหนึ่งก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงก็เลยแกล้งกินเหล้าขวางถนนแม่พระพุทธเจ้าบินทบาดสายนี่รู้ว่าพระองค์มาแล้วตรียตั้งโต๊ะสุราเลย ร, รับไร้สุราอยู่นั่นแหละพระองค์มาถึงก็ยิ้มยิ้มแล้วพระองค์ก็กลับไปนะบอกสั่งอมาตทหารคนหนึ่งบอกไปดูสิสมณะโคดมว่า ย, ยัางไงก็บอกว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยจะถูกแผ่นดินสู่พระเจ้าข้า บอกเออเรื่องอื่นเนี่ยนะเออพูดจริงใช่แต่เรื่องนี้ผิดแน่นะก็เลยวางแผนมาโน่นไปอยู่บ้านชั้นเจ็ปราสาทชั้นเจ็เพราะฉะแผ่นดินจะสูบได้ยังไงใช่ไหมถ้าอยู่ปราสาทชั้นเจ็ดแล้วก็วางแผนเบ็ดเสร็จเนี่ยนะให้รื้อบันไดปราสาททุกชั้นให้รื้อบันไดแล้วตั้งนักมวยปล้ามาไว้เลยประตูละคนประตูละคนภายในวันที่เจ็ดห้ามลงเด็ดขาดเนี่ยนะจะได้จับผิดพระสมณะโคดมว่าเรื่องนี้ท่านพูดผิดแน่นอน พอวันที่เจ็ดม้ามันพยศนะนี่ม้ามันพยศเข้าบันไดามาตั้งที่เดิมไอ้นักมวยปล้ำที่คอยห้ามมันช่วยกันปรักหมดเลยนะตกถึงแผ่นดินแผ่นดินก็สุกเนี่ยนะเรียบร้อยเพรา ะ, ะเมาเนี่ยทําให้ประทุสลายพระพุทธเจ้าใช่ไหมตอนหลังก็ถูกแผ่นดินสุกถ้าทําร้ายพระประเจกับพระพุทธเจ้าล่ะอย่างกล่มอุบาลีพระอุบาลีเถระในอดีตชาติเป็นกษัตริย์เนี่ยนะขี่ช้างมาก็ดูถูกพระประเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ย พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเมานอยู่ในอาการมึนเมาซะส่วนใหญ่แม้แต่อยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพระเจ้าอูเทนเนี่ยนะพระเจ้าอูเทนเนี่ยจะเล่นงานพระเนี่ยนะจะเล่นงานพระพระพระอะไรพระปินโดลภารัทวาชะขณะนั้นก็เมาอยู่อะ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งะนะนายเจ้าเจ้าอะไรนะที่พระราชาที่สั่งตัดหัว่ตัดหูตัดจมูกตัดแขนขาพระโพธิสัตว์ะนะ พระเจ้าอะไรกษัตริยอะไรพระเจ้ากะลาปุ่นเนี่ยนะกษัตริย์พราพราณสีอ่ะที่ที่สั่งทําลายพระพพระโพธิสัตว์อ่ะนะนั่นก็เมาเนี่ยนะพันคนที่ทําความชั่วส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยมากตกอยู่ในอาการที่มึนเมาพันความมึนเมานี่ถือว่าเป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพระเจ้ากะลาปุ่นี่ก็ถูกแผ่นดินสูบนะพระเทวทัพนี่แกตกนรก บ่อยมากเลยนะปกติเลยแต่ถ้าท่านไม่ค่อยเจอพระโพธิสัตว์นะท่านก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่มันเป็นคู่เวรกันนะท่องเที่ยวจากนรกสู่นรกไปเรื่อยนะแต่อีกไม่นานพระเทวทัตจะบรรลุแล้วนะดูว่าของเรากับพระเทวทัตใครจะบรรลุก่อนพ <c oughs> ระเทวทัตท่านกําหนดเส้นชัยเรียบร้อยแล้วนะของเรานี่ยังบอกว่าข้าพเจ้าจักประกันด้วยข้าพเจ้าเองใช่ไหม <c oughs> ข้าพเจ้าจักรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งข้าพเจ้าจะต้อง ละสิ่งที่ควรละจะต้องกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้เหมงนันกันข้าพเจ้าขอเอาใจข้าพเจ้านี่แหละเป็นเดิมพันเหมือนกันข้าพเจ้าขอสมาทานทําบุญเพื่อจะทํากิจอันนี้นะเอาให้มันแม่แมแมแมมนๆนะคุณบัญชูอย่นงนั้นเน่ย พ, พลาดพลาดศาสนานี้แล้วก็เดือดร้อนแน่แการดื่มสุราและเมรัยเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจริงๆอย่างประเทศไทยเราก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ใช่น้อยก็เพราะดื่มสุราและเมรัยนี่แหละนันนะ อย่างแม้กระทั่งติดยาบ้าทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีพันผู้ที่ทําบาปเหล่านี้นะประสบความเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยนะในปัจจุบันนี้เดือดร้อนมากนะพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วพบหน้าอะไะถ้าไปทําร้ายพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะอย่างในตัวอย่างใช่ไหมพระพุทธเจ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าบิดามารดาเนี่ยโอ้เป็นวัตถุแห่งอนันตริยกรรมทั้งหมดเลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นก็พบหน้าก็อาบายถ้าเวียนกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ต่อไปอันนี้สงก็คืออย่างเบาที่สุดคือความเป็นบ้าอ น, น, นก็เป็นบ้าสมัยใหม่ก็นับว่ามีให้เห็นไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมมีให้เห็นมากอันนั้นเป็นผลของสุราอย่างเบาพวกโรคจิตพิ ป, ปิลาทั้งหลายคนที่คนเมากับคนบ้าไม่มีความต่างกันอ น, น, นถ้าถ้าสังเกตดูให้ดีๆเนี่ยไม่มีความต่างกันเลย เพราะฉะนั้นก็เป็นบุคคลที่น่าการุณาเป็นอย่างมากเลยแหละังนั้นการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั้นจึงเป็นมงคลเนี่ยนะทำให้ประไม่ประมาทไปดูในกลุ่มพระชาดกเนี่ยนะโอ้โหเป็นพูดถึงโทษของการดื่มสุราที่นับว่าดีเยี่ยมนะถ้าใครยังไม่อ่านก็ควรไปอ่านนะเชื่อว่ากลุ่มพระชาดกนะเรื่องเรื่องสุราเลยแหละเรื่องดื่มเหล้านี่แหละเกี่วกวัน้า กลุ่มเรียกว่าเป็นน้ําที่เรียกว่าเสียหายมหาศาลเลยนะสร้างความเสียหายในกุมพระชาดกนะไปอ่านเนี่ยเรื่องสูตรนี้ดีมากในในชาดกอนะนะไ ม, ไ, ไม่จำไม่ได้ว่าเล่มหกสิบสองหรือหกสิบเอดหรือหกสิสองอ่ะแถวๆนั้นน่ะอันนี้หกสิบเอดหกสิบสองเนี่ยสองเล่มเน่ะแถวนั้นนะเล่มอะไรคุณโชคดีว่าจําไม่ได้คุณโชคดีไปชอบใจมากอันนีอันนีชอบใจมากๆเดี๋ยวไปท่องไว้เลย บอกว่าคุณโชคดีไปเล่าให้ลูกน้องฟังบ้างนะเดี๋ยวลูกพี่จะเดือดร้อนชื่ว่ากุมพระชาดกก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะเพื่อนนางวิสาขาเนี่ยกินเหล้าเมาอ่ะห้าร้อยคนเนี่ยพอเมานี่ไปเมาในหน้าพระพุทธเจ้าด้วยนะก็เลยจะเต้นระบำให้พระพุทธเจ้าดูเลยเป็นเอามากขนาดนั้นนะท้าสุรามันเข้าแล้วแล้วก็ทำเหตุแท่งความเป็นบ้านะฟุ้งซ่าน แล้วก็การดื่มสุราเนี่ยนะผู้ที่มักเป็นนักดื่มมากๆนะเป็นคนที่หลงลืมค่อนข้างมากถ้าเทียบว่าคนเดียวกันเนี่ยนะดื่มกับไม่ดื่มเนี่ยถ้าเขาเดื่ม น, นะเขาหลงลืมมากเนีนะเป็นคนที่หลงลืมมากในในคนคนเดียวกันนะจะต้องไม่ไม่ต้องเอาไปเปรียบกับคนอื่นแต่ว่าในตัวของเขาเนี่ยถ้าเขาดื่มบ่อยๆดื่มมากๆนะคนเนี่ความจําเขาลดลงเยอะเนี่ยนะนั่นะก็ใครชาติต่อๆไปไม่อยากบ้าก็เลิกดื่มสุราและเมรัย แต่ว่าผลของการดื่มสุราเนี่ยนะก็มีความเป็นบ้าเป็นที่สุดอย่างว่าเลยนะอารมณ์หกอารมณ์ของข้อ น, นี้ก็คือร่าสารลมหรือโพธพารลมเนี่ยนะพวกนั้นนหะเพราะว่ามันทาวารลิ้นใช่ไหมเป็นเรียกว่าทั้งร่าสารมณ์ทั้งโพธพารลมมันนะเจตนาที่ดื่มตัวนั้นก็ได้ทั้งมุ่งจะดื่มร่าสารล์หรือมุ่งจะดื่มโพธพารมณ์เพราะเหล้าเนี่ยมันมีร่าสารมณ์อยู่ด้วย มีราสารลมบางคนก็ติดใจในรถของสุราเพราะสุราบางอย่างนี่มันหวานมากๆเลยหนะวานประดุดน้ำพึ่งจริงๆที่เรียกว่ากลุ่มเหล้าอะไรนะน้ำขาวใช่ไหมกลุ่มน้ำขาวนี่จะหวานมากนี่ต่อไปนะว่าอัออปปมาทโทจะทาเมโซนนะความไม่ประมาทนี่หมายถึงว่าผู้อยู่ไม่ปราศจากสติในกุศลธรรมทั้งหลาย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 ความประมาทคืออะไรคือทํากุศลเนี่ยนะกุศลคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยทําโดยไม่เคารพเจริญศีลสมาธิปัญญาก็ทําไม่แบบไม่ต่อเนื่องทําแบบไม่มั่นคงประพฤติแบบย่อหย่อนท่อฉันทะหมายาว่าไม่เต็มใจทําเลยฉันทะแปลว่าความเต็มใจใช่ไหมไม่มีฉันทะเลยทอฉันทะไม่เต็มใจเจริญศสกขา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 กุศลใดที่ทําก็สักแต่ว่าทําไปอย่างนั้นแหละนั่นนะเชื่อว่าความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายก็ตรงกันข้ามใช่ไหมตรงกันข้ามลักษณะก็คือกระทําในกุศลโดยความเคารพนั่ะเจริญศีลก็ทําโดยความเคารพอบรมสมถาวิปัสสนาก็ทําด้วยความเคารพทําก็ทําอย่างต่อเนื่องอนะให้กุศลศีลสมถาวิปัสสนาต่อเนื่องทําให้ศีลมั่นคงสมถาวิปัสสนามั่นคงยิ่งขึ้น ประพฤติศีลสมาธิวิปัสนาแบบไม่ย่อหย่อนเต็มใจในการประพฤติกระวมไม่ทอไม่ทอดฉันทะเลยไม่ทอดธุระคือเอาเป็นการเป็นงาน น, นะแล้วก็เสพเจริญทําให้มากตั้งใจประกอบเนืองๆในการอ บ, บรมกุศลลักษณะนี้เรียกว่าไม่ประมาทนั้นไม่ประมาทนิสมาทานให้ศีีละขันที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นตั้งไว้เลย ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อมุ่งอนุเคราะห์ให้สีละขันเหล่านั้นเจริญมั่นคงตั้งมั่นอยู่ยาวๆมากๆสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุติญาณรัศนาขันก็นยยเดียวกันตั้งไว้เพื่อจะรู้ยิ่งกำหนดรู้ละเจริญทำให้แจง้งเนี่ยนก็ในมหานิเทศท่านอธิบายไว้อย่างนั้นอันยกธรรมอธิบานี้ยกมาจากมหานิเทศ เพรา ะ, ะความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุกุศลนานับประการนนะถ้าไม่ประมาทอย่างเดียวนะสติประธานสีก็จักได้สมมติประธานสี่ก็จักได้อิทธิบาสีก็จักได้อินรีห้าพล่าหา้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองแปดสมถาวิปัสนาวิชาวิมุติได้หมดเลยขอให้ประไม่ประมาทเถอะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จกเกิดขึ้นและเป็นเหตุบรรลุอมะตะนิพพาน นะพระนิพานก็ไม่ไกลนะอันความไม่ประมาทนี้เป็นเหตุใกล้ต่อพระนิพานในข้อนั้นพึงระลึกถึงคําสอนของพระศ า, าสดาเป็นต้นอย่างนี้ว่าผู้ไม่ประมาทผู้มีความเพียรนะก็ไม่นานใช่ไหมจากสิ้นอาสวะหรือความไม่ประมาทเป็นอมะตะบทหมายว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายในอัปปมาทวะกนันนะอันถ้าใครต้องการดู เนื้อหาอย่างพิสดารก็ดูในอัปปมาทวักในคาถาธรรมบทเล่มที่สี่สิบนะเล่มสี่สิบอัปปมาทวรกมีเรื่องนางภาษามาวดีเป็นต้นนั้นก็เรื่องของความไม่ประมาทมีอยู่สิบเรื่องด้วยกันเนี่นะเล่มสี่สิบนะคาถาธรรมบทแล้วก็ความไม่ประมาทเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเป็นธรรมที่นิโครธ ส, สมัมมณีแสดงให้พระเจ้าโศกฟังนะแสดงให้พระเจ้าโศกฟังก็ อัปมาโทอมาตังปะปะทังปะมาโทมัจจุโนะปะทังเนี่ยนะความประมาทเป็นทางแห dynamics dynamics dynamics ่งความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยนะผู้ที่ไม่ประมาทชื่อว่าไม่ตายผู้ประมาทก็เหมือนกับคนตายแล้วเนี่ยนะอย่าปล่อยให้ผีเดินได้ก็แล้วกันก็เมื่อใดที่ประมาทก็อะไรเดินได้ก็ไม่ใช่มันจะว่ามนุษย์เพราะมนุษยธรรมไม่มีในตอนนั้นอนะจะเรียกว่ามนุษย์เดินได้ก็กรอยู่ ในคาถาดังกล่าวทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วอารตีวีรตีปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอปมาทโทจะทำเมสุเอตมังคลมุตตมังเนี่ยนะในคาถานี้มีอยู่สามมงคลนะมงคลที่แรกคืองดเว้นจากบาปสองการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาสความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเอตมังคามุตตะมังนั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญเนะ ถ้าประสงค์ความเจริญก็ปฏิบัติไปตามนี้แหละจากประสบความเจริญได้ไปกี่มงคลแล้วยี่สิบเอ็ดมงคลนแล้วนะยี่สิบเอดมงคลนนี่มาขึ้นมงคลที่ว่ามีค่ามากต่อการปฏิบัติก็คือคารโตจะนิวาโตจะนะสุดทิจักกะตันยูตากาเลนะธรรมสวนงังเอตัมมังคลมุตตะมังนี่มีอยู่ห้ามงคลด้วยกันนะหนึ่งคารโว คาระวะเคารพนคาระวะก็คารวะเคารพบ น, นเดงสองนิวาโตประพฤติถ่อมตนออนน้อมถ่อมตนอ่ะนะสามสันตุทีสันโดษสี่กระตัญญูห้าการฟังธรรมตามการก็กฟังธรรมตามสมัยเอตมังคลมุตมังแต่ละอย่างนี่เป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งนั้นเลยมาดูคำอธิบายในหน้า198กกล่าวว่าความเคารพการทำความเคารพ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 สุขติเลยบุคคลกระทาความเคารพผู้ที่ควรเคารพสการะผู้ที่ควรสการะนับถือผู้ที่ควรนับถือบูชาผู้ที่ควรบูชาตรงนี้นิ่ชี้ชัดเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปเคารพสิ่งที่ไม่ควรเคารพเข้าและยุ่งมากเลยนะที่ปัญหาตอนนี้ก็คือเคารพในสิ่งในผู้ที่ไม่ควรเคารพสการะผู้ที่ไม่ควรสักการะนับถือผู้ที่ไม่ควรนับถือบูชาผู้ที่ไม่ควรบูชาอันนี้มันอัปมงคลเนี่ย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 แต่ไม่ใช่เคารพทั่วไปหมดเลยนะใครจะว่าไงก็เชื่อเขาไปหมดเคารพทาตามหนักแน่นไปหมดอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเลยนะอยู่ถ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์บอกให้ทำยังไงแล้วทำตามนะไม่เสียหายแต่ถ้าไปเคารพไปนับถือผู้ที่ไม่ควรกก่การเคารพไปทำตามเขาบอกหมดเลยนะเสียหายอย่างมากเช่นไปเคารพนับถือมิจฉาทิฐิบุคคลเนี่ยนะ ถ้ายิ่งเชื่อมากทำตามมากเสียหายเท่านั้นแต่ถ้าไม่ทำตามยิ่งไม่ทำเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะมีอยู่นในปาสาที่กะสูตรเนี่ยแสดงไว้อย่างนั้นเลยว่าถ้ามิจฉาทิฏฐินะถ้ายิ่งไปทำตามเนี่ยยิ่งเสียหายเท่านั้นนะแต่ถ้าไม่ทำตามดีสัมมาทิฏฐิถ้าทำตามดีถ้าไม่ทำตามเสียหายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ศึกษายกแยกแยะให้ดีเพรันบุคคลที่ควรเคารพนับถือเป็นต้นเนี่ยจะต้องแยกแยะให้ดี ทีนี้เราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าบุคคลใดควรนับถือไม่ควรนับถือเอาอะไรเป็นเครื่องวัดง่ายๆย่อๆที่เราคุ้นเคยบ่อยมากนะเอาศีลเป็นเครื่องวัดหนึ่งนะศีลสองสมาธิสามปัญญาสี่วิมุตห้าวิมุตติยานัทสัศนะอย่างสิ่งนี้พระพุทธเจ้ามีบริบูรณ์ใช่ไหมสาวกก็มีโดยเอกเทศมีเป็นบางส่วนอันเราก็นับถือตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆ หรือเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าดูความพิสูจทั้งหลายธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมเจ็ดประการนี้เจ็ดประการเป็นไหนะถ้าใครไม่อยากเสื่อมนะให้เคารพเจ็ดอย่างนี้หนึ่งเป็นผู้มีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีความเคารพในศีขาห้ามีความเคารพในสมาธิ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 เสขาอีกนะไม่เคารพในอธิศิลเสขาที่จิตตะเสขาและอธิปัญญาเสขาไม่เจริญเสขาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนี่ต่อไปก็ไม่เคารพในอะไรสมาธินะก็ไม่เจริญสมาธิละเลยสมาธิไม่สนใจในความในกรรมฐานนี่เขาเรียกว่าขาดความเคารพเนี่ยนะไม่เจริญในาศาสนาหรอกแล้วต่อไปอีกไม่เคารพในความไม่ประมาทก็แสดงว่าประมาทมากใช่ไหม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 ก็บอกว่าเข้าไปในลานเจดีแล้วไม่ถอดรองเท้าเป็นต้นเรียกว่าคาร์ขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าฟังธรรมแบบตื่นบ้างหลับบ้างฟังอันนี้ก็เรียกว่าไม่เคารพในพระธรรมเห็นพระสงฆ์แล้วก็หึงพระต้องหลีกทางให้เป็นต้นเนี่ยนะนี่แหละก็เรียกว่าท่านว่าไม่เคารพในพระสงฆ์ศิขาสามก็มีบ้างขาดบ้างส่วนใหญ่ก็ขาดนี่แหละไม่เคารพในศิขาสมาธิไก่กระดิกหูงูแล็บลิ้นก็ไม่ค่อยเจริญอันนี้ก็ไม่เคารพใน สมาธิใช่ไหมไม่ประมาทในกุศลเนะีกุศลต่อเนื่องไหยเนี่ย น, นะปฏิสันถานเนี่ยอมิตรปฏิสันถานธรรมปฏิสันฐานอะไรมีบ้างล่ะก็ดูตามนั้นว่าควรไหมที่จะเจริญอัน น, นมงคลข้อ น, นี้ก็สําคัญ น, นะควรที่จะประพฤติให้ดีนะคารวะเจนะ็ดนะคารวะเจ็ดพระองค์ตรัสว่าเป็นอปริหานิยธรรมเป็นธนะรนราทามที่ไม่เสื่อมด้วยหานะแปลว่าเสื่อมนะอปริหานิยะก็แปลว่าธรรมที่ไม่เสื่อมเลยก็ พระผู้มีพระภาคสอนให้เจริญเมตตาเพื่อกำจัดโทสะท่านผู้ใดที่รังเกียจโทสะก็ให้อยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะเมตตาวิหารีเนี่ยนะให้อยู่ด้วยเมตตาเป็นไปกับเมตตาถ้าผู้ใดรังเกียจราคะก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในอสุภะกรรมฐานเช่นกายคตาสติเป็นต้นเนี่ยนะก็มาปรารบอสุภะทั้งที่มีวิญ ญ, ญาณครองและไม่มีวิญญาณครอง ถ้าใครรังเกียจความฟาุ้งซ่านอากุศลวิตกตรึกไปเรื่อยก็ให้เจริญอานาปานสตินถ้าใครผู้ที่มัวเมาอยู่ด้วยความประมาทก็ให้มันระลึกถึงมรณ า, านุสตินั้นพวกนี้ก็มันปรารบตามนั้นให้บ่อยๆมากๆก็ชื่อว่าเคารพในสมาธินไคือเราเนี่ยมันมันคิดอยู่แล้วแหละแต่มันคิดอะไรคิดไปตามอำนาจของอากุศ ล, ลวิตตกทั้งหลาย อันนั้นไม่ควรเพราะนิวร์มันกลุ่มรุมคิดเอากรรมฐานอะไรที่มาปรารบแล้วนิวรไม่กลุ่มรุมนั่นแหละเรียกว่าเคารพในสมาธิเพราะว่าผู้ที่ขาดสมาธิเนี่ยนิวรมันกลุ่มรุมนะแทนที่จะปล่อยให้นิวรณกลุ่มรุ ม, มก็ให้เป็นไปกับสมาธิให้เป็นไปกับกรรมฐานในการเจริญสมาธินั้นที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะต้องต้องมองว่าสมาธิเปรียบเหมือนยาลดอาการ เป็นยาลดอาการเนี่ยนะถ้าอาการของโทสะมันเกิดก็เมตตามาลดถ้าราคะเกิดก็อสุภะเป็นเครื่องลดเนี่ยนะแต่ถ้ากินยาสี่ห้าอย่างเนี่ยสลับกันตลอดเวลาไข้ไม่กำเริบเนี่ยนะก็ถ้าบริหารได้อย่างอย่างนี้ยาวๆอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นบาตรอย่างดีในการพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะมันก็เรียกว่าไม่เคารพใน อ, อภควายเรียกว่าเคารพในสมาธิแต่ใครไม่บริหารกรรมฐานแม้แต่ข้อเดียวเลย เรียกว่าไม่เคารพในสมาธิเลยใครบริหารกรรมฐานอะไรบ้างกรรมฐานมิหารีเนี่ยนะก็เป็นผู้อยู่ด้วยกรรมฐานไม่ใช่ว่าก็นี่ก็น่าคิดนะว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกรรมฐานเนี่ยนะก็นับว่าน่าเห็นใจเป็นอย่างมากเนนะมันมันขาดความเคารพในสมาธิเป็นอย่างยิ่งช่องโหวแรงเหลือเกินมันควรที่จะมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเป็นเครื่องประจําจิตเนี่ยนะเป็นมิตรประจําใจเลยนะไปที่ไหนก็ไปด้วยกรรมฐานเหล่านั้นนนั้จากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเจริญกรรมฐานไปเรื่อยเนี่ยนะ mm hmm. ก็ที่อากุศลวิตตกสมัยก่อนที่เราไม่ศึกษาพระธรรมใช่ไหมร้องเพลงได้ไปเรื่อยเพลงหนึ่งสู่เพลงหนึ่ ง, ง, นงวนเพลงซ้ําๆก็ร้องไปนั่นแหละทําไมทําได้ละ่ะแล้วกรรมฐานทําไมจะเจริญต่อเนื่องอย่างนั้นไม่ได้อาจารเกตเอากรรมฐานอะไรตกลง <c oughs> อ๋อไปเรื่อยๆนะ <c oughs> เก็บเงียบเลยไม่บอกเลยว่ากรรมฐานอะไรอนนี้ยมน ong ไงยมน ong กลับมาฐานอะไรฮะอ๋ออ๋ออยู่โดยเมตานะเมตตาวิหารีอะนนก็สมาทานเมตานะที่จริงนะเราควรจะเจริญเมตตาอย่างในห้องเรียนเรานะเป็นห้องที่น่าเจริญเมตตาได้เลยเจริญโดยไม่ยากด้วยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจริญเมตากับคนดีมันเจริญไม่ยากคิดแล้วไม่ค่อยมีโทสะอันนโทสะมันเกิดน้อยเพราะเมตานี่มันปฏิปักษโดยตรงต่อ ทโทสะมันคิดให้เขาได้รับความสุขความเจริญคิดไม่ยากใช่ไหมเราก็ไม่กล้าคิดบาปกับเขาด้วยเดี๋ยวบาปคิดกับคนมีศีลด้วยโทสะเดี๋ยวบาปมากใช่ไหมเราก็คิดให้คิดด้วยอำนาจเมตาน่าจะเจริญไม่ยากก็ลองฝึกเนี่ยนะอย่างในห้องเรียนเราเนี่ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีศีลทุกคนก็เป็นผู้มีศีลใช่ไหมเราคิดให้เขามีความสุขน่าจะเจริญไม่ยากเนีนะเจริญเมตานี่อยู่ไม่ยากนักแล้วก็ถ้าเจริญกรุณาเนี่ยนะ เต่เขอมาจะเจริญกรุณานี่จะง่ายในส่วนตรงนี้นะนึกคือคือทุกคนเข้าลำบากหมดเลยทุกคนเข้าเดือดร้อนกันหมดเนี่ยนะเขาเดือดร้อนอยังไงเดือดร้อนแม้กระทั่งว่าโดยรวมๆเหมอนะเกี่ยวกับการครองชีพการดํารงอยู่ของชีวิตเนี่ยไม่มีใครอยู่อย่างราบรื่นสะดวกสบายอน ะ, อนนะขนาดพระยังเดือดร้อนนะพวกอื่นไม่ต้องกล่าวถึงเหมือนกันเลย มันก็ทุกอย่างก็ลำบากเดือดร้อนกันหมดจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งหลายท่านมาฟังทำที่นี่ได้เนี่ยนะประโยคะอย่างเยี่ยมเลยนะวางแผนซ้อนแผนตั้งหลายแผนเนี่ยนะกว่าจะได้ฟังทำเนี่ยนะหลายหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าอยากจะมาแล้วมาพรดได้ทันทีอ่นะมีไม่กี่คนหรอกที่มีบุญบอกว่าแล้วแต่ใจของฉั้นอ่ะนะเอาเอาใจตัวเองเข้าว่าเนี่ยมีน้อยมากที่ที่จะมีบุญขนาดนั้นแต่โดยมากเนี่ยโอ้โหคิดแล้วคิดอีก ไปคุยกับคนอื่นเพราะว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลอื่นๆเป็นต้นเนี่ยนะก็ขอร้องขออนุญาตเขาแล้ววิธีขอร้องพูดขออนุญาตต้องหาเวลาหาจังหวะว่าเออนี่จะใช้คําไหนนะเขาจึงจะเห็นด้วยเขาจึงจะยอมเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มาฟังบางทีก็ต้องยอมไปทําอย่างอื่นเพื่อจะได้มีเวลาแบ่งเวลามาศึกษามาเรียนรู้นี่ก็นับว่าน่าเห็นใจยอย่างหนึ่งทีงนี้ฟังแล้วก็ ประธรรมทั้งหลายที่ฟังเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะจํากําหนดจดจําได้ทั้งหมดใช่ไหมถ้าไม่ว่าจะเข้าใจแล้วกลับไปก็จเจริญเอาจเจริญเอาก็ไม่ใช่กลับไปก็ยังยากอีกตามเดิมเนี่ยนะก็ก็เห็นว่าก็ลําบากจริงๆในด้านเฉพาะพาเวตประธรรมเนี่ยนะก็จะเจริญได้ไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้ก็น่าเห็นใจเป็นอย่างมากว่าเป็นกลุ่มทุกขาปฏิปทากัน น, นะเป็นพวกปฏิบัติลําบากกันนะ หรือใครไม่ปฏิบัติไม่ลำบากเลยไม่ยากเลยยกมือขึ้นะต่สมาจะโนมโมทนาด้วยจะมุทิตาด้วยแต่มีไหมไม่ลาบากเลยไม่ค่อยมีไม่มีใครกล้ายกมือเลยตรงนี้เป็นพวกเจริญกรรมฐานในอย่างต่อเนื่องเนียเสุขาปฏิปทาตารบกรรมฐานไหนก็ราบรื่นไปหมดเลยเนี่ยนะไม่ว่าอิริยาบถไหนกรรมฐานก็คล่องแคล่วไปหมดเลย ขนาดปุลคุณบุญชูว่าท่องพระสูตรได้ก็ยังตะกกตะกักบางทีก็ได้บังมาได้บังหรือนะหมั่นก็นี่แหละคือความน่าการุณาของเราทั้งหลายและอย่างหนึ่งน่าการุณาอีอย่างหนึ่งว่าชีวิตในการศึกษาพระธรรมของเราทั้งหลายช่วชีวิตก็มีไม่มากนะักถ้าเทียบกับไปทําอย่างอื่นห่อนะทั้งชีวิตเลยเนี่ยได้ศึกษาพระธรรมก็น้อยที่ได้ตรึกพระธรรมก็น้อยถ้าเราตรึกกุศลลวิตกเท่ากับอกุศลละวิตกในะชาตินี้น่าจะได้ดีสมมติว่าเกิดมามีอายุห้าสิบปีนะ รึกอกุศลวิตกยี่สบห้าปีกุศลวิตกยี่สิบห้าปีเนี่ยนะโอ้ได้ดีแน่ครึ่งต่อครึ่งเท่านั้นนะหรือแม้กระทั่งเกินกว่ากันนิดเดียวก็ได้ดีได้ครึ่งต่อครึ่งก็ยังดีแต่ทําได้ไหมล่ะไม่ได้อากุศลเอาไปกินซะส่วนใหญ่พวกการใช้สํานวนอะไรนะน้ําแก้วเดียวใช่ไหมน้ําแก้วเดียวไปไล่น้ําเสียตั้งเป็นสะบ่ใหญ่ อพอกุศลไม่เกิดเนี่ยนะแม้กระทั่งไอ้ของไม่มีกําลังก็มีมีกําลังไปหมดมีอํานาจมีบทบาทไปหมด ท, ทั้งทั้งที่เรียลแรงมันก็น้อยไม่มากหรอกนะาบาปกุศลเนี่ยมันเกิดมากก็จริงแต่มันไม่ค่อยมีอนุภาพอะไรหรอกนะถ้ามันมีอนุภาพเท่ากับปัญญานะสมมุติถ้าเราเจริญปัญญาให้มันมากเท่าโลภะนะวุฒิบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปนานแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเกิดไม่เท่านั่นแหละนี่ โลภ้ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยกําลังมันน้อยแต่ทีนี้เมื่อปัญญาไม่เกิดนะไอสิ่งน้อยๆ น, นี่แหละมันเลยผนึกกําลังขึ้นเส้นได้เส้นเล็กๆนะเส้นเดียวเนี่ยมันผูกๆใช่ไหมถ้าเอามาเป็นล้านเส้นแล้วมาดึงดูซิขาดไหมไม่ขาดแต่ทีนี้เอกพวกกิเลสทั้งหลายมันมันไม่ค่อยมีกําลังแต่ว่ามันอาศัยว่ามันเกิดบ่อยเกิดมากมันช่ำชองเป็นพิเศษเนี่ยนะมันก็เลยแข็งแรงมากเนี่ยนะก็เลยละยากทาลายยากจริงๆเนะี่ยบาปอากุศลเนี่ยเป็นเช่นนั้น แความเคารพในธรรมะทั้งเจประการดังกล่าวไปเนี่ยนะเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในศิขาเคารพในสมาธิเคารพในความไม่ประมาทและปฏิสันถานตัวที่สําคัญมากที่สุดก็เนื่องจากปฏิสันฐานโดยเฉพาะธรรมะปฏิสันฐานถือว่าเลิศ ก, กว่าปฏิสันฐานทั้งปวงทังการที่เราทั้งหลายได้พบปะ ก, กันแล้วมีการสนทนามีการฟังธรรมเนี่ยนะ ปฏิสันฐานถ้าตั้งอยู่ในความเคารพด้วยการปฏิสันฐานในธรรมความเจริญอย่างอื่นๆก็จกมีขึ้นชนะเช่นนะเห็นัท่านเจริญพุทธคุณไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะถ้าปฏิสันฐานกันในลักษณะนี้บ่อยๆใช่หมความเคารพในพระพุทธเจ้าจะมีขึ้นศึกษาพระธรรมคำสอนอะไรบ้าง น, นะศึกษาแล้วเป็นยังไงกุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นบ่อยไหมอลลกุศลลดลงไปไหม การสอบถามการลักษณะนี้บ่อยๆปฏิสันถานกันแบบนี้บ่อยๆจะยังอีกฝ่ายหนึ่งให้เจริญกุศลได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะะก็ธรรมะปฏิสันฐานเหล่านี้เราทั้งหลายควรจะมีไม่ใช่มาปฏิสันฐานกันด้วยมานะไม่แค่นั้นนะ <c oughs> นั้นนะยังไงก็สู้เราไม่ได้เราก็เก่งกระโคอีกอยู่ดีอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็โอ้ยเราเนี่ยนะมันโง่มันพูดตําหนิแต่ตัวเองบ้าง บางคนก็พูดแล้วก็ตําหนิผู้อื่นบางคนพูดแล้วก็ตําหนิตัวตนเองพวกนี้ก็เบียดเบียนตนแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นไม่ควรเป็นอย่างนั้นควรที่ว่าทําอย่างไรเนาะกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะได้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วจะได้เกิดได้อย่างบ่อยอย่างมากแล้วต่อเนื่องมุทิตาต่อผู้ที่เขาเจริญกุศลได้บ่อยได้มากแสดงความการุณาต่อผู้ที่กุศลไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะ แล้วก็อันนั้นแหละเป็นการปฏิสันฐานที่นำไปเพื่อประโยชน์และความสุขแล้วก็ความเคารพนี่นับว่าสำคัญมากนะนีผู้ที่มีสตินีและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ไปเกี่ยวข้องกับบุคคล น, นั้นเราก็จะมีอัธยาศัยที่จะเจริญสตินีด้วยแล้วก็ห่างๆคนที่ไม่ค่อยมีสติห่างตัวเองให้มากนะอย่าไปปกติสติหลงลืมแต่ไปให้คนมีสติฟังเราอย่างเดียวนี่มันคงไม่ไหวมั้งใช่ไหม ก็เราเนี่ยสติพูททานุสติก็ไม่ค่อยดีแต่เล่าแต่เรื่องตัวเองให้คนอื่นฟังก็ชักไม่ค่อยดีสักเท่าไรอันนั้นก็ให้คนที่เข้ามากไปด้วยสติเล่าให้ฟังก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เนี่ยนะทีนี้มาดูต่อไปถึงมงคลข้ออื่นๆเนี่ยนะมงคลข้อนี้นะจะทำให้ตั้งมั่นอยู่ในความเคารพได้ก็คือนิวาโตเรียกว่าความถ่อมตนเนี่ยนะความเป็นผู้มีใจลดต่าความเป็นผู้มีความประพฤติไม่ลำพอง ไม่เย่อหยิงไม่พยองไม่โอ้อวดนั่นแหละเรียกว่าถ่อมตนนิวาโตบุคคลผู้ประกอบด้วยความถ่อมตนอันใดกําจัดมานะได้กําจัดความกระด้างได้เป็นเสมือนผ้าเช็ดเท้าเสมอด้วยโคอุสะพะเขาข า, ขาดและเสมอด้วยงูที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วย่อมเป็นผู้ละเอียดอ่อนละมุนละไมพองแผ่ด้วยความสุขความเป็นผู้ถ่อมตนนี้เรียกว่านิวาตะนั่นนะก็เปรียบตนประดุดอะไร อุปมาณนะผ้าเช็ดเท้าหรือผ้ากี่ริว้วอย่างหนึ่งสองโคเขาขาดอะไรงูงูที่หมดเขี้ยวงูถอนเขี้ยวแล้วเนี่ยนะไม่มีเขี้ยวแล้วแลวก็อันนี้ก็เป็นข้ออุปมาไว้เตือนใจว่าผู้ที่ทำตนนั้นเป็นเช่นนั้นไม่เย่อหยิงไม่โอ้อวดไม่จองห้องไม่ไม่ลำพองเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ลำพองมากๆถ้าลำพองไปเท่าไหร่ก็จะข่มผู้อื่น เท่านั้นเดี๋ยวก็จะเหมือนกับนิทานในวัวกระอึง่งใช่ไหมมันจะเท่าไรเชียวเนี่ยนะเอ๊มีอึงอยู่ตัวหนึ่งอนะ่นนะนิทานทำไมเด็กๆกนะันนั้นยังอ่านนะจําได้กันหลายคนนะได้นะเราฟังคร่าวๆกว่อนนะเผื่อเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เคยได้ยินก็มีอึงตัวหนึ่งอันนะก็มีลูกอยู่หลายตัวด้วยกันมีวัวตัวหนึ่งก็เดินมาเคี้ยวหญ้าเละเล็มหญ้าผ่านไปก็ไปเหยียบลูกอึงตัวหนึ่งตายไป แม่เอิงโมไปหากินอยู่พอกลับมาลูกเอิงมันตายตัวหนึ่งก็เลยไปถามใ้ลูกเอิงที่เหลือว่าอ่านะนทําไมลูกเอิงตัวนี้ตายลูกเอิงก็บอกว่าโคมันเหยียบตายบอกโคมันใหญ่เท่าไหนบอกอู้ใหญ่มากแม่เอิงก็เลยเป่าลมให้มันเข้าข้างในแล้วก็ถามว่าใหญ่เท่านี้ใช่ไหมบอกอย่างแม่เอิงก็เลยพองไปเรื่อยพองไปเรื่อยท้องแตกตายซะก่อนเนี่ยนะยางมากอนะพองมันจะพองได้เท่าไหร่ก็เท่ากับปั้นเนะี่ย่างมาก เอองเอิงนะมันพองที่สุดในเท่าของบ้านถ้าเกินนี้แตกตายแล้ว น, นะแล้วถามว่าเท่ากับกีบโครหรือยัง น, น, นะนะแทบไม่ได้เท่ากีบโคนะจะกล่าวไปยัยถึงตัวโคเล่าเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่ลําพองมากๆ ก, ก, ก็สร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองกุศลใดที่ควรจะได้ทําก็ไม่มีโอกาสได้ทําเพราะความอํานาจของความลําพองเนี่ยนะอันนี้นนวาโตวความถามตนเนี่ยนะจึงนับว่าเกื้อกูลมาก แต่ที่สําคัญก็ไม่ใช่ไปถ่อมทั่วๆไปหมดใช่ไหมแต่คําว่าถ่อมตนเนี่ยไปถึงกับไปอะไรนะถ่อมตนกับหมูเดะหมูผู้ทูศีลเป็นตน้นนั้นก็ไม่น่าใช่แต่คําว่าความถ่อมตนก็คือไม่กระด้างกับผู้ที่มีคุณเนี่ยนะก็ในผู้ที่มีคุณเป็นต้นก็ระลึกถึงอ น, นะเปรียบเทียบตัวเองเอาไว้บ่อยๆว่าเสมือนกับผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดทุเรีโคเขาขาดงูที่ถูกถอนเขี้ยว ผู้ที่ปฏิบัติได้เยี่ยงนี้คือใครพระสารีบุตรเนี่ยนะจริงๆพระอรหันตุทุกท่านเป็นอย่างนั้นหมดแต่ว่าพระสารีบุตรเอามากล่าวก็เลยเด่นเนี่ยนะจริงๆแล้วพระอรหันตุทุกรูปเป็นอย่างนั้นหมดเลยพระอรหันตุทุกองค์จะไม่มกีการกระดัง่งนะไม่มีการเยื่อยิงไม่มีการจองหองไม่มีการลํำพองเพราะอะไรเพราะพระอรหันตุทั้งหลายหมดมานะแล้วถ้าจะลํำพองนี่เอาอะไรเป็นเครื่องลํำพอง เอาอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความเยอ่อหยิงเอาอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความมวเมาและมีมานะเนี่ยนะก็าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะก็เอาขันห้นาอวัยวะหน้าสิบสองเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความเยอ่อหยิ่งถือตัวเมื่อผ้าขันทั้งหลายท่านพิจารณาขันห้าโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปร äh ปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยท่านจะเอามาเปรียบไหม นะก็ไม่เอามาเปรียบก็เอาสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยกันมาเปรียบเอาสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอาโรคมาเปรียบกันหรือท่านก็ไม่เอาพวกนี้มาเป็นเครื่องแข่งกันนะนอกจากมีแต่ความเห็นใจกันนะนอกจากมีการกรุณาต่อกันเพราะะฉนนั้ผู้ที่ไม่ได้อบรมไม่ได้ทําปริญญาในอุปาทานขันท่าอุปาทานขันท่าเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งมานะเป็นที่ตั้งแห่งความเย่อหยิ่ง อันพระองค์ตรัสว่าผู้ที่สําคัญในกายแห่งตนแล้วดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจนั่นนะก็เอาทุกขสัจเป็นเครื่องเปรียบกันใช่ไหมโอ้ยแกนี่ใช้ไม่ได้แกนี่นักนักโทษชั้นต่ําชั้นนักโทษชั้นสูงใช่ไหมแกเนี่ยประหารใช้อาวุธชั้นเลวชั้นนี่สินะถูกเคี่ยนเหมือนกันสาว่านักโทษที่ถูกเขี่ยนเหมือนกันใช่ไหมบอกแกเนี่ยนักโทษชั้นต่ําแกใช้หวายชั้นเนีใช้โซ่ทองมาหวดชั้นดีไหม ก็มันก็ถูกตีเหมือนกันนั่นแหละนะจะเป็นใครก็ตามถ้ายังอยู่ในอุปาทานขันห้ามันก็เป็นอย่างงั้นนะนะมันก็บริหารเหมือนกันมันก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละบรรทัดที่เจรณาขันห้าทําปริญญาให้รอบครอบที่สุดก็ไม่รู้จะเอาขันตัวใดเป็นที่ตั้งแห่งมานะไม่รู้จะเอาขันใดเป็นที่ตั้งแห่งความเย่อหยิงเพราะขันทั้งหลายผ้าหันท่านถือว่าเสมอกับอะไรต้นไม้และใบหญ้าเนี่ยนะไม่มีความ แตกต่างจากต้นไม้และใบหญ้าเพราะไม่มีนิจจ า, าระเหมือนกันไม่มีสุขาสาระอตตะสาระเหมือนกันท่านจึงถ่มตนได้นะถ่มตนคือท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่แกล้งถ่มตนเพื่อให้คนยกย่องก็ไม่ใช่ไม่ได้ประสงค์เช่นนั้นแต่ท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยนะท่านกำจัดความมัวเมากำจัดความประมาท ก, กำจัดความเย่อหยิ่งกำจัดความลำพองได้อย่างแท้จริง ทั้นผู้ที่ถ่มตนบ่อยๆเนี่ยเป็นมงคลนะใครก็อยากคบหาสมาคมด้วยนะเพราะว่ามีบริวารเยอะมียศเยอะมีพวกมากนะเพราะว่าเขาเขามีความสุขนะแต่ถ้าคนเยอะยิงจองหองมากๆเนี่ยใครอยากคุยด้วยไหมก็ไม่ค่อยอยากมีคนคุยด้วยเพราะนั้นท่านบอกว่านี่วาตะความถ่มตนเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ได้เกียรติคุณมียศเป็นต้นยศก็คือมีพวกเยอะมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนมาก แต่ถ้าใครเย่อหยิงมากๆจองหองมากๆดูหมิ่นคนอื่นมากๆเพื่อนก็ลดลงไปแทบจะไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่มีใครอยากจะพูดถึงด้วยเพราะฉะนั้นความถ่อมตอนนั้นเป็นมงคลใช่ไหมทำให้มีเพื่อนมากมีบริวารมากแม้กระทั่งผู้ที่ทรงคุณทั้งหลายถ้าเวลาเขาจะสงเคราะห์เนี่ยนะสงเคราะห์คนเย่อหยิงก่อนหรือว่าสงเคราะห์คนที่ถ่อมตอนก่อนนะก็ถ่อมตอนนั้นบุคคลที่ถ่อมตอนก็ควรแก่การรับโอวาทและอนุสาสนี ถ้าเราเยอะหยิงมากๆนะพะตัตไตรปิฎกนะเปิดปั๊บเล่มนี้ก็รู้แล้วอู้เล่มนั้นก็อ่านแล้วเล่มนี้ก็ฟังแล้วอันนั้นก็รู้แล้วรู้ไปทุกเรื่องอ่ะนะเก่งหมดเลยไม่มีอะไรที่เขาไม่รู้อ่ะมีไม่ใช่น้อยใช่ไหมนั่นแหละแล้วได้ดีหรื อ, อยังยังกิเลสเหมือนเดิมเท่าเดิมดีไม่ดีก็โตกว่าเดิมอันนะ้กุศลก็ลดลงลดลงก็เพราะอะไรก็เพราะมานะขาดความถ่อมตนนั่นเองอ่ะนะทั้นความถ่อมตนเนี่ย ตั้งเอาไว้ให้ดีเธอเนี่ยนะเคารพแม้กระทั่งการศึกษาพระธรรมนสูตรไหนที่เราเคยอ่านมาแล้วเคยฟังมาแล้วถ้าเราเงี่ยโสดลงฟังให้ดีๆมานาสิกานโดยเย็บคลายเราจะเข้าใจกว่าเดิมอย่างมากพัน้าสังเกตดีๆศึกษาพระธรรมนานๆเนี่ยนะคำว่าสติแต่ละปีแต่ละปีก็กว้างขวางแตกต่างกันใช่ไหมพวกกั้นคําว่าสติคําว่าสัมปชัญญะแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็แตกต่างกันไปพราะัน้าเราถ่อมตนเนี่ยนะถ้าเรา ไม่เย่อหยิ่งจนเกินไปก็สามารถที่จะอบรมกุศลธรรมเหล่านี้ให้เจริญงอกงามได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความถ่อมตนนี้เป็นมงคลเนี่ยนะก็คงพักซะก่อนนะนนี่มาขึ้นมงคลที่ยี่สิบสี่เลยนะที่ผ่านมาได้ยี่สิบสามมงคลบูชาจะาบูชนิยานังนี่หมายถึงบุคคลใช่ไหมการบูชาบุคคลที่ควรบูชา แต่เคารพนั้นเคารพทั้งบุคคลและธรรมะนะะพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลที่ควรเคารพใช่ไหมแล้วธรรมะคือพระธรรมพระสงฆ์ศิคาสมาธิความไม่ประมาทปฏิสันถานเพราะฉะนั้นคำว่าความเคารพนั้นกว้างกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาแต่ก็คือตั้งอยู่ในความเคารพ ก, กับการทำการบูชานี่ก็กิริยาอาการก็คนละอย่าง เพราะว่าการบูชานั้นเน้นไปที่อาบิสบูชากับปฏิบัติบูบชาแต่ถ้าความเคารพล่ะความเคารพนั้นก็เป็นการมองอีกมุมหนึ่งของการบูชานั่นแหละถ้าจะว่าต่างก็ต่างจะว่าไม่ต่างก็ไม่ต่างนะแต่ว่าบางคนนั้นถ้าใช้คําว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเขาเข้าใจง่ายเอาไปเจริญเอาไปปฏิบัติได้บางคนนั้นถ้าใช้คําว่าความเคารพเขาก็ เข้าใจซึ่งผู้ที่บูชาเนี่ยบางคนอาจจะบูชาแต่ไม่บูชาด้วยความเคารพทําได้ไหมบูชาแบบไม่เคารพก็คือทําแบบขาดตกหล่นเป็นต้นเนี่ยนะทำแบบไม่ค่อยเครยารพยำเกรงมงคลทั้งสามสิแปดเหล่านี้เป็นมงคลที่เกี่ยวโยงกันประดุดเส้นอะไรดีที่ที่สัมพันธ์กันไปหมดเลยคือถ้ากระเทือนอันหนึ่งหรือไม่ดีอันหนึ่งบกพร่องอันหนึ่งทําอย่างอื่นให้บกพร่องไปด้วยในตัว หรือถ้าทํากุศลอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นมงคลได้ตั้งหลายอย่างอย่างเช่นกิจกรรมคือการฟังธรรมอย่างเดียวนะได้มงคลตั้งหลายอย่างขณะที่ฟังธรรมกุศ ล, ลจิตเกิดนะขณะนั้นไม่ครบผลพานขณะนั้นชื่อว่าครบบัณฑิตถ้าเราไม่เคารพผู้ที่แสดงเราหรือเราฟังได้ไหมก็ฟังไม่ได้ขณะนั้นได้อยู่ในปฏิรูปประเทศใช่ไหมใช่ น, น, นะแสดงว่าบุญเก่ามันให้ผลนะจึงได้ฟัง น, น, นะ ถ้าตั้งอัตตาซัพเพราะตั้งจิตเอาไว้ดีเพราะตั้งความปรารถนามาเพื่อฟังอันนั้นก็เป็นอัตตสัมมาต้นนี้ทีท่านกิจกรรมคือการฟังทรแค่อย่างเดียวเนี่ยนะด้วยกุศลจิตที่เกิดอย่างต่อเนื่องถ้าแสดงตามมงคลได้หลายมงคลมากเนี่ยนะกว่าจะได้กุศลธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นคือบุคคลมงคลชั้นสูงๆเนี่ยยิ่งต้องพึ่งพาอาศัยมงคลชั้นล่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าบุคคลชั้นล่างๆที่ผ่านมาไม่มี มงคลชั้นสูงๆก็เป็นอันไม่มีส่วนมงคลว่าด้วยสันโดษเนี่ยนะสันโดษนั้นหมายถึงความยินดีปัจจัยตามที่มีที่ได้นะสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้หมายความว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เนี่ยนะสันโดษนั้นถ้าแบ่งไปแล้วเนี่ยมีสิบสองอย่างคือสันโดษสามอย่างในปัจจัยสี่อย่างสามคูณสี่ก็เท่ากับสิบสอง สันโดษสามอย่างนั้นคืออะไรบ้างหนึ่งยะถาลาภาสันโดษสองยถาพละสันโดษสายถาสารุปปาสันโดษยถาลาภาลาภาแปลว่าลาบคือการได้ยถาก็แปลว่าตามสันโดษก็คือยินดีตามที่ได้ได้เท่าไหร่ก็ยินดีเท่านั้นอันนี้หมายถึงส่วนใหญ่ใช้กับเรื่องของปัจจัยสี่นะเกี่ยวกับเรื่องของผ้าที่อยู่อาศัย อาหารยารักษาโรคเพราะฉะนั้นยินดีสิ่งนี้ตามมีตามได้นะอุปบเช่นบินทบาทอย่างไรก็ยินดีตามที่ได้เป็นต้นเนี่ยนะสองยินดีตามกําลังเรียกว่ายาถาภละสันโดษสามยาถาสารุ ป, ปะสันโดษเรียกว่าสันโดษตามควรในสันโดษเหล่านี้เนี่ยนะก็คูณด้วยปัจจัยสี่ก็จะเป็นสันโดษสิบสองนะนเ จำง่ายๆว่าสันโดษตามได้หนึ่งสองสันโดษตามกําลังสามสันโดษตามความสมควรตามความเหมาะสมอีกชื่อนึงเรียกว่าตามสารูปก็ได้เนี่ยตามความเหมาะสมใช่ไหมตามสารูปนะสารูปปากก็คือสารูปนั่นแหละนะให้ให้ให้ดีให้เหมาะสมว่าตัวเองนั้นสมควรเช่นผ้าก็ควรจะใช้ผ้าแบบไหนอาหารควรจะฉันอาหารแบบไหนเป็นต้นเนี่ยนะก็หาความสมควรให้พบส่วนเกี่ยวกับรายละเอียดนี่ก็ ก็มาดูว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้จีวรดีหรือไม่ดีภิกษุนั้นก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวร น, นั้นเท่านั้นไม่ประสงจีวร อ, อื่นเมื่อได้ก็ไม่รับนี้ชื่อว่ายะถาลาพระสันโดษในจีวรอ่าโดยสาระของคำสอนเราควรฟังเพิ่มเติมไว้นิดหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาว่าท่านให้สันโดษในมหาพูดท่านไม่ให้สันโดษในกุศล ฟังให้ดีนะอย่าเอาไปปนกันถ้าปนกันนี่ยุ่งมากว่างันข้าพเจ้าปฏิบัติในสันโดษเพราะฉะนั้นยินดีแค่ศีลห้านี่แหละวังงั้นอันนี้ไม่ใช่สันโดษนั่น น, น่นะ น, นั่นไม่สันโดษเลยนะเพราะถ้าสันโดษจริงๆต้องอรหัตผลนั่นแหละนนะถ้าสันโดษในในอุทานน่นะในคัมภีรอุทานที่พระองค์แสดงคําว่าสันโดษตรงนั้นเนี่ยหมายถึงอรหัตผลจึงจะเรียกว่าสันโดษอย่างแท้จริงแต่อันนี้เรากําลังพูดถึงปัจจัยสี่อันะ จะเกี่ยวกับปัจจัยสี่นั้นก็ก็คือมหาพูดะนะท่านทำมหาพูดนี้ก็ยินดีตามที่ได้ก็พอนะ น, นะตามที่ได้ก็พอเช่นผ้าเนี่ยนะอย่างข้อต่อไปคือสันโดษตามกำลังเช่นว่าภิกษุอาพาดเมื่อห่มจีวรหนักย่อมต้องคลอมตัวลงหรือลำบากเธอจึงเปลี่ยนจีวรนั้นกับพิสูที่ชอบกันยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวรนั้นก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายาถาภะสันโดษ นะป่วยอย่างนี้นะคือผ้าเนี่ยเราต้องนึกผ้าแบบผ้าโบราณผ้าฝ้ายใช่ไหมผ้าขาดขาดแล้วเอามาตะปะปะตะ่อตกันเนี่ยถามว่ามันจะหนาสักขนาดไหนแล้วมาห่มเนี่ยนะมันก็นับว่าคือใช้เรี่ยวแรงใช้กําลังมากถ้าป่วยถ้าายุมากละ่ะใช้ผ้าแบบนั้นเนี่ยกําลังร่างกายบริหารไปไหวไหมก็ไม่ไหวเนี่ยนะก็ไปเปลี่ยนกับทิกสุตรที่ชอบพอกันไปเปลี่ยนกับผู้ที่เขายอมเปลี่ยนกับเราอ่ะนะก็ขอเปลี่ยน อ, อีกรูปหนึ่งได้ปัจจัยอันประณีตเธอได้จีวอนในบรรดาจีวอนชั้นดีเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีค่ามากคิดว่าจีวอนนี้เหมาะกับพระติระผู้บวชมานานหรือว่าเหมาะแก่พระพหูสูดจึงถวายแก่พระภิกษุเหล่านั้นตนเองก็เลือกเอาเศษผ้าจากกองขยะหรือจากที่ไรๆอื่นทําสังขารติครองก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นั่นเองอย่างนี้เรียกว่าสันโดษตามควรก็เช่นเป็นพระผู้น้อย ความรู้ก็ไม่มีแต่ใช้ปัจจัยสี่ชั้นยอดเนี่ยนะถามว่าเหมาะสมไหมนะคนตกงานแต่ว่าแม้กินอาหารทัตคารชั้นเลิศอย่างนี้ถามว่าดูดีไหมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่ก็ลักษณะเดียวกันใช่ไหมเป็นพระที่เรียกความรู้อะไรก่อใหม่มีศิคาอะไรก่อใหม่ทราบกรรมฐานก่อใหม่ค่อยมีเป็นต้นอะไรอะไรก็ไม่เป็นเลยนะแต่ใช้จีวรผ้าไหมอย่างดีอย่างนี้กระหวัดแต่ละอย่างนี่ใช้แต่ของชั้นเยี่ยมไปหมดเลยเนี่ยนะถามว่าดีไหม มันก็ไม่ดีเนี่ยนะก็หาความเหมาะสมให้พบว่าเราเนี่ยควรจะเหมาะสมแค่ไหนเนี่ยนะถ้าแบบภาษาไทยๆเรียกว่าตามสมควรแก่ฐานะนะนะถ้าเราียกใช้ข้าวของให้มันควรแก่ฐานะนั่นเองอนะว่าฐานะเราเป็นพระใหม่เป็นพระหนุ่มเน้อยควรจะใช้ผ้าชนิดใดที่มันเหมาะมสมเนี่ยนะเพราะว่าไปใช้ของบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะตัวเองดูเท่ใช่ไหมแต่ว่าคนอื่นเขาดูแล้วมันน่ารําคาญ คนอื่นเขาไม่อนุโมทนาด้วยเขาขาดมุทิตาด้วยซ้ําไปถ้าใช้ของที่ไม่เหมาะสมยังมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้ผ้าชั้นโลดชั้นเยี่ยมเลยนะเขาก็ปรึกษากันว่าเราควรจะถวายผ้านี้กับใครก็ปรึกษากันไปปรึกษากันมาบอกควรแก่พระเทวทัตเพราะว่าพระเทวทัตท่านอยู่ประจำก็เลยถวายพระเทวทัตพระภิกษุท่านก็มาโพธท น, นาว่าผ้าอย่างนี้พระเทวทัตไม่ควรใช้หรอกะผ้าแบบนี้เหมาะกับภาษารีบุตรเป็นต้นมากกว่า แต่นี้ก็เห็นว่าบางอย่างเนี่ยถ้าใช้แล้วแทนที่คนอื่นเขาจะยินดีชื่นชมใช่ไหมเขากลับตำหนิดูหมิ่นด้วยซ้าไปอันความเหมาะสมนี่ก็นับว่าสาคัญทีนี้ต่อไปว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเลยนะพิ่สุในธรรมวินัยนี้ได้บิณฑบาตตอนหรือประนีตแล้วก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยบิณฑบาตนั้นไม่ประสงค์บิณฑบาตอื่นแม้เมื่อได้ก็ไม่รับนี้ชื่อว่ายะาลาภาสันโดษ ในบินทบาทของพิสูจน์นั้นคือบินทบาทอย่างไรก็ฉันไปอย่างนั้นนั่นแหละอันหนึ่งเราพิสูจอาพาธฉันบิณทบาทเศร้าหมองโรคจากกาเริบหนักเธอจึงถวายบินทบาทนั้นแก่พิสูจนที่ชอบกันฉันเนยสายน้ําเพึ่งและนมสดเป็นต้นจากมือของพิสูจน์นั้นเ ม, มทำสมณะรมอยู่ก็ยังเป็นผู้สันโดษนี้เป็นยถาภะสันโดษในบินทบาทของพิสูจนั้นสังเกตนะท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสัปปายะมาก ตอนถ้าอาหารบางอย่างมันไม่สปายะอนะถึงจะสันโดดในอาหารก็จริงอยู่ถ้าไม่สปายะนี่ก็กลายเป็นว่ารักษาเรื่องอาหารรักษารูปแบบเน้นรักษามหาพูดใช่ไหมไม่ได้รักษาสมณธรรมมันในคําสอนให้ความสําคัญกับสมณธรรมว่าบริโภคอาหารเช่นใดแล้วประพฤติสมณธรรมได้อันนั้นต์แหละสาคัญนะสำคั ญ, คญอะไรที่ไม่เกื้อกูลต่อการประพฤติสมณธรรมท่านก็ตําหนิสมณธรรมคืออะไร สมณธรรมเป็นชื่อของไตรสิกขาเรียกว่าสมณธรรมนั้นเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาผลของสมณธรรมเรียกว่าสามัญญผลผลของสมณธรรมเรียกว่าสามัญญผลได้แก่อริยผลสี่ประการนนั้ผู้ประพฤติสมณธรรมก็คือประพฤติอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาผลแห่งสิกขาเหล่านี้เรียกว่าสามัญญผลหรืออริยผล ภิกษุอีกรูปหนึ่งได้บินทบาทอันประณีตเธอคิดว่าบินทบาทนี้เหมาะแก่พระเถระผู้บวชมานานและแม้แก่สัพพรมารีอื่นผู้เว้นบินทบาทอันประณีตเสียก็ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้จึงได้ถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นตนเองเที่ยวบินทบาทแม้ฉันอาหารที่ปนกันก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายถาสารุ ป, ปะสันโดษสันโดษตามควรในอาหารบินทบาทเหล่านั้นนะว่าเราควรบริโภคอาหารเช่นไร อาหารเช่นนี้เนี่ยบางทีก็เห็นใช่ไหมว่าอาหารนี่คนนั้นเข้าส ป, ปายะเข้ามากเราก็เอาไปถวายท่านซะเราก็เอาอาหารของท่านเพราะเราฉันยังไงก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ดีนะีนะ่ยคือบางคนนั้นบริโภคอาหารอย่างไรก็ส ป, ปายะนะี่ยบริโภคข้าวเหนียวก็ส ป, ปายะเ<ๆ>ข้าเจ้าก็สัปายะบางคนไม่ได้เลยข้าวเหนียวก็ไม่ย่อยอืดทั้งวันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็หาส ป, ปายะให้เจอบางคนเจอเข้าเจ้าไม่ได้เลยนะฉันแป๊บเดียวหิวอีกแล้วว่างั้นต้องข้าวเหนียวจริงกับส ป, ปายะเนี่ยนะ แม่กระทั่งข้าวข้าวทั้งหลายนี่ก็แล้วแต่ถิ่นเหมือนกันนะถ้าถิ่นเนื้อก็ถิ่นอีสานนี่ติดเข้าติดเข้าเหนียวกันส่วนใหญ่ถ้าถิ่นภาคกลางนี่ก็เป็นข้าวเจ้าซะส่วนใหญ่เพราะมาเป็นคนภาคอีสานแต่ติดเข้าเจ้าอย่างนี้มันก็เลยลำบากมากอันนี้เรียกว่ามคืออันนี้ไม่ได้พูดว่าให้ใสเข้าเจ้านะแต่เล่าให้ฟังว่าเอสปายะของแต่ละคนเนี่จะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยฉันเข้าเจ้าแล้วก็ มันหิวอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าเหมือนกับไม่ได้ฉันอะไรเลยพระอะไรรูปท่านเล่าให้ฟังอย่างนั้นนั้นสปายะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันส่วนเกี่ยวกับเรื่องเสนาสะนะเนี่ยนะเรื่องเสนาสะนะว่าพิสุมาถึงเออเขาว่าเสนาสะนะมาถึงมาถึงพิสุในธรรมวินัยนี้เธอก็สันโดดด้วยเสนาสะนะนั้นนั่นแหละไม่ยอมรับเสนาสะนะอื่นแม้ดีกว่ามาที่มาถึงอีกก็ก็ไม่ยอมรับอันนี้เรียกว่ายถาลาพระสันโดษ คือพระภิกษุในสมัยก่อนโดยมากเนี่ยท่านจัดเสนาสนะให้ตามลําดับพรรษาว่าพรรษาสมมติว่ามีกุฏิอยู่สิบหลังเนี่ยนะก็จะบอกว่า อ, อ, องค์ที่มีพรรษาสิบจะอยู่กุฏิชั้นดีชั้นที่หนึ่งเลยนะพรรษารองมาก็จะไล่กุฏิอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีพระพรรษาสิบเอ็ดมาพรรษาที่สิบต้องลดตําแหน่งลงนะองค์ที่สิบเอ็ดจะไปอยู่กุฏิชั้นดี ถ้ามีองค์พรรษาสบสองมาปรับองค์ที่ภรรษานั้นจะต้องลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้ามีหนึ่งห้องออขออภัยมีหลังเดียวแต่มีหลายรูปแหะก็บัิหารชั่วโมงกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะเขาก็มีระบบทางพระวินยัยจัดการเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะถ้าเป็นบริหารของสงฆ์จะต้องเป็นอย่างนั้นนะพ้นถ้าได้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไปบางทีเนี่ยพระบวชใหม่เข้ามาเนี่ยนะ ถึงจะเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์ดีไม่ดีบวชเข้ามาโน่นได้กุฏิปอนปอนนั่นแหละอยู่ก็ถือว่าเขาถือพรรษาเป็นหลักเนี่ยนะทางพระวินัยถือเอาพรรษาเป็นหลักอ่านะเรียกว่าความเจริญทางอายุการบวชเป็นประมาณมันก็ได้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นแหละบางทีก็ได้กุฏิมอซอกุฏิใกล้ผีอย่างเงี้ยนะกุฏิฟ้าลงก็อยู่ไปเลยห้ามบนก็นแล้วกันเนี่ยนะแต่นอนไม่หลับก็ต้องไม่ส ป, ปายะจริงๆก็ขอเปลี่ยนเอาข้าก็ไม่ว่าอะไรนะก็จะเข้าอันอื่นต่อไป ว่าอันหนึ่งเล่าภิกสุอาพาตอยู่ในเสนาสนะที่อับลมย่อมทุรนทุรายอย่างเลือเกินเสนาสนะอับลมนะมันคือมันชื้นมากๆเลยนะลมก็ไม่ผ่านแล้วก็ชื้นแล้วก็อับโรคดีเป็นต้นก็เลยถวายเสนาสนะแก่พิสุที่ชอบกันแล้วอยู่ในเสนาสนะอันเย็นมีลมที่ถึงแก่พิสุนั้นแม้ทสมมาสมณะธรรมก็ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่า ยะถาภะสันโดษก็เสนาสนะที่อับลมเนี่ยนะอับลมด้วยถ้ายิ่งอบอ้าวด้วยร้อนด้วยแล้วก็ชื้นด้วยเป็นครั้งคราวเนี่ยนะส่วนใหญ่อยู่ไม่นานก็ป่วยเนี่ยนะก็ป่วยเพราะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะนี่ก็ศึกษาให้ดีนะถ้ายิ่งในยุคหลังเนี่ยถ้าใช้ไม้อัดทำด้วยแล้วก็มันมันไม่มมธรรมดาใช่ไหมมันขึ้นร้ายต่างหากเนนะมันจะอับลมด้วยขึ้นร้าด้วยร้อ น, นวนกวนกระวายไปทั้งหมดเลย นั้นก็เกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะก็หาสปายะให้เจอว่าแค่ไหนจึงจากสปายะเพราะว่าสันโดษกับสปายะนั้นควรจะมาคู่กันไม่ใช่รักษาแต่สันโดษจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นสปายะไม่สปายะบวชเข้ามาเลยบวชมารักษาเสนาสนะว่างั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่จุดประสงค์ใช่ไหมเพราะจุดประสงค์ของการบวชมาเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมเสนาสนะใดที่เกื้อกูลต่อการประพฤติสมณธรรมก็คาถาเลือกสันเอาเสนาสนะ เช่นนั้นถ้าไม่สปายะนะที่อื่นบอกเลยว่ารู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนอย่าไปอะไรอาวุนเลยอย่เป็นผีเป็นจริงจกตุกแกเฝ้าเสนาสนะอันนั้นจะลาบากเองส่วนอีกรูปหนึ่งไม่ยอมรับเสนาสนะที่ดีแม้มาถึงคิดว่าเสนาสนะดีเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อพิสูจน์นั่งอยู่ในเสนาสนะนั้นถีนามิทาย่อมครอบงาําเมื่อหลับแล้วตื่นขึ้นมาอีกการมวิต ก, ก็ฟุ้งขึ้นเธอจึงปฏิเสธเสนาสนะเช่นนั้นเสีย อยู่ในที่แจ้งโคนไม้และกุฏิมุงบังด้วยใบไม้ไม้นี้ก็กุฏิตองตึงกุฏิหญ้าคาเป็นต้นเนี่ยนะแห่งใดแห่งหนึ่งก็ยังเป็นผู้สันโดษนี้ชื่อว่ายถาสารุปปะสันโดษเนี่ยนะก็ไปอยู่กุฏิเสนาสนะแมงโอ้โหหนะ้าหลังแบบนี้ต้องเป็นพระรหั า, หารแล้วจึงจะสมควรอยู่อย่างั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีกิเลสไปอยู่กุฏิแบบนี้เข้าอากุศลวิตตกเป็นต้นก็จับกลุ่มรลมพังก็คัดสันให้เป็นไม่งั้นก็นอนฟุ้งซ่านทั้งคืนไม่ได้การได้งาน บางรูปเนี่ยนะไปเห็นบ้านเห็นกุฏิเนี่ยนะเห็นปั๊บเนี่ยคิดแต่เรื่องสร้างกุฏิอย่างเดียวเลยนะออกแบบออกแปลนตั้งหลายแบบหลายแปลนเนีน่ยนะกว่าจะสว่างก็สร้างกุฏิได้หลายหลังเลยในความคิดอย่างเงี้ยนี้ก็ใช้ไม่ได้นะมีนะพวกอะไวิศวะเก่ายัางไงมาบวชไม่ทราบสถาปนิกเก่ายังไงไม่ทราบบวชเข้ามาคิดแต่เรื่องสร้างกุฏินั่นแหละพอเห็นแบบกุฏิคิดแต่เรื่องกุฏินั่งเขียนแปลนในความคิดได้เป็นหลายหลังเลยแหละคืนหนึ่ง ไปอยู่หลังไหมก็ไปยุกประดับตกแต่งนี่นะหน้าต่างเขตัดตรงนี้ติดตรงนั้นนะก็ น, นั่นแหละท่านหนักๆเข้าไม่ค่อยถือแล้วบริขารถือโมน้นพวกคอนพวกเลื่อยนะนะั่นแหละก็เลยตัดขยะนบางองค์นี่ขยันจริงๆนะหลึกดึนเที่ยงคืนแล้วยังไม่เลิกทําำนะตีข้อปงเป่งปงเป่งทําอยู่นั่นแหละทําเสร็จอ้ายกุฏิไปอยู่หลังไหม่อีกลังนี้ก็น่าทําก็ทําอยู่อย่างนั้นนะสมณะธรรมก็เลยไม่ได้เป็นอันเรียนอันศึกษาเลย นี่บวชไปนานๆนกน็เยอะแต่พรรษานะความรู้ก็ไม่มีอะไรก็นี่แหละถ้าหากว่าไม่รู้จักสันโดษในเสนาสนะก็เป็นเช่นนั้นแหละกลายเป็นว่าบวชมารักษาเสนาสนะสมถาวิปัสสนาก็ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําคสอนก็ไม่เป็นอย่างในยุคนี้ก็มีเยอะมากพระภิสุที่บวชเข้ามาแล้วถือเอาการก่อสร้างเป็นเป็นศึกขาว่างั้นเถอะเป็นเป็นข้อศึกษาเป็นข้อที่จะต้องปฏิบัติบางทีตื่นแต่ดึกเพื่อมาก่อสร้างเลยนะ ผสมปูนตั้งดึกๆก่อสร้างเองเลยนะอะไรเองเลยเนี่ยจะยิ่งนายช่างเก่ามาบวชด้วยก็ไม่ต้องอะไรกันแล้วเห็นไหมโยมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีช่างคนหนึ่งบวชใช่ไหมสร้างถนนทั้งพรรษาเลยแบบนั้นก็เลยแทนที่จะได้บําเพ็ญสมณธรรมก็ไม่ได้รับได้แต่ได้ถนนนั่นแหละเป็นสายๆเลยคุณหมอเล่าว่าปีนั้นก็มีนายช่างบวชเข้ามาใช่ไหมก็นายช่างก็เลยพาทํางานทั้งพรรษาเลยแบบนั้นไม่ค่อยสัปายะศักเท่าไหร่นะ ก็นี่แหละมันเป็นเช่นนี้แหละนะก็หนักๆเข้าก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระและไม่ใช่สาระหนักๆเข้ามานัง่งแต่งแต่มหาพูดอย่างเดียวแต่งเสร็จไม่นานเดี๋ยวก็ผูดเดียวก็พังแล้วนะแล้วก็พยายามแต่งสมณธรรมเธอควรที่จะแต่งตรสิกขาอย่าไปให้ค่าให้ความสําคัญในปัจจัยสี่จนเกินไปพระศาสนาเรานี่ไม่ใช่ไม่ให้ความสําคัญกับปัจจัยสี่โดยสิ้นเชิงแต่ให้สมควรแก่สัพายะก็เพียงพอเพราะว่า สาระจริงๆไม่ได้อยู่ที่มหาพูดอยู่ที่สมณธรรมเนี่ยนะอยู่ที่ไตรสิกขาที่เหมาะที่สมอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่จะต้องเจริญจะต้องบําเพ็ญจะต้องปฏิบัตินี่มาดูเกี่ยวกับเรื่องเภสัชบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องอยู่เรื่องยาว่าอันหนึ่งทิกสูในธรรมวินัยนี้ได้เพสัชไม่ว่าจะเป็นผลสมอหรือมะขามป้อมเธอก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยเพสัชนั้นไม่ประสงค์เภสัชอย่างอื่นมีเนยใสยน้ําเพึ่งน้ําอ้อยเป็นต้นที่ได้แล้ว แม้เมื่อได้ก็ไม่รับนี้ชื่อว่ายาถาลาภาสันโดษในยาคีลานะแปลว่ายานู่นนะนั้นก็ได้อะไรก็ใช้ไปตามนั้นไปอันหนึ่งพิสุอาพาต้องการน้ํามันแต่ได้น้ําอ้อยเธอก็ถวายน้ําอ้อยแก่พิสุที่ชอบกันแต่ทํายาด้วยน้ํามันจากมือของพิสุนั้นแม่แม้กระทําสมณธรรมก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายาถาภะสันโดษในคีลานปจาัจจัย ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ไม่ชอบน้ำอ้อยเนี่ยนะน้ำอ้อยนี่เป็นอาสปายะแต่น้ำมันเป็นสปายะก็เอาน้ำอ้อยไปแลกน้ำมันนะนะหรือมีน้ำมันไปแลกเนยใสเป็นต้นก็แลกกับเพื่อนพระพิสูดด้วยกันได้นะแต่ถ้าไปแลกกับคารวาสนี่ต้องใช้สมณโวหารจึงจับได้คืออาตมามีน้ำอ้อยอะแต่ไม่ต้องการน้ำอ้อยต้องการน้ำมันนายโยมเข้าใจบอกโยมก็มีน้ำมันแต่ไม่ต้องการน้ำมันต้องการน้ำอ้อยนะแล้วเขาก็อ่ะผมถวายอันนี้ผมเอาอันนั้นถ้าอย่างนี้ได้ แต่เรบอกเรามาแลกกันมาไม่ได้แลกไม่ได้ซื้อค้าก็ไม่ได้นั่นนะก็สมณะโวหารนี่ก็สําคัญนะ ถ, ถ้าไม่ศึกษาคือวัตถุประสงค์ตามเดิมเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมณะโวหารเนี่ยบางทีก็ไม่ผิดถ้าไม่ใช่สมณะโวหารก็ผิด อ, อย่างตัวอย่างเช่นว่ามีพระพิสูรรูปหนึ่งมีวิยา ว, วัชกรเนี่ยดูแลอยู่นะต้องการอะไรก็ได้งั้ก็บอกเขา บอกโยมไปเสื้อนั้นให้อตัตมาหน่อยอยังงี้ไม่ได้แต่บอกว่าอาตัตมาต้องการสิ่งนั้นอ่ะถ้าอย่างงี้จได้ก็อยู่ที่การใช้คำนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องศีลบางส่วนก็อยู่ที่การใช้คําเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ใบหญ้าก็เหมือนกันนะบอกว่าโยมตัดต้นไม้ต้นนี้ทีนี่ไม่ได้แต่บอกโอ้ต้นไม้ต้นนี้เกะกะ ม, มากถ้าเอาตรงนี้ออกจะดีมากอย่างงี้ น, นะก็อันนี้ก็เรียบร้อยละก็อยู่ที่การใช้คํำล่ะมั้นคือคือพระวินัยบัญญัติเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์บัญญัติขึ้นเนี่ยนะเป็นพระบัญญัติ แต่ถามว่าถ้าไม่ทําเช่นนี้นะ่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างสมมติว่าเรื่องขุดดินก็เหมือนกันบอกว่าพระเนี่ยใช้ให้เขาโยมขุดดินตรงนี้หน่อยผิดนะแต่บอกขุดลุมทีอา้าวบอกให้ขุดลุมไม่ได้ขุดดินนี่ได้ไหมเอาก็ไม่ได้บอกให้ขุดดินนะคือคืออยู่ที่ความเข้าใจจริงๆในพระวินัยเนี่ยนะเขาถ้ามีความเข้าใจก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกก็สา ม, มารถรักษาได้ แต่ถ้าไม่เข้าใจวิธีการไม่เข้าใจอะไรนี่ก็ไม่สามารถจะรักษาพระวินัยได้พระวินัยนี่ก็ต้องอาศัยปัญญานะ่าจึงจะรักษาได้ส่วนเกี่ยวกับยะถาภะละสันโดษว่าภิกษุอาพาธต้องการน้ํามันแต่ได้น้ําอ้อยเธอก็ถวายน้ําอ้อยภิกษุที่ชอบพอกันแล้วก็เปลี่ยนกันดังกล่าวไปนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็เปลี่ยนกับคารวะาดังกล่าวไปก็ต้องระวังนะนะต้องใช้สมณะโวหารให้เป็นเนี่ยแม้กระทั่งเปลี่ยนกับแม่ยังไม่ได้เลย จะกล่าวไปใหญ่ถึงคนอื่นคือถ้าใช้คำว่าเปลี่ยนนะบอกว่ายมแม่เออตั้มาขอเธออันนั้นแล้วก็ให้อันนี้ยมแม่ไปถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่แม่เราเปลี่ยนกันไหมอันนี้ไม่ได้ถ้าเปลี่ยนกันจริงๆรนี่เป็นอบัตนะของนั้นเป็นนิสกีเลยนะเป็นอบัตปัจจิตีบางนั้นยแล้วก็มีเกี่ยวกับซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ถ้าได้ไปแล้วก็ทุกครั้งที่ใช้ก็เป็นอบัตทุกครั้งที่ใช้ไปเล ย, เ, ยนะเกี่ยวกับเรื่องการสันโดษนี่เป็นอย่างว่า เกือกูลต่อการบาเพ็ญสมณธรรมอันที่จริงถ้ากล่าวตามเนติปรกรณ์เนี่ยสันโดษอยู่ในระถาวัฏุ10ิบใช่ั้ยเรื่องที่ควรพูด10ประการคือเรื่องหนึ่งมักน้อยสองสันโดษ 3. ไม่คลุกคลี 4. วิเวก 5. ปรารบความเพียรสีนนะสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะ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 เรียกว่ายาดองอะบางท่านเถอะเมื่อถูกเพื่อนพี่สูบอกว่าท่านต้องการสิ่งใดก็ถือเอาสิ่งนั้นเถิดถ้าว่าอาพาธของพิ่สูนั้นระ ง, งับไปด้วยสมอดองน้ำมูดเน่าและของรสอร่อยทั้งสองอย่างใดยอย่างหนึ่งใชยเมื่อเป็นดังนั้นเธอคิดว่าธรรมดาสมอดองด้วยมูดเน่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญแล้วและพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าบรรตาชาอาศัยมูดเน่าเป็นเพสัช นะถ้าอย่างอื่นเลยสายในยคนน้ำมันน้ำพึ้งน้ําอ้อยชื่อว่าลาบเหลือเฟือนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ทําความอุตสาหะในมูดเน่าเป็นเพสัตนั้นจนตลอดชีวิตปฏิเสธของมีรสอร่อยเป็นเพสัชนะนะคือในอนุศาสตร์แปดเนี่ยอนุสาสตร์แปดเนี่ยก็คือห้าเป็นข้อห้ามสี่เช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องประราชิกสี่เนี่ยนะก็ห้ามบอกตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปัจใจสีวา จีวรเนี่ยนะให้ถือเอาผ้าบางสกุลเป็นต้นแต่ถ้ามีเขาถวายพวกสมณะบริขารชื่อว่าอดีเรกลาบแปลว่าลาบเหลือเฟอือเพราะฉะนั้นถึงไม่มีใครถวายก็เพึงอุตสาหะโน้นไปหาเก็บเอาเศษผ้ามาปะเย็บยอเอ่อเย็บปฏิปต่อเพื่อจะนุ่งจะห่มเธอถ้าเขามีเขาถวายก็ชื่อว่าเป็นอดีเกรกลาบแปลว่าลาบเหลือเฟอือส่วนบินธบาดก็ได้มาจากปลีแค่ปลีแข่งนะแต่ถ้ามีคนถวายก็ชื่อว่าลาบเหลือเฟอือ ที่อยู่อาศัยก็ให้ถือโคนไม้ถ้ามีใครให้กุฏิก็ถือว่าลาบเหลือเฟือถือว่าอดิเรกลาบยุกยาทั้งหลายถ้าป่วยไข้ก็น้ำเอ่อสมอดองกับน้ํามูดก็นับว่าเป็นยาเพสัชก็เพียงพอแล้วแต่ถ้ามีเนยใส่ในคข้นเป็นต้นก็ชื่อว่าลาบเหลือเฟือว่างั้นเป็นอดิเรกลาบอดิเรกลาบเนี่ยแปลว่าเป็นการได้ที่เหลือเฟือว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้า ผู้ที่ตั้งอยู่ในสมณธรรมตามอนุสาสตร์ที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่างนั้นก็ชีวิตสมณนเพศก็ไม่น่ามีปัญหาเนี่ยนะปราลบไว้เลยว่าถ้านุ่งผ้าเนี่ยนะอย่างยุคนี้เนี่ยเป็นสมัยที่เรียกว่าอุ้ยผ้าอะไรจะมากเท่ายุคนี้ไม่มีอีกแล้วพระพิสูธาลเนี่ยผ้าเยอะจริงๆเนี่ยนะบางทีถ้าบางแห่งเนี่ยนะก็เก็บเอาไว้จนเก่าจะได้เอาไปทิ้งได้อย่าไปทิ้งเลยก็เกรงใจเขาเอเก็บเอาไว้เก่านะก็ไม่มีใครใช้อะนะ จริงๆแล้วพระพิสูจน์เนี่ยปีหนึ่งย่างมากก็ใช้ไม่เกินสองผืนสองผืนนี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะเพราะมันก็สีเดิมๆอ่ะนะมันจะไม่ได้เป็นออกสีนั่นแต่งสีนี่มันก็ไม่มีมันก็สีเดิมๆถ้าใช้ปีหนึ่งสองผืนนี่ถือว่าเปลืองมากแล้วนะเพราะฉะนั้นบางทีห้าปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ห้าปีนี่รับห้าสิบครั้งอะ่ะควรจะเอาผ้านั้นไปทําอะไรนะไปให้คนอื่นคนอื่นเขาก็มีพอๆกันไปเกือบหมดอย่างเงี้ยนะทำไงก็เก็บเอาไว้จนกว่ามันจะเก่าแมลงสาบกัดดดบบ้้้้าาางงงออะไรอะไปรปทิ แล้วยงังภาพไม่ได้ใช้ด้วยก็โอ้เก็บเอาไว้ทิ้งอย่างเดียวบางแห่งเนี่ยนะวัดมีพระอยู่สามรูปแต่ผ้าเป็นโกดังเลยเนี่ยนะภาพมากกว่าหีบที่บ้านโยมอีกกว่าอนกันเก็บไว้จนเก่าแล้วก็จะได้เอาไปทิ้งจนบางแห่งอกีกสัมมนเนนบางรูปใช้ไม่เป็นเนี่ยนะ อ้าวเช้ามาก็เปลี่ยนเอาผ้าพื้นนี้ไปหม่มเย็นมาก็มาถอดไอ้พื้นที่หม่มไม่ได้ซักหรอกมาเก็บไว้เอาพื้นใหม่ไปหม่มแล้วก็มุนเวียนอย่างเงี้ยก็เลยป้าวแล้วนะ่ะเหม็นสาบไปหมด ต, ตั้งห้องอย่างเงี้ยก็มีอันนั้นก็มีหลายประเภทั้นผ้าในยุคนี้ก็นับว่ามีมากเนยนะมากจริงๆถ้าเทียบกับโบราณสมัยคุณปู่ทั้งหลายเนี่ยบางหายากมากานะผ้าสมัยรุ่นคุณปู่เนี่ย ถ้าเป็นสมัยผู้การเด็กๆเนี่ยก็สมัยนั้นเนี่ยพระพิสุของหาผ้ายากมากเห็เนไหมหายากจริงเกี่ยวกับเรื่องสันโดษเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยประเภทเชื่อว่าสันตุ ธ, ธีสันโดษนั้นทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบการณ์ละบาปประธรรมทั้งหลายมีความปรารถนาเกินส่วนความมักมากและความปรารถนาลา ม, มกเป็นต้นอันนั้นก็คือละความทุศีนโดยประการต่างๆปัจจัยสี่เนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งตันหา ตันหูปาทานสี่เมื่อวานก่อนเมื่อวานใช้ที่พูดถึงตันหูปาทานสี่เนี่ยตันหาเมื่อจะเกิดเกิดในหนึ่งจีวรสองเกิดในอาหารสามเกิดในที่อยู่อาศัยสี่เกิดในายารักษาโรคเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่นี้ชื่อว่าเป็นที่เกิดของตันหาสี่ประการเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่มีตันหาปรารถนาปัจจัยเหล่านี้โดยมากก็ทุศีนนะเพื่อต้องการ ตัจใจสี่อย่างเช่นพวกจีวอเนี่ยนะจีวอ น, นี้พระพิสุต้องการเนี่ยไม่ใช่ว่าขอได้นะคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเนี่ยนะคือเขาไม่ได้เอ่ยปากเอาไว้เนี่ยเราไปขอผ้าเขาไม่ได้นะผ้านั้นถ้าขอได้มาก็เชื่อว่ามีความผิดนะหรือแม้กระทั่งพวกอาหารทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะเพราะจริงๆแล้วพระวินัยบัญญัติเนี่ยนะโดยมากเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยสี่อย่างนี้ทั้งนั้นะส่วนใหญ่อนนะ เป็นประราชิกก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เรื่องชีวรลักขโมยจีวรลักขโมยผ้าเป็นต้นนั่นแหละก็อาทินนาทานสิกขาบทใช่ไหมก็ลักขโมยไมาให้เพื่อมาทําเสนาสนะเนี่ยเหมือนเหมือนเมือมอม่อไม่นานเนี่ยพระพิสุไปอยู่ป่าแห่งหนึ่งก็โค่นโค่นไม้ต้นเบิ่มเลยนะใ น, ในที่ดินของป่าไม้แล้วก็มาสร้างกุฏิเขาก็นี่มนไปเข้าห้องขังเนี่ยนะมีนะจับเสร็จเสร็จก็เข้าห้องขังไปเลยก็มีที่เมือม่อไม่นานเนี่ยที่ต่างจังหวัดทงางภาคอีสาน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 น้นถ้ารู้จักสันโดษในปัจจัยสี่สอย่างก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเนี่ยนะเพื่อก็ไม่ต้องไปทําบาปทำมากุศลเพื่อเพื่ออะไรทั้งนั้นแหละขณะเดียวกันนั้นความเป็นผู้รู้จักสันโดษข้อแรกโดยรวมๆก็คือละความทุศีลหรือละความคดผางกายทางวาจาและทางใจอันผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในสันโดษอย่างนี้ก็ประเพฤติเหตุแห่งสุขติเพราะเป็นเครื่องอบรมอริยมรร เพราะเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้อยู่ได้สบายในทิศ ท, ทั้งสี่ที่จริงผู้ที่สันโดษในปัจจัยสีเนี่ยนะทิศใดเขาก็อยู่ได้ประเทศไทยนี่อยู่ได้ทุกภาคเลยว่างั้นแต่ขอให้สันโดษเถอะอันผู้สันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ย่อมเป็นผู้อยู่สบายในทิศ ท, ทั้งสี่และไม่มีปฏิฆะเลยบางแห่งบอกว่าคนที่รู้จักสันโดษนะชื่อว่าผู้มีทรัพย์มากแล้วอน น, นถ้าถ้ารู้จักสันโดษนี่ก็ชื่อว่าผู้มีทรัพย์ได้ใช่ไหยถ้ามีมาก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 เป็นที่ตั้งแห่งปฏิฆะเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองนี่นะทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นก็เป็นมงคลนะเพราะว่าสันโดษนั้นเป็นมงคลเพราะเหตุละบาปอากุศลเป็นปัจจัยแห่งสุขติเป็นปัจจัยที่สําคัญต่ออริยมรรคเพราะเป็นเครื่องบ่มอริยมรรคอน น, นแล้วก็คิดทั้งสี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ได้อย่างภาสุขถ้ามองว่าต้นไม้คือกุฏิได้นะที่ไหนจะอยู่ไม่ได้ไม่มีนันะ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 ไม่คิดอะไรจนเกินไปเนี่ยนะทํา ม, มุ้งสมัมมธรรมจริงๆที่ไหนก็นอนได้ไม่น่ามีปัญหานะซึ่งถ้าจะเย็บมุงมุ้งก็ทําไม่ยา ก, กนะเพราะมุ้งมันมันเอาผ้าจีวรเนี่ยสองผืนมาเย็บต่อกันมันเป็นมุงไปเรียบร้อยละเอาร่มอีกอันหนึ่งนะก็ทำหูรูดซะหน่อยเอาเชือกมาก็เรียบร้อยอยู่ได้แล้ะไม่เห็นยากอะไรเลยนะทีนี้มาดูมงคลที่ยี่สิบห้ามงคลที่ยี่สิบห้าคือกระตันยู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 น, น, นั้นเป็นต้นเนี่ยนะสามารถระลึกเห็นความดีของเขาทั้งหมดที่เขา<ม>เขาทําต่อเราอ่า น, นะลักษณะ น, นี้เรียกว่ากตันยูตาความกตันยูอันนี้ก็นับว่าเป็นมงคลอันหนึ่งอันนี้ในที่สองว่าบุญทั้งหลายนั่นแหลมีอุปการะมากแก่ศาสทั้งหลายเพราะป้องกันทุกมีทุกในนรกเป็นต้นดังนั้นการระลึกถึงบุญหรือระลึกถึงอุปการะของบุญเหล่านั้นเพืงอทราบว่ากตันยู ถ้าแบ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มดังกล่าวนั้นนะเช่นเห็นเห็นใครหรือระลึกถึงใครก็ต้องคนเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะต่อเรามากนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือเช่นให้ทานก็ระลึกถึงทานนเจตนาที่ได้ทําไปก็เพราะทานเหล่านั้นก็เป็นเครื่องอุปการะมากหรือระลึกถึงกุศลศีลทั้งหลายนะที่เรียกว่าศีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภกสัมปทานเนี่ยเวลาเราระลึกถึงศีลศีลเป็นเหตุแห่งสุขติใช่ไหม ก็ระลึกถึงเออสีนี้มีอุปการะมากหรือระลึกถึงบุญประเภทเมตตาเป็นต้นหรือบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เจริญไปถ้าหมั่นระลึกถึงคุณงามความดีหรือบุญกุศลที่ทําไปอย่างนี้ก็เรียกว่ากะตัอยูแต่ว่ากะตัอยูในแง่นี้คนไม่ค่อยเอามากล่าวถึงนะ mm. ก็กล่าวถึงเฉพาะในยะแรกที่กล่าวถึงว่าผู้อื่นเขามีอุปการะคุณต่อต่อเรา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 บุพการีเนี่ยนะที่ยากเนี่ยเพราะอะไรในหนังสื อ, อวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ท่านบอกเลยว่าบุพการีที่หายากเพราะโลภะมันมีกำลังกระตันยูบุคคลเนี่ยนะกระตันยูกระตะเวทีบุคคลหายากก็เพราะโมหะมีกำลังก็คิดดูนะว่าโลภะหวงแหนในทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่ค่อยคิดเอาไปให้ให้แก่ใครง่า ย, ายๆเพราะความยึดติดใช่ไม ยึดติดในข้าวของเครื่องใช้ยึดติดในปัจจัยทั้งหลายที่ตนมีอยู่ก็ไม่อยากจะสละไม่อยากจะให้ใครไปอันนี้แหละโลภะใช้เป็นเหตุให้ไม่ยอมที่จะเป็นบุพการีแก่ บ, บุคคลอื่นเนี่ยนะอันใครที่ทําอุปการะก่อนต่อ บ, บุคคลอื่นนี่ก็นับว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะจะต้องต่อสู้กับโลภะเป็นอย่างมากานะโลภะมันหวงแหนใช่ไหมที่เราจะช่วยเหลือใครที่จะ ยื่นมือเข้าไปช่วยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องกับบุคคลต่างๆไม่ใช่ของง่ายเนี่ยก็เพราะฉะนั้นบุพการีขุเนี่ยจึงหายากเนี่ยนะส่วนกตัญญูกะตะเวทีนีบุคคลที่ระลึกถึงอความดีที่คนอื่นเขาทําแก่ตนก็ยากเพราะโมหะมันมีกําลังปกปิดลืมหมดเลยโดยมากเป็นอย่างนี้นะเราทําอะไรแก่คนอื่นเราจําได้หมดใช่ไหมที่คนอื่นทําอะไรแก่เรานึกไม่เคอยออกเอ้ยมีอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> อันนี้แหละเรียกวา่าลักษณะของอาสาบุรุษ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 กตันยูกะตะเวทีบุคคลให้มากนักอนะนะก็เหมือนเขาเรียกว่าถ้าเลี้ยงลูกก็เลี้ยงเอาเอาบุญอย่าไปเลี้ยงเอาคุณจะไปเลี้ยงเอาคุณมากๆแล้วไปทวงเช้าเข้ า, ท ว, ขาทวงเข้าเช้าทวงเย็น ท, ทวงเช้าทวงเย็นฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เท้าฝ่าเท้าเล็กๆมาเนี่ยนะมาตอนนี้ทําไมไม่ระลึกถึงคุณของฉันบ้างเนี่ยนะถามว่าดีไหมแล้วลูกหลานจากกะกตันยูเพิ่มไหมไม่ใช่เลยนะยิ่งหางมากท่อนเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุพการีทั้งหลายเนี่ย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 ทีนี้นานๆเข้าไอ้คนที่พาเข้างานมันก็ทวงนี่นะแกนะทําไม่ได้ชั้นแกไม่ได้เข้างานหรอกไอ้คนนี้มันหมันไส้มากให้ห้าพันบอกว่าแกห้ามทวงอีกนะถ้าทวงอีกโดนแน่คราวนี้ <c oughs> <c oughs> จ่ายเลยนะบอกรําคาญมากเลยคํานี้มันเพราะฉะนั้นบุพการีบุคคลเนี่ยบางคนถ้าถ้าไม่โยนิโสมนสิการให้ดีนี่เสียหายมากๆด้วยซ้าไปอันะก็จึงเมื่อความดีที่เราทําลงไปก็ไม่ควรที่จะไปตามทวง พระโพธิสัตว์เคยมีไหมพระองค์ให้ทานในยาจกทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเก็บชื่อฉันเอาไว้ในใจว่าฉันเป็นผู้มีอุปการะแก่เธอทั้งหลายมากเคยมีไหมในชาดกอ่านเจอไหมไม่มีเนี่ยนะไม่มีหรอกมีแต่พระโพธิสัตว์บอกว่าใครทําคุณกัเราเท่าไหร่บุคคล น, นั้นเป็นบุคคลที่ควรจดจำเนี่ยนะตรงนั้นอะเป็นสิ่งที่ควรจดจําเป็นอย่างมาก ในเรื่องของกะตัญยูเนี่ยนะก็นับว่าเป็นมงคลนะทศวนนะว่าพยายามระลึกเสมอไว้ว่าผู้ใดมีอุปการะคุณต่อเราเช่นใดควรกำหนดจดจำเอาไว้ว่าเราจะได้มีโอกาสตอบแทนคุณเขาเพราะว่ากะตันยูก็คือระลึกถึงคุณใช่กระตะเวทีก็คือทำตอบแทนเราจะได้ตอบแทนเขาบ้างจะได้ตอบแทนเขาคืนไปเนี่ยนะถ้าเรากะตัญยูในพระพุทธศาสนานี่เราจะทำยังไงไปตอบแทนใครดี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 บุคคลที่หายากแล้วในโลกนี้นะมงคลที่ยี่สิบห้าก็ผ่านไปนะกะตันยูคือคาว่ากะตันยูถ้าถ้าดูตรงนี้เนี่ยดิไม่ควรไปคิดถึงบุคคลที่เราช่วยเขาแต่ควรคิดถึงบุญที่เราได้ช่วยเขาไปควรนึกถึงตัวบุญใช่ัหมไม่ให้ไปนึกถึงตัวบุคคลนะบุคคลที่เราช่วยเข้าไปเราก็ไม่ต้องไปคิดแต่คิดถึงบุญที่เราได้ทำในสิ่งนั้นๆไปอันนี้ก็เรียกว่า กระตันยูเนี่ยนะกะตันยูอันนี้แหละที่เป็นมงคลเพราตอนถ้าเราช่วยเหลืออะไรใครแล้วก็มุ่งไปที่บุคคลใช่ไหมเราก็จะไปคอยทวงเขาคิดทวงเขาในความคิดอ่ะนะเสร็จ แ, แล้วก็เขาก็ลืมไปแล้วอ่ะเพราะมันไม่ได้ปัจจัยให้มันคิดได้แบบนั้นอ่ะนะเพราะว่าไอการที่จะนึกถึงอะไรแต่ละอย่างมันก็ต้องได้เหตุได้ปจัจจัยใช่ไหมมันจึงจะนึกได้ทีนี้ถ้าไม่ได้ปจัจจัยเขาก็ลืมไปเมื่อเขาลืมไปแล้วเขาจะไปนึกอะไร ทีนี้อีฝ่ายหนึ่งมันก็จําอยู่แต่ฝ่ายเดียวะนะว่าเขาคงนึกถึงเราบ้างก็จะได้แต่ความผิดหวังกลับไปเพราะฉะนั้นนึกถึงบุญที่เราทำเอาไว้เนี่ยจึงเป็นกระตันยูไม่ควรไปนึกที่บุคคลแต่ถ้าบุคคลนะบุคคลใดที่ช่วยเหลือเรามาเนี่ยนะบุคคลนั้นควรจดจําแม้กระทั่งจะช่วยช่วยเรามากช่วยเราน้อยไม่สําคัญแต่ว่าบุคคลนั้นก็นับว่ามีอุปการะต่อเรามากนันเ แั้นก็ผู้ที่กระตันยูเนี่ยนะมันก็เป็นเครื่องหมายของของคนดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่าระลึกถึงอุปการะเอาไว้ก่อนคนที่ระลึกถึงอุปการะที่ทำเอาไว้ก่อนเนี่ยนะจึงเป็นบุคคลที่เรียกว่าเจริญด้วยคุณธรรมชั้นสูงสูงต่อไปได้นนะเช่นว่าถ้าไม่ระลึกถึงบุญที่ทำเอาไว้มากแล้ว เป็นต้นเนี่ยนะที่หรือจะบำเพ็ญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกก็นับไม่ยากเพราะฉะนั้นในอัตกถามูลปริยยสูตรเป็นต้นเนี่ยนะที่กล่าวถึงอะไรนะกล่าวถึงสัตว์บุรุษใช่ไหมกล่าวถึงสัตว์บุรุษที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่ากตันยูพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ระลึกถึงอุปการะที่ร ะ, ะลึกถึงบุญที่ตัวเองเนี่ย ได้ทําเอาไว้อย่างมากแม้กระทั่งพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะพระองค์ไปเที่ยวโปรดหลายท่านเนี่ยเพราะบุคคล น, นั้นมีอุปการะมากต่อพระองค์ที่ที่ช่วยให้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นพระองค์ไปไปสงเคราะห์พระนางพิมพาเนี่ยนะยะโสธราพิมพาเนี่ยไปสงเคราะห์เท้าเพราะระลึกถึงบุญบุญคุณของพระนางว่าถ้าไม่มีพระนางเนี่ยน ะ, ะพระองค์ก็ไม่ได้เอาธาระบริจาคกันนะก็ไม่ได้มีโอกาสบริจาค พิยาอะไรเพราะก็เห็นร ะ, ะลึกถึงคุณอันนั้นของนาง น, นะก็เลยไปไปสงเคราะห์ใช่ไหมแม้กระทั่งไปสงเคราะห์บุคคลอื่นๆหลายคนเนี่ยเพราะระลึกถึงระลึกถึงคุณที่บุคคลนั้นเคยมีอุปการะคุณแม้กระทั่งในชาติก่อนๆหน้านั้นมาอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีพระพิสุที่เรียกว่าใช่ไม่ได้ตั้งหลายรูปนะแต่พระองค์ก็ก็ยังให้เข้าบวชอยู่นั่นแหละก็ยังแนะนําบอกกล่าวสั่งสอน แต่ถ้าศึกษาให้ดีนะบางชาดกเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเคยเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเคยเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์อย่างพระอุทายีเลเธอเดเนี่ยนะที่หลงที่ลืมเนี่ยพระองค์ก็ะระลึกว่าอดีตชาติเขาก็เคยเป็นพ่อของของพระองค์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ความที่พระองค์ก็ยังสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาท่นพระองค์นี้เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นกตันยูนะขออภัยเป็นกตันยูบุคคลจริงๆเป็นบุคคลที่ระลึกถึงคุณที่ผู้อื่นทํา แล้วก็ในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็น ก, ะกะตะเวทีบุคคลตอบแทนคนต่อผู้ที่ได้ได้ได้กระทําต่อพระองค์เนี่ยนะและที่สําคัญนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรลุมรรคผลเนี่ยจะต้องมีกระตันยูอันนี้เอาไว้ในใจและลึกถึงบุญทั้งหลายที่เราได้ทําไปถ้าเราไม่ละลึกถึงบุญที่เราทําเลยไม่ได้ถามจะเอาอะไรมาเป็นปีติสัำเพอชงมั่งมาเป็นที่ตั้งแห่งปีติและปราโมทเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นละลึกถึง บุญทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญไปได้ปฏิบัติไปอันกตันยูนั้นจึงนับว่าเป็นมงคลแต่ที่สําคัญที่สุดเห็นเห็นอยู่นะยังไงยังไงก็ต้องควรกตันยูก่อนตายนะนึกถึงบุญก่อนตายนี่นับว่านี่แหละจะเป็นมงคลจริงๆละ่ะจะรู้ว่าความเป็นมงคลอยู่ตรงนั้นใช่ไหมถ้าก่อนตายแลย้วนึกถึงบุญไม่ได้เลยกระตันยูถึงบุญไม่ได้แม้แต่อันเดียวคือโดยสาบเนี่กะตะเนี่ยแปลว่าเสร็จแล้ว อยูนี่แปลว่ารู้ไงกตันยูก็คือรู้ถึงสิ่งที่ทําสิ่งที่เคยทําไปเสร็จแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกตันยูก็คือรู้ถึงบุญระลึกถึงบุญเนี่ยอย่างเช่นสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยละลึกไปเถอะนั่นแหละจะช่วยอุ้มเราให้ไปสู่สุขติเนี่ยนะก็พยายามละลึกถึงบุญกุศลที่ได้บําเพ็ญไปแม้กระทั่งเจริญพรหมวิหารเป็นต้นเนี่ยก็ละลึกถึงเมตตาเป็นต้นที่ได้ จเจริญไปแล้วนึกถึงคุณความดีที่เราได้บำเพ็ญไปอันการระลึกถึงบุญที่ได้ทําไปแล้วนี่จึงเป็นมงคลใช่ไหมจึงไม่ควรรังเกียจที่จะระลึกถึงบุญที่ทําไปแล้วแต่ตรงนี้ฟังให้ดีนะไม่ใด้ไประลึกถึงบุคคลที่เราเคยทําคุณกับเขาไม่ได้ไประลึกถึงบุคคลแต่ระลึกถึงคุณธรรมที่เราได้ทําลงไปเพราะเราทั้งหลายคงทําเอาบุญใช่ไหมคงไม่ทําเอาคุณนะถ้าทําเอาคุณเดี๋ยวก็ลําบากใบทวงคุณอีก ดนะเดี๋ยวเขาจะจ่ายค่าใช่ไหค่า บ, บุญคุณแล้วจะเสียคนกลับมาในตอนนั้นแหละส่วนการฟังธรรมตามการนี่คงเป็นภาคค่ำมั้งเนาะถามว่าพูดเทศนเนี่ยมีบ่อยหรือไม่บ่อยแน่ใจนะแน่ใจนะอนะ บางทีเนี่ยนะการกล่าวตูเ่เล่นๆเพื่อจะหัวเราะสนุกสนกอ่ะ น, นั่นแ <c oughs> หละเรียกว่ามุสาวาตอันนั้นก็นับว่าเป็นมุสาวาตนะที่พระองค์เตือนพระราหุนสมัยที่พระอาหุนอายุเจ็ดขวบอะ่ะคือเรื่องไม่จริงอะ่ะแต่ว่าเราหาเป็นโจกอ่ะนะซึ่งชาวโลกทั่วๆไปเขาก็ไม่ถือว่าเป็นมุสาวาตอะไรแต่จริงๆแล้วเป็นคํามุสาวาต ด, ดังในพระวินัยก็กล่าวถึงเช่นพระพิสูุรูปหนึ่งเนี่ยนะ ไปบินทบาทน้ำมันในหมู่บ้านถ้าพระอุ้มบาตไปตอนเย็นเนี่ยโบราณเขารู้เลยว่าเป็นการไปบินธบาทเนยใสเนยข้นน้ํามันน้ําพึ่งน้ำอ้อยเนี่ยนะนั่นก็เห็นท่านอุ้มบาตมาก็ถามว่าท่านประสงค์อะไรบอกว่าถ้ามีเขาถามนี้ก็บอกว่ามาหาน้ํามันเอย่างนี้เขาก็จะให้น้ํามันให้อะไรไมานี่วันหนึ่งไปก็ไม่ได้อะไรกลับได้น้ํามันมันนิดเดียวนะมาถึงวัดก็พระภิกษุก็ถามว่าท่านได้น้ํามันมาเยอะไหมบอกโอ้ยน้ํามันท่วมหมู่บ้านหมดเลย อันนี้จริงไหมอันนี้มุสา ว, ตวาตไงครับพูดจะหัวเราะเล่นลนะเ่กาอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงเกวียนเนี่ยนะถ้าเป็นเกวียนมันขับมันวิ่งไปเนี่ยนะว่านั่นเกวียนใครก็เกวียนพ่อแม่เธอเนี่ยแหละ อ, นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของมุสาวาตเพื่อที่จะให้คําขันถึงจริงจริงแล้วสิ่งนั้นไม่จริงการคุยเพื่อจะคําขันเพลิดเพลิน อ, อย่างนี้ก็นับว่าเป็นมุสาวาทอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน นี่มีแห่งหนึ่งกล่าวว่าถ้ายังมโสาวาสอย่างนี้ได้ไม่มีบาปอันอื่นอันไหนที่ยังทําไม่ได้หรอกที่จะไม่กล้าทําบาปอื่นๆอีกไม่มีเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทําบาปที่มันใหญ่ๆขนาดนั้นเพราะยังไม่ได้ปัดใจอย่าไปกล่าวว่าไอ้ไม่ขีดก้านเล็กๆที่มันจุดมีไฟขึ้นมาจะไม่เผาบ้านเผาเมืองได้เพียงแต่ว่าที่มันไม่เผายิ่งใหญ่ก็เพราะว่าเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ฟืน เพราะมันไม่ได้ฟืนเพรานเกี่ยวกับการพูดเนี่ยนะก็คำพูดที่เป็นไปเพื่อคําขันส่วนหนึ่งนั้นจริงอยู่ในนั้นไม่ค่อยมากนะเหมหรืออย่างคืออันนี้หมายคก็ว่าในในแง่ของพระวินัยเนี่ยนะ<ม>คือในแง่ของพระวินยัยบางคนที่เขาเรียก ว, ว่าเอางั้นก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับหลอกลวงใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่เพราะการใช้คําเนี่ยนะอ่า บางอย่างเนี่ยการบัญญัติพระวินัยเป็นพุทธวิสัยพระองค์บัญญัติพระวินัยเนี่ยด้วยอำ น, นาจประโยชน์สิบประการแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่พระองค์บัญญัตินะอย่างที่กล่าวว่าพระนิสุซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ไหมไ ม, ไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเนี่ยอาตมามีนาฬิกาอันนี้เนี่ยแต่ไม่ต้องการนาฬิกาอันนี้แต่ต้องการนาฬิกา น, นั้นยางไงยอมเขารู้เออ ก็เอาอันนั้นมาถวายแล้วเอาอันนี้ไปเนี่ยถามว่าได้ไหมไเอาบอกว่าห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ใช่หรืออันนี้ไม่ได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ เ, เรียกว่าใช้สัมมาณโภหารถามว่าพระซื้อขายได้ไหมไ ม, ไม่ได้แต่ถ้าบอกผู้การไปหานั้นมาให้หน่อยได้ไหมได้อันนั้นอ้าวมันก็ได้ตามเดิมอะ่ะแล้วแค่ใช้คําไม่ใช่หรือ อันนี้แหละที่เรียกว่าพระวินัยที่พระองค์บัญญัตินี้อาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการพระวินัยนี้จริงๆแล้วสำเร็จด้วยศรัทธาถ้ามีศรัทธาก็สามารถที่จะปฏิบัติและรักษาตามได้พระองค์บัญญัติพระวินัยด้วยเหตุผลหนึ่งเพื่อความรักว่าดีแห่งสงฆ์สองเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์สเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากเกอ้อนี่แปลว่าอาใช่ห เกอยากก็อายากแปลว่าแปลเป็นไทยๆว่ า, า, า, วาหน้าด้านเพื่อ <after> อยู่สำราญแห่งที่สุผู้มีศีลอันเป็นที่รักเพือ่อกำจัดอาสวะอันจก บ, บังเกิดในปัจจุบันเพื่อป้องกันอาสวะที่จกมีต่อไปใ น, อ, ปในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสแห่งชุมชนที่ยังไม่เลือเอเ่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปแห่งประชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตยธรรมเพื่อถือตามพระวินัยในยอำนาจประโยชน์สิบประการที่พระองค์บัญญัตินะข้อแรกเลยใช่ไหมเพื่อรับว่าดีแห่งสง์เนี่ยยังไงคือหมายเขาว่าสมัยที่พระองค์บัญญัติวินัยเนี่ยหมู่สงมีแต่หมู่พระอริยะโดยมากพระอริยะเหล่านั้นยอมรับหมดว่าดีควรจะบัญญัติเพราะ ว, าว่าวินัยเป็นอายุของาศาสนาเพราะฉะนั้นควรที่จะบัญญัติพระวินัยพรานสงเห็นด้วยทั้งหมดเลยที่ได้บัญญัติในครั้งนี้ เพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วถือว่าเรื่องเสียหายมากในตอนนั้นพระองค์ก็อาศัยเหตุอันนั้นแหละบัญญัติพระวินัยขึ้นหมู่สง์ประชุมสงสภาสง์เห็นด้วยในการบัญญัติวินยัยสภาสง์ที่เป็นอริยะนะปุตรชนเอาเป็นประมาณไม่ได้พระสารีบุตรพระโมกขาลานะพระหมหากัะสปาพระนอานนทพระอนุรุทธะพระหมหา ก, กัจยนะเป็นต้นเห็นด้วยหมดเลยเพราะฉะนั้นบัญญัติได้นี่ข้อแรกนะเพื่อรับบารีแห่งสงสองเพื่อความสําราญแห่งสง์ คือจะได้ไม่มีคนผู้หน้าด้านเป็นต้นมาก่อความวุ่นวายให้สงสงเดือดร้อนอนะทั้งอุโบสถทั้งสังฆกรรมทั้งปวารณาเป็นต้นสงก็อาศัยพระวินัยที่มีอยู่มาตักเตือนมาบัญญัติมาข่มบุคคลผู้ทําความไม่ดีไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระวินัยอย่างนี้หมู่สงทั้งหลายจักผาสุขเลยเรียกว่าเพื่อความสําราญแห่งสงสม์มเพื่อข่มบุคคลผู้เกย์ยา หมายถึงว่าจะมีบางคนเนี่ยจะบอกว่าอันนี้ไม่ควรทําทําไมไม่ควรนะมีวินัยด้วยหรือมีศีลด้วยหรือเป็นต้นก็จะได้อ้างสิกขาบทจะได้ข่มผู้เกยากผู้หน้าด้านเหล่านี้อันนี้เหตุผลที่สามที่สีก็คือเพื่ออยู่สําราญแห่งพิสู้มีศีลอันเป็นที่รักใช่ไหมพิสูุผู้มีศีลอันเป็นที่รักเนี่ยท่านบวชเข้ามาท่านก็อยากรู้ว่าอะไรเป็นศีลเป็นธรรมเป็นวินยัยประดุดคนงานใหม่ที่สมัครเข้ามาก็อยากรู้ขอบเขตของตัวเองใช่ไหม ว่าตัวเองนี้มีควรจะมีขอบเขตแค่ไหนผพระพิสูจน์ที่มีศีลอันเป็นที่รักท่านเข้ามาท่านก็จะได้รู้ว่าท่านควรจะปฏิบัติเท่าไหร่อะไรเป็นข้อห้ามอะไรเป็นข้ออนุญาตท่านก็อยากรู้อันนี้เรียกว่าเพื่อสําราญแห่งพิสูุนผู้มีศีลอันเป็นที่รักในขณะเดียวกันการข่มบุคคลผู้หน้าด้านก็เพื่อความสําราญแห่งพิสูุผู้มีศีลอันเป็นที่รัก กำจัดอาสวะที่จะบังเกิดขึ้นในปัจจุบันอาสวะในที่นี้แปละว่าเรื่องเสียหายการทะเลาะการวิวาทการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นการเขียนการฆ่าการเพี้ยนการตีเป็นต้นที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะถ้าพระพิสุท์ไม่รักษาวินยัยปัญหาเหล่านี้มีเป็นแน่ถ้าไม่รักษานะเช่นถ้าพระไปดื่มเหล้าแออยู่กลางถนนเลยนะคิดไม่จะได้ตีกันปัญหาเหล่านี้จะต้องมีเป็นแน่เพราะฉะนั้นก็ดีแล้วที่มีพระวินัยเนี่ยนะ เรื่องเสียหายทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นแกหมู่พิกษุเลยแต่ความเสียหายอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยความเสียหายเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากศีลน เ, นเกิดจากความทุศีลทั้งหมดเลยนะเรื่องเสียหายที่ออกตามข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ได้ตามตามศีลตามวินัยอะไรเพราะฉะนั้นพระวินัยที่รักษาได้เนี่ยกําจัดปัญหาสารพันได้ได้หมดเลยเนะเพราะฉะนั้นเรียกว่ากําจัดอาสวะคือความเสียหายที่เห็นเห็นกันอยู่นี่ออกไปหมดเลย มันเคยเห็นพระพิโสท่านอยู่ในศีลแล้วมีปัญหาไหมไม่มีมันกําจัดความเสียหายทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันข้อต่อไปป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตอันนี้แปลว่าปิดอบายถ้าอยู่ในศีลเนี่ยปิดอบายแน่เนี่ยนะนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นต้นนี่มาได้กินพระออกมานั้นถ้าพระไม่ไปกินศีลซะก่อนเนี่ยนะทำลายศีลเนี่ยนี่แย่แน่แล้วข้อต่อไปเพื่อความเลื่อมสายแห่งชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสาย ก็มีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งนะเขามาอ่านพระวินัยปิฎกนี่นับถือผู้ศาสนาเลยโอ้ทํายากมากนะนะถ้าใครทําได้อย่างนี้หน้าเลื่อมใสหน้ากราบหน้าไหว้นับถือพระศาสนาเพราะอ่านพระวินัยมาง น, น, น, นั่นัแค่เรียกว่าเพื่อความเลื่อมใสแห่งชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสใช่ไหมแล้วก็เพื่อรักษาศรัทธาของชุมชนที่เลื่อมใสเอาไว้แล้วทําไม่อย่างนั้นนี่ผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายแล้วก็น้าก็เขาเบื่อนะ ก, ก็รําคาญเป็นต้นเนะนะ ถ้าไม่มีกรอบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีพระวินัยเลยนะผู้ที่เลื่อมสายอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงข้อต่อไปก็คือเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมสัทธธรรมนี่คืออะไรปริยัติสัทธธรรมจักอยู่ปฏิบัติสัทธธรรมก็จักอยู่ปฏิเวศสัทธธรรมก็จักอยู่เพราะมีพระวินยัยนะถ้ามีพระวินยัยพระวินัยบังคับว่าจะต้องเรียนจะต้องศึกษาใช่ไหมพระวินัยเนี่ยบังคับเอาไว้นี่ปริยัติก็จะตั้งมั่นข้อต่อไปอีก เมื่อศึกษาเข้าใจก็จักปฏิบัติตามถูกเพราะฉะนั้นเมื่อปริยัติดีปฏิบัติถูกปฏิเวทจักไปไหนพันถ้าพระองค์บัญญัติพระวินัยเนี่ยศัตธรรมคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็จักดารงมัน่นข้อสุดท้ายก็เพื่ออนุเคราะห์วิไนยอนุเคราะห์วิไนสี่ประการวินัยก็คือสังวรวินัยหนึ่งะสังวรวินัยสองปะหานวินัยสบัญญัติวินยัยและก็สมถาวินัยนะถ้าจำไม่ผิด ก็คือวินัยสประการสังวรวินัยแบ่งเป็นห้าปหาณวินัยขยายเป็นห้าสมถะวินัยขยายเป็ น, 5, นยยยเจบัญญัติวินัยก็วินัยปิดกทั้งหมดสรุปแล้วก็คือเพื่อรักษาพระศ า, ศาสนาเอาไว้ว่าโดยรวมๆเนีเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาต่อไปบรรพระวินัยทั้งหลายที่พระองค์บัญญัตินั้นมีเหตุผลไม่ใช่ว่าพระองค์นึกอยากจะบัญญัติอะไรก็บัญญัติขึ้นมาเลยเห็นไหมจริงๆก็เพื่อประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์หมู่พระภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่เรียนพระวินัยเนี่ยนะถ้าเรียนได้มากได้กว้างขวางจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ารักษาเราจริงๆรงิรักษา ม, มากซึ่งไม่มีใครจะรักษาเราเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วรักษาจนก็เรียกว่ารักษาจนเราไม่เดือดร้อนจริงจริงนะเพราะศีลที่เป็นกุศลหรือพระวินยัยทั้งหลายนํามาซึ่งสังวรวินยัยทั้งหมดที่พระองค์ก็ปฏิบัติเพื่อให้สังวรใช่ไหมสังวรก็คือการปิดการการั้นการห้ามบาปห้ามอากุศลทั้งหลาย สังวรก็นำมาซึ่งอวิปปิสารอวิปปิสารก็นำมาซึ่งปราโมดปราโมดก็นำมาซึ่งปีติปีติก็นำมาซึ่งปัสสัตทิปัสสัตทิก็นำมาซึ่งสุขสุกก็นำมาซึ่งสมาธิสมาธิก็นำมาซึ่งยถาภูตยานทัศนะยถาภูตยานทัศนะก็นำมาซึ่งนิพิถานิพิถานำมาซึ่งวิราคะวิราคะนำมาซึ่งวิมุตติวิมุตตินำมาซึ่งวิมุตติยานทัศนะวิมุตติยานทัศนะก็นำมาเพื่อ อนุปาธาปรินิพานนะนะอันนี้อยู่ในพระวินัยปิดกคำพีปริวานชื่อหัวข้อว่าจูลสงครามมีมหาสงครามด้วยนะมีจูลสงครามมหาสงครามเนยพระวินัยเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่เข้าใจพระวินัยบัญญัติถ้าตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามสมัยผู้กสมัยก่อนๆเลยเนียสมัยก่อนๆเลยเนี่ย พระภิกษุที่ปางตายทั้งหลายที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนะ่ะท่านทบทวนพระวินัยของท่านนะแล้วท่านจากมีปีติใช่ไหมไล่ไปเลยปราชิกท่านก็รอดปีติเลยนะสังฆาทิเศตก็รอดนิสกีท่านก็ไม่เป็นปาจิตติก็ไม่มีปฏิเทศิยะก็ไม่ถูกทุกกฎก็ ด, กดีไม่เป็นทุภาสิ็ก็ไม่ดีถ้าระลึกทุกข้อตามที่ที่ท่องได้ในปาติโมกแล้วตัวเองบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเนี่ยเข้าใจว่าจากมีปีติไหม มีปีติไห ม, ไมว่าไล่เลยนะว่าประราชิกสีเนี่ยนะแต่ละข้ออย่าเข้าใจายอย่างถูกต้องนะตรวจสอบตัวเองโดยประการทั้งปวงจําเดิมแต่บวชไม่มีอบัตติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยนะถ้าวมาจากมีปีติและปรามโมทขนาดไห น, นเพราะฉะนั้นอย่างในเถรคถามีเรื่องหนึ่งพระรูปหนึ่งท่านบวชมายี่สิบกว่าปีแล้วจิตไม่เคยสงบเลยสึกก็ไม่ได้บวชต่อไปก็ไม่เจริญทำยังไงดีนะตายดีกว่าวอย่าอยู่เลย ก็แต่ฆ่าตัวตายก็เอามีดมาเลยจ่อคอในความที่ท่านเรียนพระวินัยมาดีใช่ไหมท่านก็ตรวจดูศีลไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยก็เกิดปีติปราโมทเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลเลยไม่ได้ฆ่าตัวตายเลยนะแต่นี้ก็ก่อนจะตายก็ก่อนที่จะตายก็นึกถึงศีลก่อนใช่ไหมค่อยเชื่อดอังนะั้นจะได้ไปดีอะ่ะเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่ามันอะไรเป็นอะไรนะพอเจริญปีติเกิดแล้วก็เจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลเลยอดเชื่อดังนี้ กดเชือดคอตัวเองตายะนะเพราะฉะนั้นกุศลศีลเนี่ยถ้าใครทรงจําไว้ได้และเลิกไว้ได้ก็ปีติปราโมทเป็นอย่างมากจำบ่นเย็นนี้ไปหนือก็นั่งตรึกเลยใช่ไหมเออนะข้อที่หนึ่งเราก็ปลอดภัยนะข้อสองอุโบสถเราก็ปลอดภัยข้อสามอุโบสถก็ปลอดภัยข้อสี่ก็เยี่ยมข้อห้าก็ไม่ขาดไม่ตกไม่บกพร่องข้อห ก, ก็บริสุทธิ์ดีข้อเจ็ก็ ควรแกการโงมานับเหลือเกินอย่างนงี้ยนะข้อแปดก็เยี่ยมโอ้ปีติเลยอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเพิ่งทําก็อาจจะยังไม่ทันปีติเพราะนึกถึงซีนน้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยถ้านึกได้วันละชั่วโมงละครั้งอนะคุณอุายชั่วโมงละครั้งใช่ไหมชั่วโมงละครั้งนะก็หรือถ้าถ้าทุกห้านาทีด้วยก็ยิ่งแก่เลยกันเนี้ยนะี่ติดสัญญาณกุศลเนี่ยทุกห้านาทีหรือทุกสองนาที หรือถ้าเจริญได้ตลอดเวลาแต่ถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อความบรรลุมรรคผลนะไม่มีวัตถุใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งศีลของท่านเพราะท่านอุปมาว่าศีลนี่ประดุดแผ่นดินใช่ไหมเห็นทุกอย่างเป็นศีลหมดเลยเนี่ยซึ่งเรายังทําไม่ได้ก็จะเพิ่งปฏิเสธแต่ว่าสมาทานไว้เถอะเราจะต้องทําให้ได้มองเห็นทุกอย่างก็คือเห็นศีลด้วยได้ยินเสียงทุกอย่างก็คือได้ยินเสียงศีลอยู่ด้วยในนั้นเนี่ยนะเพราะถ้าเห็นศีลเนี่ยจึงเป็น ที่รองรับเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมชั้นสูงมันอารามณปัจจัยใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกุศลชั้นสูงไม่มีสําหรับเราเนีนะ<ๆ>ก็จะเจริญกว่าจะถึงวันนั้นก็อันนี้ต้องตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ก่อนนะแต่อย่ามาโอ้ใครจะไปทําได้อย่าเพิ่งขนาดนั้นเลยเนียนะก็พระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านปฏิบัติกันอย่างนั้นเราถึงทํายังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปฏิเสธ ทีนี้การเรียนพระธรรมเนี่ยนะถ้าจะให้ดีเนี่ยมีวิธีคิดหลายๆวิธีวิธีหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือให้เราเรียนเพื่อรู้คุณพระรัตนตรัยเให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อะไรพระองค์มีความบริสุทธิ์อย่างไรพระธรรมคําสอนที่พระองค์สอนเนี่ยสอนอะไรสอนเพื่ออะไรสอนอย่างไรแล้วก็รู้ความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายใช่ไหมว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างไรกัน เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยนะเราก็จะได้ฟังธรรมของท่านโดยที่ไม่ตะกิดตะขวงในใจเพราะว่าสิ่งที่ท่านสอนเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของของเราทั้งหลายเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะทรงจำเนี่ยนะก็จะทรงจาเป็นต้นอันนั้นแหละก็จะเข้าหลักที่เป็นไปเพื่อความพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลของเราทั้งหลายเนี่ยนะนั้นการฟังธรรมที่ถูกต้องนั้นเป็นการฟังเพื่ออะไรเพื่อบ่มอินทรีย์เนี่ยนะเพื่อเพิ่มสัจทินทรีย์ พระพุทธเจ้าเนี่ยเตือนให้พระพิสุเนี่ยฟังธรรมจากพระองค์เพื่อฟังเป็นคาถาวัตถุสิบอันนฟังเพื่อให้เห็นความมักน้อยในมหาพูดอย่าไปมักมากในมหาพูดเนี่ยนะถ้ามักน้อยในปัจจัยสี่นี้ฟังแล้วเราก็ไม่ไม่เห็นหน้ามักน้อยเลยนะแต่ถ้าบอกว่ามหาพูดเอเอใช่หน้ามักน้อยมากแล้นะกลัวมหาพูดมันจะกัดเอานะเพื่อความมักน้อยเพื่อความสันโดษเพื่อความไม่คลุกลี เพื่อปรารบความเพียรเพื่อกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเนี่ยนะเพื่อศีล น, น, นะนะฟังเพื่อให้กุศลศีลเนี่ยมั่นคงดียิ่งขึ้นเพื่อให้สมาธิดีเยี่ยมเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตเพื่อวิมุตติยาทัทสนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ติดตามฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือเรียนพระไตรปิฎกนะควรเรียนแบบนั้นควรเรียนเพื่อให้คาถาวัตถุเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ถ้าโดยส่วนตัวนี้ก็ไม่ค่อยส่งเสริมสนับสนุนถ้าเรียนเพื่อจะจําจนเกินไปเนี่ยนะเพราะว่าเรียนแล้วมันเครียดแล้วมันจะแข่งกันเป็นที่ตั้งแห่งมานะเป็นที่ตั้งแห่งการถือตัวนะโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยชอบนะไม่ไม่ไม่ศรัทธามากนักที่เรียกว่าจะไปจําทุกเรื่องเป็นต้นเนี่ยนะแล้วใครจําได้มากที่สุดจําได้เยอะที่สุดและเอาไว้ข่มกันเนี่ยนะก็ไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่เพราะว่าบางแห่งเคยเห็นพระ สัพพิสุทธิสัมมณีนนท่านท่องกันได้เยอะท่องกันได้มากเพราะนั้นใครที่ท่องได้น้อยก็ถือว่าตัวเองนี่เป็นปมด้อยใครที่ถือได้มากก็มานะจัดเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้กุศลจิตก็ไม่ค่อยเกิดมากนะคําพูดก็ขาดเมตตาตรุณาต่อกันเป็นต้นซึ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นพอนานๆเข้าเป็นอรคัธทูปมาปริยัติเนี่ยนะเรียนไปก็เอาไว้ข่มผู้อื่นเอาไว้แก้ต่างให้ตัวเองตัวเอ ง, เองทาผิดก็ยังดียังใช้ได้ เอาไว้แก้ต่างตัวเองแล้วก็ตั้งความปรารถนาลามกเป็นต้นซึ่งไม่สมควรแต่ควรเพื่อเรียนให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยใช่ไหมเรียนเพื่อให้เห็นคุณของกระถาวัตถุสิบเห็นข้อปฏิบัติเราทั้งหลายก็จะได้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราเรียนสักแต่ว่าแค่ไม่ให้เขาดูหมิ่นเนี่ยนะไม่พอหรอกเพราะว่าถึงเขาจะชมนะถึงเราเรียนได้เยอะจําได้มากถึงเขาจะชมนะ พ่ อ, องตรัดว่ามันเล็กน้อยไม่พอจะพ้นทุกข์รอดคาที่คนอื่นชมนะช่วยเราได้จริงๆไหมะนะเพราะฉะนั้นในห้องเรานะก็มีผู้ที่ถูกชมและก็ถูกถูกได้รับโลกกระทำมาเป็นอย่างดีใช่ไหมทั้งละอะไรนะทั้งนินทากับสรรเสริญแรกแรกก็สรรเสริญก่อนใช่ไหมตอนหลังก็นินทาว่าแบบชาวบ้านทั่วๆไปก็คนที่จะมีครอบครัวนะจะโดยทั่วไปนะจะชมกันก่อนใช่ไหม ชมกันก่อนอีฝ่ายก็ชมอีฝ่ายฝ่ายก็ชมอีกฝ่า ย, า ย, ายพระชมกันก น, นานๆเข้าอยู่ร่วมกันนานๆเข้าก็นินทาอีกฝ่ายแล้วคันนี้นะกลายเป็นรับโลกกระทำฝ่ายไม่ดีแทนแล้วคนันนี้นี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาพระธรรมแค่รับคําชมเฉยๆไม่พอจะช่วยเราพ้นทุกข์รอดเนี่ยนะแล้วก็คนที่ชมนั่นแหละอาจจะด่าเราก็ได้ในวันหลังเพราะฉะนั้นเราจะไปใส่ใจในส่วนนั้นให้มากนักไม่งั้นก็ไม่สมวัตถุประสงค์ใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนเรื่องโลกกระทำอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าก่อนที่จะกล่าวถึงอเ น, นสงฆ์ของการฟังธรรมก็อยากจะกล่าวในส่วนนี้ซะก่อนถ้าไม่อย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจายมากว่าเมื่อเรียนกันไปมากๆกลับขาดเมตตาต่อกันอันนี้ที่ที่ไม่ขอมาเนี่ยค่อนข้างเบื่อเอามากๆเลยแหลนนะนะคือทำไมไม่มีเมตตาต่อกันน่าเรียนไปแล้วน่าจะหวังดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำไมซูเปอร์อีโก้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในเราเาก็ไม่ค่อยชอบอย่างงี้ยนะเห็นสนุกเลยอ่ะนะแต่ละคนก็ถือตัวเยอ่อยิงจ้องห้องพยองโอ้ยไม่ไหวไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยคิดว่าเป็นส่วนที่จะต้องเอาไปเจริญนะครับท่า น, นถ้าจำได้แล้วก็ไม่ได้เอาไปเจริญเนี่ยมันก็จะมีผลก็คือทำให้อย่างท่านว่าถ้าจำได้น้อยก็อาจจะน้อยใจ ถ้าจําได้มากก็อาจจะรู้สึกว่าลําพองหรือว่าออชอบแสดงหรือว่าอวดอะไรต่างๆซึ่งจริงแล้วก็เป็นผลเสียแต่ว่าถ้าคิดว่าถ้าฟังหรือว่าท่านสอนต่อไปเรื่อยๆก็คงจะจะค่อยๆลดลงลดลงนะครับก็กราบมุตนาเกี่ยวกับเรื่องการฟังธรรมเนี่ยนะถ้าฟังแล้วก็ตั้งอยู่ในความสังวรสัมรวม การฟังธรรมทุกครั้งเนี่ยนะเราก็ต้องระลึกไว้เสมอว่าเราคือคนไข้เห็นะรรมมโอสดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเพื่อบำบัดไข้ใช่ไหมบำบัดบาปบำบัดอกุศลทั้งหลายเห็นะในเรื่องการเมตตากรุณาวังดีปรารถนาดีต่อกันเนี่ยเป็นเป็นคุณธรรมที่ขาดไม่ได้ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการฟังธรรมเนี่ยนะ ก็มาดูมงคลข้อต่อไปเลยนะได้กี่มงคลแล้วเนาะได้กี่มงคลงทำไมพูดไม่เหมือนกันเน่ะไม่ได้เรียนด้วยกันหรืออันนะะขึ้นมงคลที่ยี่สิบหกเนาะเจนผ่านแล้วก็มาขึ้นตอนนี้ยังอยู่ในคาถาว่าคารวโจะนิวาโตจะอะไรสันตุ ธ, ธีจะกะตัญญา กาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังคลมุตต ม, มังนั่นนะก็มาขึ้นการฟังธรรมการฟังธรรมที่ถูกต้องนั้นอ่ะฟังยังไงฟังเพื่อบรรเทาความวิตกในการที่จิตประกอบด้วยอุทจฉะหรือจิตถูกวิตกทั้งหลายมีการมวิตกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำชื่อว่าการฟังธรรมตามการังนั้นคนที่ฟังธรรมนั้นควรจะเลือกเวลาโดยเฉพาะขณะที่อคุศลวิตกเนี่ยนะ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟังธรรมตรงนี้ท่านให้เหตุผลให้เห็นความสำคัญตอนที่ขณะที่อากูศลวิตตกมันครอบงำฟุ้งซ่านแทนที่จะปล่อยความคิดไปเรื่อยเปื่อยนะอ่านพระไตรปิฎกดีกว่าฟังธรรมดีกว่าเนี่ยนะนะเมื่อไรที่ยิ่งฟุ้งเนี่ยยิ่งต้องหันไปหาพระธรรมใช่ไหอันนี้เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งและที่สาคัญมากท่านบอกว่า เวลาที่อากุศลวิตกเกิดขึ้นเวลานั้นแหละเวลาที่สมควรเข้าไปหากัลยาณมิตรเพื่อฟังธรรมถ้ากล่าวถึงพระพิสุในในที่อยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยนะเมื่อใดที่อากุศลวิตกเกิดขึ้นควรจะไปฟังธรรมเพื่อกาจัดราคะ น, นะกำจัดกามวิต ก, ฟ, ก, าาตกฟังธรรมเพื่อกาจัดพยาบาทวิตกฟังธรรมเพื่อกาจัดวิหิงสาวิตกเนี่ยนะก็ได้เวลาฟังธรรมแล้วก็คือเวลาที่อกุศลวิตกครอบ ง, งา นั้นการฟังธรรมตามการนั้นก็ฟังธรรมเพื่อกำจัดบาปกำจัดอกุศลไม่ให้บาปอากุศลเนีกลุ่มรุมอีกอีกพวกหนึ่งท่านกล่าวว่าอาจารย์บางท่านแนะนำว่าฟังธรรมทุกๆุห้าวันชื่อว่าฟังธรรมตามการทุกๆุห้าวันนะของเราพอไหมทุกๆุห้าวันคุณนภาไม่พอแล้วนะเอาทุกวันใช่ไหมแล้ววันละกี่กี่นาที ไม่ไม่เป็นนาทีแล้วก็ว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะนะวันละแปดเก้าชั่วโมงเลยนะก็สาธุนั่นะก็ <c oughs> นับว่ายุคนี้นะเป็นยุคที่ได้ฟังทำมากอนะแต่ว่าขีดความสามารถไม่ค่อยมากแต่ถ้าเทียบจํานวนในการฟังมากรุกยุคเราเนี่ยฟังมากจริงๆริงนะนะฟังมากอ่านมากเรียนมากแต่รู้ว่าความสามารถไม่มากเนี่ยนะ ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคือคือในส่วนที่แง่บุญเก่าก็เยอะละในแง่บุญเก่านะโสตะวิญ ญ, ญาณจักขูวิญญาณเนี่ยตรงนี้เยอะแต่ว่ามโนวิญญาณนี่ไม่ค่อยดีมโนวิญญาณคือชาวนะไม่ค่อยดีนักนะก็เลยได้เท่าที่ได้แต่ก็สําคัญสําคัญนะก็ให้ให้ผ่านหูไปก่อนสติปัญญาน้อยเนี่ยหลายรอบเข้าว่าอ่านบ่อยๆ อ, อ่านมากๆ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 ก็คือว่าถ้าเรียนเท่ากันพร้อมกันกับผู้การนะของมาห่างผู้การเยอะ mm. ก็<ๆ>ก็เรียกว่าเป็นก้นกุฏิผู้การได้เลยนะ mm. ก็คือก็เป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างว่าผู้การนี่อ่านหนังสือดูซ้ํากันสี่ครั้งจําได้หมดเลย mm. ผู้การลองท่องต้นไม้ใบย้าให้ฟังหน่อยนะก็จําชื่ออะไรจําได้เก่งมากจําได้เยอะแยะไปหมดเลยเพียง <laughs> แต่เสียดายไม่ได้ถ้าเอาจํมาริยาศัพท์นะปัณณีเกือบบรรลุไปแล้ว <laughs> ว่าไปจําอะไรก็ไม่รู้ท <c oughs> ันที่สําคัญนะพยายามแบ่งเวลาให้ให้การศึกษาพระธรรมเขาก็มีบางคนนะ <c oughs> เขาเขาฟังมากนะแต่ว่าอันนี้นี่เป็นบางคนนะ <c oughs> เขานั่งฟังธรรมนะฟังตั้งแต่เชา้าจนค่ําฟังตั้งแต่เชา้าจนค่ําเลยนะเขามาเดาแล้วว่าคนนี้ศึกษาอีกไม่นานจะเลิกแล้วก็เลิกจริงๆรอย่างนี้อันนี้เกินไปนะนะแต่ก็อันนี้นี่บางคนนะที่ไม่ใช่คุณอุไร <c oughs> คุณอุไรก็กล่มเดียวกันนะนะฟังไม่ยอมลงบ้านลงช่องเลยนะก็อเอากันขนาดนั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่เลิกกันะแต่บางคนเนี่ยโอ้โหเส้นฟังมากๆเราดูแล้วทําถ้าจะเลิกแน่ฟังขนาดนี้นะคือคือเหมือนกับเหมือนอาหารที่มันทานเกินไปใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อองค์หนึ่งโอ้โหอยากฉันมะพร้าวมากก็เลยเอามาให้ทลายหนึ่งท่านฉันหมดทลายเลยไอเจียนออกหมดหลังจากนั้นก็เลิกฉันมะพร้าวเลยเนี่ย น, นะอันนั้นก็เกินไปใช่ไหมการฟังทำก็ความพอดีนิดจึง สำคัญมากเขาเรียกว่าตามการอันหนึ่งการใดที่สู่เข้าไปหากาลยานมิตรแล้วอาจฟังธรรมบรรเทาความสงสัยของตนเสียได้การฟังธรรมแม้ในการนั้นพึงทราบว่าการฟังธรรมตามการก็ท่านให้เห็นความสําคัญว่าเป็นการฟังธรรมเพื่อกําจัดนิวร น, นนนะัคือจริงๆจะไม่ขัดกับที่อื่นเลยใช่ไหมว่าพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าภายเราะในเบื้องต้นเพราะฟังแล้วกําจัดนิวรนนิวรนไม่กลุ่มรุม น, นะภายรอในท่ามกลางเพราะว่าปฏิบัติแล้วก็ได้ปีติปราโมทย์ผลของการปฏิบัติในที่สุดก็บรรลุมรรคผลเข้าถึงโลกุตระสก์ั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นเราพยายามสังเกตนิวรณ์ของเรานะว่าการฟังธรรมเพื่อกําจัดนิวรณ์ทำยังไงนิวรณ์จะได้ไม่กลุ่มรุมมันในยุคนี้เป็นยุคที่อุทธจักรค่อนข้างกําเริบสูงมากนีนิวรณ์กลุ่มรุมมากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่ก็ อย่างน้อยก็บรรเทาบาปบรรเทาอากุศลเนี่ยนะเพราะว่าถ้าตายตอนอุททะจักกำเริมไม่รู้จะไปไหนเนาะเกิดที่ไหนดีคุณโชคดีมออกความเห็ น, เ, นเก็บเก็บไว้เถอะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยนะเพื่อกําจัดนิวรเนี่ยนับว่าเป็นความฉลาดที่สุดปัญญาของเราทั้งหลายที่มันคิดอะไรไม่ออกเนื่องจากนิวรมันกลุ่มลมเนี่ยนะถ้าโดยพื้นฐานเนี่ยนะจิตทุกคนเกิดดับเร็วเท่ากันจิตเรากับจิตพระพุทธเจ้าเกิดดับเร็วเท่ากัน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 พวังนี้กําหนดให้เกิดเลยนิดเดียวพอแล้วก็เป็นชาวนะพระองค์จึงแสดงย ม, มะกะปารติหารได้ถามว่าเรามาดูความอัศจรรย์นะเฉพาะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพระองค์นั้นน่ะเวลาที่แสดงย ม, มะกะปารติหารนะเนรมิตพระพุทธเนรมิตรขึ้นมาหนึ่งองค์ที่มีรมัศมีมีอะไรเหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่างถ้าพระองค์เดินพระพุทธเนรมิตรนั่งถ้าพระพุทธเนรมิตรนั่งพระองค์คือใช้คนละอิริยาบทเนี่ยนะ อิริยาบทเนี่ยเหมือนกับว่าให้พระพุทธเนเรมิดเนี่ยขึ้นแล้วสองต้องให้มีรมัศมีแลวต้องมีอิริยาบทใช่ไหมแล้วบริษัทที่ประชมกันเนี่ยนะเป็นพันล้านคนที่มาอยู่แถวแวนั้นทั้งมนุษย์เทวดาเนี่ยเป็นพันล้านแล้วก็ะองค์ตรวจสอบจิตของทุกคนหมดแล้วลึลึกชาติถึงของอดีตของบุคคล น, นั้นทั้งหมดตรวจดูว่าผู้จะบรรลุในนั้นมีกี่คนแล้วต้องแสดงทำด้วยนะ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 กบกเปลี่ยไปหมดเลยนะเหมือนกับว่าร่างกายทุกคนก็ควรจะแข็งแรงใช่ไหมแต่โรคภัยไข้เจ็บมันกลุ่มรุมซะจนไม่มีค่อยมีเรี่ยวมีแรงความคิดก็เหมือนกันใช้ความคิดก็ไม่ได้นั่งนิ่งก็จะง่วงเต็มทีตื่นขึ้นมาก็ฟุ้งต่ออย่างไงมันก็ยังนแล้วก็การฟังธรรมนี่ก็นับว่าช่วยเป็นอย่างมากอ่นะหรือหรือถ้าผู้ใดที่มีความสามารถสูงถึงกระตึกได้สาธยายได้อะไรได้ก็ถือว่าเก่งละ แต่ว่าถ้าเป็นการฟังนี่ก็นับว่าเบื้องต้นเลยในคำภีร์หลายแห่งกล่าวว่าพระอรหันต์เนี่ยชอบฟังธรรมนันะแม้แต่พระอรหันต์ก็ชอบฟังธรรมแต่ก็คงไม่ลืมใช่ไหมว่าฟังอันนั้นฟังอะไรอริยสัจเขาบอกว่าบัณฑิต ท, ทั้งหลายฟังอริยสัจฟังอยู่ร้อยปีก็ไม่เบื่อนันะของเราดูว่าคิดอริยสัจนี่ใกล้จะเบื่อหรือยังก็ก็แสดงว่าไม่ใช่บัณฑิตใช่ไหมตอนเบื่อก็ไม่ใช่บัณฑิต พนการฟังทำตามการนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเหตุประสบผลวิเศษนานาประการมีการละนิวรห้าละนิวรห้าขณะฟังใช่ไหมแล้วก็ได้อ น, นิสงส์สี่แล้วก็บรรลุธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นดังท่านยกตัวอย่างในนิวรนานี้นิวรนานิวรณสูตรเนี่ยนะเล่มสามสิบ ไปดูเอานะเล่มสามสิบหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเนี่ยยกตัวอย่างว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายสมัยใดพระอริยาสาวกใส่ใจทำให้เป็นประโยชน์รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยใจเงี้ยโสตฟังธรรมสมัยนั้นนิวรณห้าของพระอริยาสาวกนั้นย่อมไม่มีโพชฌงเจ็ดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์นนะนั่นก็ ขณะที่เงียบ ป, ประมวลจิตทุกชนิดขึ้นมาเพื่อที่จะฟังธรรมโดยที่ไม่สนใจในเรื่องอื่นเลยเนี่ยนะมุ่งไปสู่การฟังอริยสัจจะทำเนี่ยนะพันขณะที่เงียโสดลงฟังอย่างนั้นนิ่นวอนี่สงบประงับหมดโคดชงประชุมกันขึ้นมันสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้สมัยพุทธกาลที่เขาบรรลุมรรคผลเนี่ยเนื่องจากเขาทาอย่างนั้น ของเราเคยไม่อ่านสูตรใดแล้วประมวลจิตทั้งหมดเพ่งไปที่สูตรนั้นแล้วเจริญคุณธรรมให้มีตามที่สูตรนั้นแสดงเราเคยตั้งอัตตาสัมมาปณิที่อันนี้หรือยังว่าสูตรนี้นี่แหละจะทําให้เราตรัสรู้เนะพระธรรมหมวดนี้แหละที่เราจะทําให้เราบรรลุคุณชูศรีจะบรรลุเลิศเกินเนี่ยนะตั้งอย่างนั้นหรือยังเงียบเลยไม่ยังไม่อมอกความเห็นเลยคือถ้าผู้ที่ปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆนะปรารถนาบรรลุจริงๆต้องทําเช่นนั้น อันนี้บอกวิธีให้อะนะแต่ขขามาก็ยังทําไม่ได้ส่วนอันนี้สองสี่ประการเนี่ยนะก็ดูในโซตานุคตะสูตรเนี่ยนะโซตานุคตะสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาศเล่มที่สันปกนะนัมเบอร์สามสิบห้าหน้าสี่ร้อยเจ็ดสิบหน้าสี่ร้อยเจ็ดสิบมหาวัคที่ห้าโซตานุคติโซตานุคตะสูตรข้อหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันนี้สงสี่ประการแห่งการฟังธรรมที่บุคคลฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้ว ย, วยทิฐิอันบุคคลนั้นนพึงหวังได้อนะอันนี้สงสี่ประการนะที่ฟังอย่างดีมาเนี่ยเป็นการชินิตฟังไว้แล้วคล่องปากขึ้นใจด้วยนะแทงตลอดด้วยดีด้ว ย, วยทิฐิสี่ประการนี่เป็นไง ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมะคือสุตะขเยะเวยกากรณาคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมเวทละธรรมะเหล่านั้นอันภิสูุนั้นฟังเนืองเนือ ง, เนองคล่องปากขึ้นใจได้ฟังยังไงนะจนคล่องปากะนะจะเป็นสำนวนอย่าไปคิดอะไรมากเพราะฉะนั้นเมื่อฟังจนคล่องปากขึ้นใจอย่างนี้แล้วแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหมายถึงว่าฟังแล้วเข้าใจเหตุผลอย่างพลุโ ป, ปรง่ง เป็นการฟังแบบทุกคำไม่มีตกหล่นแล้วก็แทงตลอดด้วยดีเข้าใจทุกคำทุกพยัญชนะเนี่ยนะเธอมีสติหลงลืมคำว่ามีสติหลงลืมในที่นี้แปลว่าตายแบบปุตุช น, นนะปุตุชนตายนี่นะสูตรนี้เนี่ยโสตานุคตาสูตรถือว่าหลงลืมสติตายเพราะเป็นปุตุชนตายเนนะเมื่อกระทากาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งหมายถึงว่า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 บางทีที่เราอาจจะยังไม่ได้บรรลุชาตินี้เพราะว่าชาวนาโมแต่ทวีเหตุกะอยู่นะชาติถ้าชาตินี้ท่องเอาไวด้ดีจำเอาไวด้ดีติเหตุกะนำเกิดก็บรรลุเร็วอย่างเงี้ยนะนั่นก็ไม่แน่นะไม่แน่เอกประการหนึ่งที่สุ่ย่อมละเรียนธรรมะคือสุตตะคยะวยาวยกรณาคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทะละธรรมะเหล่านั้น เป็นธรรมะอันภิสูจนั้นฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดวีด้วยทิฐิเธอมีสติหลงลืมอ <me an> ันนี้หมายถึงตายแบบปุตุชนอีกเมื่อกระทากาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยลืมสนิทเลยนะพอไปได้กรรมฐานที่ดีย่ยมลืมสนิทหมดเลยนะ แต่เธอแต่ภิกษุผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญแห่งจิตแสดงธรรมแก่เทพบริษัทเธอมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าในการก่อนเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยใดนี้คือธรรมวินายนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมบรรลุ ค, คุณวิเศษเร็วพลันดูกนภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงกลองเขาเดินทางไกลเพิ่งได้ยินเสียงกลองเขาไม่พึงมีความสงสยัย หรือเคลือบแคลงว่าเสียงกลองหรือไม่ใช่หนอที่แท้เขาพึงถึงความตกลงใจว่าเสียงกลองทีเดียวฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเล่าเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็สามารถที่จะบรรลุคุณวิเศษเพราะได้ยินพระภิกษุบางรูปที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงอริยสัตว์ในสวรรค์นเนี่ยนะไม่บรรลุเองหรอกแต่ว่าพระภิกษุแสดงเลยบรรลุเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์ของการเรียนธรรมะเอาไว้ดีอย่างที่สอง ส่วนอย่างที่สามนยะที่สามว่าโดยรวบรัฐก็คือเทพประบรูอ่าท่านใดท่านหนึ่งในสวรรค์นั่นแหละแสดงทำให้ฟัง<อ>ก็บรรลุอีกนะเทวดาแสดงเทวดาก็บรรลุนะนั้นผู้การไม่ต้องเสียใจไปเรียนต่อที่นั่นได้นะก็สา ม, มารถเรียนที่นั่นได้สบายๆนะก็เรียนชาตินี้เอาไว้ให้ดีๆก็แล้วกันนะนะไม่ใช่ไปถึงโน้นก็ลืมหมดเลยนะ มันลำบากนันก็ถ้าเรียนเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วไปถึงโน่นก็ไม่น่ามีปัญหานะไปเรียนต่อได้อีกเลยวันก่อนนะ<ม>นั่งรถไปกับจายสันติอาจารย์สันติไปเคยไปแสดงคำที่เรือนจำอะนะบอกโอ้มาอยู่นี่กันหมดเลยมางั้นมีหน้าอะอยู่นี่ทั้หมดเลยนะปัญ <laughs> าเห็นใจนะก็ผู้ชายน้อยๆนี่พวกเราหลุดมาได้เองก็นับว่าแหมมีบุญมากแล้วเนี่ยต้องทำบุญต่อไป ส่วนในที่สามในที่สามในที่หนึ่งนะคือไปเกิดในสวรรค์แล้วบรรลุเองเลยใช่ไหมพ่อเรียนไว้ดีข้อสองภิกษุไปแสดงแล้วบรรลุเปรียบเหมือนฉลาดในเสียงเสียงกลองในที่สามเทวดาด้วยกรรมแสดงแล้วบรรลุประดุษผู้ฉลาดในเสียงสังนะผู้ฉลาดในเสียงสังส่วนในที่สี่อีกประการหนึ่งก็เรียนพระไตรปิฎกไว้วว่าอย่างช่ำชองเลย น, น, นะภิกษุ แต่เทพบุตรนั้นอะถูกเทพบุตรอื่นตักเตือนนะแต่เทพบุตรผู้เกิดก่อนตักเตือนเทพบุตรผู้เกิดทีหลังนะเทวดาที่เขาอายุยืนกว่าใช่ไหมเขาเห็นเราไปเกิดแล้วมัวแต่เพลินในกามอยู่นั่นท่านก็เลยเตือนเราว่าท่านผู้นิรุตุกย่อมระลึกได้หรือว่าเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในการก่อนเธอกล่าวอย่างนี้ว่าเราระลึกได้ท่านผู้นิรุตุก ท่านผูน้เนรทุกสติบังเกิดชา้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันนั่นนะก็ถูกเตือนนะนะถูกเทวดาด้วยกันเข้าเตือนนะนะมาชี้ชัดเลยเมื่อก่อนท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้นะในสักกะปัญหาสูตรใช่ไหมชื่อเทพปุะบชื่ออะไรโคปาก า, ารเทพปุะบุหรือชื่ออะไรอั่นเทพเทพปุะบชื่อว่าโคปาการใช่ไหมเตือนพระพิสุสามรูปอะ่ะคือเขามีมีตอนที่เทวดาเนี่ยนะเทวดาชั้นจ่าตุมเนี่ยเข้าไปเฝ้าเท้าสักกะ ทีนี้มันมีเทวดาชั้นจาตุมอยู่สามท่านพิเศษกว่าคนอื่นรัศมีมากกว่าคนอื่นเป็นต้นอะแต่ว่าเป็นเทวดานักร้องะเทวดานักร้องโมเดอร์เพลิดเพลินแต่ว่ามีเดทมีรัศมีมากกว่าคนอื่นมากเลยนะโคภักเกะเทพพบุตรเห็นแล้วก็สงสยัยเอ๊ะเทวดาสามท่านนี้ทําไมมีมีเรียดรัศมีมากเหลือเกินตรวจ ด, ดูอ้าวนี่ภิกษุที่เคยไปฉันอาหารที่บ้านประจํานี่อะนะมาเป็นนักรอ้องอะนะ ก็เลยเตือนว่าสามท่านเมื่อก่อนท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้บางงก็เลยเตือนเตือนแล้วก็สองรูปบรรลุเลยอีกรูปหนึ่งขอเป็นนักร้องต่อไปติดเป็นนักร้องเลยนะเพราะฉะนั้นเทวดาเขาก็เตือนกันก็บรรลุได้ในตอนหลังนั้นของเราก็ถ้าเรียนไว้ดีนี่ไม่น่ามีปัญหาเลยนะบางทีอาจจะบรรลุได้เองก็ได้สองฟังธรรมที่ภิกษุแสดงก็บรรลุได้อย่างที่สาม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 อย่างดีจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจจนคล่องปากและขึ้นใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นอั น, นิี้สองของการฟังทำไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าทำเนี่ยเรียนไปเธอก่อนที่ไม่มีโอกาสจะเรียนเนี่ยถ้าเรียนเอาไว้ดีก็ชาติหน้าก็บรรลุเร็วเหมือนกันเถิดอีกสูตรหนึ่งนะท่านยกตัวอย่างมาจากกาละสูตรกาละนะกไกส์ซาลอลิงกาละสูตรอังคุตรนิกายจตุการนิบาศเล่มเดียวกันนี่แหละหน้าสามร้อยหกสิบสี่ว่า ดูควาิสูจทั้งหลายธรรมะสี่เหล่านี้อันพิสูจอบรมโดยชอบหมุนเวียนไปโดยชอบตลอดการตามการย่อมให้ถึงธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะโดยลําดับธรรมะสี่ประการคือฟังธรรมตามการานะหน้าเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกหน้าเท่าไหร่สามร้อยหกสิบสี่นะคือธรรมะสี่ประการเนี่ยนะกาลสี่ประการเนี่ยอันบุคคลบําเพ็ญโดยชอบเปลี่ยนแปลงอยู่โดยชอบ ย่อมยังบุคคลให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลําดับกาละศรีคืออะไรบ้างหนึ่งฟังธรรมตามการสองสนทนาธรรมตามการสามทำสมถ t ตามการสี่ทำวิปัสนาตามการนี่แหละกาละศรีบุคคลบําเพ็ญโดยชอบเปลี่ยนแปลงอยู่โดยชอบย่อมยังบุคคลนั้นให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลําดับเห็นหั้มอันอสําคัญมากเลยนะสี่ประการเนี่ยหนึ่ง ฟังทำตามการสองสนทนาธรรมตามการสสมถะตามการสวิปัสสนาตามการภิกษูทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหนาตกบนภูเขาน้ําไหลไปตามที่ลุ่มยังซอกเขาและลํารางทางน้ําให้เต็มซอกเขาและลํารางทางน้ําเต็มแล้วย่อมยังหนองให้เต็มน้องที่เต็มแล้วย่อมย่างบึงให้เต็มบึงที่เต็มแล้วย่อมยังคลองให้เต็ม คลองที่เต็มแล้วย่อมยังแม่น้ำให้เต็มแม่น้ำเต็มแล้วย่อมยังทะเลให้เต็มฉั้นใดกาละสีนี้เมื่อบุคคลบาเพ็ญโดยชอบเปลี่ยนแปลงอยู่โดยชอบย่อมยังบุคคลนั้นให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นและนะกาละสีประการนะทำให้ถูกการว่าการไหนเป็นการที่ควรฟังธรรมการไหนเป็นการที่ควรสนทนาธรรมการไหนเป็นการที่ควรสมถะการไหนควรวิปัสสนาเราได้กี่การละ เราเราเราเราเราได้กี่การแล้วหนาะนะนะที่ได้ยินก็คือสองนี่แหละเช้ามืดนะยังมาสนธนาธรรมกันเลยนะบางคณะก็อิติพิโสบางคณะก็จักขู่เป็นของร้อนเนี่ยนะก็มีหลายคณะด้วยกันนะนะได้ยินไปถึงกุฏิเลยพระก็เลยได้นิสงส์ฟังทมไปด้วยแล้วนกะ็ปฏิบัติตามกาลสูตรนะนะก็เชื่อเหอะทีนี้ เราทั้งหลายเพิ่งทําอยู่ไม่นานถ้าทําอยู่อย่างนี้สักครึ่งค่อนชีวิตนะมักผลจะไปไหนเสียเนี่ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่หลายท่านก็บนว่าขวานเกือบบินซะแล้วมันก็นี่แหละมันก็หาเรื่องท้ออีกจนได้นั่นนะหาเหตุจนจะเลิอกอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นควรจะหาเหตุว่ายังไงก็เลิกไม่ได้หรอกชีวิตนี้ขอถวายแด่พ ร, รนนะพระรัตนตรัยเนี่ยนะขอถวายแก่พระพุทธเจ้าถวายแก่พระธรรมถวายแก่พระสงฆ์จะเลิอกอย่างอื่นนี้พอเลิกได้แต่เลิก นับถือพระรัตนตรายเลิกคิดถึงพระรัตน์พระรัตนตรายเลิกคิดถึงธทำคงทําไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเป็นอย่างนั้นก็ใกล้ความเป็นทัศนดาบันเข้ามาทุกทีแล้วใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วใกล้กี่กิโลอีกเนาะ <c oughs> <c oughs> กี่กิโลน่้ไหมออพี่เพียกิโลแมว <c oughs> แหมพูดซะตกทออีกจนได้หาเรืออ่องจนตัวเองพออีกนั่นแหละใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้ว ก็กิโลแมวก็กิโลคอมเมนตนี่เหมือนกันนะก็บอกไปกินข้าวเช้าทันเนี่ยนะเมนก็กว่าออกแต่เช้ามืดเนี่ยหัวค่ําแล้วยังไม่ถึงเลยอ่ะคือตัวนั่นนะกินข้าวเช้าทันหรือมันแปลว่าอะไรอาจจะ ก, กินไปกินข้าวเช้าพรุ่งนี้ทันนี่ยนะมันก็บอกว่าชาวป่าเนี่ยไปถามบางทีเรื่องว่ามันอีกไกลเท่าไหร่นี่ไอไม่ไกลเข้าเนี่ยนะอย่าไปคิดว่ามันใกล้นะ นะของกลับมาทบทวนว่าอา น, นิสงส์งแห่งการฟังธรรมนี้สําคัญมากทีนี้สิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งว่าธรรมะที่เราฟังไว้ดีๆเนี่ยนะที่เราเข้าใจว่าเราเข้าใจดีเนี่ยนะจําได้จําได้ว่ายังไง น, นะนะสมมตินะทุกคนเนี่ยจำได้ใช่ไหมชาติพิทุกขาชราพิทุกขามรณะพิทุกขังโสกะปริเทวทุกโทมณสุปายาสาพิทุกขาปีเยหิเป็นต้นจําได้กันหมดเลยจําได้ไหมจําได้ ที่นี้เห็นใครเดินมาเราจําได้อย่างนั้นไหมจําอย่างนั้นหรือเปล่าเอาสมมุตินะเออเอาแบบว่าเรารู้ละชาติปิตุขาชราปิตุขาขันธาตุยจตนาเนี่ยเห็นคุณวิลาวันมาแล้วเป็นอย่างนั้นไหมใช่ใชคุณวิลาวันเนี่ยได้ให้แนะนําสังเวกขาวัตถุเลยนะกระเทือนกันหลายคนเกินที่จริงเนี่ยนะเราฟังฟังเยอะจริงแต่เราเอามาใช้อะไรไม่ค่อยได้เลยอย่างเช่นเราฟังเรื่องขันธาณะ ขันห้านี่ขันคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรารับอารมณ์ทวารหกไม่เคยมานิการโดยความเป็นขันห้าหรือมานิการก็น้อยเกินไปที่จะยอมรับว่าเป็นขันห้าอย่างที่เรียกว่าทุกขาริยสัต์ชาติปีทุกขาเป็นต้นเนี่ยนะเห็นใครไปเห็นใครมานึกถึงใครมากนึกถึงใครก็ไม่ค่อยคิดถึงว่านั่นคืออริยสัต์นั่นคือทุกขสัต์เนี่ยนะ อันนี้คือมันมันไม่พอจริงๆที่เรียกว่ารู้จริงเราได้ยินได้ฟังเฉยๆเรายังไม่รู้จริงๆเนี่ยนะเพราะเราไม่เคยเอามามนัสการเลยมีไหมนึกถึงเพื่อนเออนั่นแหละชาติาาาพิทุกขาชราพิทุกขามรณน้ำพิทุกขังเป็นต้นเนี่ยนะนึกถึงอะไรก็ช่างแต่ที่เรานึกถึงอารมณ์ที่เรานึกทุกอารมณ์เลยนะชาติพิทุกขาหมดเลยเนี่ยนะแต่ถ้าคุณหมอก็ไม่ค่อยยากใช่ไหมนึกถึงคนไข้คนไหนก็ชาตาชาาิพิทุกขาชราพิทุกขามรณน้ำพิทุกขังเนี่ยนะ ตอนั้นก็ท่านนี้ก็ไม่แน่นะมองอาจจะไปดีกว่าเราก็ได้เนี่ยนะนึกถึงอริยสัจได้บ่อยเลยใช่ไหมก็ irable, สําคัญที่สุดว่าเราจะนึกได้บ่อยหรือไม่แค่นั้นเองแต่ที่สําคัญจริงๆเหรอนะคิดจะนึกบ้างหรือเปล่าอ่านะในบรรดาทั้งหมดเนี่ยอยากถามจริงๆว่าคิดจะน้อมไปเพื่อจะนึกอย่างนี้ไหมปหนาเห็นผู้กราร น, นึกอย่างนี้เลยไหมหรือไม่กล้ากล้านึกเดี๋ยวจะเหมือนแช่งแช่งญาติเนี่ยนะไม่ใช่นะไม่ได้แช่งแต่สัจจะจริงๆเป็นเช่นนั้นใช่ไหม ผู้การก็ชาติปิทุกขาชร า, าปิทุกขามรณะปีทุกขังโสกศปริเทวะทุกขโทรมรัตสุปายาสาปีทุกขาอยู่แล้วละเดี๋ยวก็บางครั้งก็อปิเยหิบ้างพลัดพรากจากของรักบ้างบางทีก็ประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างปรารถนาแล้วไม่สมหวังบ้างแต่ตะ ว, ว่าไปแยกแยะไปแล้วก็คือขันท่านั่นแหละใช่ไหมที่พระ อ, องค์จําแนกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะนั้นถ้าคิดอย่างนี้ได้บ่อยๆกับทุกคนเนี่ยนะเชื่อไหมว่าใกล้เห็นสัจจะตาม ตามเป็นจริงแล้วแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยได้ยินฟังทำที่เออใช่ใช่ใช่แล้วก็ลืมต่ออันนี้นี่มันก็ไม่คูควรแลว้วจะบรรลุเนี่ยนะเนี่นนี้ก็กลับไปก็ไปทำกันบ้านอันนี้เยอะๆหน่อยนะนึกถึงนักเรียนเมื่อไหร่ก็ชาตินึกถึงชาติชราพยาที่มรณะอีกแล้วเนาะเนี่ยนะหรือไม่ก็คิดแบบนี้ก็ได้ถ้าใครสาธยายอาทิตตปริย า, าสูตรได้ใช่ไหมจักขโคของเราเนี่ยนะเอาไล่เป็นภายในก่อนนะจักขโค ข, ของเราเนี่ยเป็นของร้อน สีผิวของเราสีทั้งหมดในร่างกายเราก็เป็นของร้อนจิตเห็นของเราก็เป็นของรอ้อนจะอ่ะนะสามอย่างประชุมกันก็เป็นของร้อนภเวทนาก็เป็นของร้อนไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์อทุกขมสุขภเวทนาก็เป็นของร้อนทุกอย่างร้อนเพราะไฟคือราคะถ้ามันดีเราก็ชอบถ้ามันไม่ดีไฟคือโทสะกระเผาไม่พิจารณาไฟคือโมหะกระเพร า, านะแล้วก็ไอ้ขันอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามารณะโสกปริเทวทุกขโทมานัสและอุปายา ไอ้แนวเดียวกันเนี่ยก็นึกถึงอาจารย์สันติเหมือนกันว่าจากครูอาจารย์สันติก็ของร้อนสีของอาจารย์สันติก็เป็นของร้อนจากครูวิญญาณก็เป็นของร้อนจากครูสัมผัสก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทานาเกะเปะที่มีจากครูสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือชาติชรามราณาโศกกะปริเทวทุกขโทมานสัสและอุปาญะก็เป็นของร้อนนี่นะก็ไล่ไปหายมอ้วนแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้ทุกคนไปก็ ถามว่าเพียงพอไหมถ้าจะบรรลุมรรคผลเนะ่ยถ้าเอามาเอามาคิดอย่างนี้จริงๆเลยนะเพียงพอไหมที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำลังในสําคัญก็คือมันไม่คิดจะคิดน่ยสิเนี่ยในมันยากมากไม่รู้พระจะไปจับใจตรงไหนไม่รู้ให้ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิขึ้นในตรงนี้ยากมากๆเลยนะคือที่จริงถ้าน้อมไปตรึกมากๆนลนะเช่นโดยเฉพาะเอาเอาคนที่เรารู้จักที่เราคุ้นเคยเนี่ยเอามาคิดอย่างนี้กับทุกคนไม่เลือกแม้กระทั่ง บทพริยาบิดามารดาญาติมิตรทุกคนเนี่ยมาสาธยายใครครวรตามนี้หมดเชื่อเลยว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอภิชากับโทมนัตของเราอีกต่อไปเนีย่ยนะคือมีปัญหาก็แก้ไปตามเนื้อหาเรื่องราวนั้นไปแต่ว่าไม่เข้าไปมีอภิชากับโทมนัตเพราะวัตถุนั้นอย่างน้อยเราเริ่มทําตีระปริญญาไประดับหนึ่งอยู่แล้วฮั้นพื้นฐานแต่ละคนก็มีกรรมมศกตาพอสมควรอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเพียงพอที่จะทําตีรณะปริญญาเหล่านี้นะสําคัญก็คือเนี่ยสุตะที่เพียงพอนี้ควรเป็นเช่นนี้หมาว่าใครจํามีพระพิสุทธ์สองรูปเขามาคุยกันท่านจําได้เท่าไหร่ผมจําได้เท่านี้เรามาเรามาแข่งกันใครจําได้มากกว่ากันนะพระพุทธเจ้าเรียกมาตําหนิมากเลยนะเรียกโมฆะบุรุษเลยนะตําหนิมากเลยนะสมัยพุทธกาลเพราะว่าไม่ถูกวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงสแสดงเนี่ยนะมันเราก็ควรจะถึงเรียนไม่มากนะถ้า เนี่ยจำได้ชาติชราพยาที่มรณะขันหานะคิดอย่างนี้นะทั้งวันทั้งคืนให้เป็นไปได้อย่างตอ่อเนื่องเดินก็ตรึกอย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถสีวันคืนให้เป็นไปด้วยการคิดอย่างนี้เนี่ยนะพอไหมที่จะเบื่อหน่ายเกิดสําคัญนะกองมาอยากให้ไปลองคิดอย่างนี้เนี่ยนะสักอาทิตย์หนึ่งค่ะแต่ถ้าคิดอย่างนี้สักอาทิตย์หนึ่งไม่มีผลอะไรเลยนะอยากให้มาว่ามาต่อว่าได้เลยนะแต่มาเข้ามาเป็นนึกจริงๆนะ ไม่ใช่ว่านึกวันนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็วันที่เจ็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาต่อว่าเนี่ยนะตรงนี้ก็ของใครก็ของใครนะอนามาก็จะตารบเรื่องกรรมแล้วล่ะแต่ถ้านี่ก็มันไปเรื่องเอาบ่อยๆเหอะคือจริงๆนะธรรมะที่เราเรียนมาหลายๆคนที่นั่งฟังมาเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะเอาไปไปตรึกไปเจริญไปพิจารณาได้จริงๆอย่างโลกานิโรทสูตรเนี่ยนะเมื่อไร่เราจะพิจารณาเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างก็พอได้แล้ว อธิตปริยัชสูตรเนี่ยจำอยู่สูตรเดียวนี่แหละก็ทั้งพิจารณาภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกอดีตอนาคตและปัจจุบันแค่นี้ก็คิดว่าพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยนะแต่ในถ้าว่าที่มันยากก็คือมันไม่ยอมทำแล้วก็ทำไม่ค่อยได้เนี่ยนี่แต่อย่างที่กล่าวทวนย้ำอีกครั้งว่าไม่คิดจะทำนี่สิอันนี้ยากก็ที่ที่น่าคิดอย่างหนึ่งว่าการคิดอย่างนี้เป็นสุจริตไหม อันเนี้ยทําไมไม่คิดว่าสิ่งนี้ก็เป็นสุจริตอยู่แล้วเมื่อคิดอย่างนี้ก็เป็นมโนสุจริตไม่ใช่หรือเนี่ยนะถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยอาราฆาเกิดไหมโทสะเกิดไหมอภิชาเกิดไหมโทมนัตเกิดไหมมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นไหมในขณะที่คิดอย่างนี้ก็ไม่เป็นนั่นก็เป็นสุจริตแล้วทํำยังไงจะทําสิ่งนี้ให้เป็นตะบะเป็นตะบะหมายคาอว่าเป็นเดชเป็นสิ่งที่มีบ่อยมีมากมีจนชํานาญทางทางจิตจริงๆอนะ จนเขาเรียกว่าเอาระดับจิตตะครืหาบดีก็ได้จิตตะครืหาบดีก่อนจะตายเทวดามาขอร้องบอกท่านจิตตะครืหาบดีท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะท่านประตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นจักรพรรดิสมบัติเถิดท่านฟังแล้วบอกว่าสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงะท่านว่าเลยแม้อย่างนั้นก็ไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเจริญได้เป็นอย่างดีใช่ไหมถ้าใครบอกว่านั่นดอกไม้ดอกไม้กัอของร้อนเนี่ย ก็ก็จิตก็จะได้ไม่เกาะเกี่ยวใช่ไหมเมื่อจิตไม่เกาะเกี่ยวได้ก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ในยะหัวข้อที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะถ้าเรียนถ้าทำไปทุกสู่ทุกสูตรจะรู้ว่าวัตถุประสงค์อันเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นกลุ่มอกคติตันยูรุ่นแรกๆเช่นกลุ่มชะเดนสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารพันหนึ่งเนี่ยนะฟังสูตรเหล่านี้เขาก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดได้แต่คนยุคหลังๆมาเนี่ยนะ ไม่ได้ประเห็นภัยในวัฏะอย่างแรงกล้าขนาดนั้นแต่ถ้าไ ม, ไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็เอามาสาธยายพเพราะเชือ้อเพราะอัธยาศัยให้กับจิตใจของเราไว้บ้างก็อัธยาศัยราคะเราก็เพาะไว้ไม่ใช่น้อยอัธยาศัยโทสะก็เพาะไว้เป็นอันมากอัธยาศัยแห่งโมหะก็ ชำนาญเต็มที่เมื่อไรจะเพาะอัธยาศัยอย่างนี้เอาไว้ในจิตสันดานของตนบ้างเนะอัธยาศัยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรอัธยาศัยเป็นนิสรณนัธยาศัยเนี่ยนะควรเพาะเนี่ยนะเป็นนิสรณนัธยาศัยเป็นอัธยาศัยเพื่อความพ้นทุกข์ในบรรดาอัธยาศัยหกประการนะนะอัธยาศัยหกประการก็คืออาโลพัธยาศัยอาโทสัตยาศัยอะโมหัธยาศัยเนคขมัตยาศัยวิเวกัตยาศัยและ นิสระนัตทยาศัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆกําจัดราคะโทสะและโมห oh ะอันนี้ก็เป็นนิสอัทยาศัยที่ดีสามข้อก่อนใช่ไหมคนที่ตรึกอย่างนี้บ่อยๆก็แสดงว่าต้องการวิเวกอันนั้นก็เป็นวิเวกัทยาสัยนี่เป็นกุศลเนคขมะก็เป็นเนคขมัทยาสัยถ้าสลัดออกได้อย่างแท้จริงก็เป็นนิสรณัตทยาศัยอัทยาศัยแบบนี้ควรสมาทานควรอธิษฐานควรทําให้มีขึ้นเนี่ยนะ เกี่ว่าภาษาเหนือก็ว่าเอ็นดูจิตของเราบ้างเธออันนัน้ให้มีอัธยาศัยอย่างนี้บ้างอีสานค่ะว่าอะไรนะเหลือโตนนะเหลือตนหน่อยเธออย่างเงี้ย น, นะกรุณานั่นแหละพอมาทำนี่หนะ้าที่บุญประเภทแทบมาเทศนามไหมนี่แหละมาจะไม่คิดเลยเถิดว่าใครจะไปทําหรือไม่ทําก็เขาก็มาด้วยกรรมของเขาเร า, าก็จะไปด้วยกรรมของเราเห็ <c oughs> นไหมถ้าเราไปคิดแทนเข้ามากเดี๋ยวเราจะป่วยเอานะ <c oughs> ก็ถักเหยนใจตัวเองมากขึ้นแล้วล่ะแล้วเราจะไปว่าอะไรเขาเนี่ยนะนี่มาขึ้นมงคลข้อต่อไปเลยนะมงคลข้อที่ยี่สิบเจ็ดเป็นต้นขันติจะโสวจัจสตาจะสมานานจะทัศนังกาเลนะธรรมสากช้าเอตมังคะละมุตตมังเนี่ยนะมาขึ้นขันติขันติก็คือความอดทนอดทน หมายถึงอธิวาสนาขันติทนด้วยความไม่ไม่โกรธเนี่ยนะที่ภิกษุประกอบด้วยขันตินั้นแล้วย่อมไม่มีอาการผิดปกติหมายความว่าได้รับอารมณ์อะไรก็ไม่แสดงอาการที่ผิดปกติเหมือนไม่ได้ยินบุคคลที่ด่าด้วยอักโกสวัตถุสิบอักโกสวัตถุสิบเนี่ยนะคนไทยก็ก็ด่าประเภทสัตว์สีเท้าบ้างสัตว์สองเท้าบ้างสัตว์ที่เอาหัวเอาหัวลงนะนะไม่ใช่เอาหัวขึ้นทั้งหลายบ้างเนนะนะ ทำประเภทนี้แหละเรียกว่าอโกสวัตถุด่าเป็นแพะแกะไก่เนื้อหมูหมาสุกรตัวเงินตัวทองเป็นต้นเนี่ยนายทำด่าประเภทนี้แหละเรียกว่าอโกสวัตถุวัตถุที่เขาไว้ด่ากันน่ะนะแล้วก็มันก็ทําเป็นเหมือนไม่ได้ยินนั้นคนที่อดทนก็คือไม่สนใจในเสียงอันนั้นเลย น, นะและเหมือนไม่เห็นบุคคลผู้เบียดเบียน ด, ด้วยการฆ่าและการจองจําเป็นต้นเหมือนขันติวาทีดาบทฉะนั้นอันนั้นก็ ก็เหมือนไม่เห็นเหมือนไม่ได้ยินอ่ะนะไม่ไม่บอดก็ทำเหมือนบอดไม่หนวก็ทำเหมือนนว่เพราะว่าไม่ไปสนใจในสิ่งนั้นคือไม่สนใจในคาเลวๆคำไม่ดีเหล่านี้แต่สนใจอริยสัจเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่เอาเลยนะไม่รับรู้ไปทุกเรื่องไม่ใช่แต่ว่าคำของคนเลวก็ไม่เอาไปคิดต่อเดี๋ยวจะติดเชื้อติดอัธยาศัยคนเลวมา ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสมณะผู้แสดงขันติได้มีมาแล้วในอดีตการพระเจ้ากาสีได้ทำลายสมณะผู้ตั้งอยู่ในขันตินั่นแหละพระเจ้ากาลาปุก็ฆ่าขันติวาทีดาบที่นั่นขันติวาทีดาบทก็เป็นดาบ ท, ที่มีขันติอย่างแท้จริงถึงเขาตัดหูก็ไม่โกรธตัดจมูกก็ไม่โกรธตัดแขนตัดเ้าก็ไม่โกรธเอาขากระทุ่งที่หน้าอกก็ยังไม่โกรธรัก พระเจ้ากาลาปุกดุดตนเนี่ยนะก็มีมีขันติขนาดนั้นซึ่งเราทั้งหลายเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยเนี่ยนะเราก็โกรธแล้วเนี่ยนทีนี้ต่อไปหรืออีกวิธีหนึง่งก็ย่อมใส่ใจว่าเขาทำดีแล้วเพราะไม่มีความผิดยิ่งไปกว่านั้นเหมือนกับที่พระองค์เอ่อเหมือนกับท่านพระปุณณเถระเนี่ยนะท่านตอบปัญหาที่พระองค์ถามว่า ที่บอกว่าถ้าหากว่าชาวสุนาปรันตะเข้าด่านี่จะทํำยังไงพระค์พพรระะปุ ณ, ณธเถระก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้คนชาวสุนาปราันตะจักดา่จาจักบริพาทข้าพระองค์ใสในข้อนั้นข้าพระองค์ก็จักใสใจว่าผู้คนชาวสุนาปราันตะเหล่านี้เป็นผู้เจริญหนอผู้คนชาวสุนาปราันตะผู้เหล่านี้เนี่ยเป็นผู้เจริญดีหนอ ผู้คนเหล่านั้นไม่ตีข่าวโอ่งด้วยมือโอ้ที่เขาด่าเนี่ยดีจริงๆอู้สาธุจำเริญมากที่เขาไม่ตีอา้าวถ้าเขาตีล่ะอู้สาธุดีมากจำเริญมากนะที่เขาไม่ตัดนะที่เขาตัดเอาก็ดีแล้วที่เขาไม่ฆ่าเออที่เขาฆ่าเออนักบวชทั้งหลายเขาก็ไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่อะไรหรอกเขาฆ่าซะได้ก็ดีเนี่ยนะก็ดีหมดอ่ะนะก็ถ้าลักษณะนี้ก็ขันติได้ตลอดกาลนะนะ คือท่านในมัชฌิมนิกายท่านเรียกว่าสุนาปรันตะท่านในตรงนี้สุนาปรันตะเนี่ยนะขอมาชอบสุนาปรันตะมากกว่าปรันตะ <c oughs> เดี๋ยวว่าพระอ่านหนังสือไม่ถูกอีกลําบากล <c oughs> และทิ่สู ป, ประกอบด้วยขันตินั้นแล้วย่อมเป็นผู้แม้แต่ฤาษีทั้งหลายพึงสรรเสริญฤาษีในที่นี้หมายถึงพระอริยะเนี่ยนะคือพระอริยะท่านสรรเสริญคําว่าฤาษีอีสิเนี่ยผู้สแสวงหาคุณใหญ่เนี่ยนะ พ่าผู้สแสวงหาคุณใหญ่ในที่นี้หมายถึงพระอริยะอิสิเนี่ยมาจากฤศีฤศีก็หมายถึงผู้สแสวงหาคุณใหญ่ศีละคุณสมาธิคุณปัญญาคุณมีมุติคุณมีมุติญาณทัศนะเป็นต้นทัานพระอริยหรือฤศีทั้งหลายเหล่านี้ท่านสันเซินว่าคนฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกในการใดๆฤศีทั้งหลายย่อมสันเซินการละความลบลู่ คนเนี่ยควรอดทนคําหยาบที่คนทั้งปวงกล่าวแล้วสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญขันตินั้นว่าสูงสุดเนี่ยนะความอดทนเนี่ยชั้นเยี่ยมคือหลายๆคนเนี่ยเวลาเจริญกุศลแล้วทนไม่ค่อยได้ใช่ไหพอได้รับเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลิกทำกุศลคือในบรรดากุศลเนี่ยนะถ้าเราเอาบารมีสิบมาวัดดูนะหนึ่งทานสองศีล ส, สามเนคขมมสี่ ปัญญาห้าวิรยิยะถ้าห้าอย่างบริบูรณ์นะถ้าขันติไม่ดีนะแตกหมดเลยทานเนี่ยนะถ้าใครจะให้ทานให้ระยะยาวเลยน ะ, อ, ะอย่างยกผู้การให้ทานได้ยาวๆหรือคุณวรังคนาเป็นต้นเนี่ยที่ให้ทานได้ยาวๆเนี่ยนะถ้าให้แค่เมื่อเดียวมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ถ้าให้ยาวๆแล้วจะเห็นเลยําไมต้องอาศัยอะไรขันติเป็นอย่างมากเนี่ยนะยเพราะว่า ไอ้คนที่ปรุงอาหารก็ไม่ใช่ว่าจะคุยกันรู้เรื่องง่ายๆคนที่รับอาหารก็ไม่ใช่ว่าเขาจะทานให้เราง่ายๆเนี่ยนะเั้นคนที่ให้ทานระยะยาวๆนี่จะรู้ว่าไม่ใช่ของง่ายใช่พวกกัน ใ, ให้ทานนี่ไม่ง่ายเลยนะมันยากจริงถ้าเอายาวๆหน่อยนะศีนห้าเนี่ยนะหรืออุโบสถเนี่ยถ้ารักษาแค่วันสองวันมันไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่อย่างอุโบสถถ้าอยู่ที่นี่ตอนนี้วันนี้ไม่เท่าไหร่ จะดูเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะจะเริ่มและจะเริ่มที่เรียกว่าต้นตะบะแตกจนได้นั่นแหละอพร น, นั้น ข, นขันติที่จะต้องเจริญอย่างต่อเนื่องอันนี้ยากสมถะทั้งหลายถ้าเจริญให้ต่อเนื่องก็ยากวิปัสสนาทั้งหลายเจริญให้ต่อเนื่องก็ยากความเพียรที่จะรักษาให้มันต่อเนื่องก็ยากอันนี้แหละถ้าไม่ถ้าขาดขันตินี้โดยมากก็ไม่ค่อยรอดซะส่วนใหญ่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นขั น, ข น, ขนติเนี่ยท่านจึงยกย่องมากว่า ในเนี่ยในโอวาทปาติโมกให้ความสําคัญเลยใช่ไหมขันตีตะโป ต, ตีติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งอันนี้สำคัญมากเลยนะความอดทนเพราะน้ําอดน้ําทนนี่สําคัญที่สุดเลยนะขันตินี้ศ า, าสนาเราให้ความสําคัญแต่องค์ธรรมของขันติก็คืออะโทสะหรือเมตานั่นเองนะเมตตาถ้าเราโกรธเนี่ยเมตตาตัวเองไหมไม่ถ้าเราโกรธ เ, เ, เ, เท่าไหรนะ่นั้นหน้าของเราเป็นยังไง ยินดีไหมเวลาโกรธนะให้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกสักภาพหนึ่ง น, นะสมมติถ้าเราแบบคิดเป็นคนมักโกรธ ถ, ถ้าโกรธวันละหลายๆครั้งนะเก็บภาพเอาไว้แล้วก็ประดับเอาไว้แต่ไปหมดเลยนะจะดูว่าเอ๊ยยักษ์เอ้ยยักษ์ที่ไหนมาอยู่แถวนี้นะที่ไหนได้เรานะะรนะั่นแหละนะแล้วคิดดูว่าตอนนี้มันยังเป็นขนาดนี้เท่าวิบากแห่งกรรมเหล่านี้ให้ผลมาจากขนาดไหนตอนนั้นก็ระลึกว่าถ้าเราโทสะขาดคันติก็สงสัยลําบากมากนะ สาธุมันอย่าได้แต่บอกโยมเลยบอกพระด้วยเนอะนั้นขันตินี่ดีจริงๆนะถ้าใครที่สามารถเจริญศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตั้งอยู่ในคุณคือขันติแต่อย่าลืมว่าขันตินี่เป็นบารมีข้อที่เท่าไหร่ข้อที่หกข้อที่หกไม่ใช่ว่าอดทนน้อยเพราะฉะนั้นใครจะชวนเราศึกษาเราก็ไม่ต้องไปสนใจเฉยอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นขันตินี่จึงอยู่ที่ข้อที่หกนะ เขาชวนให้ทานก็ช่วยเข้าไว้เราอดทนไม่ต้องไปให้นะชวนรักษาศีลก็ไม่ต้องอดทนต่อไปเนี่ยนะเขาเจริญเจริญกรรมฐานไหนก็ไม่ต้องอนะแต่เป็นต้นไอ้พวกนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าอันอื่นดีอยู่แล้วก็จําต้องอาศัยขันติมาเป็นเครื่องบํารุงรักษาอุปธรรมต่อไปคือในการเจริญกุศลเนี่ยนะพอเริ่มเจริญกุศลเนี่ยปัญหาก็เริ่มมีอุปสรรคก็เริ่มมาอ่ะนะ เรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องอีกจนได้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเนยนะคือปัญหาทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยคนเนี่ยพอเริ่มมาศึกษาธรรมะนะมันมีปัญหาจากภายในบ้างปัญหาจากภายนอกบ้างที่จะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงถ้าเราหันมาศึกษาธรรมะแรกๆเลยเนะคนรอบๆเขาเขาเห็นด้วยไหมโดยมากนะเขาเห็นด้วยไหมที่เราได้มาศึกษาขอมุทิตาด้วยนะ เวลาไปก็เออยินดีด้วยนะไปส่งไงไหมพอเรากลับจากทำกุศลก็อนุโมทนาบุญด้วยเนะ้อเนี่ยนะมีมากัหมอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกหายากมากเต็มทีครอบครัวใดที่ได้เป็นแบบนั้นนะัมีบุญมากอนะให้รู้เธอว่าเป็นผู้มีบุญจริงๆแต่โดยมากไม่เป็นอย่างนั้นเลยนีนะหลายๆท่านนี่ก็หืมไม่ใช่ง่ายๆเลยใช่ไหมก็ถามอาจารย์เกศ ด, ดูกันแล้วกันเห็นไ ก็จะรู้ว่าอันนี้จะจากภายนอกนะเขาไม่ถึงกับห้ามแต่เขาไม่มุติตาด้วยเนี่ยนะบางคนนี่ไม่ห้ามนะแต่ไม่มุติตาแล้วบางคนล่ะห้ามเลยยื่นคําขาดเลยยาชนะว่ า, า, างั้นนะอันนี้นี่กับบางคนนะภายนอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวภายในมันเริ่มเอาเรื่องลแล้วเดี๋ยวก็ปวดหัวบ้างเดี๋ยวก็ตัวร้อนบ้างเดี๋ยวก็เป็นไข้บ้างเดี๋วก็เป็นหวัดบ้างนอนไม่หลับบ้างเอาจนต้องเลิกศึกษานั่นแหละ แต่ดีแต่หลายคนในที่นี้มาเชื่อมือหรอกเพราะว่าขันติสูงมากอนะอดทนงั้นคุณุายผ่านป่วยแล้วก็เจริญพุทธคุณได้ก็สอบผ่านไปขั้นหนึ่งละอันนั้นก็ทีนี้ก็มันจะมีป่วยหนักกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นก็รอบสองอีกแล้นะเพราะว่ามันไม่มีป่วยครั้งไหนเกินกว่าครั้งนี้อีกแล้วครั้งไหนคงรู้กันแล้วแหละมันหมายถึงครั้งไหนอันนี้แหละที่เรียกว่าต้องขันติเป็นอย่างมากอนะถ้าเลิกขันติเมื่อไหร่ตบะแตกเมื่อไหรก็ ก็กรุณาตัวเองร่าเลยว่าเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยคือเราต้องยอมรับว่าอัธยาศัยที่เราบ่มมาไม่ใช่อัธยาศัยดีอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่อโลพัทธยาศัยอโทสัทธยาศัยอโมหัทธยาศัยวิเวกัทธยาศัยเนคขมัทธยาศัยนิสรณัทธยาศัยไม่ได้อันนี้เลยใช่ไหมตรงกันข้ามโลพัทยาศัยเราก็ไม่น้อยโทสัทธยาศัยเราก็ไม่เบาโมหัทธยาศัยเราก็เต็มเปี่ยมการมัทธยาศัย อก็ไม่บอกพร่องนะนะวิเวกัตถยาสัยนี่ไม่เคยคิดจะต้องอยู่คนเดียวเลยเนี่ยนะนิสรณัตถยาศัยทําไมเราต้องออกด้วยเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนี้ก็อันนี้แหละที่อัตถยาศัยสองอย่างมันมาตีกันเองเนี่ยนะก็ทั้งกุศลและอกุศลก็เป็นอุปนิสยปัจจัยไม่ใช่หรือใช่ไหมเพราะนั่นว่าอุอปนิสยปัจจัยเราจะไปเก็บไว้ไหนถ้าจะเอาแต่ดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอัตถยาศัยที่ไม่ดีก็มาแทรกบ้าง อัธยาศัยความไม่อดทนก็จะเข้ามาบ้างอันนี้แหละที่เรียกว่าจะต้องอดทนละแต่ถ้าใครไม่อดทนคนนั้นอะจำต้องทนตลอดไปทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าเราไม่อดทนที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคาสอนเราจะต้องทนทพิษภัยในวะะัฏะหาที่สุดไม่ได้นี่นะาพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาเราคิดหรือว่าเราจะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาใจจน สะอาดเยี่ยมไม่ทำชั่วกายวาจาใจารอพระศรีอารนนะทำได้ขนาดนั้นหรือเอางั้นไหมไม่ใช่ว่าโหทำตราบาปไว้ตัวเองแต่ไปหมดเลยนะแล้วไปเจอพระศรีอานพระองค์ก็ไม่รู้จะโปรดเราตรงไหนอีกเหมือนกันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเราทำเลวเอาไว้เกินไปเนี่ยนะก็ไม่รู้ท่านจะช่วยเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ง่ายเลยนะถ้าเรียกว่าใครยิ่งหวงังน้ําบอ่อน้ามากๆเนี่ยก็ต้องคิดด้วยนะว่าระยะเวลาจากนี้ไปถึงพระศรีอาร์นนี่จะทำยังไงกัน รักษากายวาจาใจยังไงไม่ให้ไปทำชั่วรักษาจิตยังไงไม่ให้ไปหมกมุ่นในมิจฉาทิฐิรักษาใจเอาไว้ยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระเถระบางท่านเนี่ยท่านขอสมาทาน่าขอให้ข้าพเจ้าได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาได้นับถือในบุคคลที่ควรนับถือได้คบสัมมาทิฐิเป็นต้นอย่าตกอยู่ในอำนาจมิจฉาทิฐิเลยเนี่ยนะท่านตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างนั้น ทีนี้ของเราทั้งหลายถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของบาปอกุศลทั้งหลายไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของทิฏฐิทั้งหลา ย, ing, ลายเราก็ต้องวนกลับไปหาทิฏฐิอีกตามเดิมถ้าเข้าไปหา <_ Cuban> ทิฏฐินั้นเนี่ยนะดี <DNA S 2> ไม่ดีเราอาจจะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็ได้นะตั้งตนเป็นเดียรถีครูคนที่หนึ่งอย่างเงี้ยครูคนที่สองเพื่อที่จะตําหนิคัดค้านพระพุทธเจ้าก็ได้คือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ตัดใจที่จะไปทําบาปแบบนั้น แต่ถามว่าถ้าได้ปัจจัยล่ะเราจะเว้นหรือถ้าสกายติฐิยังมีอยู่จะกล่าวนะว่าทิฐิอื่นจะไม่เข้ามาถ้ายังมีโทสะอยู่อย่ากล่าวนะว่าจะไม่ฆ่าสัว์ะถ้ายังมีโลพาอยู่จะคิดว่าจะไม่รักทรัพย์ถ้ายังมีราฆาโทสะโมหะอยู่อยากคิดนะว่าจะไม่ทําโมหะเขออภัยจะไม่มีทิฐิเพราะฉะนั้นบาปอกุศลสารพัดชนิดก็จะตามเข้ามาประดังเข้ามา ถ้ายังมีร่างกายคือขันห้าอันนี้คิดหรือว่าจะพ้นโรคมะเร็งคิดไหมไม่พ้นเนี่ยนะก็ไม่พ้นหรอกถ้าอยู่นานๆ น, น, นะอยู่จนเป็นจนได้นั่นแหะเชื่อถ้าอยู่ไปนานๆอย่าคิดนะว่าจะไม่เป็นหวัดอย่าคิดว่าจะไม่รู้จักป่วยจากไข้ถ้ายังมีขันห้าเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นโรคนะมันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะเรียกว่าอันตรายเนี่ยสองกลุ่มอันตรายภายใ น, ในกับภายนอกอันตรายเหล่านี้เรียกว่าอันตรายปกปิดกับเปิดเผย อันตรายทางร่างกายนี่เราเห็นเห็นกันแต่อันตรายทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันตรายทางทิฏฐิสัตว์ทั้ทงหลายไม่ค่อยเห็นอันนี้จึงเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดเนี่ยนะซึ่งอันตรายเหล่านี้ทางาศาสนาเราให้ความสําคัญมากเพราะขัดต่อหลักการเจริญศีลหลักการเจริญสมถะเละวิปัสนาเพราะทุจริตสามนี้ก็นับว่าอันตรายทิฏฐิทั้ททงหลายก็อันตรายเป็นอย่างยิ่ง ก็คงมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับความอดทนเนี่ยนะนับว่าสําคัญที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าการเจริญกุศลทั้งหลายเนี่ยปัญหาและอุปสรรคไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะปัญหาอุปสรรคในไม่มีที่สิ้นสุดในบรรดาความอดทนทั้งหลายเนี่ยเราทั้งหลายไม่ได้เครื่องพระโพธิสัตว์ท่านรัเราคิดดูนะว่าผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านมีฉันทะขนาดไหนคงจํำข้ออุปมาได้นะว่า ถ้าบอกว่าถ้าใครปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีฉันทะความพอใจอย่างแรงกล้าว่ายน้ําข้ามจั ก, กรวาลนะนะอย่าว่าข้ามสมุดเลยเล็กๆนะนะด้วยแรงมือนะเพื่อจะว่ายข้ามจั ก, กรวาลคนที่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์บอกฉันทําได้นะคือมีศรัทธาจะทำอย่างนั้นแต่จะข้ามจริงได้หรือไม่อเรื่องหนึ่งละแต่ว่ากําลังใจมันแรงขนาดนั้นมีฉันทะแรงขนาดนั้น หรืออีกในหนึ่งท่านบอกว่าใครที่เดินเท้าเปล่าลุยข้ามจั ก, กรวาลที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงได้คนนั้นก็จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อันนั้ก็บอกว่าฉันนี่แหละจะเดินเหมือนกันหรือก็บอกว่าสองแขนแหวกพงตากไม้ไผ่ที่รกชัดไปด้วยน้ําเนี่ยนะแหวกด้วยมือแหวกไปด้วยอกเนี่ยลุยไปอย่างนี้แหละสู้ขาดจะ ก, กีก่กรุ่งกระิ่งก็ไม่รู้นะก็บอกว่าฉันนี่แหละจะไปก็บอกว่าคนที่มีฉันท่าขนาดนี้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้ อันนี้เรียกว่ารู้เลยว่าจะต้องทนขนาดไหนจะต้องอดทนขนาดไหนแล้วเราทั้งหลายเนี่ยเราเราทนอะไรได้บ้างแล้วเพราะบำเพ็ญไต้สิขาเนี่ยนะแต่ก็หลายๆคนนะในที่นี้เนี่ยของอาตมาก็พูดให้กำลังใจคนที่ไม่ค่อยเพียรแต่ในห้องเราเนี่ยนะมีคนที่เพียรกว่าอาตมาตั้งหลายคนนะนะเชื่อจริงๆว่าเพียรมากกว่าตั้งหลายคนนะก็เห็นเห็นความภาพเพียรของเขาเนี่ยก็ทาให้เราดูเพียรขึ้นอีกเยอะเหมือนกัน น, นะนะ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นจริงๆผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะจะเอาของหอมไปฉาบไล้ภาษาริบุตรข้างขวาจะเอามีดพร้าอีกข้างหนึ่งไปถากข้างซ้ายภาษาริบุตรก็จะไม่โกรธนะนะภาษาดบุตรเป็นเช่นนั้นพระโมคคัลลานะเนี่ยถูกโจรเนี่ยนะที่รับจ้างเดรธีมาฆ่าเนี่ยทุบจนกระดูกแหลกเป็นผุยผงเกือบว่าแหลกเท่าเ่าเข้าวสารหักเนี่ยนะ พระโมคคัลลานะไม่ยังจิตให้มีโทสะในโจรเหล่านั้นเลยพระเทวทัตเนี่ยนะกลิ้งหินเนี่ยไปกระทบพระบาทพระพุทธเจ้าประดุด ข, ขวานฟาดลงไปที่พระบาทพระองค์ก็ยังรักมีเมตตาก่อพระเทวทัตเท่ากับพระราหุลเนี่ยก็รักเท่ากันศาสดาของเราเป็นเช่นนั้นสาวกของศาสดาของเราก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ได้ดีแล้วเนาะที่เราได้นับถือ ผู้พระผู้มีประภาคเจ้าผู้เสด็จไปดีจริงๆสาวกทั้งหลายก็ที่ปฏิบัติดีจริงๆถึงเรายังทำอย่างนี้นอย่างนั้นไม่ได้เราก็เคารพผู้ที่ทำได้และก็หวังใจไว้ว่าสักวันหนึ่งเราจะทำได้ น, นนะก็ตั้งตั้งอัธยาศัยอันนี้ไว้ก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอัธยาศัยที่ดีที่ควรตั้งไหมคนที่เขาทำได้ไม่ใช่ว่าเขาทาได้ตั้งกระแรกเลยหรอกมันใช่ ถ้ามหาโมคลานะนะถ้าอดีตสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกูสันธะเป็นต้นเนี่ยนะท่านคือพยมานดีๆนี่แหละนีนะท่านชื่อว่าอะไรนะทูสีมานนะทูสีมานเป็นพยมานที่เป็นถ้าจําไม่ผิดนะเป็นลุงของพยมานทุกทุกวันเนี่ยนะเพราะว่าพยมานทุกวันเนี่เป็นลูกของน้องสาวท่านเน่ยนะก็นับว่าไม่เบาเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดความที่อัตตาสัมมาปณิทิท่านตั้งอัธยาศัยไว้เป็นอย่างดีเนี่ย ตอนหลังเนี่ยใครทุบท่านจนกระดูกเป็นแหลกเป็นข้าวสารหักท่านยังไม่โกรธเนยนะท่านไม่คิดประทุษร้ายไม่ยังใจให้โกรธต่อบุคคลเหล่านั้นแต่ในเบื้องต้นเราทั้งหลายก็ขอให้มีใจไว้ก่อนเถอะถ้ามีใจอย่างเดียวนะั้นมันไม่ค่อยยากใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยไม่อู้จะช่วยกันตรงไหนนีถ้าทางกายเนี่ยก็ปกติก็ต้องทนใช่ไหมถ้าทางวาจาทนได้ก็ดีเยี่ยม ถ้าทนจนถึงอาภูสนวิตกไม่เกิดเลยนั่นแหละสุดยอดของขันตินนแล้วนะแล้วยิ่งอดทนจนไม่มีวิตกได้เลยยิ่งเยี่ยมใหญ่เนี่ยนะระดับทุติยะชานไปแล้วก็ไม่ต้องมีวิตกแต่แล้วเนี่ยนะก็เยี่ยมเลยนะอันนั้นเรียกว่าอดทนอย่างสูงขึ้นไปอดทนจนหลีกออกจากสังขารทั้งมวลชื่อว่าอดทนอย่างสูงสุดเนี่ยนะนั่นก็ฝึกฝึกเข้าไว้เธอเนี่ยนะในที่สุดจะทําที่สุดแห่งทุกได้ทีนี้ต่อไปว่า พระพุทธเจ้าก็สเสริญเออขออภัยแม้แต่เทวดาก็สันเสริญใช่สเสริญผู้ที่มีขันติสันเสริญอย่างเท้าส ก, กะจอมเทพตรัสว่าผู้ใดเป็นคนแข็งแรงอดกลั้นต่อคนอ่อนแอสัตว์บุุษทั้งหลายสันเสริญขันติของผู้นั้นว่าเป็นเยี่ยมคนอ่อนแอย่อมต้องอดทนอยู่เป็นประจำนะคือถ้าพูดแบบภาษาเ น, นี่ง่ายๆว่าถ้าเจ้านายอดทนลูกน้องได้นี่เยี่ยม แต่ถ้าลูกน้องอดทนเจ้านายอันนี้มันต้องอดทนอยู่แล้วโดยมันญาติโดยหน้าที่โดยความประพฤติเนี่ยนะแต่ถ้านายอดทนต่อลูกน้องต่อความผิดของลูกน้องได้ก็ถือว่าเยี่ยมเนี่ยนะก็ถือสมมุติถ้าเราอดทนต่อลูกกับลูกอดทนต่อเราเนี่ยไหนเยี่ยมประกันเราอดทนต่อลูกได้เนี่ยถือว่าเยี่ยมกว่าเนี่ยนะกับเขาบอกว่าคนอ่อนแอนะยังไงก็จําต้องอดทนตลอดไปคือถ้าคนที่อยู่ในระดับล่างๆใช่ไหม มันจำต้องอดทนถ้าไม่อดทนเดี๋ยวเขาเกียดกันเราออกไปเดี๋ยวเขาปัดเราออกไปก็จำต้องทนเนี่ยนะจำทนทนจำอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าผู้ที่มีอำนาจเป็นใหญ่จริงๆถ้าอดทนได้นะเยี่ยมวันก่อนนะจังจำคุณสรงพลได้เขาบอกว่าเขาบอกแม่อยากให้ใครมาด่าผู้จัดการสักทีหนึ่งเขาว่างนะั้นดูที่ผู้จัดการจะว่าไงคุณสงพลก็พูดเองเนะ่ยก็บอกนี่เคยว่าคนอื่นมาเยอะแล้วเขาบอกงั้นนะดูที่คนอื่นเขาจะว่ามาว่าเลยมา ก็ว่างั้นถ้าเมื่อก่อนนี้คงทําไม่ได้ว่าตอนนี้ทําได้งั้นก็ขันติดเขาขึ้นเยอะเหมาณนั้นนะวันก่อนที่มารับก็ เ, เล่าให้ฟังก็แสดงว่าก็คือคือคนที่อยู่ระดับสูงแล้วอดทนได้เนี่ยนะเป็นคนที่ควรชมจริงๆแต่ถ้าอยู่ระดับล่างจะไปว่าอะไรเขานนะเนี่ยนะก็เงียบอย่างเดียวกว่าคนอย่างเรา้อ่ะนะแล้วก็เราต้องอดทนอยู่ตลอดไปอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าเป็นนายแล้วอดทนได้เนี่ยนะสมมติว่าถ้าพลทหาร ถ้าในพลอดทนกับพลทหารได้เนี่ยก็ถือว่าชั้นเยี่ยมใช่ไหมแต่ถ้าพลทหารมันจําต้องอดทนวันยังค่ำนั่นแหละแต่พอไม่อดทนเดี๋ยวก็เข้าคุกอีกลำบากเองออนะก็อย่างนี้แหละสังคคตวตามันก็เป็นเช่นนี้แหละเนี่ยนะก็จําต้องอดทนบ้างอดทนด้วยอัธยาศัยบ้างจําต้องอดทนบ้างก็ฝึกกันไปคือจําต้องทนดีกว่าดีกว่าระเบิดออกมาใช่ไหมว่าถ้าระเบิดออกมาครั้งนั้นเนี่ยเสียหายเท่าไหร่รู้ไหม เนะี่ยะก็มีนายไม่ใช่น้อยใช่ไหมที่ด่าลูกน้องแล้วก็นายก็เกิดใหมเ่เลยเนะีมั้ยมีไหมนี่มีไม่ใช่น้อยเลยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะจ่ายค่ามไม่อดทนอันนั้นด้วยชีวิตและทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดก็ได้เพราะฉะนั้นความอดทนนั้นบางครั้งเนี่ยจาเป็นอย่างยิ่งนนะทีนี้มาดูต่อไปอีกนะว่า ผู้ที่มีความอดทนเนี่ยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็สรรเสริญดังที่พระองค์ตรัสไปว่าผู้ใดไม่โกรธอดกลั้นต่อการด่าการฆ้าและการจองจําได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีขันติเป็นกําลังมีกองกําลังว่าเป็นพราหมเรียกว่ามีขันตินี่เป็นกองทัพเลยว่าไงเถอะมีความอดทนนี่เป็นกองทัพอ่เนี่ยแหละเป็นพรามณ์อย่างอย่างแท้จริงเนี่ยนะอย่างพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีขันติจริงๆ ก็มีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาชื่นชมยกย่องกันในสมัยพุทธกาลว่าพระสารีบุตรเป็นคนไม่โกรธโอ้ยอดทนจริงๆไม่โกรธเลยนะแล้มีพราหม์คนหนึ่งก็อยากลองดูจริงหรือเปล่าว่างั้นไม่เชื่อหรอกสงสัยไม่มีใครไปยั่วท่านมัง้ง น, นะพระสารีบุตรก็เดินบินทบาทเนี่ยนะไอต้ตาพราหมยคนนี้เขก็เดินไปใกล้ๆก็หวดกําปั้นซับจะตุ๊บใหญ่ข้างหลังพระสารีบุตรพระสารีบุตรไม่หันไปมองเลย แล้วก็เดินบินท่าบาทไปเรื่อยชาวบ้านนี่ก็เตรียมแล้วถือไม้ถือตะบองเตรียมจะซัดในตะพราบคนนี้แล้วนะเสร็จแล้วพระสารีบุตรก็ถามว่าจะทําอะไรกันบอกก็จะตีตะพราบคนนั้นอนะ่ะที่ไปทุบท่านอนะ่ะเขาตีท่านหรืออ่านะพระสารีบุตรก็ถามว่าเขาไปตีพวกท่านหรือเปล่าบอกเปล่าก็ตเตะงั้นก็ตีใครตีท่านบอกเออตะ ม, มาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรแล้วท่านทั้งหลายจะเดือดร้อนทําไมเรนนะแล้วก็ตะพรามนั้นก็เลยกลายมานับถือพระสารีบุตรนิมนต์ไปฉัน เนี <One input> ่ยนะก็ย um in ังตอนหลังก็หันมานับถือศาสนาเนี่ยนะมันภาษาเรียบดึกจริงๆกับท่านอดทนขนาดนั้นแต่ของอนามาณี่ลองไม่ค่อยได้จะไปเล่าว่าเออเนี่ยนึกว่าท่านเป็นเหมือนในคมพีบ้างคนละอย่างนะเพราะขันตินี้เป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุประสบคุณเหล่านั้นและคุณอื่นๆที่เพึงสรรเสริญที่ทรงสรรเสริญ คือคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะที่คนเจริญได้ยาวได้มากได้ต่อเนื่องนี่เกิดจากขันติทั้งนั้นเลยนะเกิดจากความอดทนคือชีวิตที่ที่ใครใช้ชีวิตได้ระยะยาวแล้วก็ดีได้นานๆเนี่ยนะคนเหล่านั้นโดยมากเป็นคนที่อดทนเนี่ยนะก็ความอดทนนั้นก็ท่านยกย่องท่านสรรเสริญมากเนี่ยนะถึงกับยกเรียกว่าโอวาดปาติโมก็ยกย่องในขันติใช่ไหมว่าขันติคือความอดกลั้นเป็น ตะบะอย่างยิ่งเนี่ยนะก็ขันตีนี่ก็อดทนไว้นะใจเอ้ยอดทนเธอเนี่ยนะก็จริงๆเราน่าจะคุยกับใจเราบ้างนะเป็นครั้งคราวนั่นะอันะจะเดือดร้อนไปทำไมรู้จักอดทนสะบ้างสิเนี่ยนะนะก็คุยกับเขาดีๆนะบางทีเขาก็เอาด้วยนะทีนี้มาดูมงคลข้อต่อไปเลยนะโสวจัสตาว่าง่ายสอนง่ายเมื่อถูกเพื่อนสัพพมจารีว่ากล่าวโดยธรรมก็ไม่ถึงความฟาุ้งซ่าน ความนิ่งงนันหรือคิดถึงคุณและโทษวางความเอื้อเฟื้อความเคารพและความมีใจตกลงเป็นเบื้องต่ำเป็นเบื้องหน้าอย่างยิ่งแล้วเปล่งถ้อยคำว่าสาธุดีละครัเหมือนนดังนี้ชื่อว่าโสวัวจจสตาความว่าง่ายเรียก ว, ว่าจับแต่เอาแต่เนื้อหาที่เขาแนะนำเราว่าเขาแนะนำอะไรเราคาที่เขาแนะนำเราเราก็รับด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณเขาที่เขาเตือนเราเนี่ยนะก็ขอบคุณเขาที่เขาเตือนเราถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ว่างง่ายบางคนเนี่ยนะขอร้องจังเลยให้คนอื่นเขาตักเตือนตนแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติแห่งคนที่ควรตักเตือนบางทีเขายังไม่ได้เตือนเลยทางนี้โวยวายไปเสียแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถึงประวรณาให้คนอื่นตักเตือนก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นความประพฤติเรียกว่า ขอบคุณคนที่ตักเตือนเราเนี่ยนะคนประเภทนี้จะได้รับคําตักเตือนอย่างบ่อยๆเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยแก้ตัวพลวันแก้ตัวอยู่นั่นแหละก็ไม่ใช่ฉันลักษณะของผู้ที่รับโอวาทโดยดีก็อย่างใครพระราหุลเนี่ยนะชัดเจนเลยนะเป็นเป็นลักษณะของผู้ที่ว่า ง, ง่ายสอนง่ายเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพิสุอยากจะลองใจพระราหุลดูว่าพระราหุลเป็นยังไงวันหนึ่งเนี่ยเห็นพระราหุลเดินมาทางโน้นท่านเอาไม้กวาดรีบไปทิ้งไว้ และพระราหุลเดินมาใกล้ก็ตําหนิพระราหุลเลยว่าพระาหุลทําไมไม่เก็บไม้กวาดพระราหุลเห็นไม้กวาดปั๊บท่านเก็บรีบเอาไม้กวาดไปเก็บแล้วมาขอโทษพระพิสุรูปนั้นทั้งๆที่ท่านไม่ได้ทํานะท่านบอกว่าขอโทษครับว่างั้นท่านไม่ไม่โต้ตอบสักคําว่าผมไม่ได้ทําไม่ได้พูดแม้แต่คําเดียวทั้งๆที่เป็นเรกว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ําไปเนี่ยนะนี่ของเราเนี่ยนะโหย เราต้องดำรงอยู่ในความจริงเราต้องเปิดเผยความจริงว่าเราไม่ผิดไงวะอ่ะนะหคนโดยทัว่วๆไปก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมันต้องอยู่ในความจริงเพราะเรามันไม่ผิดตอนนั้นก็เลยโวยวายใหญ่โตโธสักคำเริ่บคำเริบเอาคำเริบเอา เ, เอานี่ยนะอันนี้แหละก็เรียกว่าไม่ว่าง่ายเนี่ยนะในบางกรณีเนี่ยนะถ้าเราเรื่องนั้นมันไม่เสียหายเนี่ยนะถึงเขาจะว่าเราผิดก็ไม่เป็นไรห ร, รอกเราก็ไม่ต้องไปป่วยไปไข้ตามคํา้องเขาหรอก เนี่ยนะเพราะเราไม่ได้ผิดคือไม่ได้สร้างความเสียหายด้านอื่นๆให้นะที่เรียกว่าไม่ถึงกับต้องไปเสียเงินเสียทองไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยนะถ้าคนอื่นเขาว่าเราผิดแล้วเราก็ทนทนฟันงไปก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยนะก็น่าคิดนะว่าถ้าเราอดทนตรงนี้ได้เนี่ยจะมีอุปการะคุณต่อชีวิตเราขนาดไหนถ้าเราถือคือถึงคนอื่นเขาว่าเราผิดนะนะแต่จริงๆแล้วเราไม่ผิดโดยที่เราไม่โต้อตอบในตอนหลังถ้าเขารู้ความจริงแล้วเขาจะเข้าใจเอง ทีนี้การแก้การตามแก้ข่าวว่าเราไม่ผิดตามแก้ว่าเราไม่ผิดถามว่าโดยภาพรวมๆแล้วดีหรือไม่ดีเนะีนะ่ยเที่ยวแก้ตัวตลอดว่าฉันคือคนไม่ผิดฉันคือคนถูกต้องเที่ยวประกาศในสาธารณชนเนี่ยนะถามว่าภาพนั้นงามหรือไม่งามเนี่ยนะนะถ้าเป็นคนอื่นทําให้เราดูนะเหมือนอย่างที่เราทนะําเนี่ยดีไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะรู้จักอดทน ยอมรับในอย่างนี้ได้เนี่ยนะว่าถึงคนอื่นเขาตาหนิเราบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปเนี่ยนะอันนี้ก็นับว่าเป็นผู้ว่าง่ายเพราะคนนั้นเนี่ยจะได้รับโอวาทอนุสาสนีจากเพื่อนสัพพรมารีทั้งหลายคนอื่นเขาก็จะกล้าตักเตือนเราเมื่อคนอื่นกล้าตักเตือนเราไอ้สิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์ก็เราก็จะละสิ่งใดที่มีประโยชน์ เราก็จากเจริญก็จากบำเพ็ญทั้นการได้รับโอวาตักเตือนจากเพื่อนสระพรหมจรนท์ทั้งหลายอันนท่านท่านให้ความสําคัญมากนีะนะท่านถือว่าการตักเตือนจากผู้มีคุณทั้งหลายประดุดชี้ขุมรับเนี่ยนะชี้ขุมทรัพย์เลยแหละยิ่งคนที่ตักเตือนเราเป็นบัณฑิตเป็นคนที่คิดมากใคร่ครวญมากพิจารณาโดยรอบคอบคําตักเตือนของเขานั้นมีค่ามีค่าจริงๆมีค่ามากกว่าเงินกว่าทอง เพราะว่าควรค่าแก่อมตะเนี่ยนะควรค่าแก่ความไม่ตายอันคําตักเตือนโอวานอนุสาสนีจากผู้มีคุณนั้นถือว่าเป็นคุณธรรมชั้นเยี่ยมเนี่ยนะอันอความว่าง่ายเนี่ยนะก็นับว่าสําคัญมากนะถ้าพูดถึงความเป็นผู้ว่าง่ายนะผู้การเขาก็มีอีกนะอยู่ด้วยกันสองคนก็ชมกันแล้วกันเธ อ, นะ อ, นะ อ, นะอเขาก็ว่าง่ายนะสมมติถ้าเป็นหนังสือของผู้การนะที่เขาเรียบเรียงขึ้นนะคนอื่นเขา เขาว่าผิดนะเออนั่นมันผิดอย่างนั้นอย่างนั้นครับครับครับเดี๋ยวจะไปแก้ครับขอบคุณครับเนี่ยนะเขก็อัธยาศัยอันนี้ก็นับว่ามีมากนะนะว่าก็ก็ดีเยี่ยมนะก็ให้แก้ก็แก้ไปถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นดีกว่าสิ่งนั้นถูกต้องนะนีซึ่งถ้าโดยลำพังทั่วทไปแล้วผู้การเขามีเอ่อเรียกว่าปิยรูปสาตรูปเป็นที่ตั้งแห่งมานะจํานวนไม่ใช่น้อยใช่ไหมแต่ก็ไม่ค่อยจะมีมานะเนี่ยนะก็มาคุยกับ รุ่นรุ่นปูนลูกปูนหลานซะไม่ใช่น้อยเนี่ยนะแล้วก็พูดด้วยความเคารพไพเราะด้วยนะให้ความให้เกียรติเคารพยำเกรงก็ประกาศถึงความเป็นผู้ลดมานะได้อย่างมากเนี่ยนะก็รับฟังแม้แต่คําคนที่อยู่ในชั้นลูกชั้นหลานฟังผู้ที่กล่าวทำนั้นถ้ากล่าวเป็นอัดเป็นธรรมถึงอายุน้อยขนาดไหนก็ฟังได้อันนี้ก็นับว่าเป็นผู้ว่า ง, ง่ายเนี่ยนะเหมือนกับลูกหลานพระราชะเลยมั้ง น, นั้นก็นับว่าได้รับประโยชน์ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะแล้วก็ผู้การก็สามารถที่จะศึกษ า, าพระธรรมร่วมกับผู้ที่อายุน้อยได้อย่างไม่แต่กิตแต่ขวงใจรู้สึกมีปีติปราโมทย์มีความสุขด้วยไปใช่ไหม <S <S เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลจากโสวัจัตตาความเป็นผู้ว่างง่ายถ้าถ้าผู้การมีมานะไปนอนพองอยู่ในเก้าอี้ที่ห้องนอนหรืออะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมแทนที่จะได้ฟังธรรมก็อดอดฟังธรรมเลยเพราะก็ออกเป็นผู้ว่ายาก อันโดยทั่วๆไปแล้วผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใหญ่แล้วยากที่จะฟังคําแนะนําและตักเตือนอันนี้โดยมากจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นนี่มาขึ้นมงคลที่ยี่สิบเก้าเลยนะจาจารย์พานสัมมนา น, นจะทัศนังเลยนะการเห็นสัมมนาคำว่าการเห็นสมณะนนี่หมายถึงการเข้าไปหาข้อแรกก่อนนะแล้วก็คือเข้าไปหาต่อไปก็การบํารุง เมื่อบำรุงแต่ก็ละลึกถึงการฟังการเห็นนักบวชทั้งหลายผู้ระงับกิเลสแล้วเพราะสมณะหมายถึงผู้ระงับกิเลสผู้สงบบาปสงบอกุศลหรือผู้ที่อบรมกายวาจาจิตและปัญญาแล้วคือผู้มีกายอันอบรมแล้วมีวาจาอบรมแล้วมีจิตอบรมแล้วมีปัญญาอบรมแล้วเนี่ยนะประกอบด้วยความสงบอย่างสูงชื่อว่าการเห็นสมมณะทั้งหลาย ท่านก็สมณะหมายถึงผู้ที่สงบประงับดับกิเลสผู้ที่อบรมกายวาจาจิตผู้ที่อบรมปัญญาแล้วสงบจากราคะโทสะโมหะเป็นต้นการเข้าไปหาท่านการไปบำรุงท่านการระลึกถึงท่านการฟังธรรมของท่านอันนี้แหละเป็นมงคลเอตัมมังคารมุตตะมั ง, างการเห็นสมณะเมทั้งหมดท่านกล่าวว่าทัศนะโดยเทศนาอย่างต่ำคือพูดแบบชั้นล่างล่างสุดะนะเนะ มันคำว่าเห็นแบบอยังล่างล่างสุดการเห็นสมณะนั้นเพิงทราบว่าเป็นมงคลถามว่าเพร่อเหตุใดจึงเป็นมงคลเนี่ยนะเห็นเนี่ยนะทำไมจึงเป็นมงคลเพราะมีอุปการะมากจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าการเห็นภิกษุเหล่านั้นมีอุปการะมากเพราะบุญอันใดกุลบดผู้ต้องการประโยชน์เห็นภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมาถึงประตูเรือน ถ้าหากว่าทยธรรมมีอยู่ก็พึงนับถือด้วยทยธรรมตามกำลังถ้าหากว่าทยธรรมไม่มีก็พึงไหว้ด้วยไหว่ยอย่างเบญจังฆาปดิตคือกราบเนี่ยนะเมื่อการไหว้ยอย่างเบญจะเบญจังปรปดิตยังไม่พร้อมก็พึงประคองอัญเชลีนมัสการเมื่อนอบน้อมยังไม่พร้อมก็มีจิตผ่องใสเลดูด้วยจักสุขที่น่ารักคือดูด้วยเมตตาเนี่ยนะ ดูด้วยเมตตาคือเราก็อย่างอื่นไม่พร้อมทั้งหมดดูด้วยเมตตก็ยังมีอุปการะมากแต่ที่จริงสูงที่สุดไปกว่านั้นก็หมายถึงการบูชาด้วยวัตถุทั้งหลายลบมากกว่านั้นถ้าทำไม่ได้ก็กราบถ้ากราบไม่ได้ยกมือประคองอัญชลีก็ยังดีถ้าทำขนาดนั้นไม่ได้ก็มองด้วยปิยะจากสุจากสุอันเป็นที่รักมองด้วยเมตตาเนี่ยนะมองด้วยการเจริญเมตตา ท่านบอกว่าการแลดูด้วยจักสุที่น่ารักหรือปิยะจักรสุเนี่ยนะจักรสุอันเป็นที่รักด้วยกุศ ล, ลจิตเนี่ยด้วยบุญที่เกิดจากการแลดูเป็นเหตุอย่างนี้โรคหรือโทษฝ้าหรือต่อมจะไม่มีในจักสุเนี่ยนะใครถลึงตาดูพระพุทธรูปเอาไว้กว็ระวังให้ดีคงไม่เคยนะนะถ้าถลึงตาดูผู้มีศีลทั้งหลายนี่ดูท่าจะตาเหลือกแน่ชาบมาก น, นะ แต่ไปหีตาดูดีอียกข้างหนึ่งก็ตาเหล่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรอย่างยิ่งควรมองด้วยจักสุอันเป็นที่รักเนี่ยนะนะเพราะว่าทำให้ไม่มีโรคในจักสุตลอดหลายพันชาติยนะนะหลายพันชาติเลยนะไม่ใช่ชาติเดียวนะจักสุทั้งสองก็จะผ่องใสมีสิริมีวันะห้าเหมือนบานประตูแก้วที่เปิดในรัตนวิมานเนี่ยนะ ก็เป็นตาที่สวยงามน่าดูน้าชมดูตาแล้วก็ไม่เบื่อเนี่ยนะบางคนเนี่ยถ้าโทสะเป็นสมุทฐานนะนะโอ้ยเหลือตาเห็นครั้งเดียวก็พอละเนี่ยนะกลัวกลัวจริงๆเลยนะทำไมดุขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมืพราะฉะนั้นนะก็สายตานี่สําคัญมากนะมันเป็นกลุ่มจิตตชรูปที่ที่สําคัญมากนะมันจะแผ่รังสีอมตะหิดก็ดูได้จากสายตาเนี่ยนะเนี่ยนะนะดูยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าสายตาอมตหิดจังยังไงนะนะก็ดูเอา คือผู้ที่ดูด้วยจกักษุอันเป็นที่รักด้วยเมตตาเนี่ยนะก็จะได้สมบัติในเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนกับข้อที่เขาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนมีปัญญาพึงสวยวิบากสมบัติเห็นป่า น, นั้นด้วยบุญที่สําเร็จมาจากการเห็นสมณะซึ่งเขาประพฤติมาโดยชอบไม่น่าอัศจรรย์เลยคือถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีจิตเลื่อมสายมองดูพระพุทธเจ้าเป็นต้นด้วยจิตที่ผ่องใสด้วยใจที่ศรัทธา อันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมถ้าได้วิบากแบบนั้นแต่แม้สำหรับเดรชาบัณฑิตทั้งหลายก็เพ่งพันนาวิบากสมบัติการเห็นสมณะที่เพียงทำศรัทธาให้เกิดแล้วอย่างเดียวไว้อย่างนี้ในบาลีเป็นต้นว่านกฮูกตากลมอาศัยอยู่ที่เวทิกะบันพศมาตลอดกาลยาวนานนกฮูกตัวนี้สุขแท้หนอเห็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐสุงซึ่งลุกขึ้นแต่เช้า มันทำจิตให้เลื่อมใสในตัวเราและภิกษุสงฆ์ผู้ยอดเยี่ยมไม่ต้องไปทุกคติถึงแสนกับมันจุติจากเทวโลกอันบุญกุศลกรรมตักเตือนแล้วจากเป็นพระพุทธผู้มีอนันตญาณปรากฏนามว่าโสมนัสโสมนัสก็แปลว่าผู้มีใจดีเนี่ยโสมนัสสาสหกะ ต, ตังก็คือมีใจดีนั่นเองประกอบด้วยความเป็นผู้มีใจดีท่านก็นับว่าเป็นผู้ใจดีมากนะว่า ท่านเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าท่านใจผ่องใสซึ่งต่างจากเดรัจฉ์ทั้งหลายใช่ไหมเดรัจฉ์ทั้งหลายนี่เหมือนน้าทิ่มตาเลยแหละเวลามองเห็นทีนี้นกฮูกตากลมตาใสมองด้วยสายตาอันเป็นที่รักมองดูพระพุทธเจ้ากับสาวกของพระองค์ผู้ผู้ก้าวล่วงโศกปริเทวะเนี่ยนะผู้ก้าวล่วงทุกทั้งมวล ทีนี้บางคนอาจสงสัยว่าออมองด้วยใจที่เลื่อมใสแค่นั้นหรือทำให้ไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับแค่นั้นน่ะหรือคือโดยหลักของจิตตนิยามเนี่ยเป็นอย่างนี้ว่าสมมุติถ้าเขามองดูพระรัตนตรยนัยเนี่ยนะเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นสาวกของพระองค์แล้วดูที่จิตด้วยจิตที่เลื่อมใสนั่นประกาศถึงว่าคนนี้มีทายาศัยอย่างไรใช่ไหม ประกาศถึงอัธยาศัยของคนนี้เลยหรือของสัตว์ผู้นั้นว่าเขามีอัธยาศัยอย่างไรเมื่อเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะอัธยาศัยเรวๆมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ก่อนจะจุติจิตเป็นบุญตลอดะจิตเป็นบุญะฉะนั้นแสดงว่าเป็นผู้สั่งสมกุศลและจิตเอาไว้เป็นอย่างมากจึงไม่ไปสู่ทุกคติตลอดแสนกับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีบุญจริงๆเป็นไปได้เพราะเขาสั่งสมกุศลเนี่ยนะได้บ่อยได้มากได้ยาวแล้ว ต่อเนื่องอันประเด็นที่สำคัญที่สุดถ้าเราทั้งหลายสามารถทำจิตให้เป็นกุศลได้ได้บ่อยได้ยาวได้ต่อเนื่องก็อย่าว่าแต่แสนกลับเลยมากกว่านั้นก็ไม่ไปสู่อาบายสำคัญที่สุดสังวรจิตรักษาจิตได้ไหมอย่างนกฮูกเหล่านี้ที่เขาพ้นอาบายได้ก็เพราะว่ารักษาจิตเอาไว้เป็นอย่างดีคิดดูนะขนาดเห็นแล้วอะโทสะยังเกิดขึ้นใช่ก็คือเมตตา มองด้วยจิตอันเป็นที่รักหวังประโยชน์แก่ผู้ที่ถูกเห็นเนี่ยนะเคยไหมหลายคนเนี่ยมองเห็นใครก็บอกขอให้เขาทั้งหลายได้รับประโยชน์เนี่ยนะเรียกว่ายื่นประโยชน์ให้ด้วยสายตาเนี่ยก็อันนั้นก็เป็นการเจริญเมตตามโนกรรมนะเมตตามโนกรรมก็พยายามที่ฝึกเจริญอย่างนี้ไว้บ่อยๆไม่ใช่ว่าถ้าไม่ฝึกเจริญนะไปเห็นภาริยะนึก โกรธลูกโกรธเมียอยู่ข้างๆพอดีเลยนะเห็นพระมารพนโกรธส่งต่ออีกนะถามว่ามีไหมในพระไตรปิฎกมีอันนก็มีเรื่องอนนะอดีตชาติของของใครของโชติกะเอ้ขอไปของอะไรชติละใช่ไหมของชติละที่ผมก็เซิงไปหมดอ่ะก็คืออดีตชาติเนี่ยเขาวันหนึ่งพระองค์ดับขันปรินิพานแล้วก็เขามีการจะสร้างเจดีทองของพระพุทธเจ้า พระองค์กรอนโน่นน่ะนะไอเศรษฐีคนนี้เป็นนายช่างทองร่ํารวยทองก็เยอะมากวันนั้นกําลังทะเลาะ ก, กับเมียอยู่พอดนะีก็มีพระภิกษุเนี่ยมาบอกว่าท่านเศรษฐีท่านช่วยเป็นเจ้าภาพเนี่ยสร้างเจดีย์สักซุ้มหนึ่งนะแล้ใ น, ะนก็เศรษฐีนี่กําลังโกรธเมียพอดีก็เลยผานโกรธถึงพระไปด้วยก็บอกโน่นเอาพระธาตุของท่านไปโยนลงน้ําไปว่าไงปากาน้อปากว่าไงแต่ก็เลย แม่บ้านก็เลยเตือนว่านี่นะโกรธแต่ชันทําไมต้องไปว่าพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยนะเจตีก็ได้สติก็เลยขอขมาพระรัตนตรยัยแต่ว่าอาด้วยกรรมที่บอกไปโยนลงน้ำเนี่ยนะแกก็จับรอยน้ําถูกจับลอยน้ําหลายชาติเลืนอนด้วยกรรมมันนั้นขนาดขอขมาพระรัตนตรยัยเพราะฉะนั้น ความคิดเนี่ยนะถ้าจะว่ามันน่ากลัวมันก็น่ากลัวจริงๆถ้าเผลอไปเป็นบาปเป็นอกุศลอะไรจะเกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้มิใช่น้อยเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตเป็นไปกับอกุศลเนี่ยนะจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อได้เห็นสมณะเห็นพระอริยะทั้งหลายเราก็จะไม่ยังจิตให้คิดปัทสร้ายาถ้ายังจิตให้คิดปัทสุรายแล้วก็ยังทุกยังโทษให้แกเราทั้งหลายหาที่สุดมิได้ นั้นการเห็นสมณะนี้นับว่าเป็นมงคลถ้ายิ่งสมณะผู้มีศีลผู้มีธรรมถึงจะอยู่ห่างไกลขนาดไหนเราก็ควรไปหาควรเข้าไปใกล้เพื่อที่จะได้ฟังธรรมจากท่านเพราะคําว่าสมณะนั้นหมายถึงผู้ผู้สงบใช่ไหมผู้สงบจากราคะโทสะโมหะท่านสงบราคะเพราะสมถะท่านสงบโทสะเพราะศีลท่านสงบโมหะเพราะ วิปัสนาเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมถาวิปัสนาเป็นผู้ที่อบรมกายวาจาจิตและปัญญาผู้ที่อบรมคุณธรรมเหล่านี้เมื่อท่านพูดให้เราฟังคําพูดเหล่านั้นก็มีประโยชน์โดยส่วนเดียวแก่ผู้ที่ไปปฏิบัติตามนั่นนะนั้นการเห็นสมณะเหล่านั้นนี่ก่อนครับว่าเป็นบุญถ้ายิ่งเจริญเมตตาให้กับผู้ที่มีกุศลจิตเหล่านั้นมากๆมากนะ หรือเจริญเมตตากับผู้ที่มีคุณมากนี่ก็ได้บุญอย่างอย่างมากตรงกันข้ามถ้าเราไปโกรธกับคนที่มีคุณมากบาปก็อย่างมหันเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาการฝึกมองคนอื่นด้วยสายตาที่ประกอบด้วยเมตตานี้ควรเจริญเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะอันที่จริงการเห็นสมณะในที่นี้หมายถึงว่าเป็นเหตุใกล้ที่จะทําให้รับมงคนอย่างอื่นๆ อ, อีกเป็นอันมากเนี่ยนะ นี่ก็ขึ้นมงคลข้อต่อไปเลยนะกาเลนะธรรมส า, ากัจฉาเอตมังคารมุตตะมัมงการสนทนาธรรมตามการก็เป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญในเวลาพลบคล่าในเวลาย่ารุ่งเร็วเช้ามืดกับหัวค่ำเนี่ยนะฝ่ายพระสูตรภิสูจฝ่ายพระสูตรสองรูปสนทนาพระสูตรกันฝ่ายพระวินัยก็สนทนาพระวินัยกันฝ่ายพระพิธรรมก็สนทนาพระพิธรรมกัน ฝ่ายชาดกก็สนทนาชาดกฝ่ายอัตกถาก็สนทนาอัตกถากันหรือสนทนากันในกาลนั้นๆเพื่อชำระจิตที่ถูกความหดหู่ความฟุ้งซ่านความสงสัยชักนําไปการสนทนาธรรมตามการนี้ชื่อว่าสนทนาธรรมตามการ น, นะเพราะว่าได้เวลาที่ควรจะสนทนากันเพื่อกําจัดนิวร น, นั่นเองนะโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อกําจัดนิวรนั้นการสนทนาธรรมกันบ่อยๆนิวรนก็ไม่กลุ่มรุมนะ ัการสนทนาธรรมตามการเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งคุณทั้งหลายมีความฉลาดในอาคมคือนิกายทั้งห้าเป็นต้นนั่นแลอันใครที่หมั่นสอบถามตั้งปัญหาเป็นตั้งโจทย์เป็นอยู่ในวิจยหาระอันนะรู้จักปุชารู้จักวิสัชนาในบทในในปัญหาในพยัญชนะเหล่านั้นเขาจะแตกช้านในพระไตรปิฎกเนี ผู้ที่เป็นพระวินัยทรถ้ามีการสอบถามการวินิจฉัยการไข้ครวญพระวินัยบ่อ ย, อยๆก็จะแตกฉานในเรื่องพระวินยัยผู้ที่ศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้ามันสนทนากาันบ่อยๆมันสอบถามกาันบ่อยๆสอบถามเทียบเคียงกันบ่อยๆก็เป็นเหตุแห่งปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าโ ง, ง่เท่ากันแล้วก็มาคุยกันแล้ ว, มลวไม่ก็ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่เดี๋ยวนะอีกคนก็สงสยัยก็ไปคุยไปถามไอ้คนที่สงสัยต่อไปอีกกันไหมันจะเกิดอะไรขึ้นเดียนะ ปกตินะถ้าคนตาบอดสองคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะจะสว่างขึ้นไหมไม่สว่าง <S <S เพราะฉะนั้นก็คนที่จะจะคุยด้วยนะั้นเลือกสน่อยนะจะดีมากเลยนะไม่ใช่เห็นว่าโอ้สนทนาทำตามกาันก็ไปเที่ยวสนทนาไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยได้ดีกลับมาเนี่ยแหละนะไอนะ้ดีที่ไม่ดีอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็การสนทนาเนี่ยนะก็หาเหลือกคู่สนทนาให้ดีๆหน่อยนะถ้าไปเจอผิดคู่แล้วจะลําบากกลับมานะนะ แทนที่จะฉลาดขึ้นคุยกันไปคุยกันมาเลิกเรียนดีกว่าเนะเราวังงันนะนะเสียหายมากเลยนะเพรา ะ, ะนั้นก็คู่สนทนานี้ก็<ม>ก็ระวังให้ดีๆหน่อยถ้าหากว่าเราไปคลุกคลีไปเกี่ยวข้องกับคนบางคนแทนที่จะสัมมาวาจาใช่ไหมก็ว่ากาเลนะธรรมสาไม่ใช่กัดช้าแล้วนะมันจะเป็นกาเลนะสนทนามิจฉาทิฏฐิกันนะนะก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมาก ในยุคในสมัยในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐินี้ก็นับว่าลําบากเล่ย์เล่ยท่านเนี่ยที่มารวมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมาจากคนละปลอกซอกซอยคนละจะมาจากเขตที่แน่ๆก็มาจากคนละจังหวัดด้วยซ้ําไปเนี่ยนะก็โคจรกันมาตะกใต้จอดเหนือเลยเนะอีสานจอดตะวันตกเลยเนี่ยนะก็ยอมคนหนึ่งก็มาจากโน่นนแถวการอีกคนหนึ่งก็มาจากใต้อีกคนหนึ่งก็มาจากโน่น ชาเชิงเซาบางคนนั่นนะบางคนก็มาจากประจีนบางคนก็มาจากโคราชบางคนก็มาจากสุรินทร์นะัน่นนะมาจากอีสานก็หลายแถบก็คือสรุปว่ามากันทุกภาคนะีมารวมตัวกันขนาดนี้เชื่อไหมคนเหล่านี้เนี่ยหาเพื่อนในทางธรรมค่อนข้างยากนั่นะนะนะนะคุณเพียนสองเพียนเขาคุยกันว่านี่เราจะไปหาพวกยังไงมาร่วมสนทนากันอย่างนี้ได้อีกประมานั้นก็จะลองไปหาดูเถอะนั่นเผื่อจะเจอบ้างนนะ นการที่จะหาเพื่อนที่จะได้สนทนาธรรมเนี่ยนะก็นับว่าเป็นความยอกอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านก็วิธีที่จะให้ดีเนี่ยนะถ้าเรามีเพื่อนที่สนทนาคู่สนทนาเนี่ยนะก็จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์อย่างมากแต่ในขณะเดียวกันนั้นการที่จะหาเพื่อนที่มีจริตคล้ายกันอัธยาศัยเหมือนกันส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เจริญงอกงามในธรรมมีไม่มากเนี่ยนะนะปาปามิตรมีมากกว่าอันนี้แหละที่เรียกว่าขันติ ขันติก็ต้องสาคัญมากอย่างหนึ่งนะและก็ที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือพยายามหาวิธีเจริญกุศลอื่นๆที่เรียกว่าใช้การสนทนาให้น้อยลงนะนะหาวิธีการเจริญพระธรรมโดยสนทนาให้น้อยลงเพราะว่าการสนทนาแต่ละครั้งเนี่ยนะนะการพูดไม่ดีเนี่ยจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นบาปนะถ้าเราคุยไม่ดีเนี่ยนะเป็นการเหมือนกับยื่นไปให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ทำร้ายพระธรรมมากขึ้นขนาดนั้นไปพูดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะเบียดเบียนพระธรรมมากยิ่งขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนั่นก็การที่ผู้ใดจะสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการไปแนะนําไปสนทนาเนี่ยนะเอ่า อ, อันนี้เรียกว่าวจีประโยคะต้องดีเยี่ยมเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้พระอง์ตัดว่าอะไรกาละนะกาเลนธรรมสากัชา้าถ้าจะสนทนาก็ต้องดูการถ้าเราไม่ดูการเนี่ยนะเราก็ไปประทุสร้ายเขา ในที่สุดเราก็ดีไม่ดีนะโรคเลวก็จะเกิดขึ้นคือเราก็ตำหนิว่าเขานี่เลวมากใช้ไม่ได้เห็นไะหแต่ไม่ดีดีให้ดีเราคิดนะว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้เพราะว่าเราไม่ดูการเราไม่ดูความพร้อมของเขาเห็นะถ้าหากว่าเราไม่ดูกาละไม่ดูความพร้อมของเขาแล้วเราเรียบไปแสดงไปเปิดเผยเขาปฏิเสธกลับมาก็ถ้าสิ่งที่เรายื่นให้ไปเป็นของดีนะ น, นะเขาก็จะเสื่อมประโยชน์เราก็จะเสียมิตรด้วยเนไะ ก็เสียมิตรในบางคนเราต้องตั้งไว้ว่าถึงถึงเขายังจะคุยไม่รู้เรื่องก็อย่าทำลายมิตรภาพกันก่อนเนี่ยนะสักวันหนึ่งเมื่อเขาได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมเขาอาจจะศึกษาในทางนี้ก็ได้นะนะอย่ารีบร้อนจนเกินไปเพราะว่าถ้ายิ่งรีบยื่นให้เนี่ยนะอาจจะว่าเสียมิตรไปอีกคนหนึ่งก็ได้คนที่เสียมิตรไปมากๆส่วนหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็เพราะเที่ยวชักชวนคนอื่นแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าห้ามชักชวนนะ แต่ว่าให้เรารู้กาละรู้เทษะรู้สถานที่เพราะสิ่งนี้เป็นสัพปริส ธ, ธรรมเนี่ยนะกาลันยูบุคคลเราก็ต้องรู้จักการซึ่งนับว่าสำคัญมากนะอันที่จริงส่วนหนึ่งที่เราสงเคราะห์ผู้อื่นไม่ได้ก็เพราะความรีบร้อนของเราก็เป็นได้หรือเราไม่ดูกาละก็เป็นได้ในที่สุดเราก็ตาหนิตัวเองบ้างตาหนิผู้อื่นบ้างการปรารบถึงธรรมที่ถูกต้องเนี่ยนะ หลักการมีง่ายๆว่าต้องไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนสองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นสามไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอันนี้เป็นความชอบธรรมในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสนทนากับผู้ใดเราก็ระลึกถึงเบียดเบียนตัวเองไมยนะถ้าเราพูดแล้วเราเดือดร้อนใจลำบากใจก็ชื่อว่าเบียดเบียนตนถ้าเราไปพูดแล้วเขามีความสุขขึ้นไหม เขาสบายใจไหมเขาได้รับประโยชน์ไหมเขาปีติและโส ม, มนัสเป็นต้นไหมอันนี้หมายถึงประโยชน์ของเขาแล้วทั้งเราทั้งเขาสําเร็จประโยชน์ไหมใกล้ชิดพระัตนตรัยขึ้นไหมถ้าหากว่าเราวินิจฉัยในส่วนตรงนี้ไม่ดีเราอาจจะเป็นคนที่ทําพลาดแล้วก็เสียเพื่อนไปอีกคนหนึ่งก็ได้เนี่ยนะซึ่งจริงๆเขาอาจจะมีอัธยาศัยอยู่แต่ว่าเราก็ไปตัดอัธยาศัยของเขาเสียก่อนเพราะความที่เราไม่รู้ อัธยาศัยเนี่ยนะอั น, นตาบอดจูงตาบอดนี่ก็ลําบากจริงๆเนี่ยนะแล้วก็ที่ผ่านมาในคาถาขันตีจะโสวจัสตาสมานานันจะทัศนังกาเลนธรรมส า, ากัดชา้าเอตมังคามุตตะมังเนี่ยนะก็ผ่านไปอีกสี่มงคลคนนะนะสี่มงค ล, นะงคลทีนี้มาขึ้นมงคลที่สามสิบตะโปอ่านะสาสิบเอ็ดนะ เมื่อกี้เนี่ยสามสิบแล้วนี้ขึ้นมงคลที่สาสิบเอ็ดว่าตะโตจะพรหมจริยันจะอริยสั จ, จานัศนังนิพพานาสัจฉิกิริยาเอตัมมังคามุตตมังตบะตะบะก่อนเลยนะว่าอินทรียสังวรชื่อว่าตะบะในที่นี้เพราะคําว่าตะบะหมายถึงว่าเผาบาปประทมนันะตะโปตะโปหรือตะบะในที่นี้หมายถึงเผาบาปประธรรมเป็นชื่อของอินทรียสังวร เพราะเผาอภิชาและโทมนต์เป็นต้น น, นะคำว่าตบะมีสองในนะอีกในหนึ่งวิริยะชื่อว่าตาบะหรือความเพียรชื่อว่าตบะเพราะคําว่าตาตะโปเนี่ยนะตาบะตัวนี้นี่มีสองในในแรกหมายถึงอินทรีย์สังวรก็คืออินทรีย์สังวรศีนนะนะเป็นชื่อของสตินั่นเองอ น, นะสติที่ที่เกิดขึ้นสังวรไม่ให้อภิชากับโทมานต์ไหลผ่านมา ทางทวารตาหูจมกูกลิ้นกายใจอย่างที่สองก็ชื่อว่าความเพียนเพราะว่าเผาความเกียร์คร้านบุคคลผู้ประกอบด้วยตะบะเหล่านั้นท่านเรียกว่าอาตาปีตะบะนี้นั้นเพิ่งทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละอภิชาละโทมนัสเป็นต้นแล้วก็ยังเป็นเหตุให้ได้ฌานอย่า น, นีอันคําว่าตะบะตรงนี้เอาทั้งสองในเลยนะทั้งอินทรีย์สังวรและความภาพเพียรพยายาม การที่เรามีอินทรีสังวรเนี่ยนะเป็นการห้ามราคาห้ามโทสะไม่ให้ไหลเข้ามาตามทวารต่างๆในขณะเดียวกันวิริยะความภาคเพียรพยายามที่ไม่เลิกไม่ราอันนั้นก็เป็นเหตุให้ได้บรรลุชันดัะนั้นคำว่าตะโปรหรือตะบะในที่นี้สรุปได้สองในว่าอินทรีสังวรกับความเพียรนนะความเพียรชื่อว่าตะบะอินทรีสังวรนะเป็นการปิดไม่ให้บาปไหลเข้ามาในทวารหกนนะ ในขณะเดียวกันนี้ขณะเดียวกันนั้นบุญที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดขึ้นบุญใดที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามพอกพูนให้มียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอันนั้นแหละเป็นตะบะตะบะหมายถึงความเพียร น, น น, นมงคลข้ออินทรีย์สังวรเนี่ยนะเชื่อว่าเป็นมงคลนั้นก็ผู้การนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาในคำว่าอินทรีย์สังวรมากผู้ที่มีอินทรีย์สังวรหรือมีสติเนี่ยนะ อันที่จริงอารมณ์บอกเราหมดแล้วว่าอันนั้นเป็นเครื่องหมายของอะไรต่อไปใช่ไหมเพราะว่าอภิชาจะเกิดในโสภานิมิตคือสำคัญในอารมณ์นั้นว่างามโทมานัจะเกิดในปฏิฆานิมิตอารมณ์อันนั้นน่าขัดเคืองถ้าไม่พิจารณาก็เป็นที่ตั้งแห่งโมหะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยนะบอกเลยถ้าโสภานิมิตอันนั้นเนี่ยควรจะตามมาด้วยอะไร ใช่ว่าอารมณ์สุดยอดของอารมณ์นี้ทำให้เราทำบาปได้ขนาดไหนถ้าในแง่อภิชานะในแง่ราคะถ้ามันกาเริบขึ้นกาเริบขึ้นถ้าในด้านโทรศัพท์เมื่อเราเห็นแล้วไม่ชอบนะที่สุดเนี่ยจะนำไปสู่อะไระไปนำสู่กายทุจริตหรือวจีทุจริตหรือบาปอากุศลอันอื่นอื่นอีกก็เราดูจากอารมณ์ก็สามารถมนุิการได้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้น น, นะก็หวังอย่างเดียวว่าคงไม่จุติในตอนนั้นใช่ไห ถ้าจุติในตอนนั้นเนี่ยเป็นฐานะที่จะมีได้คติสองคือนรกกับเดราชานนี่นะถ้าถือโดยอภิชากับโธมานัสเพราะฉะนั้นโอตะปะอันนี้ต้องมีเป็นก่อนนะว่าอินทรีย์สังวรที่ผู้สำรวมได้นะฮิริโอตะปะเป็นเหตุใกล้ทั้งโอตะปะนี่เกิดขึ้นมาเลยว่านี่ถ้าเราเผลอดูอย่างนี้ไปบ่อยๆถ้าจุติในตอนนี้ควรจะเกิดที่ไหนนะ ควรจะเกิดที่ไหนอันนั้นโอตะปะก็จะเกิดขึ้นมาใช่ไหมศึกษาพระธรรมขนาดนี้ยังปล่อยให้อกุศลกเกิดขนาดนี้อีกหรือถ้าหมันมนัสิการแบบนี้ฮิริก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฮิริโอตะปะนี้จะช่วยทําให้อินทรีย์สังวรของเราเนี่ยดีขึ้นมีกําลังมากขึ้นหมั่นมนัสิการเอาไว้บ่อยๆเถอะอันนั้นแหละเป็นอินทรีย์สังวรอย่าลืมนะฮิริโอตะปะเป็นเหตุใกล้ของอินทรีย์สังวรเพราะตัวอินทรีย์สังวรเป็นชื่อของ สติสตินี้หมายถึงรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงทั้งธรรมที่มีโทษทั้งธรรมที่ไม่มีโทษทั้งธรรมดำธรรมขาวนะวิบากแห่งธรรมดำธรรมขาวเป็นต้นเนี่ยสติเนี่จะรู้แบบนั้นนะไม่ใช่ว่าสักไปว่าเออเนี่ยสีแล้วก็พอเรียกว่าเชื่อว่ามีสติสังวรแล้วไม่พอท่านสตินั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแล้วลึกถึงกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทเป็นต้น เพราะการถือโดยสุภานิมิตนะจะล่วงกรรมบุข้อใดได้บ้างในระยะยาวเนี่ยนะถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตจะล่วงอกุศลกรรมบุอะไรบ้างในระยะยาวเราต้องฝึกคํานวณลักษณะนี้เนี่ยนะเพราะถ้าล่วงอกุศลกรรมบุแล้วไม่เป็นประโยชน์แก่โลกนี้เป็นแน่ไม่เป็นประโยชน์แก่โลกหน้าเป็นแน่เนี่ยนะทำลายประโยชน์ทั้งปวงของเราทั้งหมดอันผู้ที่หมั่นระลึกได้แบบนี้นั่นแหละเรียกว่า มีสติเนี่ยนะมีสตินั้นความเป็นพหูสูตรนั่นแหละช่วยในด้านการมีสติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้โทษของการปล่อยตาให้สอดสายหารูปอันเป็นที่รักเนี่ยนะปล่อยหูไปหาเสียงที่ไพเราะสนโอโสดที่เราต้องการถ้าไม่รู้ทุกรู้โทษเนี่ยก็นับว่าอันตรายมากเนี่ยนะอันตรายต่ออะไรรู้ไหมอันตรายต่อพรหมจันทร์อันตรายต่อไตสิกขาของเรา ไตรสิกานี้ถือว่าเป็นสมบัติที่เราควรรับจากพระพุทธเจ้าพอเราไปเผลอปล่อยทวารเรานี่นะสิกขาสามเสียหายหมดในโคปารกระสตรนั้นกล่าวอินตาหูจมูกลิ้นกายใจประดุดแผลอนนะัจะต้องรักษาประดุดคนปิดแผลท่านบอกว่านายโคบาลผู้โง่เขาเวลาโคมีแผลก็ไม่ยอมปิดแผลให้โคเพราะฉะนั้นพวกมแมลงวันก็มาไต่ตอม แล้วก็ปล่อยไข่ข้างก็คือไข่แมลงวันเนี่ยใส่ไปแผลนอนก็เริ่มนะไอไข่อันนั้นเนี่ยกลายเป็นนอนมันก็ชอนชไปเรื่อยโคก็ถึงความเสียหายหรือไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะออกเป็นน้ํานมได้ในที่สุดโคนั้นก็พร้อมในที่สุดโคก็ตายเขาก็เสื่อมจากปัญจะโครุดฉันใดผู้ที่ไม่สามารถรู้จักปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ โดยที่ห้ามบาปอกุศนให้เข้ามาแต่ทวารเหล่านี้คนเหล่านั้นก็จะเสื่อมจากเบนจะทำหรือทำรรมาขันห้ารำมาขันห้าก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานุทัศน์ธรรมะห้าอย่างนี้เรียกว่าธรรมาขันห้ากองแห่งธรรมะห้าประการอันอินทรีย์สังวร น, นี้ก็สําคัญส่วนความเพียร น, น, นะนะตะบะที่เรียกว่าความเพียรก็สําคัญเพราะว่าตัวความเพียรอันนี้เป็นตัว กำจากบาปแล้วก็เป็นตัวเพิ่มพูนบุญนะถ้าหากว่าผู้ที่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะรับอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยถ้าถือโดยสุภาพนิมิตเนี่ยนะแสดงว่ากรรมฐานไหนอ่อนอะไรอ่อนกายานุปัสนาหรืออสุภาพกรรมฐานอน่อนถ้าถือโดยปฏิฆาณิมิตเนี่ยอะไรอ่อนเมตตาอ่อนเนี่ยนะเมตตาอ่อนหรือเวทานานุปัสนานี่อ่อนมากเพราะฉะนั้นถ้าอ่านจากอารมณ์เนี่ยบอกได้เลยว่า ในที่สุดจะล่วงไปสู่อะไรแล้วก็อ่อนในเรื่องอะไรกรรมฐานอะไรไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักไตรครวนนักพิจารณามากๆ ก, ก, ก็จะเห็นเลยว่าอินทรีย์สังวรกับความเพียร น, นั้นเป็นตบะที่เป็นมงคลจริงๆเป็นเหตุแห่งความเจริญเพราะว่าคุณธรรมชั้นอินทรีย์สังวรตบะตัวนี้เนี่ยแปล ง, ง่ายๆหมายถึงจตุปาริสุททิศ น, นี่นะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญได้อย่างนี้อินจตุปาริสุททิศดีใช่ไหม เพราะว่าสติสัมชัญญะเป็นอาหารของอินทรีย์สังวรอินทรีสังวรเป็นอาหารของสุจริสาสุจริสามเป็นอาหารของสติประธาน 4. สี่สติประฐานสี่เป็นอาหารของพ่อชงเจ็ดพ่อชงเจ็ดเป็นอาหารของวิชาและวิมุติเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรตัวนี้ก็เท่ากับกล่าวสุจริสามหรือจตุ ป, ปาริสุทิศินเรียบร้อยแล้วทีวนี้มาดูว่าเมื่อมีอินทรีย์สังวรอย่างนี้เข้าก็ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ถ้าศัพ์ว่าพรหมจรรย์นนะโดยศัพท์นี่หมายถึงเมถุนวิรัตก็มีหมายถึงสมณธรรมก็มีหมายถึงาศาสนาก็มีหมายถึงอริยมรรคก็มีพรหมจรรย์ น, นี่มีอยู่สี่ความหมายหนึ่งเมถุนวิรัติสองสมณธรรม 3. สามศาสนาสี 4. อริยมรรคข้อแรกนะพรหมจรรย์ที่หมายถึงเมถุนวิรัตท่านเรียกว่าพรหมจรรย์เหมือนคําว่าละเมถุนวิรัตเป็นพรหมจารี อย่างในที่นี้หลายท่านก็เป็นพรหมจารีบุคคลใช่ไหมเพราะสมาทานอุโบสถศีลนันะ่ยมอ้วนสมมาทานอุโบสถศีลก็เป็นพรหมจรีบุคคลประพฤติพรหมจรีเหมือนั้นอันพรหมจา ร, างง ร, จารีหรือประพฤติพรหมจร์หมายถึงก็ศีนแปดนั่นแหละเหมืนกันส่วนสมณะธรรมเรียกว่าพรหมจรย์เหมือนคําว่าผู้มีอายุเราอยู่ประพฤติสมณะธรรมในพระผู้มีพระภาคเจ้าอันคําว่าพรหมจรีที่นี้หมายถึงสีลสมาธิปัญญานั่นเอง ส่วนศาสนาที่หมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพรหมจรรย์เช่นคําว่าดูก่อนมารตราบใดที่ศาสนาของเรายังไม่มั่นคงเจริญแพร่หลายรู้กันมากนะคือคนโดยมากถ้ายังไม่รู้เราจะยังไม่ปรินิพานตราบนั้นคือหลังจากพระองค์ตรัสรู้ไม่นานเนี่ยนะพญามารมาเลยบอกว่านิมนต์ปรินิพานเถิดพระเจ้าค่ะอย่าไปช่วยคนอื่นเขาเลยแบบนั้นพระองค์ก็บอกไม่หรอกมารแบบนั้ น, น, นถ้าหากว่าศาสนาของเรานี่นะ ยังไม่เจริญแพร่หลายชนหมู่มากยังไม่รู้ยังไม่ประกาศด้วยดีในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตราบนั้นเรายังไม่ปรินิพานปะยะมานก็เลยเสียใจกลับไปงนั้นคำว่ า, าศาสนาก็เป็นชื่อของพรหมจรรย์แต่ดังเราคุ้นเคยกันบ่อยๆใช่ไหมศาสตร์ทั้งสัพยัญชนะเกวลปริสุทงังป ร, รัมจริยังประกาเสสีเนี่ยนะพรหมจริยังคานีนะ่หมายถึงาศาสนพรหมจรรย์หมายถึงอะไร ไตรสิกขาหมายถึงไตรสิกขาเพราะว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดก็สอนอยู่ในหลักไตรสิกขาถ้าสอนเรื่องการละอกุศลอยู่ชื่อว่าสอนเรื่องไตรสิกขาอยู่ไหมถ้ากําลังพูดถึงโทษของบาปอากุศลนะชื่อว่าสอนไตรสิกขาอยู่ไหมสอนอะไรเป็นตัวละบาปอากุศลล่ะก็คือตัวไตรสิกขาตัวที่ศีลนะที่จิตอธิปัญญานั่นแหละเป็นตัวทําลายบาปและอกุศกลธรรมทั้งหลาย ส่วนอีกในหนึ่งมักเรียกว่าพรหมจรรย์เช่นคําว่าดูก่อนพิกษุอริยมรตมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นพรหมจรรย์นี่ยนะมันอริยมรตเป็นพรหมจรรย์ส่วนในที่นี้ในที่นี้ในที่ไหนในมงคลสามสิแปดเนี่ยนะคำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงหมายถึงเมถุนวิรัตสมมาธรรมาศาสนาอริยมรตไม่ต้องเพราะอริยมรตอยู่ในหัวข้อว่า อริยสัจจานัศสนังเพราะว่ามักนี้สงเคราะห์ด้วยมงคลข้อต่อไปข้างหน้าทีนี้คำว่าเมถุนวิรัตสมณธรรมศาสนาเนี่ยนะที่เป็นมงคลเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเหตุให้ประสบผลวิเศษนาน า, นาประการชั้นสู ง, สงยิ่งขึ้นไปนะนะทั้งสมณธรรมนะสมณธรรมเนี่ยหรือศาสนธรรมเนี่ย สิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยทําให้ได้รับคุณธรรมชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะในที่สุดก็สามารถทําที่สุดแห่งวัตถทุก์ได้อันการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็นับว่าเป็นมงคลในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนอดีตชาตินางวิสาขาเนี่ยนะที่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากิงกิเนี่ยนะนางรักษาโกมารีพรหมจรรย์อยู่สองหมื่นปีเนี่ยนะ เรียกว่ารักษาศีลแปดหรือรักษาศีลหกหรือก็ได้นีนะหรือรักษาศีลข้องดเว้นจากคือท่านไม่มีคู่เนี่ยนะไม่มีคู่ครองอยู่สองหมืนปีก็คือแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าไม่แต่งงานตลอดชีวิตนะนั่นก็ลูกของพระเจ้ากิงกิทั้งหมดเนี่ยนะประพฤติโกมารีพรหมจรรย์ทั้งหมดเลย น, นะนะอดีตชาติของพนางโคตมีอดีตชาติของนางอุบลวนนรรณเทรีเป็นต้นเนี่ยนะพะนางเขมาทั้งหลาย ท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้มากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมงคลใช่ไหมเมื่อประพฤติมงคลอย่างนี้ท่านก็เลยเป็นผู้ที่มีปุเพกตปุญญาตานี่มาขึ้นมงคลข้อต่อไปเลยนะอริยสัจจานัทสนังการเห็นด้วยอริยมรคนะไม่ใช่การเห็นมรคนะหมายถึง อ, อริยมรคนี่ยเป็นตัวเห็นการเห็นด้วยอริยมรเพราะอริยมรเนี่ยตรัสรู้อริยสัจสีที่ท่านกล่าวไว้ใน กุมารปัญหาชื่อว่าอริยสัจจะเนี่ย น, นะอริยสัจจานะัทสนังการเห็นอริยสัจนั้นพระอง์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุล่วงทุกทั้งมวลในสังสารวัฏถ้าเห็นทุกขสัจนี่เห็นว่าอย่างไงปีละนะเบียดเปียนถ้าเห็นสมุทยัยสัจอายุหานะนำเกิดถ้าเห็นนิโรสัจจะนิสรณะนะเพระอัฏฐาว่านำออกไม่ใช่สลัดออก คืสภาวะของนิโรธเนี่ยสลัดออกส่วนอริยมรคนี้เป็นนิยานิกะคือนําออกตัวตัวอริยมรคนี่เป็นตัวที่นําออกตัวนิสรณะเนี่ยเป็นสภาพที่สลัดออกตัวที่สลัดออกกับตัวที่นําออกในข้อลอันตัวที่นําออกนั้นหมายถึงอริยมร์ตัวที่สลัดออกเป็นชื่อของพระนิพพาน น, นะอันท่าเห็นได้แบบนั้นก็นับว่าเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไรเนอเราจะลืมตาอย่างนี้แล้วเบียดเบีย น, ยนหนอปีละนัถโถอัไหนประการพร้อมเรียงลืมตาปั๊บก็ปลีละนัโถเลยก็รูปูปาทานนักขันก็เบียดเบียนใช่ไหมเวทโนปาทานนักขันก็เบียดเบียนสัน ญ, ญูปาทานนักขันก็เบียดเบียนสังคารูปราทานนักขันวิญญาณูปาทานนักขนันขันทุกขันมีอัตถว่าเบียดเบียนอีกชื่อหนึ่งถ้าเราจะใช้คําว่าเข้าใจาชัดก็คือผู้ข้า ขันห้าทุกขันนี้ก็คือเป็นพวกข่าถ้าไม่มีขันห้าจะมีการตายหรือเพราะฉะนั้นขันห้าจึงเป็นพวกข่าขันห้ามีนณที่ใดแห่งหนตําบลใดที่ใดก็ตามขันห้าก็มีอัฏฐาว่าเบียดเบียนเนี่ยนะเบียดเบียนความเพลิดเพลินในขันห้านั่นแหละคืออายุหณะเนี่ยนะอายุหณะตัวที่นําไปสู่วัตทุกข์ตัวที่นําไปสู่การมีขันห้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คือตันหาเนี่ยนะมันเพลิดเพลินอยู่เฉพาะในขันห้ามันไม่เลยขันห้าหรอกมันเพลิดเพลินในขันห้าเพื่ออะไรเพื่อสร้างขันห้านีโรธนั่นแหละจึงจักสลัดออกจากขันห้าได้โดยประการทั้งปวงจึงจักสลัดออกจากตันหาด้วยประการทั้งปวงแต่ที่สำคัญที่สุดนะอยากจะบอกนิยานิกะมากกว่าใช่ไหมทำยังไงเนาะจะเจริญมรรคแปดในทวารหกได้ลืมตายังไงเห็นสัมมาทิฏฐินะนไง เห็นสัมมาทิฏฐิขึ้นเลยก็คือเห็นอะไรเห็นอริยสัจได้ยินเสียงก็ได้ยินอริยสัจหายใจฮืดเข้าไปก็เห็นอริยสัจอีกแจวมากเลยนะชิมมาหารอร่อยอร่อยก็เห็นอริยสัจอีกรับกระทบโพตภาพเนี่ยนะเนี่ยอากาศขนาดนี้เป็นยังไงก็นี่ก็คือเห็นอริยสัจเข้าอีกคิดเรื่องอะไรก็เห็นอริยสัจไปหมดเลยถ้ายังนี้ก็เป็นมงคลมากเนี่ยนะอันนั้นคือ ชั้นแรกนะพยายามทำความเข้าใจอริยสัจในทวารหกให้ดีนะนะว่าอริยสัจในทวารหเป็นยังไงถ้าเข้าใจอริยสัจในทวารหกได้สัมมาสังกปะจะเกิดไม่ยากเพราะสัมมาสังกปะคือการตรึกเรื่องอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าเป็นสัมมาสังกปปะแต่ถ้าตรึกแล้วโทสะมันเกิดก็จเจริญเมตตาก่อนถ้าตรึกแล้วก็ขาดเมตตาเป็นต้นก็จเจริญ เมตตาเจริญการุณาไปก่อนเพื่อจะช่วยให้การพิจารณาการตรึกในอริยศาสตร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการเจริญวิปัสนาคือการเข้าไปรอบรู้ในสภาวะของอารมณ์นั้นตามตามเป็นจริงจริงๆว่าจริงๆเขาเป็นเช่นไรน่ะคือถ้าพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบจริงๆจะรู้ว่าขันห้าเบียดเบียนจริงๆนะขันห้าธรรมชาติของขันห้านั้นเบียดเบียนถ้าขันห้าไม่เบียดเบียนน สงบเย็นสบายพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีในโลกหรอกแต่เนื่องจากว่าขันห้าทุกขันนั้นเบียดเบียนถามว่าเบียดเบียนยังไงขันห้ามีขันไหนเที่ยงมัางล่ะมีไหมไม่มีเนื่องจากขันไม่เที่ยงนั่นแหละจึงเบียดเบียนขันทั้งหลายวิปรินามะนะแปรปรวนไปสลายไปแตกทําลายไปความที่ขันห้าไม่เที่ยงแตกสลายไปแปรปรวนไปนั่นแหละชื่อว่าขันห้าเบียดเบียนและก็ไม่มีใครมีอำนาจ อย่างแท้จริงด้วยเนี่ยนะไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงนั่นแหละขันห้าทั้งมวลจึงล้วนแต่เบียดเบียนคือสภาพแบบวันนี้นะเป็นอย่างนี้ตลอดไปได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะเพราะอันนั้นก็นับว่าเป็นความเบียดเบียนอย่างหนึ่งของขันห้าขันห้าตรงไหนที่มันนิ่งนิ่งอยู่เลยได้ไหยทําได้ไหมรูปประคันถ้ามันนิ่งเลยนะตรงไหนนิ่งตรงนั้นเน่าถ้ารูปประคันนะอันนี้สูตรหมอนะหมอเขาว่างอะไราตรงไหนนิ่งตรงนั้นเน่า ะถ้าเวทน า, าขันถ้ามันนิ่งนะมันได้ไหมเป็นไปได้ไหมไม่ได้หรอกนั่นนะพรันธ์ก็ยากขันท่าทั้งหลายเนี่ยมันธรรมชาติที่เบียดเบียนจริงๆทีนี้แต่ขณะขันท่านี่มันเบียดเบียนอย่างนี้นะแต่สัตว์ทั้งหลายก็ยังเพลิดเพลินอยู่นั่นแหละก็เพลิดเพลินในขันท่าเพื่ออะไร <alike> เพื่อขันท่าเพลิดเพลินในขันท่าเพื่อขันท่าอนไห ม, นม 130, ั zona, นก่อนโยอมเขาบอกว่านี่เหรือเพลิดเพลินในสีหรือเป็นเหตุให้มีตาไม่อยากเชื่อเลยนะเพลิดเพลินในเสียงหรือทําให้มีหูเพลิดเพลินในกลิ่นหรือทําให้มีจมูกอาหารอร่อยๆเนี่ยนะนี่หรือเป็นเหตุให้มีลิน้นอากาศพอดีสบายๆนี่หรือเป็นเหตุให้มีกายเราชอบคิดไปเรื่อยนี้หรือเป็นเหตุให้มีใจไม่อยากจะเชื่อเลยนะนี่แหละเราไม่เห็นอริยสัจมันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ คือตัวตันหาเนี่ยนะในฐานะเป็นเหมือนอะไรเหมือนแม่แต่แม่นเดียวอยู่ได้ไหมไม่ได้พ่อด้วยใช่ไหมนั่นแหละตัวกรรมนั่นแตัวร้ายกาดนักเลยเพราะว่าขอให้มีตันหาสัอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปดึงเอากำดวงที่สองถึงดวงที่หกแม้เมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วก็เข้าไปดึงมาได้ก็แล้วกันเน่ะเขาเก่งขนาดนั้นนะตันหาเนี่ยเพราะฉะนั้นความเพลิดเพลินดูว่าไม่มีโทษแต่ว่าเป็นอย่างนั้นไหม มีโทษนั้นพระองค์จึงบอกว่าถ้าชนะตันหาชนะทุกข์ทั้งปวงถ้าสิ้นตันหาชนะทุกข์ทั้งปวงแต่ที่นี้ในขณะเดียวกันนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เคยรู้สึกรังเกียดในตันหาเลยนะเว้นไว้แต่มันหยาบหยาบที่สังคมรังเกียดนะนะถ้าอย่างนั้นอาจจะนึกรังเกียจบ้างแต่ถ้าเป็นความเพลิเพลินทั่วๆวไปยากนักที่สัตว์ทั้งหลายจับรังเกียจนอกจากพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในทเวทาวิตรสูตรเนี่ย ความที่ท่านเห็นต้นไม้ใบหญ้ามันร่มรื่นแล้วก็มองด้วยความเพลิดเพลินนั่นนั่นอากุศลวิตกแค่นั้นท่านแยกได้เลยนะแล้วก็เจริญวิปัสสนาได้อย่างยืดยาวต่อเนื่องโดยอาศาัยเหตุอยู่เท่านั้นแหละนะแต่ว่าฉบับเราก็แปลไม่ดีนะจริงก็บอกว่าท่านไม่เคยคิดถึงหวังเลยไม่เคยคิดถึงหวังเลยไม่ใช่อากุศลวิตกประเภทนั้นแต่ในคมภีฉบับเนี่ยแปลไว้ไม่ดี อาณบับพมา่ามีหน้าอักษรอยู่ด้วยแต่ชบับไทยไม่มีหน้าอักษรณก็แปลว่าไม่ใช่ไหมตกคำว่าไม่ไปคำหนึ่งพระพุทธศาส์เนี่ยนะตั้งแต่ออกบทประพฤติพรหมจรรย์มาไม่เคยคิดถึงบ้านด้วยอํานาจฉันธราคะเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ที่เรียกว่าอากุศลวิตกของท่านก็คือท่านเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นภูมิภาคที่อู้ดูสวยนะอันนั้นแหละที่เรียกว่าเออเนี่อกุศลวิตกเกิดขึ้นแล้วแก่เราย่อมเป็นไปเพื่อ เบียดเบียนตนย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายย่อมเป็นไปเพื่อความขับแคนย่อมเป็นย่อมทําให้ปัญญาดับไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานก็จริงนะว่าเบียดเบียนพระองค์ใช่ไหมพระองค์มาแสวงหาโพธิญาณไม่ได้แสวงหาอกุศลวิตกเพราะฉะนั้นก็เบียดเบียนพระองค์ก่อนใช่ไหมถ้าพระองค์ไม่เจริญเนคขมมาวิตกจนเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ ไม่ได้สงเคราะห์ผู้อื่นก็เปรียบอุ ป, ปมาเหมือนเบียดเบียนผู้อื่นเพราะไม่ได้บรรลุก็ไม่ได้ช่วยเข า, านะแล้วก็ปัญญาก็ดับลงดับล ง, งนะชานสมถาวิปัสสนาก็จะดับถ้าหากว่าปล่อยให้อกุศลวิตกเหล่านั้นเจริญขึ้นเกิดขึ้นนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ที่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของอกุศลวิตกทั้งหลายเพราะถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจการคิดถึงอริยสัจได้บ่อยเท่าไหร่อันนั้นเป็นเนเขมสังกปะ เป็นกุศลสังกปะเป็นสัมมาสังกปะและลึกเธอเนื้อเธอไออย่างอื่นเราก็นึกมาตั้งมากมายใช่ไหมไอรูปหล่อเนี่คุณวิลาวันคิดไปกี่ครั้งแล้วสุดหล่อตัวนั้นนะเนะอ๋อนะนหาทางออกจนได้เชื่อเหรอหนก็คิดถึงมันต่อไปก็แล้วกันระวังเน้อไปเกิดเป็นเห็บเป็นเหาอยู่แถวนั้นอย่าลำบากเพราะถ้าถ้าเราไม่คิดถึงอริยสัจเอาไว้บ่อยๆเนี่ยเสียหายมากเน่ยไะ นั่นแหะเป็นโทษของการเกิดแล้ไอ้สุดรอถ้าไม่เกิดมันไม่ทุกขนาดนั้นหรอกนะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งฟันก็โผล่อะไรก็เต็มทีแล้วนะแล้วก็สุดรอนนั่นแห ล, อละอายุสิบห้าสิบหกปีแล้วนะถ้าเป็นมนุษย์ก็สักเก้าสิบเจ็ดแล้วล่ะเนี่ยนะแต่นี่เป็นหมาก็เลยลอายุสิบห้าสิบหกปีนี่ก็หนักหนาสาหัสมากมเลยแหละคุณเวลาวันก็ใจดีใจดีเนี่ยนะห่วงแหนมันมากนะดูแลมันอย่างดีเยี่ยมนะนะ อ๋อเอาเออ้ออมีเหตดผลจนได้ไอะไรเชื่อเอแล้วก็ที่ ด, ดูนะไม่น้อมไปเพื่อเห็นเป็นปีละนัทโถเลยใช่ไหมเออเนะ่ขนาดนั้นยังไม่น้อมไปเพื่อให้เห็นปีละนัทโถพอและคุณไม่ต้องว่าแล้วมารู้แล้วล่ะทําให้ในอารมณ์อื่นๆก็ในยะเดียวกันนะไม่ค่อยนึกไปในสภาพว่าคันห้าเบียดเบียนอย่างแท้จริงไม่ยอมน้อมนึกไปนะอันนี้ยกตัวอย่างอ่ะนะ แล้วคุณนิราวันจะเหงาสักก่อนคนอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันวัตถุทั้งหลายที่เรานึกถึงเนี่ยจริงๆวัตถุนั้นเป็นสภาพที่ปีลณะนะเบียดเบียนสันตาปะเร่าร้อนวิปริณามะแปรปรวนล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือสังกตะแต่เราก็ไม่ไม่ค่อยน้อมไปพิจารณาใครครวญในในลักษณะนั้น เมื่อใครไม่ใคร่ครวนนี้จึงไม่เห็นชาติที่ทุกชราทุกพยาที่ทุกขมรณะทุกโสกปริเทวะทุกโทมันอุปาญาตอะไรเลยจึงอัปมงคลอยู่นี่แหละฟังกันนะจึงเลยได้อัปมงคลนั่นเมื่อไหรที่เราคิดว่าการพิจารณาอริยสัจเป็นมงคลก็ต้องนึกว่าถ้าไม่เห็นอริยสัจนี่อัปมงคลนะแล้วก็อัปมงคลแค่ไหนคงจําได้นะที่สูตรหนึ่งในเสรีวะชาดกใช่ไหม ถ้าท่านพลาดสัมมัตตนิยามคืออริยมรรคในศาสนานี่แล้วท่านจะเดือดร้อนเหมือนพ่อค้าชื่อว่าเสริวะฉะนั้นเสีหยหายหลายแสนเลยว่างั้นเสียหายเป็นแสนแสนเลยแหละนี่ก็เหมือนกันนะวัตตาอันยืดยาวเนี่ยคิดหรือว่าเราจะมีบุญแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้คุณเพียรก็ยังมาปารบธรรมมาใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยก็มาขนาดนี้ยังยากอย่างนี้เลยจะมาใหม่อีกรอบจะขนาดไหนเนี่ยนะ ก็อย่าไปหวังน้ําบ่อนหน้าให้มากนักนะนะมีบอ่อนนี้ก็รีบดื่มรีบกินเอาไว้เถอะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่ปล่อยให้ขณะล่วงไปก็ยัดเยียดอยู่ในนรกเศร้าโศกเป็นอันมากไม่ได้ขูเรื่องนรกหรอกแต่เล่าให้ฟังนะนะจริงถ้าหากว่าไม่กลัวก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะจะไปว่าอะไรเขาแต่หวังว่าคงไม่ได้พบกันที่นั่นเอ้ามาด้วยเลย อ, อย่างเนี้ยนาะยยุง่ง <laughs> มันถ้าเห็นอริยสัย์สักอย่างเดียวนะโอนรกไม่ได้กินอีกแล้วต่อไปเนี่ยนะ นรกปิดโดยประการทั้งปวงอบายทุคติวินิบาตปิดเนี่ยนะกระบว่านิยโตสัมโพทิปรายโนนิยโตนี้เป็นความแน่นอนของอริยมรรคสัมโพทิปรายโนข้างหน้าบรรลุอริยมรรคชั้นสูงแน่นอนเนี่ยนะโสตาปฏิยังฆ่าธรรมเนี่ยนะมันก็พยายามที่จะไม่ทอดทิ้งในการตรกระลึกถึงอริยสัตเธอเนี่ยนะอันที่จริงแล้วอริยสัตเนี่ยนะมันมั น, ม, นมันทุกขสัตริมากเขาบอกว่ามันไม่ค่อยเห็นนะสัตนี่ไม่ค่อยเห็น เพราะพยายามเห็นในแง่อัาธาอยู่ตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่ทุกข์สั์นะมันปัญหาสารพันอยู่ในนั้นน่ะแต่ก็ยังนึกไปหาอัาธาจนได้ในโลกนี้นะเชื่อไหมใครที่มองเห็นอัาธาในขันห้ามมากคนนั้นจะได้รับการยกย่องมากว่าโดย ร, มรวมๆนะเนี่ยนะพราะนะพวกที่หยิบอัศาธะาของสิ่งต่างๆมาพูดได้เป็นที่ยกย่องของคนทั่วไปเนี่ยนะนะ เรียกว่านับว่าความเจริญในโลกนี้นะความเจริญที่เป็นความเสื่อมมันนะแต่ว่าเชื่อไหมว่าถ้าเห็นอัศาธาะมากเท่าไหร่นะวัตตะยาวเท่านั้นเพิ่มพูนวัตตะให้แก่ตัวเองเท่านั้นทับถมทุกข์ให้แก่ตัวเองเท่านั้นคืออยากจะเน้นอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่พยายามเห็นอาทีนะวะเจริญสมถาวิปัสนาจนบรรลุมรรคผลในชาตินี้นะโอกาสต่อไปนะยากเพราะว่านี่พศเท่าไหรนะ่ละ สองพันห้าร้อยสี่สิบห้าหลังจากปรินิพันธ์ถ้าเราสมมติว่าจากนี้ไปตายแล้วเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์อีกนะีพอสอเท่าไหร่แล้วมันก็ห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยนะขนาดรุ่นเรานับกระต้นน้ําพอสมควรใช่ไหม ย, ยังปลายขนาดนี้นะ <c oughs> แล้วหลังจากนี้ไปมันจะขนาดไหนนะก็น่าเห็นใจนะเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดเป็นอันขาดเนี่ยนะแกเรียกว่าห้ามก็พิบตาเด็ดขาดเลยนะถ้าพลาดแล้วจะเสียใจ ใจลือว่าถ้าเป็นเดราานะัจฉานน่ะหมดโอกาสไม่ต้องเสียใจแล้วเพราะงาโง่เกินกว่าที่จะรู้จักคําว่าเสียใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าไปนรกค่อยอยังชั่วยัยงพอระลึกอะไรได้บ้างแต่ถ้าเป็นเดรัจฉานทั้งหลายเมื่อเช้าเนี่ยปล่อยสัตว์เนี่ยสัตว์มันว่าอย่างไงบ้าง <c oughs> น, ะนะมันดีใจมากเลยนะที่มันรอดตายเนี่ยนะมันจะได้ไปหามหาพูดต่อเนี่ยนะก็ก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆสอ่อแสวงหามาหาพูดห่วยหิวอยู่มาหาพูดลำบากเดือดร้อนในเรื่อง มหาพุทธเราถ้ามาใหม่ก็มาบริหารมหาพุทธอีกต่อไปเนี่ยนะก็ดูแลมหาพุทธปรับปรุงมหาพุทธบำรุงบำรเริมหาพุทธทั้งภายในมหาพุทธภายนอกอะนะนี่ก็ได้เกือบได้เวลามหาพุทธพักผ่อนอีกแล้วเนี่ยนะก็ก็ฟุ้นเฟินอยู่ในมหาพุทธนี่แหละนะงั้นถ้าหากว่าแทงตลอดอริยสัตว์ก็พ้นจากมหาพุทธที่เป็นอบายนะอริยสัตว์นั้นตรัสรู้เนี่ยถ้าใช้คําว่าอริยสัต์นะเท่ากับแสดงอริยมรสีอยู่แล้ว ทั้ง น, นะเพราะว่ามารรคสัตว์นี้เป็นทั้งโซดาปฏิมรัคสกาธาคามิมรักอนาคามิมรักและอรหัตตมรักเนี่ยนะนั่นการเห็นอ ร, ริยสัตว์นับว่าเป็นมงคลมันสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เห็นอริยสัตว์นับว่าอัปมงคลก็หมูเดรชานทั้งหลายนั่นแหละผลของการไม่เห็นอริยสัตว์นะเห็นเดรชานที่ไหนน้อมใจเธอว่านั่นเพราะเขาไม่เห็นอริยสตัตว์เราทั้งหลายถ้าไม่เห็นอริยสัตว์เราก็จะเป็น เช่นนั้นนั่นแหละนะควรแล้วที่จะสังเวชสลดใจเนี่ย น, นะก็น้อมมาพิจารณาถือว่าการตรัสรู้อริยสัจนี้มีคุณมากจริงจริงนะะคิดอะไรไม่ได้คิดถึงอริยสัจก็ยังดีนะส่วนนิพพานะนิพพานในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงอรหัตตะพลหมายถึงอรหัตตะพเพราะว่าตัวสภาวะของนิพพานก็อยู่ในคำว่า นิโรศจจะอยู่แล้วนะถ้าถ้าเป็นนิพพานที่เป็นนิโรศจจะแต่ในที่นี้นิพพานในมงคลสูตรเป็นชื่อของอรหัตผลชื่อว่านิพพานเนี่ยนะนิพพานนะัสสัจฉิกิริยาทําให้แจ้งในพระนิพพานจึงอยู่อรหัตผลเม้นั้นท่านกล่าวว่านิพพานเพราะออกจากตันหาที่เข้าใจกันว่าวานะเพราะร้อยเอาไว้ในคติห้าตันหานะมันร้อยเอาไว้ให้เย็บไว้ในนรก ร้อเอาไว้ให้ติดไว้ในเปรตเดรชานและมนุษย์ร้อยเอาไว้ในเท ว, วดาทั้งหลายพันตันหานี่เป็นตัวร้อยตัวรักตัวผูกตัวมัดถ้าใครเย็บผ้านนะและลึกถึงเสมอว่าตันหานี่แหละมันร้อยให้ติดเอาไว้ในคติห้านั้นการพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆสําหรับผู้ที่บรรลุอรหัตผลนี่ก็นับว่าเป็นมงคลอย่างเยี่ยมเลยนะผ้าทหารทั้งหลายนี่จึงเป็นมงคลนะ องคแห่งพระอาหารหันต์ทั้งหลายไปที่ไหนก็เป็นมงคลอย่างเช่นที่ในคัมภี์มังคลัะทีปณีก็นับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมงคลพระธรรมก็เป็นมงคลพระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นมงคลผู้ที่เห็นอริยสัจตรัสรู้ถึงระดับอรหั ต, ตผลนี้จึงเป็นมงคลการถึงหรือการพิจารณานิพานนั้นคืออรหั ต, ตผลเนี่ยนะคือการทําให้แจ้มพระนิพานนอกนี้สําเร็จได้ด้วยการเห็น อริยสัจสี่ด้วยเหตุนั้นการเห็นอริยสัจนั้นท่านจึงไม่ประสงค์เอาในที่นี้มันไม่ได้บอกว่านิพานที่เป็นนิโรธสัจจะอันนิพานในที่นี้เนี่ยนะเราต้องมาคิดถึงโดยศัพท์เนี่ยนะอย่าไปคิดโดยสภาวะว่าโดยศัพท์นั้นนิบวกวานะนิแปลว่าไม่มีวานะเป็นชื่อของตัณหาที่ร้อยรัดผูกมัดอรหัตผลเนี่ยสิ้นตัณหาที่ร้อยรัดผูกมัดทั้งมวลจึงเรียกว่านิพาน การทําให้แจ้งพระนิพพานหมายถึงการทําให้แจ้งอรหั ต, ตผลเพราะเป็นเหตุให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นต้นเนี่ยนะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหมการเข้าพร ะ, ระสมาบัติเนี่ยนะคือการเข้าอรหัตผลสมาบัติเนี่ยนะคือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าอ่านในคัมภีนะถ้าเจอว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านออกจากที่หลีกร้นเนี่ยหมายถึงว่าท่านออกจากการเข้าพร ะ, ระสมาบัติเนี่ยนะ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 คือเสียสละเทียกว่าความสุขสุดยอดไม่มีอะไรจะสุขขนาดนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งสามารถเข้าสุขอย่างนั้นทีละห้าวันเจ็ดวันกี่วันก็ได้พระองค์ทำได้หมดแต่ก็สละความสุขเหล่านั้นมาเที่ยวสั่งสอนพุทธเวไนททั้งหลายเที่ยวสั่งสอนเวไนยศัตว์ทั้งหลายประกาศอริยศัตว์ทั้งหลายให้ผู้อื่นได้รับความสุขเหล่านั้นด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็ถ้าเราศึกษาอย่างนี้ก็จะเห็นพระพระมหากรุณาคุณของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สละแม้กระทั่งความสุขระดับสูงสุดมาเพื่อที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เวณัยสัตว์ทั้งหลายเวณยะเวนในยนี้มาจากวิในเวณัยสัตว์ก็คือสัตว์ที่ควรแก่วิในควรแก่สังวรวิในและควรแก่ปหานวินในพระองค์นี้เสียสละความสุขทั้งมวลเพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายที่จะมีปหานวินัยกับสังวรวิใน แต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นๆนะพระองค์มองไม่เห็นคําว่าไม่เห็นคือไม่เห็นวินัยอะไระมีอยู่ในเขาถ้าไม่เห็นว่าสมควรจะมีวินัยในตัวเขานะพระองค์จะหลีกเล่นเนนะถ้าไม่คู่ควรแก่สังวรวินัยและปะานวินยัยพระองค์จะไม่ไปโปรดเลยอันเราทั้งหลายก็หมั่นสังสมอุปนิสัยแห่งอะไรวินัยเนี่ยนะสังวรวินยัยกับปหานวินัยเอาไว้ให้ดีจะได้เป็นพุทธเวไนยเป็นต้นในอนาคตเนี่ยนะ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 วิปัสนาเป็นปัญญาระดับสูงเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติอย่างนี้ก็ทําที่สุดทําให้แจ้งอรหัตผลได้มันก็คาถานี้ก็ประกาศอริยสัจตรัสแสดงมรรคผลนิพพานไว้อย่างเบียดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงอนิสงค์ของผู้ที่บรรลุพระเป็นพระอารหรอันต์อย่างอย่างที่ที่ยกย่องสรรเสริญจึงกระเหรอคาถาที่เป็นมงคลคาถาสุดท้ายว่า พุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสานะกัมปติอโศกังวีรชังเขมังเอตัมมังกลมุตตมังเนนะพุทธสโลกธรรมเมหิก็หมายถึงว่าพุทธะตัวนั้นแปลว่ากระทบนะนะโพธะพานะพุทธศะแปลว่ากระทบกระทบกับโลกธรรมนะนะคว่าพุทธะแปลว่าถูกต้องประสบหรือว่าถูกแล้วต้องแล้วหมายว่าการกระทบนั่นเองการกระทบกับโลกธรรมคือธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ใน ในโลกหมายคาอว่าถ้ายังมีโลกอยู่ทำเหล่านี้ก็ไม่ห่างไปจากโลกถ้ามีโลกกับโลกกับธรรมนี่มันเป็นของที่เป็นไปด้วยกันเพราะธรรมแปดอย่างนี้เป็นธรรมะที่เป็นไปประจําโลกนะโลกโลกไหนโลกที่นั่งนกันอยู่นี่แหละเนี่ยมีกี่โลกหนอะมีอยู่เนี่ยก็ถ้าอยู่ห้าสิบคนก็ห้าสิบโลกเนี่ยนะทุกคนก็จะได้โลกกับธรรมตามสมควรแก่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 ไม่เท่ากันนั้นโลกกระทำทั้งหลายก็ไม่ได้ละเว้นใช่ไหมถ้ายิ่งสุขทุกเนี่ยนะถ้ามีทวารหกเนี่ยไม่มีพน้นเลยนะเพราะทวารหกเป็นที่ตั้งแห่งสุกและทุกทั้งมวลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตของผู้ใดที่ถูกโลกกระทำอย่างนี้กระทบถูกต้องแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนก็คือจิตของผู้ใดอันโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวจิตของผู้นั้นเพิ่งทราบว่าเป็น มงคลเพราะนำมาซึ่งสุขสูงสุดเครียกว่านำมาซึ่งความเป็นผู้สูงสุดเหนือโลกคือเข้าถึงโล ก, กุตระนะนะขอทบทวนให้ฟังนิดนึงว่าโลกธรรมฝ่ายดีคือลาบยศสรรเสริญสุขอยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทยสัตว์นะทุกนินทาเสื่อมยศเสื่อมลาบอยู่ในฝักฝ่ายแห่งทุกขสัตว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 หมายความว่าโลกกระทำฝ่ายไม่ดีเขาก็ทําปริญญาโลกกระทำฝ่ายดีก็ตัดฉันธราค่าได้จิตนี้นี่แหละเรียกว่าจิตสูงสุดเป็นจิตที่เป็นมงคลจริงๆริงนะนะอย่างเช่นจิตของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเสด็จไปทุกคนทุกแห่งโดยที่ไม่ถูกโลกกระทำชาบทาในจิตของพระองค์เลยเพราะฉะนั้นจิตของพระอรหันต์ะคีณาศพนั่นแหละคือจิตของพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะนั่นแหละจิตนั้นน่ยจึงเป็นมงคลนะที่พระองค์ตรัส เป็นคาถาว่าภูเขาหินแท่งนะทึบแท่งเดียวย่อมไม่หวันไหวด้วยลมฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำทั้งสิ้นทั้งอิทธารมณ์ทั้งอนิถารมณ์ย่อมทําจิตของท่านผู้คงที่ให้หวันไหวไม่ได้ก็ฉันนั้นด้วยว่าจิตของท่านที่มั่นคงหลุดพ้นแล้วย่อมเห็นความเสื่อมอยู่หนึ่งๆคงเคยได้ยินนะว่ากําลังของพระ้าหันคืออะไร ท่านบอกว่าสังขารทุกชนิดมนุิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงชํานาญมากไม่มีสังขารใดที่ท่านน้อมไปที่จะนิดเดียวให้เห็นว่าเที่ยงไม่มีทุกสังขารทุกชนิดน้อมโดยความเป็นอนิจจ์เนี่ยชำนาญที่สุดเพราะชาวนะปัญญาท่านดีนะชำปัญญาของท่านเล่นไหวมากในสังขารทั้งมวลล้วนทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยากระเอียดเลวปรนีไกลและใกล้เนี่ยนะท่านเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่าง ชำ น, นานอย่างมากนะเพราะฉะนั้นไอความที่ท่านเห็นความเสื่อมคือความไม่เที่ยงของสังขารอยู่เนืองๆแล้วท่านเห็นกิเลสกามทั้งหลายประดุดฐานเพลิงจิตของท่านจึงโอนไปในวิเวกเงื้อมไปในวิเวกดํารงมั่นอยู่ในสติปฐานเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีคุณธรรมเหล่านี้ท่านจึงไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่เป็นโลกิยะทั้งมวลเนี่ยนะเพราะจิตของท่านไม่ได้มุ่งมาสู่สิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยนะ คนที่ยังถูกโลกกระทำครอบงำอยู่ก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยสยบกับโลกกระทำคือเพราะตัวเองสยบกับโลกจึงถูกโลกกระทำย่ำยีดงนั้นผู้ที่ออกจากโลกแล้วเนี่ยนะก็ไม่ถูกโลกกระทำครอบงำย่ำยีอะไรดังั้นคนที่ถูกโลกกระทำครอบงำอยู่ก็คือผู้ต้องการโลกเนี่ยนะผู้ยินดีในโลกก็เลยถูกทําประจําโลกเล่นงานเอาหน้าดูเลยนะ เดี๋ยวก็สุกบ้างเดี๋ยวก็ทุกบ้างเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เสียได้ก็คือลาบมันะเสียก็เสื่อมลาบใช่ไหมเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเดี๋ยวก็ถูกชมเดี๋ยวก็ถูกด่าเนี่ยนะก็อยู่อย่างนี้แหละส่วนจิตของพระอรหันเนี่ยท่านไม่หวั่นไหวในโลกกรรมทั้งมวลจึงอยู่จิตของพระขีณาสพนั้นชื่อว่าอโศกะอันนี้มงคลข้อที่สิบกเออขอไปข้อที่สามสิบกนะอาโศกังอโศกะแปลว่าไม่เศร้าโศกนะอย่างเช่น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 จิตของพระขีณาศพนั้นชื่อว่าอาโศกะฉันใดก็ชื่อว่าวิรชาปราศจากทุรีเขม ะ, กะเกษฉันนั้นเพราะนั้นอโศกังวีรชังเขมังนะอโศกะเนี่ยอโศกะเป็นมงคลที่36ใช่ไหมวิรชาวีรชังนี่เป็นมงคลที่37เขมะเขมังเป็นมงคลที่38มสิบแปดพันจิตของพระอาหารหันเนี่ยอโศกะไม่เศร้าโศกวิรชาปราศจากทุรีเขม ะ, กะเกษ จริงอย่างนั้นจิตของพระขีณาสพนั้นชื่อว่าวีราชะเพราะปราศจากละองกิเลสมีราฆาโทสะโมหะเป็นต้นชื่อว่าเขมะเพราะปลอดจากโยค้าทั้งสี่เนี่ยกป็ปลอดปลอดโปร่งจากโยค้าทั้งหมดเพราะชนะเพราะว่าจิตทั้งสามอย่างนั้นโดยที่ท่านถือเอาแล้วในขณะจิตเป็นไปในอารมณ์นั้นนั้นโดยอาการนั้นๆพึงทราบว่าเป็นมงคลนะั มันผู้ที่บริบูรณ์ด้วยมงคลดังกล่าวไปก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมมงคลที่สนะามสิบห้าน่ะอ่ะไม่วันไหวไงอนะันนะณกรรมปติอ่ะกรรม ป, ร ต, นะรรมปรติก็คือไม่วันไหวมงคลที่สามสิบหกคืออโศกะมงคลที่สามสิบเจ็ดคือวิรชามงคลที่สามสิบแปดเขมะเขมังเนี่ยนะทีนี้มงคลจิตของพระอรหันต์ที่ไม่วันไหวไม่โศกไม่มี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 มงคลที่สามการบูชาผู้ที่ควรบูชามงคลที่สี่ก็คือการอยู่ในประเทศอันเหมาะสมมงคลที่ห้าคือความเป็นผู้มีบุญอันทําไวแล้วในชาติก่อนมงคลที่ห ก, การตั้งอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบมงคลที่เจ็ดความเป็นพหูสูติมงคลที่แปดความเป็นผู้มีศิละปะมงคลที่เก้า วินัยที่ศึกษาดีแล้วมงคลที่สิบมีวาจาสุภาษิตมงคลที่สิบอ็ำรุงมารดามงคลที่สิบสองบำรุงบิดามงคลที่ส3บสสงเคราะห์บุตรและภริยามงคลที่ส4บสการงานอันไม่าอากูลมงคลข้อที่ส5บห้าทานมงคลที่16ธหรทำมจจริยาประพฤติ ธ, ธรรมมงคลข้อ17็ สงเคราะห์ญาติมงคลที่สิบปดการงานนั้นไม่มีโทษมงคลที่สิบเกาการงดเว้นจากบาปมงคลที่ยี่สิบงดเว้นจากการดื่มน้ําเมามงคลที่ยี่สิบเอ็ดความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งปวงมงคลที่ยี่สิบสองความเคารพมงคลที่ยี่สิบสามความถ่อมตนมงคลที่ยี่สิบสี่ ความเป็นผู้สันโดษมงคลที่ยี่สิบห้าความกระตัย 36, นยูมงคลที่สามสิบหกออี่มงคลที่ยี่สิบหกการฟังธรรมตามการมองคลที่ยี่สิบเจ็ดความอดทนขันตีนมงคลที่ยี่สิบแปดความว่างง่ายมงคลที่ยี่สิบเก้าการเห็นสมณะมงคลที่สามสิบการสนทนาธรรมตามการมองคนที่สามสิบเอ็ดตาบะ มงคลที่สามสิบสองพรหมจันทร์มงคลที่สามสิบสามการเห็นอริยสัจมงคลที่สามสิบสี่การทำอรหัตผตลให้แจ้งนิพานตัวนั้นเป็นชื่อของอรหัตผตลมงคลที่สามสิบห้าไม่หวั่นไหวจิตที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมมงคลที่สาสิบหกจิตที่ไม่เศร้าโศกมงคลที่สามสิบแปดสามสิบเจ็ดไม่เศร้าหมองด้วยละอองกิเลส เขมาเอา่อวีราชาเนี่ยนะวีราชาไม่เศร้ามองด้วยกิเลสมงคลสุดท้ายก็เขม ะ, กะเกษมปลอดปโปรง่งทั้งหมดนี่เป็นมงคลทีนี้โดยสรุปว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลนี่แล้วไม่พ้ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี่แลมงคลอุดมของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น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 เพราะฉะนั้นก็มงคลทั้งสามสิบแปดนี้ก็รับว่าเป็นมงคลที่เป็นไปเพื่อความสวัสดีในที่ทุกสถานเนี่ยนะก็บอกว่าตอนท้ายสุดของเทสนามมงคลสามสิแปดนี้เทวดาบรรลุแสนโกรธพระโสดาบันสกะทาคามีนาคามีนับประมาณไม่ได้แล้วของเราล่ะแล้วก็ได้ฟังมงคลแล้วนะ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 คือว่าความเสียหายที่สุดทีนี้ก็อย่างที่ว่านะถ้าคนนั้นเป็นเราจะว่าไงอนะ่ะอันนั้นก็เสียหายที่สุดเหมือนกันหวังว่าเราทั้งหลายคงจะไม่เป็นพานตัวเองจะได้ไม่คบคนพานสัทีหนึ่งนะเพราะคนอื่นเราจะไปทําอะไรเขาได้นะะก็จากมงคลที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดก็ขอบุญกุศลที่เราที่เราทั้งหลายได้ทํามงคลนับตั้งแต่การครบบัณฑิตเป็นต้นเนี่ยนะถึงการบูชาพระเจดีย์ทั้งสี่แห่งนะใหญ่ๆ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 ขอมงคลเหล่านี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่มีกำลังให้เราทั้งหลายได้ตรัสรู้ น, นะบรรลุเข้าถึงมงคลทั้ง38ที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วทุกคนทุกท่าน